หน้านิวคิ้วขมวดระหว่างที่ก้าวเดินไปอย่างรีบเคียงคู่ดาริน โ, โดยมีทหารพระรามชุดนั้นเข้าขบวนแวดล้อมไปด้วยทำหน้าที่แกะรอยนำทางให้ไกลไกล <S <S ก็แล้วทำไมมันไม่บอกผมซะตรงๆแล้วว่ามันกลัวจะทำงานคนเดียวไม่สำเร็จนี <S 2> <S 2> <S ร่ระพินเป็นคุณนะคุณจะบอกไหมบอกให้เสียเหลี่ยมทำไมในเมื่ออีกฝ่ายนึใช้อานาจขู่เข็นบังคับให้ทางานชิ้นนี้คนเดียวซึ่งขึ้นอยู่ในหลักที่ว่า ไว้วางใจเชื่อฝีมือกันจอมพรานถอนใจเฮือกใหญ่ไห <c oughs> นที่สุดคนที่ฉลาดเหนือกว่าระพินกางแง่ทรายก็คือคุณหญิงดารินนี่เองไม่หรอกถึงยังไงฉันก็ไม่มีวันตามคุณกางแงทรายได้ทันในทุกกรณีหรอกเพียง <c oughs> แต่เมื่อรู้เรื่องราวเข้าก็พอจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางอธิบายปรับความเข้าใจให้ก่ทั้งสองฝ่ายได้บ้างเท่านั้น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 แม้จะมีเขาเหลืออยู่ก็ตามเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะนําทางพวกเราทุกคนไปได้ตลอดรอดฝันหรือไม่นั่นนะมันเป็นการพูดด้วยความฉลาดของหมาจิ้งจอกอะคุณก็จะไม่น่ารักก็อีตอนที่มองเห็นอะไรในแง่ร้ายอยู่เสมอนี่แหละระพินแต่ฉันก็รู้นะว่าคุณทําพูดว่าแง่้ายไปงั้นใจจริงคุณก็รักชอบแง่สายอยู่เหมือนกันแง่้ายตกอยู่ในห่วงอันตรายหรือเป็นอะไรลงไป คุณก็ทนนิ่งดูได้ไม่ได้จะมาเล่นจิตวิทยากับผมนะคุณหญิงดารินผมบอกแล้วยังไงล่ะว่าคนที่ลูกไม้เก่งที่สุดไม่ใช่ราพินหรือแงซายหากจะเป็นคุณหญิงอะแหละนี่นี่นี่ยังหัวเสียไม่หายหรือจับเพราะคนขี้เก็กเก็กซิจนหน้าแก่แก่รู้ตัวมากไหมรู้สึกว่าคุณหญิงอารมณ์ระรื่นเหลือเกินนะครับไม่รู้หรอกรอนะครับ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 โดนเข้าไม้นี้พรานใหญ่ระพินก็จำนนโดยราบคาไม่มีทางที่จะพูดให้หลอนลกลับไปได้ทั้งๆ ท, ที่เต็มไปด้วยความห่วงพวงสารพัดชนิดการดือ้อดึงติดตามมาด้วยของราชสกุลสาวทำให้ความคล่องตัวของเขาหมดสิ้นไปซะและ้วเพราะจะต้องมัวคอยกังวลอยู่หล่อดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์มันเป็นเวลากลางคืนอันมืดมิด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 และมักจะโชคเข้าข้างคล้ายๆจะมีปาฏิหาริย์เข้าช่วยอยู่เสมอซึ่งบ่อยครั้งซะด้วยซ้ำที่หลอนกลับเป็นฝ่ายแก้ไขช่วยเหลือเขาไว้ได้ทันการมีลูกปืนสำรองมาด้วยหรือเปล่าละครับมีสามชุดแล้วมีแรงวิ่งแน่นะถ้าจำเป็นระพินไทรวันไม่กล่าวอะไรอีก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 จากการนำของเจ้าทหารพระรามเหล่านั้นซึ่งพวกมันล้วนชำนาญดีอยู่แล้วในการบุก ป, ป่าฝ่าภัยในยามวิกาศและสามารถจะมีคาน์ปราศาสอันเฉียบวล่วงรู้ได้ในทันทีว่าศัตรูอยู่ในรัศมีใกล้หรือไกลเพียงใดแม้หมอกและความมืดจะเป็นฉากบังอยู่ในขณะนี้ดารินติดหลังเข้ามาในระยะที่เอื้อมมือถึงกันได้ไรเฟิลและไฟฉายพร้อมอยู่ในมือ ลราไม่ใช้ไฟขึ้นเลยอาศัยเขาเป็นเครื่องนำทางในความมืดนั้นขนทางเดินแม้จะสังเกตภูมิประเทศไม่ถนัดนักก็ตามแต่รู้สึกได้ว่ามันเป็นเส้นทางที่เดินลาดสู่ที่ต่าเป็นลำดับทํากลางป่าหินที่สลับไปกับต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นเรียงรายอยู่เป็นระยะทางด้านซ้ายมืดในความรู้สึกของระพินดูเหมือนจะเป็นที่ลาดชันลงไปสู่เบื้องล่างลึก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 มันเป็นเสียงแผดคำรามสนานวันไหวพร้อมกับแผ่นดินที่ยืนอยู่ลัน่นคุกๆๆๆเสียงร้องอย่างตกใจของทหารพระรามทางหลายซึ่งแสประสานกันจนแยกสับ ป, ประสัเนียงไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรแล้วติดตามมาด้วยกำปนาของไรฟิลจุดหซึ่งแน่ละไม่มีใครนอกจากแงาายนั่นเองมันแทดสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นสองตูดไปกัน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 ประดุดภูเขาทั้งลูกถล่มปะทะกันแล้วก็เงียบหายไปทั้งเสียงคนร้องและเสียงไรเฟิลเหลือไว้แต่เสียงคำรามอย่างดุร้ายและเสียงฝีเท้าหนักๆปานช้างสารซักษารเชือกวิ่งพะสุธาสะเทือนสวนหน้าตรงเข้ามาเงี้ยซ้ยดารินร้องลั่นอย่างลืมตัวทริปตานั่นเองร่างของหลอนก็ถูกเวียงกระเด็น คนจากเส้นทางด่านเข้าไปกลิ้งอยู่หลังก้อนหินพร้อมกับพรานใหญ่ผู้พุ่งกายตามติดเข้ามามันเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าธมลซึ่งบังอยู่เบื้องหน้าทั้งสองปะทะเข้ากับภูเขาเคลื่อนที่ลูกหนึ่งซึ่งพุ่งฝ่าหมอกและความมืดเข้ามาอย่างรวดเร็วประดุดเงาปีศาจปรากฏเสียงคลากรสนันวันไว้เกินกว่าที่เจ้าลิงเคราะไรจะหลบทันร่างขนาดหกฟุตของมันลอยละลิ่วขึ้นไปบนอากาศ เพราะถูกเสยงัดแล้วหล้นโครมลงมากระทบกับก้อนหินที่ระพินกับดารินมอบหลบอยู่กระเซ็นเลือดสากระจายไปทั่วพรมลงมาบนร่างของคนทั้งสองแดงฉานแล้วสิ่งอันเลเห็นสันฐานในความมืดว่าเป็นภูเขาเคลื่อนที่ลูกนั้นก็วิ่งแทนดินไวพุ่งเข้าหาลาวานอนกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังถัดไปตามเส้นทางนั้นอย่างกระหายเลือด ทหารพระรามเมืองขีดหินจำนวนสีห้าตัวเหล่านั้นร้องสุดเสียงแต่กระจายกันออกสองฝั่งทางอย่างจ้าละวันบางตัวเพนเข้าหลบหลังก้อนหินบางตัวเพนขึ้นเกาะต้นไม้ริมทางและไต้ลนลานหนีขึ้นไปตาลีตาเหลือกปรากฏการที่เกิดขึ้นภายในเสีย้ยวของวินาทีเหล่านี้มันสับสนชุลมุนไปหมดราวกับฝันร้ายในคืนที่ท่าผิดปกติแม่ละพินไพรวันเองก็ตัวแข็งไปหมด เลือดในกายทุกหยดแทบจะจับเป็นก้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงร้องของแง่ทรายที่กึกก้องขึ้นแล้วเงียบสนิทหายไปเมื่ออึดใจที่แล้วเขาแทบไม่ยอมเชื่อหูเลยว่านั่นเป็นเสียงของแง่ทรายมันทําให้ขวัญและกาลังใจของจอมพรานสลายไปสิน้นแทบจะหมดเรี่ยวแรงเคลื่อนไหวได้ส่วนดารินนั้นบัดนี้หัวใจ ดูเหมือนจะหยุดเต้นไปช่วขคันหนักอย่างน้อยที่สุดในช่วงที่มันพุ่งตะลุยเข้าใส่กลางวงไอ้มัจจุราชสามเขาซึ่งเห็นกับตาบัดนี้ว่าตัวของมันใหญ่โตมโหฬารกว่าช้างไดโนเทเรียมมากมายนักก็ได้ชีวิตพ ล, ลิงของวายาไปอีกตัวหนึ่งในการก้มหัวลงขวิดแหวงเ <c oughs> ขาหรือนอออันแหลมคมอันดับแรกบนดั้จมูกซึ่งยาวโค้งราวกับงาช้าง เสียบะลุเข้ากลางลำตัวของเจ้าทะโมน์ครารายตัวที่สองอาการไม่ผิดอะไรกับฉมวกแทงปลาเจ้าลิงหานผู้หน้าสงสารและติดหลังดารินมาต่อยต่อย ต, ตัวนั้นไม่ได้ร้องรืดิ้นลนเลยแม้แต่น้อยวิญญาณมันหลุดลอยออกจากร่างทันทีแล้วร่างปราศจากชีวิตของมันก็ถูกสะบัดลอยคว้างขึ้นไปกลางอากาศสูงเกือบถึงยอดไม้ในบริเวณนั้น กระดุดทารกน้อยที่ถูกจับโยนหล่นลงมาแหลกเหลวยับอยู่ในพุ่มไม้ใสเซราท็อปผู้กระหายเลือดและเป็นศัตรูขู่อาฆาตของชาวนครลิงทั้งหลายมาเป็นเวลาชานานไม่ยอมเสียเวลาของมันอีกแม้แต่น้อยและไม่สนใจด้วยว่าในกลุ่มลิงฆ่าศึกศัตรูจํานวนน้อยที่ประจันหน้าและมันกําลังตะลุยเข้าบทขยี้อยู่นี้จะมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งเข้ามารวมอยู่ด้วย สัตว์มนุษย์มันห้อตะบึงพร้อมกับแผลคำรามราวกับฟ้าร้องพุ่งเขาควดชนต้นไม้ต้นหนึ่งที่แลเห็นศัตรูของมันอีกตัวหนึ่งเพ่นนี้ขึ้น ห, อห้อยโหนอยู่บนนั้นกะใจพินาศทังทลายลงมาทั้งต้นไม้และเจ้าลิงที่หลบภัยอยู่ด้วยพลังของสัตว์ประเภทไดโนเสาร์เสียงคลื่นกึกก้องสะท้านไปทั้งหุบหิน จะเปรียบเทียบกับรถแรกเตอร์ยักษ์ที่แล่นเข้าชนต้นไม้ก็ยังต่ำกว่าสภาพความเป็นจริงที่สายตาเบิกพรงของพระพินแลเห็นอยู่ขณะ น, นี้ต้นไม้ขนาดคนเดียวโอบไม่รอบต้นหักสะบันถอนรากถอนโคนแล้วฟาดลงมาถล่มทลายไปทั้งป่าไอลิงเจ้ากรรมที่เพนขึ้นไป ห, ห้อยโหนอยู่บนกิ่งตำ่ำที่สุดทิ้งตัวลอยละลิว้ว พร้อมกับร้องออกมาสุดเสียงด้วยความตกใจร่วงหล่นหายไปในหุบลึกเบื้องล่างอนาคตของมันจะเป็นอย่างไรทายไม่ถูกปลายกิ่งของต้นไม้สูงฉลูดต้นนั้นแหวอากอตาศฟาดอู้ลงมาตรงตำแหน่งหมู่หินริมทางที่พรานใหญ่กับดารินสุดหมอบอยู่กระพินตกใจแทบชีวิตหลุดออกจากร่างเขามาได้สติเอาตอนที่กิ่งไม้ฟาดลงมานั่นเอง อดศีษะของดารินซึ่งกำลังจะลุกเพเยอะตัวขึ้นให้แน่ต่ำลงไปเบื้องล่างเพื่อหลบแต่แล้วตัวเองก็ถูกย่อช่อหนึ่งของกิ่งด้านนั้นพร้อมทั้งอำ น, นาจความสะเทือนที่ฟาดลงมาอย่างรุนแรงปัดกระเด็นกลิ้งไปอีกทางหนึ่งอย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้ไรฟฝนและไฟฉายกระเด็นหลุดมือตกอยู่ที่ใดที่หนึ่งภายใต้กิ่งไม้อันกองสูงเนินหนาทึบและบัดนี้ ปกคลุมร่างของเขาไว้นหนุหนั่งแวแวววเหมือนอุปทานว่าจะได้ยินเสียงร้องแหลมกรี๊ดของดารินตะโกนเรียกชื่อเขาไปติดกันหลายครั้งพร้อมกับเสียงดิ้นรนแหวกใบไม้อยู่ภายในอาณาบริเวณเดียวกันกับที่ปกคลุมร่างอันนอนหงายเหยียดยาวมึนปื้อไปหมดของเขาจอมทานรวบรวมกําลังพยายามลุกขึ้นโดยเร็วมันมืดมิดไปหมดเหมือนตกอยู่ในถ้า ภายใต้กองพันเอินปกคลุมของใบไม้อันหนาแน่นเหล่านั้นจิตใจที่เราร้อนไปหมดด้วยความเป็นห่วงน้องสาวของนายจ้างซึ่งบัดนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนในสถานการณ์ใดตัวเขาเองก็ตะโกนเรียกชื่อหลอนเสียงหลงออกไปเช่นนั้นและใช้มือแหวกใบไม้ที่ปกคลุมอยู่ทุกด้านเพื่อหาทางออกในบัดเดียวนั้นก็ได้ยินเสียงหายใจหนักๆของไอ้มัจจุราชสามเขา ดูเหมือนมันจะหยุดพักการเคลื่อนไหวลงขณะหนึ่งเพื่อดมกลิน่นคมแม่นมองหาศัตรูที่จะบทขยี้ต่อไปแล้วไม่ถึงเสี้ยวของอึดใจก็ได้ยินเสียงมันสะบัดหัวงัดชนก้อนหินก้อนเคืองพลิกไหวคลิ้งไปอย่างรุนแรงด้วยอาการหมุดหงิดงุนง่านสำเนียงรอบตัวต่างๆบัดนี้ก็พลอยสงบนิ่งหยุดชะงักไปด้วยราวกับว่าโลกทั้งโลก จะถูกหยุดตรึงให้นิ่งอยู่กับที่ไม่มีระแคะระคายใดๆจากดารินซึ่งเขาไม่ทราบว่าบัตรนี้หล่อนอยู่ตำแหน่งไหนแต่ก็รู้ว่านั่นเป็นความฉลาดอย่างเยี่ยมยอดของหญิงสาวที่จะไม่ทำเสียงใดๆขึ้นอีกทั้งสิ้นในวินาทีดับจิตซึ่งเจ้ามัจจุราชสามเขากำลังค้นหาเป้าหมายอยู่ในขณะนี้ ทหารพรรามทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายกันออกไปราวกับพึ่งแตกรางก็ซุ่มหลบตัวเงียบกันไปหมดเรากับพวกมันจะรู้ตัวได้ดีที่สุดว่าหากกระตกระตกระตากออกไปในยามนี้ก็เท่ากับเรียกมฤตยูให้รู้ที่ซ่อนหลบตัวและพุ่งขบถขยี้ซึ่งพวกมันไม่มีทางจะต่อสู้ใดๆ ไ, ได้ทั้งสิ้นนอกจากคอยหลีกหลบเอาตัวรอดรนนักษา มันเป็นขณะจิตที่รพินไทรวันต้องว้าวุ่นใจขีดสุดสถานการณ์ของเขาเลวร้ายสิ้นดีเอาตอนที่บัดนี้ไม่รู้จะไปงมหาไรเฟิลกระไฟฉายได้ที่ไหนก่อนที่ไอ้มหาการนั่นจะพุ่งเข้ามาถึงตัวในขณะเดียวกันก็เป็นห่วงดาริมขีดสุดจากการที่ไม่รู้สภาพของหล่อนในยามนี้เจ้าสัตว์ครึ่งแรกครึ่งช้าง ซึ่งเป็นต้นตระกูลของสักรื้อครานประเภทมีเขาสำแดงอาการเคลื่อนไหวช้า ๆ, ๆฟังด้วยประสาทหูอันชำนานน่าจะทายได้ว่ามันกำลังหมุนตัวเพื่อเม่นหาสัตรูอันดับต่อไปและดูทีถ้าจะสงสัยอยู่เป็นอันมากว่าภายใต้ยอดไม้อันหนาทึบที่ล้มกองพเนนอยู่นั้นน่าจะมีเยื่อของมันหลบซ่อนอยู่ ดารินวราริชยามนี้ก็เงียบจริงๆเงียบจะจนเขาอดคิดไม่ได้ว่าลอนอาจหมดลมหายใจไปแล้วก็ได้ส่วนไอ้ลิงเวรพวกนั้นก็พากันหดหัวตัวรอดกันไปหมดนรกจะกระเปรตอะไรเช่นนี้ผ่านพระจนไพยกับมาหันตะไพชีวิตเสี่ยงกับความเป็นความตายมาสนักต่อนะักพรานใหญ่ระพินไม่เคยต้องตกอยู่ในภาวะที่ตัดสินใจอะไรไม่ถูกเช่นนี้มาก่อน ทั้งที่เขาก็ไม่เคยประมาณการไว้ก่อนเลยว่าเจ้าไซเทรอท็อปจะเป็นปัญหาอะไรมากมายเกินไปนะักค <L un ters> าว่าที่รู้แน่แน่ในขณะนี้ก็คือแง่ายพลาดไปคนหนึ่งแล้วพลาดอย่างทายอนาคตไม่ถูกก็ใจหายว่าเมื่อได้ยินเสียงมันคำรามออกมาเบาๆอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเอาหัวขวิดชนคนต้นไม้ต้นนั้น ที่ส่วนโคนถอนรากอยู่ใกล้ๆกับที่มันยืนคุมเชิงอยู่เหมือนจะเป็นการทำให้ต้นไม้ขยับเคลื่อนไหวเพื่อย่างเชิงหาร่องรอยของศัตรูแรงงัดนั้นแม้จะเบาก็จริงแต่ทั้งต้นที่ล้มอยู่สัน่นคลื้นครานไปหมดจนตัวเขาเองซึ่งยืนอยู่ภายใต้าการปกคลุมของใบไม้หนาทึกก็ถูกกิ่งเล็กๆกระแทกส่วนเซอยู่ไปมา โดยอาการเคลื่อนไหวของต้นไม้ลมนั่นเองกระพินก็พอจะมองเห็นช่องทางโล่งบางของใบไม้ทางด้านซ้ายมือของเขาที่สามารถจะแหวกออกไปเบื้องนอกได้ถ้าจำเป็นซึ่งเขาก็คำแนไนำกำหนดทิศ ท, ทางไว้แล้วระยะแห่งการสะกดกลั่นลมหายใจนี้อาจพบไรฟุน่นตกอยู่ข้างเคียงบ้างแต่ก็ปราศจากผลจะเดินแหวกกิ่งไม้คลาหาต่อไปก็กลัวจะเกิดเสียง เป็นการบอกให้มันรู้ตัวจึงได้แต่ยืนนิ่งนึกสบดสาแช่งเหตุการณ์อยู่ไอ้ยักษ์สามเขาเริ่มเคลื่อนที่แผ่นดินลั่นคือคือคือคอีกแล้วฟังได้แน่ว่ามันกำลังคลานเข้ามายังกลุ่มของกองใบไม้ที่สุมอยู่อย่างแช่มช้าเขาไม่แน่ใจในระบบคานประสาทของมันนักว่าจะเชียรไว้สักขนาดไหนแต่ยังน้อยก็รู้ว่าที่มันยืนอยู่นั้น เป็นตำแหน่งใต้ลมลักษณะของมันยามนี้ราวกับว่าจะเดินเข้ามาค้นหาศัตรูที่แอบซ่อนอยู่ภายใต้กองสุมของกิ่งใบอย่างใจเย็นที่สุดสภาพของเขาในยามนี้เหมือนลิงที่ติดอยู่ภายใต้ครอบของร่างเหวซึ่งรอให้พรานก้าวเข้ามาคลำค้นหาตัวได้อย่างสะดวกง่ายดายที่สุดชนิดที่ไม่มีทางจะดิ้นรนไปไหนได้เลย ถ้าเพนพรวดออกไปข้างนอกก็เท่ากับวิ่งวนอยู่ในความมืดที่แลไม่เห็นทางถ้ายังหลบซ่อนอยู่ภายใต้กิ่งไม้เหล่านี้ก็รอเวลาให้มันจะตะลุยขยี้เท่านั้นครั้นแล้วน้ำใจอันกล้าหาญและฉลาดล้ำของทหารพระรามทั้งหลายซึ่งร่วมเป็นร่วมตายอยู่ในขณะ น, นี้ก็สัแดงให้เห็นชัด มีเสียงร้องควักลั่นขึ้นจากเจ้าตัวใดตัวหนึ่งที่หลบเล่นเอาเธอเจ้าล่ออยู่เบื้องหลังของไอ้ยักษ์สามเขามันเป็นเสียงร้องยั่วเพื่อเรียกความสนใจของมฤุตยูที่กําลังเคลื่อนเข้าหารพินเหมือนเบนความสนใจออกไปแล้วก็ได้ผลอย่างชะนัดไอ้สามเขาแผดเสียงโกนจนน้าจนหินเสะเทือนตอบกระดุดรับคําท้าทายแล้วก็หมุนตัววูบ ก, กลับปรีเข้าใส่ทางด้านเสียงที่ร้องล่อนั้นทันที เมื่อนั้นเขาได้ยินเสียงกระสุนนัดหนึ่งระเบิดขึ้นใกล้ๆจนแก้วหูแทบราวกลบสับพระสียงสำเนียงใดๆหมดสิ้นชั่วขณะมันเป็นเสียงจุด300ศูนย์์เวทเมตซึ่งดังมาจากบริเวณกองไม้ไม่ห่างออกไปทางด้านขวามือของเขาเท่าไรนั่นเองด้วยสัญชาตาญาณอันเจนกับการต่อสู้รพินไม่จาเป็นจะต้องรอฟัง หรือรอดูท่าทีคืบหน้าใดๆอีกต่อไปทั้งสิน้นเพราะประสาทหูบอกกับตนเองชัดว่ามันเป็นเสียงปืนอันหมายถึงว่าดารินกระนำเข้าให้แล้วยังไม่ทันจะสิ้นกำปนานของกระสุนระเบิดกึกร้องเขาก็เพ่นพรวดออกมาพ้นบริเวณที่ใบปกคลุมอยู่นั้นเรากับมีพลังของพระเจ้าช่วยทรงให้พวบออกมาประทะกับอากาศเบื้องนอกได้ก็แลเห็นลำแสงไฟสาจ้า เขาก็โจรตะลุยข้ามใบไม้ข้าไปยังตำแหน่งนั้นเหมือนหอคุณหญิงส่งปืนก็ไฟใชใ้ผมเร็วเขาร้องออกไปเช่นนั้นแต่จะฟังเป็นภาษาหรือไม่ไม่ไมทราบได้วิบตาเดียวก็ถึงตัวกระชากไร่เฟินจากมือหญิงสาวซึ่งยังไม่ทันสลัดปอกกระสุนออกติดมือมาด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบเร็วเท่าที่จะชิงแข่งกับชีวิตของตอนเองส่งกระสุนนัดที่สองขึ้นรางเพลิงไถลมเข้าไปในกะิ่งไม้ ปากร้องสั่งเร็วปรือต่อไปและไม่อาจเห็นได้ว่าอีกฝ่ายจะปฏิบัติตามหรือไม่ระพินก็ประเคนมัดที่สองเขาใส่เงาอันมะฮือมานั้นเขายิงยิงก้วประสาสัมผัสและสัญชาติยานพรานอีกตูมที่ดังเหมือนฟ้าแตกคราวนี้เองที่ได้ยินเสียงร้องแสดงถึงผลแห่งกระสุนนั้ น, น, นสำเนียงของมันบอกถึงความเจ็บปวดรวดราว ไฟฉายจากดารินเบนวูบว่าไปทางอื่นในขณะที่เขารจนก็ปะทะแยกปืนในครั้งแรกแต่ทันทีที่เขายิงนับที่สองของปืนกระบอกนั้นโฟกัสไฟก็สาดจ้าไปยังเป้าไม้ที่ทำให้พอเห็นอะไรได้ในชั่วพริบตาให้ยักษ์สามเขาในท่าที่หันก้นให้บ่ายหัวไปทางหมูก้อนหินใหญ่อันยังเป็นท่าที่มันวิง่งเข้าไปไล่เจ้าทรโมน์ตัวที่ทำเสียงล่อนั่นเอง ถูกทวงสมอไว้ชั่วขณะหนึง่งขาหลังด้านซ้ายและขวาของมันอันใหญ่โตมาคือ ม, มายิ่งกว่าขาช้างแต่สั้นมอต้อกว่ามากบัรนี้คลักแดงฉานไปด้วยเลือดกำลังไหลปรีราวกับท่อประปาแตกทั้งดารินและเขายิงจากกระบอกเดียวกันกระทบกลางกระดูกขาหลังของมันใกล้เคียงกับตะโภกอย่างจังและบักนี้ มันกำลังอ้าปา ก, กว่างพยายามตะแคงศีรษะจะเอี้ยวมาเบื้องหลังเพื่อจะดึงร่างกายอันใหญ่โตหมุนปลับมาด้วยแต่ความคล่องแคล่ว่องไหวหมดสิ้นไปซะแล้วในเมื่อกระดูกขาแตกเป็นเสียงอยู่ภายในก้อนเนื้อหนาทึบด้วยแรงประทะมหาศาลของหัวกระสุนเล็กๆที่เคยดักไอ้แหว่งมาแล้วสาเดาเจ้าของปืนเต้นราวรกอสุดเสียงกรอขู่เขา ลรนไม่ได้หลบไปไหนตามที่เขาต้องการหากได้ช่วยฉายไฟให้เจ้าทหารพระราณที่แต่เดิมหดหัวกันไปหมดนั้นบัดนี้พรพ้อมพลวกออกมาจากซอกหินรอบ ด, ด้านไปหมดทางเบื้องหน้าของเจ้าไซเทรท็พที่โดนยิงแล้วพวกมันแยกเขี้ยวยิงฟันช่วยกันทาท่าพรุเข้ามาเพื่อหลอกล่อสร้างความพวงของไอ้มหาการไว้เสียงโครกครากโวยวายกึกก้องโกลาหนไปทั่ว ไอ้ยักษ์สะบัดตัวดิ้นรนอยู่ไปมามันไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะหันเข้ามาขยี้ทางด้านไหนดีเบื้องหน้าไอ้ฝูงมโมอนที่แสดงท่าล่อหลอกอยู่เหล่านั้นหรือเบื้องหลังมนุษย์ตัวเจ้ยจอยสองคนที่ทรงความเจ็บปวดพร้อมกับเสียงดังปานพลาฟ้าผ่ามาที่มัรรบพินสลัดบอกกระสุนในครั้งนี้อย่างใจเย็นที่สุดกัดกรามแน่ ไม่สนใจกระเสียงเร่งเร้าให้ยิงสั้นจากดารินแต่กะวางกระสุนให้แน่นอนที่สุดโดยการวางชีวิตเป็นเดิมพันส่วนหลังของมันใหญ่โตมาโหฬารและเนื้อมากเกินไปไม่ใช่เป้าหมายที่จะหยุดกันได้ยังเฉียบขาดเขาต้องการให้มันหันกลับมาเผชิญหน้าในมุมตรงแต่เจ้ากรรมเหลือเกินไอ้ลิงผู้เป็นห่วงและหวังดีต่อเขาเหล่านั้น กลับไปล่อให้ไล่อยู่เบื้องหน้าจะตะโกนบอกมันให้หลบไปเช่นไรก็ไม่เป็นผลหรือรู้เรื่องกันได้ห้ามกลางความชุนละมุนฉุกละหุกเช่นนั้นมีอยู่วิธีเดียวที่จะเรียกความสนใจรอให้มันแว้นตับมาทางเขาไม่ใช่มันพวงไล่ไอลิงพวกนั้นกระพินเทนพรวดออกไปทันที วิ่งเข้าใส่มันจนใกล้ประมาณสี่ห้าว่าทกลางการร้องห้ามเสียงหลงของดารินผู้แท้จะเป็นบ้าตายพเพราะแลเห็นเขาได้ชัดมันก็หลงกลนแววงตัวยักแย่ยักยักยนเพราะขาหลังมีอาการขัดไม่สะดวกหันกลับมาทันทีไม่ทันใจยังสะบัดหัวควิดปังเอาก้อนหินเขื่องเคืองขนาดกรกตามข้าวที่เกะ ก, กะอยู่ใกล้ กลิงกระจายไปยังราวกระถูกระเบิดดันวาระนั้นจอมพรานก็ประทับไรเฟินขึ้นกดตูมยังผงขนเข้าไปที่คมักใกล้เคียงกับดวงตาข้างขวาอย่างถนัดถนีที่สุดเขายิงอย่างรบพินไพรวันยิงสัง่ ไดโนเสาสามเขาศัตรูคู่พิฆาตของชาวนาครลิงทั้งหลายชะงักนิ่งกับที่อย่างกระทันหันราวกับถูกเข็มตรึงวินาทีต่อมามันก็เสือไกยสุดช่วงพุ่งไปยังเบื้องหน้าในทิศทางซึ่งขณะนั้นศีษะยังหันมาไม่ตรงกับคู่ต่อสู้ของมันได้ถนัดนักหินเตียเตีย ก, กลุ่มหนึ่งอันขวางอยู่ใกล้ที่สุด ถูกชนปะทะโดยพลังเท่าที่มีอยู่ในช่วงออกฤทธิ์ครั้งสุดท้ายของมันปรากฏเสียงสนั่นหวั่นไหวกระเด็นไปอยู่กระจัดกระจายออกไปทั่วส่วนปลายของหางที่กวาดสะบัดกระตุกด้วยอาการเกรง็งก็ตวัดมาที่พรานใหญ่ระพินชนิดที่ถ้กกระทบก็ไม่ผิดอะไรกับงวงช้างวาดแต่อาการนั้นก็ช้ากว่านักล่าผู้ชำนาญและจัดเจนต่อปฏิกิริยาต่อสู้โตตอบ ของสัตว์ทุกชนิดในพิภพนี้เพราะภายหลังที่กดตมเขาให้แล้วตัวเขาเองก็สปริงกายถอยห่างออกไปพ้นระยะรัฐสมีปลายหางบังชิดก้อนหิงใหญ่ด้านรงข้ามแล้วก็รอดูฤทธิดเดชของมันต่อไปด้วยใจอันไกลงกล้าเย็นเยียบนัดต่อไปพร้อมที่จะลั่นถ้าจำเป็นแต่มันไม่จำเป็นซะแล้ว ภายหลังจากที่ชนก้อนหินที่ขวางหน้ากระจายไปร่างสงเตี้ยข่อมแต่ใหญ่โตปานภูเขาเหล่ากาของมันก็ถลําหลุดพ้นแนวทางด่านกลิ้งลงไปตามแนวอันลาดชันของขบเบื้องล่างนั้นไม่มีเสียงร้องใดๆจากมันทั้งสิน้นคงมีแต่เสียงร่างกายตันทึบน้ำหนักมากมาย ปะทกะก็แทรกไปกันแง่หินที่งอกรับอยู่เป็นชั้นชั้นและพุ่มพงไม้ที่งอกอยู่แหลกพินาศสำเนียงนั้นเหมือนก้อนหินยี่สิบตันถูกกลิ่งให้หล่นลงมาจากภูเขาดังห่างออกไปเบื้องล่างเป็นลำดับจนแผ่นดินที่ยืนอยู่สะเทือนไหวแล้วก็ไปสิ้นสุดสงบเสียงเงียบเชียบเป็นดุจสี อยู่ในส่วนเบื้องล่างต่ำสุดมันคงจะลึกไม่ใช่น้อยทีเดียวจากหูของระพินที่คอยจับฟังเสียงนั้นต่อให้ตลอดทั้งตัวของมันหุ้มด้วยเกราะเหล็กก็ไม่มีเหลือสำหรับการเอาหัวทิ่มชนก้อนหินไปตามหน้าผาสูงชันนั้นจนกระทั่งไปกองอยู่ก้นโตร มีเสียงแหลมเรียกชื่อเขาทิทีระงมพร้อมกับรู้สึกว่าถูกกระโจนเข้ากอดไว้แน่นทางเบื้องหลังเวลาเดียวกันเจ้าสหายวานอนผู้ร่วมผจญศึกที่เหลืออยู่จำนวนห้าหกตัวเหล่านั้นก็ส่งเสียงโบกเวกอื้ออึงไปหมดพวกมันกระโดดโลดเต้นหกคาเมนตีลังกาแสดงความลิงโลดใจขีดสุดพากันวิ่งวนอยู่รอบๆกายหนุ่มสาวบางส่วนก็วิ่งไปยืนดูอยู่ริมหน้าผา ตรงตำแหน่งที่ไอสามเขามาหาการกลิงหลุดเป็นทางราบลงไปคุณหญิงเป็นอะไรหรือเปล่าครับระพินร้องเร็วหรือด้วยเสียงสัน่นไม่ไม่ไม่เป็นไรคุณละ่ะราชสกุลสาวละล่ำละลักตอบเต็ม ไ, ได้วยความยินดีกอดเข้าไว้แน่นอยู่เช่นนั้นพรานใหญ่ไม่มีเวลาที่จะสนใจกับสิ่งใดได้ต่อไปคว้าไฟฉายจากดารินมาถือไว้ในมือ เดี๋ยวครับผมจะไปดูแงซสายก่อนครับเขาพูดพร้อมกับออกวิ่งสวนไปตามเส้นทางนั้นโดยเร็วดาริมก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้แลน่นตามหลังเข้าไปติดๆปากของหล่อนก็ตะโกนเรียกชื่อเจ้าองค์รักประจำตัวไปพลางไม่ขาดเสียงเงาของทมวลใหญ่อีกตัวหนึ่งกระโดดลงไปจากยอดหินริมทางพอมองเห็นได้ถนัดระพินก็ร้องออกมานีลาอากับกิริยาของนีลายามนี้ สอเห็นถึงความเร่าร้อนกระสับกระส่ายขีดสุดมันร้องเสียงทีทีในลำคอปัดมืออยู่ไปมายุ่งไปหมดแล้วออกวิ่งล้ำหน้าระพินนำไปก่อนทำให้เขาไม่จำเป็นต้องค้นหาทางหรือตรวจร่องรอยใดๆอีกแล้วนอกจากตามการนำของมันไปตามเส้นทางใหญ่ในระหว่างหมู่ก้อนหินที่ขึ้นอยู่สองฝั่งนั้นดารินตะเบงเสียงเรียกแงซ า, ายอยู่เช่นนั้นตลอดทางที่รีบรุดกันมา แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงวีแววการตอบรับใดๆทั้งสิ้นยิ่งทำให้ใจแทบไม่เหลืออยู่เลยแง้ า, ายแง้ า, ายโถแง้ า, ายหลอนครวนครางมีอาการเหมือนจะร้องไห้ทําใจดีๆวะครับคุณหญิงยังมากที่สุดเขาก็กระซิบปลอบโยนหลอนได้เพียงแค่นั้นเพราะตนเองก็ใจแป้วอยู่เหมือนกัน ห่างจากตำแหน่งปะทะของทั้งสองกับไซเซราท็อปเพียงไม่เกิน40เมตรตามเส้นทางเดินใหญ่นั้นทหารเอกเมืองขีดขินซึ่งมองเห็นชัดว่าตัวมันเองไม่ได้รับอันตรายเช่นไรเลยแม้จะเป็นชุดแรกที่สวนประจันหน้ากับไอ้ยักษ์สามเขาพร้อมกับแง่ใาสา่ได้นำทั้งสองห่อมาถึงบริเวณที่สิ้นสุดของเส้นทางด่านสายนั้นซึ่งโค้งล่าต่าลงไปสู่หุบเบื้องล่าง ตำแหน่งนั้นมีก้อนหินใหญ่ขวางอยู่สองก้อนก้อนหนึ่งวางอยู่ในตำแหน่งอันอยู่เดิมของมันส่วนอีกก้อนหนึ่งที่ย่อมลงไปเล็กน้อยมีรอยหินชัดว่าถูกงัดให้หลุดจากที่เคยวางอยู่เดิมเคลื่อนร่นเข้ามาปะทะกับก้อนตรงข้ามจนชิดกันในลักษณะกลิ้งเพราะอำนาจการชนหรือผลักอย่างมหาศาลหินก้อนนี้ เคลื่อนห่างจากที่เดิมเป็นระยะทางถึงสี่เมตรเศษกว่าจะมาปะทะอัดเข้ากับอีกหนึ่งและวางเกยเบียดพิงกันอยู่เช่นนั้นนีลากระโดดเข้าไปที่หินซึ่งกลิ้งเข้ามาปะทะชนกับก้อนนั้นส่งเสียงร้องกระสาวทีรัวก้มๆเงยๆอยู่ตรงนั้นบางขณะก็แสดงอาการเหมือนจะผลักดันหินให้แยกจากกันออกไปมือของรพินไทรวันสัน ขณะที่ใช้ไฟจับนิ่งไปยังก้อนหินคู่นั้นเง้าซาเขาร้องขึ้นเสียงหนักๆอย่างลืมตัวเงียบไม่มีเสียงตอบใดๆทั้งสิ้นนอกจากเสียงร้องระ ง, งมของเจ้านีลาเอามือตีอกชกหัวอยู่ตรงนั้นขณะนี้พวกธรรมนที่เหลืออยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหลายก็เข้ามามุงรายล้อม ช่วยกันส่งเสียงแซเอึ้งมี่ไปหมดแต่ละตัววิ่งพลาดวนร อ, รอบรอบก้อนหินระพินหันไปมองหน้าน้องสาวนายจ้างซึ่งยืนหน้าขาวเปือดอริมฝีปากสั่นอยู่แล้วเอื้อมือไปกุมข้อมือหญิงสาวไว้เขารู้สึกว่ามือของหม่อมราชวงศ์หญิงดารินเย็นราวกับน้ำแข็งจู่มือเดินตรงเข้าไปยังหินก้อนนั้นด้วยความรู้สึกอันยากจะบรรยายถูก มึนงงเหมือนตกอยู่ในสภาพผีอัาสิ่งหนึ่งที่โผล่พ้นออกมาจากก้อนหินลูกซึ่งเป็นฝ่ายเคลื่อนเข้ากระแทกกับก้อนหินอันตั้งอยู่กับที่ปรากฏเป็นเงารางๆทางด้านปลายไฟฉายระดับติดพื้นดินความสนใจของทั้งสองเบนไปที่นั่นก็เพราะเห็นเจ้านลลาพระออกจากที่เดิมตรงเข้าไปก้มหยิบ มีอาการเหมือนจะพยายามกระชากออกมาให้ได้พรานใหญ่เบนไฟฉายตามแล้วทั้งเขากับดารินก็ตัวแข็งอุทานแทบไม่เป็นภาษาออกมาพร้อมกันอย่างลืมตัวมันคือพ่านท้ายไม้อันแหลกเหลวของไรเฟิลจุดสามห้บแววนิ่งของดารินวาราริปซึ่งมอบให้เป็นปืนประจำมือของแงซ า, ายนั่นเองหินมาคือมาก้อนนันบททับอยู่เบื้องบน บังเอากว่าครึ่งค่อนของไรเฟิลให้หายลับเข้าไปภายใต้ซึ่งบัดนี้แนบติดกับพื้นแน่ละส่วนที่หายเข้าไปภายใต้การทับนั้นคงจะหักสะบัน้นเหล็กยับเยินไม่เป็นปืนอีกต่อไปลักษณะไม่ผิดอะไรกับครกที่ทับเอาไม้กิ้มฟันไว้โผล่แต่เฉพาะผ่านท้ายมีช่วงยาวไม่เกินหนึ่งคือล้าออกมาให้เห็นเบื้องนอกหัก จนเห็นเสียนไม้ผ่านท้ายนีลากำลังพยายามจะทำโง่โง่แต่ก็ชลาที่สุดเท่าที่สัตว์ประเภทลิงเช่นมันจะทำได้คือการออกแรงฉุดผ่านท้ายนั้นให้หลุดพ้นออกมาเรากับมันจะคิดว่านั่นเป็นวิธีหนึ่งซึ่งจะช่วยแง้ายได้แต่ต่อให้มีกำลังสักขนาดไหน มันก็ไม่สามารถจะขยับขยื่นพานท้ายไรยเฟิลที่มีส่วนใหญ่ถูกบด ท, ทับอยู่นั้นให้หลุดออกมาได้เลยเพราะความสั้นของส่วนพานท้ายที่พลูออกมานั้นไม่อาจทำให้มันจับงัดได้ถนัดทั้งสองตะลึงพลึงเพลิดกันอยู่ชั่วขณะพอได้สติก็เพนพรวดเข้าไปในตำแหน่งอันเลห์ห็นพานท้ายปืนพลูลอดออกมานั้นพร้อมกันราวกับนัก สุดกายราบลงกับระดับพื้นใช้ไฟฉายพยายามจะส่องลอดเข้าไปใต้รอยพเยอือระหว่างก้อนหินที่ทับปืนและพื้นดินลูกรังนั้นมันไม่ช่วยให้เห็นอะไรได้มากไปกว่าส่วนปลายของผานท้ายที่แตกหักของปืนและเนื้อหินที่ปิดหน้าพื้นดินเท่านั้นทุกสิ่งทุกอยาก่างถูกทับอยู่ภายใต้ก้อนหินอันให ญ, ญ่โตมีน้ำหนักมากมายนั้น กลืนหายเข้าไปหมดห่างจากตำแหน่งพานท้ายปืนที่โผลออกมาประมาณวาศิฉายไฟไล่ละตามคอไปก็พบเศษผ้าผืนหนึ่งโผล่ล้ำออกมาดารินกระชากออกมาโดยแรงเลยยกขึ้นจ้องด้วยดวงตาเบิกกว้างทั้งสองจำได้ดีที่สุดมันคือผ้าขาดหัวสีดำของแง่าย ราชสกุลสาวพูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำเดียวทิ้งกายจากท่าที่คุกเขา่านั่งแผลอย่างหมดเรี่ยวแรงลงกับพื้นระพินฉวยเศษผ้าชิ้นนั้นจากมือของหล่อนยกขึ้นพิจารณาหน้าอันเครียดคล้ำของเขายามนี้ซีดเหมือนศพทั้งสองมองตากันค้างอยู่เช่นนั้นโดยไม่มีคำพูดใดๆ ทุกสิ่งทุกอย่างถูกตรึงเงียบสงบเรากับโลกจะหยุดหมุนไปอีกครั้งแม้แต่ไอลิงพวกนั้นที่วุ่นวายส่งเสียงโวกเวกอยู่ก็พักกันนิ่งกันไปหมดชั่วขณะจอมพรานสะบัดหน้าแรงๆครั้งหนึ่งพยายามจะถามตัวเองว่านี่เขาฝันไปหรือเปล่าและพยายามสงบจิตใจใช้ไฟฉายส่องกราด พิจารณาบริเวณไปรอบๆค่อยๆพยุงกายขึ้นส่วนดารินนั้นหมดกําลังใจสิ้นแรงที่จะเคลื่อนไหวต่อไปได้เซะแล้วเ่านั่งพับเพียรเอามือเท้าพื้นดินอยู่ตรงโคลนหินนั่นเองหินก้อนที่เคลื่อนเข้ามาชนปะทะกับอีกก้อนหนึ่งนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสาเมตรเศษและสูงในส่วนที่สูงที่สุด เมตรลักษณะของมันเหมือนแท่นหกเหลี่ยมคะเนน้ําหนักว่าไม่ต่ากว่า15้าตันส่วนก้อนที่ยืนอยู่กับที่เป็นหัวตะโ ง, งกแง่หินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาซีขวามือที่ทอดต่ำลงมาลักษณะเดิมของมันก่อนที่จะถูกอีกก้อนเข้ามาเบียดชิดนั้นเป็นผุ้ไม้เตี้ยเตี้ยขึ้นอยู่ตรงด้านหน้า แต่ยามเมื่อถูกเบียดชนแล้วเช่นนี้ยอดของพุ่มไม้บางส่วนโผล่หักพับขึ้นมาให้เห็นในตอนบนส่วนตอนล่างก็คงจะถูกบดแหลกยับไปทั้งพุ่มจอมพรานค่อยๆเดินตรวจ ด, ดูจนรอบอาการของเขายามนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนถูกสะกดจิตเรียวแรงจะเหือดหายไปหมดสิ้นเช่นกันแล้วก็เดินคอตก กลับไปยังดารินผู้ยังนั่งพับเพียบแปะอยู่อีกครั้งสุดกายลงตรงหน้าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินนั้นรับดารินพึมพำออกมาเหมือนจะกล่าวกับตนเองอย่างเลื่อนลอยฉันไม่เชื่อนี่เราต้องฝันไปประโยคต่อไปหล่อนร้องดังขึ้นในลักษณะกรีดกล้อง โผก็ามาเขย่าไหลของรบพินโดยแรง ร, บ, รบพินคุณเดินหาดูให้ทั่วเถอะเขาต้องหลบอยู่แถวนี้แหละตอนที่มันพุ่งเข้าใส่เพียงแต่ว่าเขาทำปืนหรือผ้าพกหัวตกไว้ตะโกนเรียกเขาสิแง่ า, าย้แง่ า, าย้แล้วหล่อนก็แผดเสียงหลงเหมือนคนหมดสติรบพินอุดปากหญิงสาวไว้แน่นเมื่อนั้นเองหล่อนจึงรู้สึกตนขึ้นมาอีกครั้ง อยเรียกเลยครับคุณหญิงไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นครับแง่ายไม่สามารถจะตอบคําเรียกของเราได้อีกต่อไปแล้วล่ะครับเริ่พินฉันไม่เชื่อผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันครับคุณหญิงไม่เห็นร่องรอยอะไรทางด้านอื่นบ้างเลยเหรอฉันบอกแล้วว่าเขาอาจทําปืนกับผ้าพพกหัวตกไว้ไง ตัวเองเห็นนีรอดไปได้ไงคุณหญิงครับถ้าเขาอยู่ที่อื่นนอกจากใตห้ตหินก้อนนอกจากใต้หินก้อนนี้นีลากับลิงพวกนั้นก็จะบอกเราแล้วล่ะครับพรานใหญ่พูดเสียงเครือพยายามข่มความรู้สึกเต็มที่ดวงตาที่แลประสานหล่อนคู่นั้นแห้งผากสิ้นหวังมันจะต้องเป็นเหตุการณ์กระทันหันที่สุด ขณะที่แง่ทรายกับนีล า, าเผชิญกับไอ้สามเขานั่นเขาไม่ทันรู้ตัวล่วงหน้ามาก่อนว่ามันไต่ทางขึ้นมาได้สำเร็จและแอบซุ่มคุมเชิงอยู่แล้วพอได้ระยะมันก็พรวดเข้าใส่แง่ทรายหลบเข้าไปบังอยู่หลังหินก้อนนี้ซึ่งแต่เดิมมันตั้งอยู่ตรงโน้นขณะที่หลบก็ยิงสกัดไอ้มาหาการนั่นก็พุ่งเข้าชนดันก้อนหินที่แง่ทรายหลบอยู่แล้วผลักเข็นเข้ามา ชนปะทะกับหน้าผานี่โดยแรงในขณะที่แงซทายยังอยู่เบื้องหลังของก้อนหินที่ถูกผลักดันให้ถอยร่นเข้ามาอย่างเร็วปืนและผ้าพวกหัวที่ถูกทับอยู่ข้างใต้นี่มันเป็นพยานหลักฐานบอกชัดที่สุดแล้วครับแล้วแล้วตัวเขาอยู่ที่ไหนล่ะดารินถามขึ้นแทบไม่มีเสียงระพินไม่ตอบ หรืออย่างน้อยคอหอยเขาก็ตีบตันไปซะแล้วในชั่วขะนะนแต่ชี้มือเป็นความหมายเข้าไปใต้หินที่เบียดทับกันอยู่มีระดับราบชิดพื้นดินโดยมองไม่เห็นว่าอะไรก็ตามที่อยู่ข้างใต้จะเป็นตัวตนต่อไปได้ถ้าไม่ใช่มดหรือแมลงเล็กๆดาริงกายสั่นเทิมยกมือขึ้นปิดปากไว้จอมพรานกัดริมฝีปากแน่นกล่าวออกมาแหบพร่าจนจำเสียงตัวเองไม่ได้ มันเป็นความผิดของผมเองครับที่ปล่อยให้แง่ายล่วงหน้ามาก่อนตามลำพังเขาพูดอย่างขมขื่นปวดร้าวที่สุดไม่ใช่ละพินมันเป็นความผิดของฉันมากกว่าที่วิ่งตามมาถ่วงเวลาพูดกับคุณอยู่ตรงนั้นทําให้แง่ทายพผละมาก่อนนี่ถ้าฉันไม่ตามมาคุณก็คงจะมาพร้อมๆกับแง่ายและสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่มันคงไม่เกิดขึ้น พร้อมกับเสียงพูดกระท่อนกระแท่นแทบไม่เป็นคำดารินซบหน้าลงกับก้อนหินนั้นปล่อยโฮออกมาดังๆระพินไพรวันพยุงกายขึ้นยืนอย่างแทบจะไม่รู้สึกว่าตนเองทำอะไรอยู่เขาเดิอนอย่างปราศจากจุดหมายตปะปะได้สสี่เก้าแล้วก็หยุดยืนซึมอยู่ริมก้อนหินก้อนหนึ่งริมก้อนหินก้อนนั้น บังเกิดอาการวิงเวียนเหมือนจะเป็นลมจนต้องเอามือเท้ายันเพื่อทรงกายไว้แล้วก็เพิ่งจะรู้สึกตนเองว่ามีน้ำอุ่นๆจากดวงตาไหลผ่านเป็นทางลงมาที่แก้มอันกรามเกรียบพานใหญ่กัดกรามแน่นยกนิ้วขึ้นแตะคลําอย่างไม่แน่ใจใช่แล้วน้ำตา น้ำตาของลูกผู้ชายอันมีชีวิตเฮี้ยมเกรียมกระด้างที่สุดซึ่งยากนักที่มันจะหลั่งออกมาให้ใครได้ความรู้สึกของรพินไพรวันยามนี้สวรรค์หรือนรกก็ไม่อาจอยั่งทราบกดเขายกมือข้างที่เท้ายันอยู่นั้นทุบกระนำลงไปบนก้อนหินนั้นอย่างไม่คำนึงถึงว่ามือจะปวนพินาดบัตรนี้ประสาททุกส่วนชาดิกไปหมด ด้วยความโทมนัสและเครียดแค้นเศร้าสลดจนจำแนกไม่ถูกเบื้องหลังของเขาเป็นเสียงสอึกสะอื่นร่ำไห้ของดารินหลอนอาไยรักและเสียดายเจ้าคนใช้ผู้เฉลียวฉลาดและจงรักพักดีตอลอดเป็นความรู้สึกของนายที่มีต่อบ่าวคนที่รักสนิทที่สุดส่วนเขาละ่ะ มันดูเหมือนจะยิ่งไปกว่าความรู้สึกของหมอมราชวงศ์หญิงดารินวราริ์สักร้อยเท่าเมื่อหวนนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในอดีตระหว่างเขากับแง่ทรายผู้เป็นสหายสึกเคยช่วยเหลือเจือจานกู้ชีวิตกันมานับครั้งไม่ถ้วนแม้ว่าโดยผิวหน้าเบื้องนอกจะมีลักษณะเป็นเสมอคู่ปรับที่กินเหลี่ยมคู่กันมาตลอดบัดนี้มันถึงวาระแล้ว ที่รพินไพรวันจะตั้งคำถามกับตนเองว่ามันเป็นความจริงเหรที่เขาเคยบอกกับตนเองว่าเขาชิงชังเกลียดน้ำหน้ามันที่สุดถึงขนาดที่เคยแช่งชักกล่าวอาฆาตไว้ก่อนแล้วฉันไหนเล่าคนใจเพชรอย่างเขาจึงต้องเสียน้ำตาเช่นเดี๋ยวนี้คิดว่าที่เขาพยายามจะรั้งตัวคุณ ไปด้วยให้ได้มันเป็นเพราะหวังไว้ว่าถ้าเขาพลาดพรั้งอย่างใดคุณจะได้เป็นหลักประกันความปลอดภัยช่วยเหลือเขาได้ถ้าคิดอย่างนี้คุณจะสงสารแง่ทายนะแทนที่จะโกรธประโยคคํคำพูดของดารินเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วมันนี่เองบัตรนี้แววกล้องอยู่ในหูของเขายิ่งคิด ยิ่งทบทวนคำพูดของราชสกุลสาวที่กล่าวให้สติและพยายามจะเป็นตัวกลางสร้างความเข้าใจอันดีในระหว่างเขากับแง่สายยิ่งทำให้พรานใหญ่แทบจะทนทานต่อความรู้สึกอันเศร้าสะเทือนใจไม่ได้บัดนี้เขาได้ยินเสียงร้องไห้ของตนเองดังมาจากห่วงลึกของหัวใจดารินพูดไว้ถูกต้องแนละ้ว เงายายปรารถนาในความช่วยเหลือร่วมมือจากเขาในทุกครั้งแห่งกา ร, รเผชิญมหันตภัยแม้จะเก่งกล้าสามารถซักเพียงใดก็ตามเงาสายก็ต้องการที่จะมีเขาใกล้ชิดร่วมพัจน์อยู่ด้วยเสมอแต่เขาเองสิเขาเองที่กลับปฏิเสธและผลักใสมันออกไปด้วยอารมณ์เพียงแค่คุณข้องเดือดดาลอันไร้สาระ ถึงจะอย่างไรเสียเขาก็รู้อยู่ตลอดเวลาแล้วว่าแงซายอ่อนเยาวกว่าเขาในทุกด้านชนิดที่ไม่ควรจะทอดทิง้งเมินเฉยหรือปล่อยให้เผชิญหน้ากับอันตรายโดดเดี่ยวอย่างคนใจร้ายดารินเคยพูดไว้ว่าเขาเป็นคนใจร้ายใจดัำมันก็ถูกอีกระพินไพร์วันเป็นคนใจร้ายเป็นคนใจแคบ จ, จริงๆ เขาพรุษสวรร่แช่งตนเองอยากจะหัวชนหินให้ตายดับไปเสียเดี๋ยวนี้รู้แล้วรู้รอดมันสายซะแล้วคนนามสกุลไพรวันบอกกับตนเองมันสายเกินไปกว่าที่แงาสายจะมีโอกาสได้ยินโดยห่วงลึกของหัวใจนั้นเขารักมันเสมอด้วยน้องชายร่วมสายโลหิต และในชีวิตนี้คนชื่อระพินทร์ไทวันไม่เคยเสียน้ำตาให้แก่ใครมาก่อนทั้งสิ้นอีกความรู้สึกหนึ่งที่แสกซ้อนขึ้นมาจากความรวดร้าวขมขื่นนั้นก็คือสิ้นแง่ทายเพียงคนเดียวก็เปรียบว่าแขนซ้ายและขวาของระพินทร์ไพรวันขาดสะบั้นลงแล้วในการเดินทางมาหาวิบากครั้งนี้ ทางด้านปากเวิงถ้ำอันเป็นวังสถิตของวายาจอมนครซึ่งบัดนี้คณะนายจ้างและพวกลูกหาบทุกคนกำลังหลับสนิทโดยไม่ได้ระแวงฉเฉลียวคิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้นเชิทาวราฤทธิ์ท่านหัวหน้าคณะสะดุ้งตื่นขึ้นเป็นคนแรกจากเสียงระเบิดกึกก้องของไรเฟิลสองนัดที่แว่วมาตามลมดึกเสียงนั้นชัดเจนทีเดียว จะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้หรือจะว่าไกลก็ไม่ไกลอดีตท่านทูตทหารบกลืมตาพโพลงขึ้นแต่ก็ยังนอนอยู่ในท่าเดิมเพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดจากกุปทานหรือไม่เอามือตบควานด้านซ้ายซึ่งจำได้ว่าเป็นที่นอนของน้องสาวรู้สึกว่าโล่งว่างเปล่าแต่เมื่อเอื้อมหางออกไปอีกจึงพบหน้าอกของชายัน เขาพงโงกกายขึ้นนั่งในทันทีนั้นด้วยความสงสัยดารินหายไปจริงๆเชิถาขามวดคิ้วยน่นความงววเงียแทบจะหายปเป็นไปทิ้งหมุนกายไปมองรอบๆอย่างรวดเร็วระพินหายไปเงาซายก็อันตรธานไปจากตำแหน่งที่เคยนอนเอ๊ะท่านหัวหน้าคณะร้องขึ้นดังๆจากเสียงนั้นเองชายันกับมารีจึงพลิกกายลืนตาขึ้นมอง ทั้งสองรู้สึกตัวขึ้นพร้อมกันพอแลไปในความสลัวรางตะคุม่มเห็นเชษฐานั่งเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่ก่อนแล้วก็พลดพราดลุกขึ้นมาทันทีมีอะไรเหรอครับพี่ใหญ่มารียถามเสียงตืง่นตื่นน้อยระพินแล้วก็แง่ทายนะหายไปไหนหรือว่าหยกๆยกไม่ถึงอึดใจมันเนี่ยค ร, ค, รครับคล้ายครับคล้าวว่าจะได้ยินเสียงไรเฟิลสองนัด น, นะฮะชายันสะดุง้ง หันมาสำรวจไปรอบๆตัวโดยเร็วพร้อมกับมาเรียและทั้งสองก็พบความจริงตามที่เชิดาบอกพรานใหญ่ดารินและงแง่ทายไม่ได้นอนร่วมอยู่ในที่พักด้วยแต่พวกพรานพื้นเมืองอื่นๆขณะนี้ยังหลับสนิทไม่มีใครรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเลยเพราะความอ่อนเพลียจะรู้สึกตัวเมื่อไหร่เชาิาสหายของเขาถามเร็วปือก็เดี๋ยวนี้เอง โอ้มันแหววเสียงปืนก่อนนะแล้วแกะกะ็เมยไม่ได้ยินเลยเหรอฉันไม่ได้ยินเลยนะเพิ่งจะตื่นก็ตอนที่แกวมือขย่าตัวนี่แหละถ้าเป็นเสียงปืนก็น่าจะมีพวกเราคนอื่นๆได้ยินบ้างนะเธอได้ยินหรือเปล่าเมยมาเรียสั่นหัวฉันก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะแต่เสียงปืนมันยังไม่สําคัญถ้าก็ว่าสามคนนะหายไปไหนแล้วหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่ทันจะขาดคําพูดของแมมสาว ทั้งสก็ต้องสะดุ้งขึ้นสุดตัวเพราะได้ยินเสียงระเบิดของกระสุนแทรกความเงียบมาอีกครั้งสะท้อนกล้องไปทั้งหุบเขาอีกหนึ่งนัดระหว่างที่เชตฐาชัยยันและมาเรียทัลันพรวดขึ้นยืนโดยไม่ได้แมน่นัดกันนั้นกลุ่มพรานพื้นเมืองก็ตื่นพรวดพลาดกันหมดเพราะเสียงสนั่นวันไหวของนัดนั้นตาพรานท่าบุญคำร้องลั่นออกมาว่าเฮ้ยนั่นมันเสียงปืนนี่นายท่ามกลางการตกใจตื่น และลุกขึ้นอย่างชุนลมุนของทุกคนอีกสองนัดก็ลั่นไปตามมาอีกมันเป็นของจริงจนเกินกว่าที่ใครจะคิดว่าฝันละเมือไปซะและ้วสอดแทรกมากระเสียงระเบิดของกระสุนซึ่งดังทอดจังหวะเป็นระยะห่างชั่วอึดใจตอนหนึ่งนัดนี้หูของทุกคนดูเหมือนจะแววเสียงต้นไม้ใหญ่ล้มเสียงก้อนหินพลิกและเสียงแผดร้องคำรามฟังคล้ายๆช้างเอาเข้าให้แล้วชัดเลยคราวนี้ ชชยันร้องลั่นออกมาทั้งๆที่ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือเท่าที่ทุกคนรู้ในขณะนี้ก็แต่เพียงสามคนของคณะที่หายไปอย่างลึกลับแล้วก็มีเสียงของการยิงท่ามกลางราตรีอันเงียบสงัดทุกคนก้มลงคว้าอาวุธคู่มือขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณและเพ่นพลวดไปชุมนุมกันอยู่หน้าปากถ้ำอาการรวนเรเพวาพวงอย่างตัดสินใจยังไงไม่ถูก วายาเองก็ดูเหมือนจะสะดุ้งรู้สึกกายขึ้นมาในครั้งนี้ส่งเสียงคำรามออกมาจากลำคอพร้อมกับพยุงยันกายจะลุกขึ้นเชิดากมาเรียเหลือบเห็นซะก่อนจึงวิ่งเข้าไปจับไหล่ไว้อย่าลุกขึ้นมาวายานอนอยู่กับที่ท่านหัวหน้าคณะสั่งจอมวานอนดวงตาเป็นประกายวาวโรูดนายใหญ่วายาได้ยินเสียงเสียงของไอ้สามเขา มันกําลังบุกเข้ามาแล้วนายใหญ่เจ้าไม่ต้องกังวลรอกวายาเราทุกคนรู้ตัวแล้วและพวกเราบางส่วนคงจะกําลังปะทะกับมันอยู่ขณะนี้เขาพูดปลอบใจวานอนผู้บาดเจ็บทั้งทั้ที่ยังไม่สามารถจะเดาเหตุการณ์ได้ถูกใจของเชิดถายามนี้ร้อนราวกับไฟเผาขณะที่พูดก็กระซับกระายอยู่ไปมาขณะนี้พวกพรานพื้นเมืองทุกคน กำลังพูดกันเอกเอตโโรอยู่หน้าปากเพิงถ้ำทุกคนจะออกตามเสียงปืนไปเพราะร้อนใจเช่นกันแต่ก็รวนเรกันอยู่เพราะยังไม่มีคำสั่งจากนายใหญ่ขณะนั้นทมุลชะกันสามสี่ตัวก็วิ่งพรวดสวนปากทางเข้ามาตรงเข้าไปบอกภาษาตรงก็ไปส่งภาษาบอกความแก่พญาของมันลั่นไปหมดว า, าหันไปพูดกับพญาลิง วายาหันไปพูดภาษาลิงกับบริวารเหล่านั้นเร็วปรือแล้วก็หันมามองเชษฐากรรมาเรียด้วยอาการตื่นเต้นเร่าร้อ น, นแทบจะระงับไว้ไม่ได้กิริยาก็ฮึดฮัดเหมือนจะเพน ล, ลุกจากแทน่นแต่ทั้งสองคงช่วยกันรั้งตัวไว้บอกเร็วสิวายาบริวารของเจ้ามารายงานว่าไงเชิดาถามในขณะที่ตนเองก็ยังตัดสินใจยังไงไม่ถูกใช่แล้วนายใหญ่ ว่ายาเข้าใจไม่ผิดไอ้สามเขาค้นพบทางและบุกรุกเข้ามาถึงทินของชาวนครลิงแล้วนีลามาตามพวกของท่านล่วงหน้าไปดักแล้วคงเกิดประทะกันขึ้นลิงพวกนี้ไม่ได้ติดตามไปด้วยแต่คอยฟังเสียงอยู่ได้ยินเสียงของการต่อสู้ยังไม่มีลิงพวกนี้ตัวใดรู้ข่าวขณะนี้พวกเราทั้งหมดตอื่นขึ้นเตรียมพร้อมแล้ว อีกไม่นานมันจะบุกตะลุยเข้ามาถึงใจกลางเมืองเราสั่งให้พวกเราออกตามหลังไปเดี๋ยวนี้เถอคะคับพี่ใหญ่มารียพูดอย่างกระวนกระวายเราจะตามกันไปทั้งหมดนี่แหละเชิดถาตัดสินใจแล้วบอกกวายาโดยเร็วว่าวายาสำหรับเจ้านะเราขอร้องนะให้สงบนิ่งอยู่กับที่ตามเดิมและสั่งลิงบริวารของเจ้าให้ช่วยนาทางกัพวกเราด้วยเราจะไปกันทั้งหมดเดี๋ยวนี้ วายาหันไปบงการกับทำนวลที่แวดล้อมอยู่เหล่านั้นทันทีสองสามตัวพระออกจากแท่นของประมุขมันลงวิ่งสี่ขานำออกไปรอคอยอยู่เบื้องนอกทันทีเชิดขาเอื้อมือมาตบไหลวายาเบาๆแล้วยักหน้ากับเมชวนกันรุดตามออกมาสมทบกับชา ย, ยันและพักพวกทุกคนที่ยืนกระสับกระส่ายรอคอยอยู่ต่างมีปืนและไฟฉายครบมือท่ามกลางบริเวณหน้าลานของถ้ำที่พัก ซึ่งบัตรนี้แม้หมอกจะลงจัดและถูกปกคลุมด้วยม่านอันดำสนิทของรัติการก็ยังรู้สึกได้ดีว่าทั่วบริเวณเมืองลิงตื่นขึ้นพร้อมกันหมดเคลื่อนไหวกันอยู่อย่างพลุกพล่านตื่นตระหนดโดยไม่ปล่อยเวลาให้สูญเปล่าไปเลยแม้แต่วินาทีเดียวมาเรียตะโกนสั่งเป็นภาษาพม่าไปยังสางตากับขยินให้ออกติดตามหลังธรมนซึ่งทำหน้าที่เป็นมคุเทศไปโดยเร็วเพื่อจะได้ไม่หลงรอย เพราะเจ้าลิงพวกนั้นจำนวนหนึ่งห่อรุดหน้าไปโดยไม่ยอมรังรอบุญคำจันเกิดและเสรยก็โวดหลังไปอย่างกระชั้นชิดเป็นชุดถัดมาโดยทิ้งจันไว้ให้รังไทยเป็นเครื่องหมายสังเกตเห็นของกลุ่มนายจ้างทั้งหมดเคลื่อนไปในลักษณะครึ่งวิ่งครึ่งเดินแล้วก็รู้สึกว่าแผ่นดินเบื้องหลังไหวสะเทือนคึกคักไปหมด มันหมายถึงว่ากองกําลังของนครขีดขิงอย่างน้อยก็เป็นจํานวนไม่ต่ากว่าร้อยร่วมสมทบมาด้วยเป็นกองทัพทีเดียวซึ่งเป็นตรงข้ามกับเสียงของการประทะเบื้องหน้าที่ได้ยินแววมาเพระบาทนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นความเงียบอย่างเต็มไปได้วยปริศนาภายหลังจากเสียงระเบิดของกระสุนนัดสุดท้ายและเสียงการแผดร้องอย่างดุร้ายของไอ้สามเขาไม่มีใครกล้าทํานายเหตุการณ์ได้ นอกจากจะรีบพุทธไปให้ถึงและเห็นกับตาเองปัญหาที่เชษฐาชายันและมาเรียต้องคบคิดหนักอยู่ในขณะนี้ก็คือระพินแงนรายและดารินย่องออกไปตั้งแต่เมื่อไรและทำไมเมื่อระแคระคายข่าวของไซเทราท็อปที่บุกรุกล่วงถิ่นเข้ามาจึงไม่ปลุกบอกฝ่ายตนให้ทราบบ้างทั้งสามคนมีอาการเหมือนจะเลี่ยงออกไปรับมือไอ้สามเขา โดยไม่ต้องการให้ฝ่ายที่นอนหลับรู้ตัวเลยสำหรับประพินกระแง้ายก็ช่างเถอะแต่ทำไมน้อยถึงต้องไปกับพวกนั้นด้วยในเวลาเช่นนี้ไม่ยอมบอกให้เรารู้ซะด้วยไพรวันชวนน้อยไปละมั้งมาเรียว่าหล่อนมีความเป็นห่วงเพื่อนสาวขีดสุดเชิดถามเม้มริมฝีปากแน่นพยายามจะคบคิดถึงเหตุผลอย่างผู้ใหญ่และสันสีสัก เรายังเดาอะไรไม่ถูกทั้งสิ้นแต่ไม่น่าเชื่อนะว่ารรบพินจะชวนน้อยออกไปในเวลาและสถานาการณ์เช่นนี้เสียงปืนทั้งหมดดังกี่นัดครั้งแรกแมันดังสองนัดติดติดกันตอนที่ฉันนอนฟังอยู่อะเว้นระยะมาสักสองสามอึดใจที่แกปลุกที่ปลุกแกะกะเมขึ้นมาแล้วตอนที่เรากำลังพูดกันอยู่มันก็ดังขึ้นอีกสามนัดเว้นช่วงเป็นจังหวะทั้งหมดก็ควรจะเป็นห้านัด แล้วก็เงียบชี้ไปเลยทั้งเสียงพวกเราสามคนนั่นกระเสียงไอ้สามเขาแล้วแกคิดว่ายังไงเชตหาท่านหัวหน้าคณะเงียบกริบไม่ตอบอะไรทั้งสิน้นเพราะเขาเองก็ไม่กล้าที่จะคาดการอย่างใดได้ทั้งสิน้นแต่มาเรียบอกมาอย่างคนใจหนักว่าฉันชื่อมือไพรวันกางแงสายนะลักษณะของเสียงปืนที่ดังให้ได้ยินตามที่พี่ใหญ่บอก มันน่าจะแปลได้ชัดเจนว่าสองคนนั่นน่ะเอาตัวไอ้สามเขาอยู่ราบคาบแล้วลํำพังแค่สองคนน่ะม่เป็นไรหรอกแล้วเราทั้งหมดก็คงไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนตามออกมาเดี๋ยวนี้นอกจากว่านอนรอฟังข่าวแต่นี่นะ่ะมีน้อยติดไปด้วยอีกคนนึงก็เหมือนกับว่าทั้งสองคนนะ่ะมีภาระเพิ่มขึ้นเราก็กำลังจะไปดูเห็นกตาแล้วเดี๋ยวนี้ไงใช่ยัน วิตกวิจารอะไรในขณะนี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกเชิฐาตัดบทในส่วนลึกของจิตใจเขาเองก็หวั่นไหวสังหอยยังไงบอกไม่ถูกแล้วทั้งสามก็ยุติการพูดจาอะไรกันลงเพียงแค่นั้นนอกจากเร่งฝีเท้ารุดหน้าไปอย่างเดียวไม่เกินสิบห้านาทีของการเดินกันอย่างแทบไม่มีเวลาหายใจ ทั้งสามก็ได้ยินเสียงพูดกันเอะอะเบื่องหน้าท่ามกลางม่านหมอกที่คลุมมัวไปหมดในระหว่างป่าหินรอบด้านสำเนียงเสียงพูดจากันเหล่านั้นมันแสดงความตื่นเต้นรหนกตกใจจนทำให้เชษดถาชัยยันและมาเรียซึ่งยังไม่เห็นเหตุหการณ์กับตาถึงกระใจหายรีบวิ่งตรงเข้าไปโดยเร็วเมื่อใกล้เข้ามาก็เลยเห็นกลุ่มพรานพื้นเมืองที่ล่วงหน้ามาก่อนทั้งหมด กำลังยืนรายล้อมอยู่ตรงก้อนหินใหญ่ส่งเสียงพูดกันแทรกฟังไม่ได้สักแล้วระพินกับดารินก็แหวกคนเหล่านั้นแล่นสวนออกมาเมื่ออีกสามคนวิ่งกรูเข้าไปน้อยระพินเชิดารองขึ้นอย่างปิติยินดีแท้แลเห็นน้องสาวและพรานนำทางปลอดภัยและอยู่พร้อมหนะ้าส่วนชา ย, ยันก็ถามในทันทีว่าเป็นยังไงบ้างเอาอยู่หมัดเใช่ไหม ไอสามขานั่นหรือว่ามันเปิดหนีไปแล้วขณะที่ถามสามคนที่เป็นฝ่ายเข้ามาทีหลังยังไม่มีใครทันสังเกตเห็นอากับกิริยาของบุคคลทั้งสองได้ถนัดดารินนั้นวิ่งเข้ารวมกลุ่มแล้วก็ยืนหน้าซีดขาวเหมือนคนเป็นบ้บอยู่ส่วนรพินเก้าเขามายืนอยู่เบื้องหน้ากลุ่มนายของเขาเสียงพูดแถบเครือไปกวัดทุกครั้ง สซเซราท็อปถูกปืนตกหน้าผาไปแล้วครับคิดว่าคงอยู่แน่เพราะไม่ได้ยินเสียงของมันเคลื่อนไหวอีกเลยแต่เสียงของพรานใหญ่ขาดหายชะงักไปเพียงแค่นั้นแต่อะไรเหอรอรพินมีอะไรเชษฐาฉุกใจถามมาโดยเร็ ว, รวคำถามนั้นเองสร้างความเงียบงันให้เกิดขึ้นชั่วขณะและบัตรนั้นเอง ทุกคนก็แทบหัวใจวายดับเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นของดารินต่างเหลียวขวับไปเห็นนักมนุษยวิทยายกมือทั้งสองขึ้นปิดหน้ากายสั่นเทาอยู่น้อยอะไรกันนี่หมายความว่ายังไงเชษฐาชยยันและมาเรียร้องขึ้นเกือบจะเป็นเสียงตะโกนพร้อมกันกรุณาตามผมมาทางนี้เถอะครับ รพินไพรวันพูดเสียงแผ่วต่ำใบหน้าของเขายามนี้ทุกคนเห็นว่ามันเซียวคล้ำมองผิดไปกว่าที่เคยเห็นมาตลอดในตาทั้งคู่แห้งผากกล่าวเพียงแค่นั้นเขาก็หมุนกลับเดินนำรงไปที่ก้อนหินซึ่งปวกพรานพื้นเมืองกำลังรายล้อมก้มลงมองอะไรอยู่ชุนละมุนทั้งสามคนที่ตามมาภายหลังสาวเทาว้าตามเข้าไปในทันใด อย่างหายใจหายใจคว่ำท่ามกลางดวงไฟฉายอันสว่างจ้าหลายดวงที่สาดไปตามพื้นบริเวณก้อนหินซึ่งเคลื่อนเข้ามาประชิดชนกันทั้งสองก้อนนั้นสิ่งที่ปรากฏชัดกับสายตาของเชษฐาชัยยันและมาเรียมันบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่จำเป็นที่ใครจะต้องปริปากคำใดออกมาในขณะนั้นไรเฟิลมม ของแง่ใายที่ถูกบทแหลกลานอยู่ใต้ก้อนหินโผล่ท้ายส่วนน้อยออกมาให้เห็นและผ้าผูหขวผืนนั้นเชิากับชยันยืนจ้องตัวแข็งเป็นหินไปชั่วขณะมาเรียอุทานอะไรออกมาคำหนึ่งอย่างตกใจสุดขีดเบิกตามองทั้งสองสิ่ง น, นั้นอย่างแทบจะไม่เชื่อสายตามีอาการเข่าอ่อนเหมือนจะเป็นลม ทั้งทั้งที่เป็นคนใจแข็งที่สุดสุดหวบลงไปนั่งคุกเข่าอยู่กับพื้นตรงหน้าพานท้ายปืนที่โผลออกมาพระเจ้าพระองค์หลอกลวงเสียแล้วสิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นในลักษณะการเช่นที่เห็นอยู่นี้หลอนคลางออกมาอย่างลืมตัว ชายันอันอันไทรหลับตาสะบัดศีรษะอยู่สองสามครั้งแล้วลืมขึ้นจ้องมองอีกพร้อมกับแลสลับไปยังหน้าของระพินซึ่งยืนมืนซึมคอตกอยู่เหมือนจะถามว่านี่เป็นความจริงหรอฝันไปหรือเปล่าส่วนเชษฐาวราริษผู้จักว่าเป็นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะดีที่สุดบัดนี้ก็ชาไปหมดทั้งสมอง โไม่น่าเลยแงสายเอ้ยข้าเห็นเองอยู่หลัดหลัดเสียงใครคนหนึ่งรำพันขึ้นปนร่ำไห้ดังมาจากกลุ่มพรานพื้นเมืองในขณะนี้ปลุกภวังอันมึนงงของเชิถาขึ้นท่านหัวหน้าคณะยกมือขึ้นลูปใบหน้ากวาดสายตามองไปยังทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะนี้อันเป็นภาวะอันเงียบสงดและเศร้าซึม จนสุดที่จะบรรยายได้ระพินในขณะนั้นไม่มองสบตาใครนอกจากแลจ้องอย่างปราศจักจุดหมายไปยังหินก้อนนั้นดาลินไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ปิดหน้าสะอื้นกระซิกกระสิกอยู่เช่นนั้นพวกพรานพื้นเมืองทุกคนเริ่มปรากฏร่องรอยของน้ำตาที่หลังออกมาจากความอาลัยรักเศร้าเสียดายสุดซึ้ง แม้แต่เจ้าสางปาซึ่งเป็นคนกระด้างที่สุดกองทัพธมูลนับร้อยก็แห่กันมาเต็มบริเวณในขณะนี้ดูจะหยุดการเคลื่อนไหวทั้งมวลลงสิ้นเชิงเช่นกันพากันนิ่งส ง, งบกันไปหมดระพินในที่สุดท่านหัวหน้าคณะก็ปรับอารมณ์ให้ลงสู่ปกติสภาพด้วยความยากเย็นขีดสุดเ อ, อ่ยเรียกพรานใหญ่ขึ้นครับผม เป็นความจริงอย่างที่เราเห็นอยู่นี่เหรอผมมาเห็นในครั้งแรกก็อย่างที่พวกเราทุกคนเห็นอยู่ในขณะนี้รครับเป็นการเห็นภายหลังจากที่หญิงไอ้สามเขาตกหน้าผาไปแล้วและตามเข้ามาถึงตรงนี้ครับครานใหญ่ฝืนใจพูดทั้งๆั้ ท, ที่แทบจะไม่มีเสียงเขาเองยามนี้มีความรู้สึกที่ไม่อยากพูดอะไรกับใครทั้งสิน้นหมายความว่ายังไง ไม่ได้มาพร้อมกันและมองเห็นเหตุการณ์อยู่ด้วยกันหรอกเหรอก่อนที่พานใหญ่จะตอบดารินก็บอกมาทั้งเสะ อ, อื่นเป็นครั้งแรกว่าเป็นความผิดของน้อยเองค่ะพี่ใหญ่น้อยวิ่งตามหลังสองคนนี่มาตอนที่นีลาไปบอกข่าวเรื่องการบุกเข้ามาของไอ้ตัวร้ายนั่นระพินมัวแต่หยุดพูดกันน้อยเพื่อจะไล่ให้กลับแงาซายก็เลยล่วงหน้ามาก่อน ระพินก็ น, น้อยตามเว้นระยะห่างมาทางเบื้องหลังแง่ท า, ายก็เลยปะทะกับไอ้มหาการนั่นเข้าก่อนน้อยสิคะที่มัวแต่ถ่วงเวลาราพินไว้เองถ้าทั้งสองคนนั่นมาพร้อมกันก็คงไม่เกิดความสูญเสียถึงเพียงนี้แล้วคะ่ะท่านหัวหน้าคณะมองหน้าน้องสาวและพรานใหญ่สลับกันไปมาระพินผมยังไม่เข้าใจนะไหนลองว่าไปละเอียดสิ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเสียงปืนสองนัดครั้งแรกน่ะเป็นของใครแง้ทายประจันหน้ากับมันก่อนครับในระหว่างที่ผมกับคุณหญิงตามทิ้งท้ายมาเบื้องหลังเสียงปืนสองนัดแรกน่ะเป็นเสียงปืนของแง้ทรายครับผมได้ยินเสียงมันพุ่งเข้าชนก้อนหินกริ้งพร้อมๆกับเสียงปืนมีเสียงแง้ทายร้องแล้วก็เงียบไปต่อจากนั้นมันก็พุ่งสวนมาที่ผมกับคุณหญิงครับ แล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่เผชิญกับตนเองเท่าที่สายตาเห็นและหูได้ยินให้คณะนายจ้างทั้งสามทราบโดยละเอียดมาเรียกับชัยยันฟังด้วยอาการเลื่อนลอยเพราะความหวั่นไหวตกประมาต่อเหตุการณ์ส่วนชี้ถาฟังด้วยอาการพิเคราะห์ใคร่ครวนอย่างรอบคอบที่สุดระพินคุณสันนิษฐานว่างแงซายหลบกำบังอยู่หลังก้อนหินนี้ขณะที่มันวิ่งเข้าชน และผลักก้อนหินเข้ามากระแทกกับอีกก้อนหนึ่งนี่ใช่ไหมรูปการมันเป็นเช่นนั้นครับจากปืนและผ้าพวกหัวที่โผล่มาให้เห็นแล้วแง่ทรายก็หายไปอย่างไม่มีร่องรอยได้ค้นหาทั่วแล้วเหรอลองตะโกนเรียกดูแลหรือยงังผมหาจนทั่วแล้วครับและถึงแม้ว่าผมอาจค้นไม่พบร่องรอยทางรอดด้านอื่นของแง่ทราย แตนีลาและลิงที่ร่วมเหตุการณ์อยู่กับแง่ทรายในขณะนั้นย่อมรู้เห็นเหตุการณ์ได้ดีที่สุดครับถ้าแง่ทรายพลลหนีจากที่นี่ไปได้และไปหลบอยู่ที่ไหนเขาจะพ้นจากการสังเกตรหรือดมกลิ่นของนีลาไปไม่ได้นีลาเป็นผู้ที่ยืนยันได้ดีที่สุดว่าแง่ทรายอยู่ใต้ก้อนหินนี้ครับเชษฐาอึงเห็นจะไม่มีอะไรเคลือบแคลงอีกแล้วสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับแง่ทรายผู้เคราะร้าย มันทำให้เขาหดขู่สลดใจเหลือที่จะกล่าวไม่ผิดอะไรกับสมาชิกผู้ใกล้ชิดที่สุดในครอบครัวได้ล้มหายตายจากไปท่านหัวหน้าคณะก้มลงพิจารณาตรงตำแหน่งที่ด้ามปืนโผล่มาและตามแนวขอบหินที่บทชิดพื้นนั้นอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งเ้าก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าอะไรก็ตามที่ถูกบดอยู่ใต้น้ำหนักอันมากมายนี้จะคงชีวิตรอดอยู่ได้ นอกจากหมดปลุกลักษณะของหินนั้นตันทึบและมีขนาดใหญ่โตกว้างขวางมากในพื้นหน้าตัดตรงที่ทาบแนวดินอยู่กระดูกกระเดี่ยวเนื้อหนังมังสาของแง่ทรายคงจะแหลกเหลว อ, อยู่ภายใต้และถูกบดบังมิดชิดอยู่เบื้องล่างตรงใจกลางชนิดที่แม้แต่เลือดก็ไม่มีโอกาสจะกระเซ็นออกมาถึงข้างนอกให้เห็นได้ อดีตท่านทูตทหารบกบอกกับตนเองว่าบัดนี้เขาได้สูญเสียบุคคลที่มีค่าที่สุดในคณะไปสัึคนหนึ่งแล้วเป็นบุคคลที่เคยถ่ายเลือดช่วยชีวิตของเขาไว้ด้วยในอนดีตที่ผ่านมาถ้าแม้จะซื้อชีวิตของคนคนนี้กลับคืนมาได้ด้วยมูลค่าของเงินสักขนาดไหนเขาก็ยินดีที่จะสละได้ทันทีแต่มันสายแล้ว สำหรับเจ้าคนใช้พิเศษนามว่างแง่ายซึ่งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ร่วมด้วยนั้นทุกคนก็ไม่สู้จะรู้สึกอะไรนักแต่ยามที่รู้ว่าได้จากไปแล้วเช่นนี้จึงเพิ่งจัดระหนักได้ดีที่สุดทุกคนเต็มไปได้วยความรักอาลัยและเสียดายขีดจุดจนยากที่จะกลั้นน้ำตาไว้ได้ไม่น่าเชื่อเลย ไม่น่าเชื่อเลยว่าแง่สายจะพลาดในครั้งนี้ช ย, ยันพึมพำพร้อมกับโครงสีสะอย่างเศร้าใจหมอกลุงหนักมองอะไรไม่เห็นแล้วมันก็ซุ่มรอคอยจังหวะอยู่แล้วระยะประจันหน้าจวนตัวคงจะกระทันหันเหลือเกินเชษดถาพูดด้วยเสียงกระซิบขณะที่ออกเดินตรวจบริเวณอย่างถี่ถ้วน เขามองเห็นจริงตามข้อสันิษฐานของระพินทุกอย่างคนเรามันก็อยู่ที่ดวงถ้าถึงคราวจะสิ้นต่อให้มีฝีมือเก่งกาจสักขนาดไหนก็พลาดได้เหมือนกันแง่สายมีเกณฑ์ชะตาชีวิตสร้างสมมาแค่นี้เองน่าเสียดายเหลือเกินเราไม่น่าจะสิ้นคนดีไปสักคนหนึ่งเลยแต่ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับน้อยหรือระพิน เราก็จะยิ่งสูญเสียมากกว่านี้หลายเท่าท่านหัวหน้าคณะเรียกพรานใหญ่เข้ามาใกล้ท่ามกลางบรรยากาศอันเศร้าซึมตกไหลโดยแรงพร้อมกับกล่าวอย่างหนักแน่นว่าราฟินอย่าเสียใจไปเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันไม่มีใครผิดหรอกแต่มันเป็นคราวชะตาดับของแง่ทรายเองผมเข้าใจความรู้สึกของคุณดีที่สุด ตัวคุณเองได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วแต่มาปรึกษากันดีกว่าว่าจะเอายังไงกันต่อไปดีกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าผมมึน ง, งงไปหมดแล้วล่ะครับคุณชายคิดอะไรไม่ออกในขณะนี้ครับทานใหญ่สารภาพตามความรู้สึกแท้จริงอาการของเขาผู้เผยเหมือนคนใกล้จะสิ้นแรงและบังเกิดอาการหนาวสะท้านเยื่อขึ้นมาเป็นระลอก ใช้ ย, ยันเอามือเท้ายันหินก้อนนั้นคเนวัดน้ำหนักจยงหนักใจแล้วว่าเราคงทำอะไรไม่ได้อีกแล้วลนอกจากช่วยกันหาทางขยื่นก้อนหินนี่ออกแล้วก็เอาศพแงซ า, ายออกมาจัดการเผาไม่ควรจะปล่อยทิ้งให้เขาถูกทับแหลกอยู่ใต้ก้อนหินนี่ตลอดไปนั่นคือสิ่งเดียวที่เราจะทำให้แกแงซ า, ายได้เป็นครั้งสุดท้ายก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้นล่ะ นรืคุณว่าไงระพินเชษถาขอความเห็นมาอีกครับสุดแต่คณะนายจ้างของผมจะเห็นสมควรนะครับแต่คืนนี้เราคงยังทำอะไรไม่ได้ถนับนักหรอกครับหินก้อนนี้มันใหญ่โตหนักมากแล้วก็ต้องระดมแรงไพร่พลส่วนใหญ่ของวายามาช่วยด้วยเราก็คงต้องรอจนกว่าจะพรุ่งนี้นะครับท่านหัวหน้าคณะ ออกเดินพิจารณาดูหินก้อนนั้นไปจนครบรอบอีกครั้งแล้วก็เห็นด้วยตามคำพูดของจอมพรานหันไปหาหรือชา ย, ยันและมาเรียอยู่อีกก็พยักหน้าบอกว่าตกลงระพินเป็นอันเอาตามที่คุณว่าแล้วกันคืนนี้เราก็ถอยกลับไปก่อนปล่อยให้แง่ทรายนอนสงบอยู่นี่แหละพรุ่งนี้เช้าค่อยมาจัดการกันค่ะไปกลับกันเถอะ เพราะถึงจะยืนเศร้าเสียดายอะไรแงซายอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ช่วยอะไรคนที่ตายให้กลับชีวิตขึ้นมาได้พักผ่อนเอาแรงไว้ดีกว่าในยามที่ทุกคนเต็มไปด้วยความเศร้าส้อยเผชิญกับเหตุการณ์อันสันสะเทือนใจที่สุดในยามนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นชัดได้ว่าเชษฐาวราริกท่านหัวหน้าคณะเป็นบุคคลที่มีกากลังใจอันแข็งแกร่งมั่นคง และคุมสติได้เหนือกว่าทุกคนเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้นาทั้งหมดพากันเคลื่อนถอยห่างจากหินก้อนนั้นออกมาอย่างสงบเงียบและรวมกลุ่มกันเดินทางบ่ายหน้ากลับบรรยากาศเต็มได้วยความเศร้าสลดยังไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ว่าจะผ่านพจนกับความทุกข์หนักมาซักปานใดสาหรับที่แล้วๆมา ระพินไพรวันกับตาพรานเท่าบุญคำดูเหมือนจะเป็นสองคนสุดท้ายที่ยังยืนนิ่งอยู่เบื้องหน้าก้อนหินนั้นในระหว่างที่ทุกคนเคลื่อนถอยออกมาหมดแล้วก็มีนีลาอีกตัวหนึ่งซึ่งนั่งจ้องอยู่ใกล้ๆท่าทางเหงาหงอยดูเหมือนมันและพวกทรร ม, มนทุกตัวจะเข้าใจสถานการณ์ได้ดีที่สุดและพลอยซึมเศร้าไปด้วยทานใหญ่ถอดหมวกออก ยืนตรงสงบนิ่งเหมือนจะเป็นการคารวะไววอาลัยแด่สายศ ส, สึกผู้ร่วมเป็นร่วมตายกับเขามาโดยตลอดขณะจิตต่อมาก็หมุนตัวกลับตัดใจเดินจากโดยไม่เหลียวกลับมามองอีกเลยคงทิ้งให้บุญคำกับนีลายืนอยู่ที่เดิมแต่พรานเท่าสั่งขี้มูกแล้วเข้าไปตบเบาๆที่หินก้อนนั้น เองนอนคนเดียวอยู่ใต้นี่ไปก่อนนะแง้ายแกพูดปนสะอื้นเอาแขนป้ายเช็ดตาทุกนี้ข้าจะมาเอาเองออกขาดเองสักคนนึงพรานใหญ่ก็เหมือนขาดแขนขวาแล้ววะแล้วไอ้แขนซ้ายแก่แกอย่างข้ามันจะช่วยอะไรนายก็ไม่ได้มากนักหรอกขอให้วิ ญ, ญญาณเองไปสู่ที่ชอบที่ชอบ และอาโหสิให้ข่าด้วยว่าที่เคยล่วงเกินอะไรเองไปเลี้ยวกลับมาเห็นนีลานั่งจ๋องกระพริบตาเปรบๆอยู่ตาเท่าก็เกิดโมโหจี๋ขึ้นมาทันใดยกมือขึ้นชี้หน้าร้องว่ามึงไอชิบหายนีลาเพราะมึงตัวเดียวนี่เสือกน้ำเสือซ่าเข้ามาจนคนของกับแหลกไปคนนึงคนดีซะด้วยความจริงมึงน่ะจะรู้ร่วหน้าไอสามเขาดักอยู่ตรงไหน ดันน้ำกระเรากะระ่าเข้ามาจนถึงจมูกมันนี่ลาร้องครอกหนะึ่งในลําคอแล้วแย่เขี้ยวขาวแงถ้ามันพูดตอบได้มันคงจะตอบไปแล้วว่าก็ข่าจะไปกัดสรู้ได้ยังไงล่ะโว้ยแต่เท่าก็มันดักอยู่ใต้ลมหมอก็ลมจัดแล้วงแงสายตายคนเดียวเมื่อไหร่ถึงลิงพวกข่าก็เละไปหลายตัวเสือกมาโทษสั์กันทำไม บุญคำมันไสอาการของมันเต็มที่ก็เลยยกเท้าทีปเปรียงเข้าให้แต่ลิงย่อมรักษาคุณสมบัติลิงไว้เสมอไม่ว่าจะตัวใหญ่สักขนาดไหนมันหลบฉากแล้วปล่อยให้ตาเท้าทีประกาศวืดจนเสียหลักลมจ้ำเบาลงเองแล้วตัวมันก็ร้องเจี๊ยออกคอนบะหนีไปทันทีเหมือนจะรู้ตัวกลัวผิด ทั้งๆ ท, ที่โดยแท้จริงมันไม่ได้หวันบุญคำเลยสักนิดมนุษย์แก่ๆตัวเล็กนิดเดียวแค่นี้ไอ้ น, นี้ลาทุกทีเดียวก็ขอหักตายเปล่ามันคงเห็นว่าแกกําลังโมโหก็เลยไม่อยากจะตอแยด้วยปล่อยให้บุญคำลุกขึ้นมาขบเคี้ยวเคี้ยวฟันสมบุ ด, ด่าขมุนโฉงเฉงอยู่คนเดียวก่อนที่จะเดินกระยองกระแยงตามหลังพักพวกไประพินแวะกลับเข้าไปริมทางด่าน ตรงที่ต้นไม้ล้มกองพเนนอยู่บอกให้คนของเขาช่วยกันส่องไฟฉายค้นหาไรเฟิลและไฟฉายของตนเองที่ตกหายอยู่ในกองใบไม้เหล่านั้นชั่วไม่นานก็พบแล้วบ่ายหน้านํำกลับที่พักทันทีโดยไม่ได้ชี้ร่องรอยให้คณะนายจ้างของเขาดูตําแหน่งที่ไซส์ซระทับวิง่งถล่าหลุดพ้นหน้าผาลงไปเบื้องล่างซึ่งทุกคนก็หมดกระจิกกระใจที่จะสนใจอะไรอีก ทงเมื่อกลับเข้ามาถึงถ้ำพัดของวายาถ้ำกลางความเงียบเหงาวงเวงใจอย่างประหลาดทั้งหมดเห็นวายานั่งพิงพนักหินอยู่บนแทน่นนิลารับทางล่วงหน้ามาถึงเจ้านายของมันตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไม่ทราบบัดนี้พวกธรรมน์กลุ่มใหญ่กําลังรุมล้อมเหมือนจะรายงานให้พญาของมันทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อเชิฐากับคณะเดินเข้าไปหา และก่อนที่จะพูดขึ้นเช่นไรจอมวานอนก็กล่าวขึ้นสะก่อนด้วยน้ำเสียงอันเหตบห้าวแช่มช้าวายารู้เรื่องจากนีลาทั้งหมดแล้วตัวสามเขาศัตรูคู่แแคนของวายาพินาศ ด, ด้วยฝีมือคนของท่านแต่คนหนึ่งของฝ่ายท่านก็ต้องเสียชีวิตไปวายาเสียใจด้วยกับพวกท่านเป็นอย่างมาก ท่านหัวหน้าคณะฝืนยิ้มเศร้าๆเจ้าคงจะสบายใจได้แล้วนะวายาต่อไปนี้จะไม่มีตัวสามเขามาคอยรังควานพวกเจ้าอีกแล้วเราได้ทำตามสัญญาที่ให้แก่เจ้าไว้แล้วข้าวหน้าของพระเจ้ากรุงขีดขินสลดหมองถอนใจเฮื่อพลางสายหน้าช้าๆแต่คนผู้กล้าหาญและมีฝีมือของท่านก็สูญเสียไป อ, อ, อย่า ก, กังวลไปเลยวายาเราเองก็เสียใจที่สุดในการสูญเสียชีวิตคนดีของเราไปในครั้งนี้แต่ก็คิดซะว่าเขาถึงที่ตายเองก็ช่วยไม่ได้ถึงยังไงเราก็ยินดีที่เราช่วยพวกเจ้าไว้จากศัตรูร้ายครั้งนี้ได้ท่านเป็นบุคคลที่มีน้ำใจอันยิ่งใหญ่นักวายากล่าวชัดท้อยชัดคำ วายาจะไม่ลืมบุญคุณของท่านและพวกในครั้งนี้เลยและสักวันหนึ่งคงจะได้ตอบแทนว่าแต่ศบคนของท่านที่ติดอยู่ใต้ก้อนหินใหญ่ท่านจะจัดการเช่นไรพรุ่งนี้เราจะไปเคลื่อนหินออกแล้วก็จะนําเขาออกมาเผาวายาวายาจะสั่งให้นีลานํากองทัพธรรมน์ทั้งหมด ไปช่วยเคลื่อนหินก้อนนั้นให้แก่ท่านพรุ่งนี้ขอให้พวกท่านพักผ่อนเสถิดอีกนานกว่าตะวันจะขึ้นดีมากกว่ายาเชษฐาบอกแล้วนําทุกคนกลับไปยังที่นอนแต่แล้วก็ชะงักเมื่อหินตรงบริเวณที่พักนอนนั้นบัดนี้ร่างของพรานใหญ่ระพินไพรวันกําลังนอนตักแขงคูตัวสันเทาเป็นลูกนก มีเกิดกับเสยสองคนกำลังวิ่งบุญเอากระสอบป่านมาหม่มทับคลุมตัวให้หลายผืนส่วนบุญคำกำลังสาละวนจับคลาอยู่รรบพินทุกคนอุทานขึ้นพร้อมกันวิ่งกรูกันเข้ามาจันเงยหน้าขึ้นบอกเสียงสั่นอย่างตกใจว่านายพรานใหญ่ตัวร้อนอยังกับไฟทีเดียวคนแรกที่เข้ามาถึงตัวจอมพรานคือเชิถาวราลิกผู้ซึ่งไม่เคยยอมให้สถานการณ์ชนิดใด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 เขาร้องเรียกหมอดารินด้วยเสียงหนักๆนักเมื่อ น, นั้นเองจึงดูเหมือนจะปลุกให้อีกสามคนไหวตัวได้พลูกันเข้ามาดารินตัวสั่น ง, งันงกต่อเหตุการณ์จนทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขนาดเข้ามาสุดคุกเข่าจ้องมองอยู่เฉยเฉยชายันกมามเรียช่วยกันจับตรวจดูตามร่างกายของพรานใหญ่ด้วยความตกใจแล้วก็ปลุกเตือนสติแพทย์สาวประจาคณะอีกครั้งน้อยทำไมตะลึงอยู่อย่างนั้นเล่าเร็วกสิ ไข่มันกำลังสูงมากตัวร้อนจี๋เลยใช้ยันละล่ำละลักแล้วพยายามเขย่าเรียกคนเจ็บแต่รพินไม่รู้สึกตัวซะแล้วในขณะนั้นนอกจากครางอืออืออยู่ในคอตาตั้งคู่ปิดสนิทสันสะท้านอยู่เป็นระลอกหมอดารินเองในขณะ น, นี้สีหน้าของหลอนไม่มีใครบรรยายได้ถูกมีอาการเหมือนจะสิ้นลมหายใจไปในบัดนั้น ่เวรกรรมอะไรยางงี้นะคนหนึ่งสิ้นไปซะแล้วเมื่อจกจบอีกคนหนึ่งก็มีอันเป็นไปนี่พวกเราจะถึงคราววิบัติกันทั้งหมดหรือเหรอหล่นคร่ำครวนออกมาปนร้องไห้พี่ชายก็ตบลงไปกลางหลังน้องสาวโดยแรงพร้อมกับตวาดลั่นน้อยการคร่ำครวญนำพันนะ่ะมันไม่ช่วยอะไรให้เกิดขึ้นมาได้หรอกนะนี่ลืมซะแล้วหรือว่าตัวเองนะ่ะเป็นหมอ น้องสาวพลันได้สติสํานึ้ตนขึ้นมาอีกครั้งจากเสียงและอาการกระตุ้นโดยแรงชนิดนั้นลนกัดริมฝีปากแน่นพยายามฝื้นบังคับกำลังใจอย่างเต็มที่มารีอาเพนพรวดเข้าไปที่หีบเวชพันหิ้วมาให้ทั้งหีบพร้อมกับปลอบใจว่าควบคุมสติให้ดีน้อยคนตายไปแล้วนะ่ะเราช่วยให้ฟื้นไม่ได้ลืมคนตายซะก่อนแต่คนไปนะ่ะเรายังพอมีโอกาสฉันจะเป็นลูกมือเธอเอง ระพินคคไม่เป็นอะไรมากนักหรอกโรคเก่าของเขานั่นแหละถูกของมาเรียแล้วคนตายไปแล้วใครก็ไม่สามารถจะช่วยให้ฟื้นขึ้นมาได้แต่คนที่กำลังจะตายในขณะนี้เล่าหลอนจมัวแต่มึนงงทุกโศกจนปล่อยเวลาให้ล่วงสายไปฉะนั้นหรือในเมื่อโอกาสนั้นยังพอมีจากความรู้ความสามารถในวิชาชีพของหลอนเองชีวิตและความปลอดภัยของระพินยามนี้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 ชนิดตั้งตัวตั้งใจไม่ติดของคณะเดินทางทั้งหมดแต่อย่างน้อยกับตันของคณะก็ยังเป็นบุคคลชั้นปรีชาชาญเป็นผู้นําและควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่สุดเช่นกันเขาคือเชษฐาวราฤทธิ์ซึ่งเป็นหลักของทุกคนอย่างไรก็ตามไม่มีใครสามารถเดาได้ถกูกว่าเหตุการณ์คืนนี้มันจะสิ้นสุดในลักษณะใดแม้แต่หมอดารินเองพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมด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 และนายทหารก็ออกคำสั่งให้ทุกคนไปเอาฟืนข้างนอกก่อสมไฟขึ้นตรงนั้นส่วนในายใหญ่ก็ลุกขึน้นเดินกลับไปกลับมาอย่างใช้ความคิดหนักไม่มีใครพักผ่อนหลับนอนลงได้ภายหลังจากสมไฟจนลุกโชติส่งประกายอบอุ่นไปทั่วทั้งบริเวณที่รวมกลุ่มพักกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายล้อมรอบกายพรานใหญ่ผู้ตายไปจากความรู้สึกสานึกทั้งหมด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 บุญคำก็รู้สึกอย่างนั้นนายหญิงตอนที่กลับเข้ามาถึงที่นี่พวกเจ้านายเดินเข้าไปพูดกับ ว, วายาพรานใหญ่เดินมาตรงนี้บุญคำเห็นแกนล่ล้มเหมือนคนเป็นลมหมดสติลงเฉยๆวิ่งเข้ามาเขย่าก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยเหมือนเหมือนคนถูกของหรือหรือไม่ก็ผีกระทำดารินขนลุกขึ้นทางกายเหลวไหลหนะ้าบุญคำ ผู้ไรก็ไม่รู้พรานใหญ่มีโรคประจาตัวเดิมอยู่แล้วแต่คราวนี้ก็ไม่คราวนี้ก็มีใข้อื่นแทรกซ้อนเข้ามาด้วยนี่อย่าพูดไรเลือกเธออย่างนั้นสิเสียงร้องดังอย่างตกใจของหล่อนทําให้เชษฐถาชัยยันและมาเรียหันขวับมามองทันทีแล้วปราดลงเข้ามาเมื่อนั้นพวกพรานพื้นเมืองทั้งหมดก็เข้ามานั่งมุงเป็นกลุ่มพูดอะไรกันอยู่ซุบซิบ สีหน้าอาการเต็มไปด้วยความประวันิรั่นใจสังเกตดวกับกิริยาของคนเหล่านั้นเชษฐาก็บอกได้ทันทีว่าพวกนั้นกำลังขวัญเสียอะไรกันน้อยบุญคำว่าอะไรเหรอเชษฐาถามเสียงหนักๆขมวดคิว้วดารินบอกให้ทุกคนทราบตามคำพูดพลึกพลึกของบุญคำทําอาชา ย, ยันบังเกิดอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวขึ้นอีกคนนึงมาริโบกมือร้องออกมาว่า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 ฉันไม่คิดว่าระพินจะได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายอะไรจากการที่ยอดไม้ฟาดลงมาที่เรานะเพราะมันเป็นเพียงแต่ปลายกิ่งไม้เล็กๆที่หนาแน่นไปด้วยใบยเท่านั้นอีกประการหนึ่งก็มีโขดหินบางกั้นไว้อีกชั้นหนึ่งขณะที่เกิดการต่อสู้ฉันก็เห็นเขาคล่องแคล่วรวดเร็วเป็นปกติไม่ได้แสดงท่าว่าบาดเจ็บอะไรมากนักเลยเขายิงไอ้สามเขาจนมันพุ่งลนหน้าผาลงไปอย่างใจเย็นที่สุด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 กเมื่อแรกพวกผมนึกว่าแกจะลงนั่งพักแต่เห็นล้มลงเฉยๆพวกผมก็ช่วยกันเขย่าเรียกแต่ก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยท่านหัวหน้าคณะกัดร็มฝีปากแน่นหรือมองดูหน้าพักพวกของเขาที่แวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้แล้วแลไปยังร่างอันหมดสติของพรานใหญ่ภายใต้ผ้าคลุมหนาอีกครั้งเอ้รูปการมันพิ ก, กลกว่าที่เราคิดเสแล้วนะ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 เมื่อแรกมันอยู่ในระดับที่สูงเหนือขีดปกติทั้งหมดค่ะแต่แล้วต่อมามันก็ลดต่ำลงต่ำลงทุกทีน้อยถึงได้ต้องบอกว่าต้องรอวการต่อไปเราจะตรวจเช็คเขาทุกๆห้านาทีสังเกตไหมคะพี่ใหญ่ตอนนี้เขาไม่ได้สั่นอีกเลยสงบนิ่งไปแล้วหมอดารินพูดอย่างยากเย็นคำพูดของหล่อนไม่มีใครจับฟังได้ถนัดนะักเพราะมันขาดห้วงกระท่อนกระแทน่น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 เมื่อกี้นี้เธอพูดถึงอาการแทรกซ้อนของไร้วันฉันเองหรือใครในบรรดาพวกเราก็ไม่มีความรู้ในทางแพทย์เลยนอกจากเธอคนเดียวเท่านั้นลองคิดดูให้ดีสิว่าอาการแทรกซ้อนน่ะมันมันคืออะไรเป็นต้นว่าหัวใจวายเส้นโลหิตตีพันในสมองหรืออะไรที่คนไม่ใช่หมอจะคิดไปไม่ถึงได้ถ้าเธอได้สายเหตุการณ์แก้ไขมันก็จะง่ายขึ้นไม่ใช่เหรอ ฉันนึกนึกไม่ออกจริงๆเลยนะเมแล้วไม่มีความสามารถที่จะค้นหาสาเหตุในขณะนี้ด้วยดารินพูดอย่างน่าสงสารอาการที่เธอยกตัวอย่างมานะถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็แปลว่ารับพินน่าจะช็อกนิ่งกับที่ไปตั้งแต่ตอนต้นไม้ล้มทับแล้วส่วนมันจะเกิดตามมาภายหลังนะัมันไม่น่าจะเป็นไปได้ระยะเวลามันห่างกันเกือบจะครึ่งชั่วโมงนะนับตั้งแต่ต้นไม้ล้มลงมาฟาดเรา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 บุญคำว่าแกอึกอักไม่ค่อยจะกล้าพูดคือคือคือบุญคำกลัวว่าว่าพรานใหญ่จะถูกอาถรรพ์จากวิญญาณของไอ้สามเขานั่นบุญเขาบุญคำอาจคิดเลวไหลเกินไปตามระษาคนป่าคนดงแต่อาการของพรานใหญ่ครั้งนี้มันผิดวิกลจริงๆอยู่อยู่ร่วมกันมานั่งตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นพรานใหญ่มีอาการอย่างนี้มาก่อน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 หมอดารินถามโดยเร็วก็ตามวิธีคนป่าคนดอยอย่างบุญคำนั่นแหละนายหญิงเสกเปาคาถาบวงสูงเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ยาหมู่ผสมสมุนไพรให้กินถ้าพรานใหญ่อาเจียนออกมาได้ก็เป็นผลแต่ถ้าไม่อาจียนบุญคำก็จนปัญญาว่ายังไงละน้อยเห็นจะต้องพึ่งวิชาทางใสยศาสตร์และยาสมุนไพรของบุญคำซะแล้วหรือยังไง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 คำหนึ่งออกมาอย่างสะดุ้งใจและทันทีก็เลิกผ้าห่มขึ้นอย่างรวดเร็วจับตามแขนและชีพจรที่ข้อมือด้วยอาการรีบด่วนลุกลนอาการชนิดนั้นของหมอดารินทำให้ทุกคนต้องฮือเข้าไปล้อมคนเจ็บอีกครั้งทำไมมีอะไรเหลือน้อยเชษดถาถามเร็วรือดารินมือสั่นคาวหน้าของหล่อนยามนี้สําแดงถึงความโกนกตกใจขีดสุดแทบจะชอ็อก เงยหน้ามองทุกคนและเบิกตาค้างอยู่เช่นนั้นไม่สามารถจะเอ่ยคำพูดเช่นไรออกมาได้เชษฐาจับมือคนเจ็บบ้างแล้วคลาอย่างรวดเร็วขึ้นไปจนถึงสวงอกและลำตัวภายใต้เสื้อผ้าที่สวมใส่ยอยู่พร้อมก็อุทานอย่างลืมตัวรับพินเอ๊ะนี่ทำไมโตถึงเย็นชื่อเราอย่างเงี้ชยชายันกรมาเรียกระโจนไปทางปลายเท้าเลิกผ้าห่มขึ้นและช่วยกันถอดรองเท้าพลาใหญ่ออก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 นิยามนี้หล่อนสติดีเหนือกว่าทุกคนแม้แต่เชื้อ้าเองซึ่งก็ตะลึงพปลงเพลิดไปชั่วขณะเช่แล้วไม่ได้พูดเปล่าแมเสาวยังคว้าหูควางยัดเยียดส่งให้หมอดารินเรากะตัวเองจะเป็นแพทย์ใหญ่ผู้บ ง, บงการฉะนั้นนี่เป็นวินาทีสุดยอดความขับขันของชีวิตระพินไพรวันดารินวราริศบอกกับตนเองเช่นนั้นแล้วความตื่นตัวคล่องแคล่วว่องไว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 เหมือนจะตัดสินใจและโดยไม่เอ่ยคำใดกับใครอีกทั้งสิน้นหลอนหันเข้าค้นหีบวชพันธ์ด้วยมืออันสันเทาแต่ก็รวดเร็วและแม่นยาต่อสิ่งที่หลอนต้องการเป็นอย่างยิ่งด้วยสติสัมปชัญญะที่คุมมัน่นคุณพระคุณเจ้าช่วยลูกด้วยเถิดช่วยในการกู้ชีวิตของเขาไว้ในครั้งนี้หัวใจของเขากำลังจะหยุดทางานเต็มที่แล้วริมฝีปากของหลอนขมุบขมิดภาวนา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 ดูเหมือนจะถูกสะกดให้เป็นใบเบื่อกันไปหมดรุมล้อมจ้องจังงังเฉย อ, อยู่ยังไม่ทราบว่าจะช่วยเหลือหมอดารินยังไรได้ถูกเพราะไม่มีคำสั่งใดๆจากหมอทั้งสิ้นนอกจากจะช่วยฉายไฟเท่านั้นครู่ใหญ่ต่อมาดารินก็ถอดหูฟังหัวใจออกคลองคอไว้หยิบไฟฉายขนาดเล็กของแพทย์เปิดเปลืตาคนเจ็บขึ้นส่องไดู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 ไม่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้ลดหั ว, วหบ้าลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ก็ไม่รู้ตัวอ่อนปวกเปียกไปหมดเป็นอาการที่แปลกมากไม่เคยพบมาก่อนเลยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จากพิษภัยธรรมดาไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะเชิดาครางมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือเกิดยังไงก็ตามเถอน้อยถึงจะ ถ, ถึงจะทำอะไรไม่ได้ก็กระตุ้นเลี้ยงหัวใจไว้ก่อน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 มีรอยแดงผืนและถลอกที่ก้านคอเหมือนกับว่าสร้อยนั้นจะถูกกระชากขาดไปเมื่อไม่นานนี้เองก็เลยมันเกี่ยวอะไรกับการที่สร้อยของพรานใหญ่หายไปล่ะชยันถามอย่างงงงเกี่ยวสินายทหารเกี่ยวแน่ๆนบุญคำเองก็ประหลาดใจปกตินายของบุญคำไม่เคยพลาดพลั้งเหมือนครั้งนี้มาก่อน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 เพราะก่อนหน้านี้ฉันก็ยังเคยเห็นเขาแขวนส้อยเครื่องรางอันอยู่เสมอเหมือนกันหมอดารินบอกมาโดยเร็วต้นไม้ลุ่มฟาดลงมาก่อนแล้วนายถึงแหวกใบไม้ออกมายิงไอ้สามเขาตกหน้าผาลงไปใช่ไหมนายยิงใช่ถ้า ง, งั้นส้อยเครื่องรางของนายก็ขาดตอนต้นไม้ลุ่มฟาดถูกตัว นายคงยังไม่รู้ตัวว่าสร้อยเครื่องรางหลุดพ้นตัวไปแล้วแวกใบไม้ออกมายิงไอ้สามเขาตกหน้าผาลงไปตายนายฆ่ามันในขณะที่สร้อยเครื่องรางไม่มีติดตัวนายญิงเชื่ออย่างนี้ไหมก็ถ้าสร้อยขาดหายไปตอนที่ต้นไม้ลงาฟาดพรานใหญ่เขาก็ต้องยิงไอ้สามเขาโดยที่ไม่มีเครื่องรางติดตัวแน่และ่ะ ไม่มีอะไรต้องสงสัยอีกแล้วล่ะพรานใหญ่พรานเท่าพูดเหมือนกระซิบร้องไห้ไปพลางนายของบุญคำพลอยเคราะรารตามแงสายไปอีกคนเพราะโดนดีจากวิญญาณของไอสัตว์โลกล้านปีนั่นแน่ๆของมันเล่นสวนเข้าตัวมันทวงเอาชีวิตบุญคำจะแก้ได้หรือไม่ได้ ก็ขอให้บุญคำได้ทำอะไรเป็นการพยายามช่วยเหลือนายของบุญคำเทิดพวกเจ้านายทั้งหลายอย่าขัดขวางบุญคำเลยข้าว่าแง่ทรายมันมาชวนพรานใหญ่ไปกำมันมากกว่ากำมันรักพรานใหญ่มากอ่ะขยิ้นโผลงมาเป็นภาษาของมันแต่ถึงยังไงเราก็ไม่สามารถทำอะไรให้ดีไปกว่านี้ได้อีกแล้วละน้อยเชษฐาพูดภายหลังจะตัดสินใจ ขณะนี้พวกเราทั้งหมดก็เปรียบเหมือนคนลอยคออยู่กลางทะเลนั่นแหละแม้แต่เศษฟางสักชิ้นเดียวที่ลอยผ่านมาก็ต้องโผล่ไปเกาะเอาเถอะนะยอมให้บุญคำกระทำพิธีไปตามปราษาของแกเถอะเชื่อว่าคงไม่มีอะไรขัดกับ น, น้อยหรอกเพราะอย่างมากแกก็เอายาสมุนไพรกรอกปากเท่านั้นดารินพยักหน้าอย่างสิ้นหวังทอดอะไรตกลงบุญคาจะทาอะไรก็ทำเถอะ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 ควันขมูงไว้ตรงหน้าตนเองลงนั่งขัดสมาธ์เอาผ้าเข่ามาห่มแทนสบายพนมมือหลับตาสวดบวงสวงภาวนาเป็นทำนองอะไรของแกไปตามเรื่องโดยไม่มีใครฟังรู้เรื่องเสียงวิเวกโหยโหวนยังไงบอกไม่ถูกพลางก็กำเอามือกำสายเสกซัดไปรอบรอบ คณะนายจ้างทั้งหมดนั่งซึมมองดูการกระทําของแกอย่างปราศจากความหมายและไม่มีศรัทธาใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะขัดขวางได้ปล่อยความคิดคำนึงไปคนละทางแต่ก็มีจุดหมายบั้นปลายแห่งความนึกคิดคล้ายๆกันคือเหมือนคนที่กําลังเดินอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างใกล้จะสิ้นแรงอยู่กลางทะเลทรายกันดารปราศจากที่หวังใดๆทั้งสิ้น มารีฮอฟมันลงนั่งชันเขา่าเอาหน้าซุกอยู่กับท่อนแขนที่วางเข่าทั้งคู่ดารินมือลอยคลับคล้ายคลับคลาเหมือนจะอยู่ในห่วงฝันร้ชีตากชัยันลุกขึ้นเดินสวนกันอยู่ไปมาเหมือนชมดติดจันในห่วงรำพึงอันขาดขา ด, ขาดหายหายไม่ปะติดประต่กะตอกันของมอมราชวงศ์ดารินวราฤกหล่อนถามตัวเองว่า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 คุณพระช่วยอีกแว บ, บหนึ่งของห่วงรำพึงอย่างว่าเวโทมันตดูเอาเถิดครั้งก่อนๆมานั้นไม่ว่าชีวิตใครก็ตามที่กำลังตกอยู่ในค่ายวิกฤตเป็นเส้นตายเขาผู้นี้ก็ยังแข็งแกรง่งยึดหลักอยู่เป็นหลักประกันทังงาดอยู่ให้เห็นเป็นที่อบอุ่นใจนกะเขาเปรียบเสมือนเกราะป้องกันภัยให้แก่ชีวิต ภายใต้การรับผิดชอบแก้ไขช่วยเหลือให้หมู่คณะรอดพน้นอันตรายมาเป็นลำดับคนแล้วคนเล่าเป็นสรณะให้ยึดมัน่นพักพิงฝากชีวิตได้ในอาณาจาักรไพรอันกว้างใหญ่ใครจะเป็นอะไรตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายสักเพียงไหนก็ตามเห็นหน้ารพินใครวันเพียงคนเดียวก็พลอยทำให้ทุกคนอบอุน่น มีความหวังขึ้นแล้วปัญหาทุกปลอกสุภาพบุรุษไพรผู้นี้คลี่คลายได้ทั้งสิน้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่บัดนี้แล้วเขาผู้นี้ล้มลงซะแล้วก็ใครเล่าจะแก้ไขช่วยเหลือเขาได้มาดว่าถ้ามีแงซทรายอยู่สักคนก็ยังพอได้หวัง แต่นี่บุญคำเสร็จพิธีกรรมบวงสวงเทวดาหรือปลุกเศษขับผีของแกลุกเดินกระย่องกระแย่งถือยาหมูที่ฝนละลายกับน้ำใสถ้วยพลาสติกเดินเข้ามาดารินและทุกคนจึงตื่นจากข่วงผวังหันกลับมามองก็เห็นแกจบถ้วยขึ้นเหนือศีรษะเหมือนจะบอกกล่าวครูบาอาจารย์ขออำนาจอันศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งก่อนที่จะช่วยกันประคองศีรษะของระพินขึ้น โดยการร่วมมือของจันเกิดและเสย์ซึ่งช่วยกันเป็นทีมฝ่ายนายจ้างทุกคนอดไม่ได้ที่จะชะโงกเข้าไปมองเห็นพวกนั้นช่วยกันพยายามเปิดปากคนเจ็บกันอย่างทุลักทุเลผิดสังเกตยังไงพี่กนเพราะเอายากรอกปากน้ำยาก็ไหลออกหมดดูเหมือนจะไม่ได้ล่วงผ่านเข้าไปในลาคอเลยแม้แต่นิดเดียวเชษฐาเห็นผิดสังเกตไปมาก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 ทุกคนที่กำลังตะลึงอยู่ก็ต้องสะดุ้งตัวอีกครั้งด้วยเสียงร้องโวยวายไม่เป็นภาษาของสางปากับขยินซึ่งแหกประสานกันดังกึกก้องไปทั้งคูหาหินทั้งสองแสดงอาการหวาดกลัวเหมือนคนบ้าตาเหลือกลานชี้มือออกไปทางปากถ้ำพร้อมกันก็ซุกหน้าลงหลบซ่อนกับพื้นที่มันทั้งสองลงไปนอนหมอบตัวสันอยู่ผีผีผีผีไองใสมันมายืนอยู่นั่นมันจะมารับเอาวิญญาณของพลาใหญ่ไป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 บุญคำเป็นผงเดียวถึงเจ้ากระเรียงกับเจ้าตองสูยอบนักเลงกลัวผีขนาดหนักด้วยกันทั้งคู่ขบเขี้ยวเขี้ยวฟันง้างเท้าขึ้นตั้งใจจะกระทึบไปเต็มรักไอชิบหายสองตัวนี่เดี๋ยวพัดกระทืบเสื้อตาวฟาดโวยวายออกมาได้ทั้งสองคนยังตัวสั่นงงนงกอยู่เช่นนั้นบุญคำซัดด้วยเท้าให้คนละพละระร้องดาเอ็ดอึงขยินจึงค่อยๆลืมตาขึ้นมาหน้าของมันซีดเปื้น ตากรอกแลกวาดไปม า, าเห็นจริงๆนะตาเท่าไอ้แงา้ายมายืนอยู่ตรงนั้นไหนมึงแหกตาด้วยทีนี่ไอ้งา้ายอยู่ตรงไหนบุญคำแยกเขี้ยวคำรามต่อครุบคอขยิงจิกเงยหน้าขึ้นแล้วหันหน้าไปทางหน้าปากทำอีกครั้งยังเดือดดานขีดสุดท่านใหญ่กำลังจะตาย ไอ้สองคนนี้กลับยิ่งมาทำให้ประสาทเสียววยวายก็ให้เรื่องมันหนักขึ้นมปอีกบุญคำอยากจะฆ่าใช่นะักขยินทำหน้าเลิกหลักอาการของมันน่าสงสารที่สุดเจ้านักเลงหนุ่มลมช้างเกิดมาไม่เคยกลัวอะไรสักอย่างกลัวอย่างเดียวคือผีแต่อย่างน้อยที่สุดบุญคำก็ไปเอามันจกุกทำให้มันพอจะได้สติขึ้นมาบ้างยกมือขึ้นขยี้ตา จ้องออกไปยังปากทางคำเหมิงใจเดียวมันก็ร้องวากสุดเสียงออกมาอีกช่วยกระสอบปานได้ก็กระทุกต่ครุบขึ้นหัวไว้แน่นสองคนกระสังปลาพูดตกอยู่ในอาการเดียวกันบุญคำผู้คงแกเรียนทางไสยศาสตร์ยกตนเป็นหมอผีเองบัดนี้ก็แทกช็อกถึงกระจ้่งเบา้าก้นกระแทกกับพื้นจากสิ่งที่สายตาแกมองไปเห็น นั่นน <am thirteen> ั well ่นนั so ่นนนนั่่ดดดูดูนั่นนั่นเสียงของแกสันกระเส่าขนบนสีสระลุกเดตั้งชันทุกคนเหลียวไปทางปากทางอีกครั้งแล้วก็เห็นอย่างที่บุญคำเคยยินและสางปลาเห็นกลางหมอกขุ่นมัวประเดียวจางเบาบางลงประเดียวก็หนาทึบขึ้นมา ตามกระแสลมปรวนนั้นนะักบัตดนี้ปรากฏเงาหนึ่งเด่นชัดขึ้นทีละน้อยเป็นรูปร่างอยู่ในละอองหมอกคลุ้มเครือนั้นครั้งแรกเห็นครึ่งท่อนส่วนล่างก่อนต่อมาอีกไม่ถึงอึดใจเมื่อหมอกกระจายผ่านก็ปรากฏคาวของใบหน้าเลือนลาง มันเป็นใบหน้าที่ทุกคนจำได้ติดตาที่สุดแงาสายเฮ้ยชายันอุทานลั่นแล้วจ้องกระลึงตัวแข็งเหมือนถูกสาเป็นหินไปชั่วขณะรู้สึกว่าศรีรษะจะขยายโตเท่ากระบุงดารินร้องวีดออกมาสุดเสียงยกมือปิดหน้าส่วนมาเรียแท่จะเป็นลมไปด้วยความตกใจเกิดเสยจัน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 เมื่อนั้นจึงรู้สึกคล้ายๆกับว่าร่างร่า ง, างที่แลเห็นอยู่ในขณะ น, นี้เริ่มเคลื่อนไหวเมื่อแรกเชืถาเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากอุปทานตาฝาดไปจากการเคลื่อนไหวชนิดนั้นแต่แล้วก็ยิ่งตื่นตะลึงเพิ่มขึ้นเพราะรูปร่างนั้นเคลื่อนฟาสายหมอกตรงเข้ามาอย่างเช่มช้ายิ่งใกลย้ยิ่งชัดเจนขึ้นทุกทีจากแสงไฟในกองที่สาดออกไปนั้น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 ซึ่งกาลังล้อมอยู่ที่ร่างหมดสติของพรานใหญ่ระพินชายันอันนันไตรบอกกับตนเองว่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขาเห็นอิทธิฤทธิ์หรือปรากฏของวิญญาณที่สำแดงอย่างเด่นชัดประจักษ์กับสายตาต่อหน้าผู้ร่วมเห็นเหตุหการณ์ทั้งคณะโดยไม่มีใครตาฝาดไปเลยแม้แต่คนเดียวเพราะเห็นในเวลาเดียวกันและสภาพเดียวกันทั้งหมด ดีดนายทหารปืนใหญ่พ ง, งะหลังถอยกรูดออกไปอย่างลืมตัวด้วยความวาเสียวตื่นระหนกขีดสุดมารีอาฮอกมันก็เช่นเดียวกันหลอนผุดลุกขึ้นปากยังอ้ากว้างค้างอยู่เช่นนั้นส่วนเท้าก็เดินถอยหลังเมื่อภาพของแง่ทรายตรงใกล้เข้ามาดารินยามนี้มองไม่เห็นเหตุหการณ์ใดๆเพราะมัวแต่นั่งก้มหน้าไปตาอยู่นอกจากเชืถาเท่านั้น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 ตาคู่นั้นแหล่ประสบประสานเชื้าที่จ้องในสภาพพลิงเพลิดมาชั่วขณะจิตหนึง่งแล้วจึงค่อยๆสุดคุกเข่าลงกับพื้นตรงที่พรานใหญ่ระพินนอนอยู่ร่างที่คุกเข่าลงนั้นห่างจากหมอดารินผู้นั่งปตาตัวสั่นเทิมอยู่เพียงฝ่ามือเดียวแล้วก็เอื้อมมือไปแตะที่กายพรานใหญ่นายหญิงครับ ผู้กองอาการหนักนะครับเขาตายหรื อ, อยังครับในหูของทุกคนยามนี้แวววเสียงลึกทุ้มกลางวานดังออกมาจากร่างที่หินว่าเป็นแง่ใาสา่ดารินสันสีสะอยู่ไปมาทั้งทั้งที่ยังปิดหน้าอยู่เช่นนั้นร้องกรี๊ดลั่นออกมาว่าไปซะเถอะแง่ใาสาไปสู่สุขติตามทางของเธอ อย่ามาสัมเดงตนเช่นนี้เลยแล้วก็อย่ามาเอารพินไปด้วยเธอจากเราไปแล้วจงปล่อยเขาไว้กับเราสักคนเถอะชี้ทาสุดกายวูบลงนั่งในระดับเดียวกันในพริบตานั้นเอื้อมมือข้ามร่างรพินไปจับคว้าเข้าที่ไหล่ที่แลเห็นอยู่แล้วเขก็ตะโกนออกมาสุดเสียงแง้ไซอะไรกันนี่ร่างกายของแกยังอยู่ครบไปเช่นสัมผัสแต่ต้องได้ นี่ก็ยังไม่ตายหรอกเหรอเนี่ยไหลข้างที่เชิฐาขยุ่มไว้เต็มไปด้วยความอบอุ่นแห่งเลือดเนื้อและชีวิตแม้ว่าจะเปียกชื้นไปด้วยละอองหมอกและทุลีดิง่งคนใช้พิเศษอันไม่มีลักษณะใดๆที่จะแสดงให้ทั้งคณะทราบมาก่อนเลยว่าเหลือร่างกายคงอยู่ต่อไปได้นอกจากจะแหลกเละอยู่ภายใต้ก้อนหินใหญ่บททับใช้มืออีกข้างหนึ่ง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 เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึง่งโดยสีหน้าของแต่ละคนที่บรรยายไม่ถูกดารินนั้นลดมือลงไปจากใบหน้าจ้องมองร่างที่ยืนผ ง, งาดค้ำอยู่ใกล้ๆส่วนชายยันกมามเรียกระโจนกลับเข้ามาอีกครั้งเสียงเปลงเรียกนามงแงสายประสานกันฟังไม่ได้สั์เชิดาปราดเข้ายึดแขนของแงสายกำไว้แน่นแทบจะบีบให้แหลกไปคามือ ชยันก็กระโดดคว้าแขนฝามาเรียเอามือจับกดที่อกพระเจ้าทรงปลุกแงซ า, ายจริงๆนั่นแหละแงซ า, ายยังไม่ตายแมมสาวร้องตะโกนลั่นดารินพยุงร่างของตนเองขึ้นอย่างมึนงงระหว่างที่ใครต่อใครรุมล้อมรอบเจ้าตัวองค์รักพิเศษของหล่อนและพูดกันแท่สับสนหล่อนค่อยๆเอื้อมมืออันสัน่น ไปรูปคลามที่ใบหน้าสีทองแดงมันระยับอาบชุ่มไปด้วยละอองหมอกและคราบดินนั้นกายก็สั่นเทิมเหมือนคนเป็นไข้หนักดูไม่ออกว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะจากใบหน้าที่ฟูมฟายไปด้วยน้ำตานั้นแงซ้ยร่างกายของเธอจริงๆงด้วยเป็นความจริงเหรอที่เธอยังไม่ตายโออะไรกันนี่ทำไมเหตุการณ์มันถึงกลับตะลับไปหมดอย่างนี้ ไม่ทันจะขาดเสียงร่างของหมอดารินก็ล้มหัวเป็นลมหมดสติไปในทันทีนั้นด้วยความผันผวนของอารมณ์หลายชนิดที่ประดังกันขึ้นมาจนเกินกว่าที่จะทนทานต่อไปได้คนที่ทุกทุกคนเข้าใจอย่างแน่นแฟนว่าตายไปแล้วและบัตรนี้ได้โผล่กลับเข้ามาอย่างลึกลับที่สุดทลังเข้าควา้าร่างของนายหญิงไว้ได้ทันก่อนที่จะลงไปกองกับพื้นอุ้มประคองร่างอันอ่อนปลกเปียกขึ้น ส่งไปให้มาเรียมาเรียกุลีกูจอประคองหมอดารินซึ่งบัตรนี้หมดความรู้สึกไปชั่วขณะให้ไปนอนพักอยู่ทางหนึ่งก่อนเชถทากับชัยันนั้นไม่เป็นห่วงต่อเหตุการณ์ของราชสกุลสาวนักเพราะก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าดารินคงไม่เป็นอะไรมากนอกจากความตื่นเต้นเหลือขนาดจนปรับจิตไม่ทันสิ่งที่ทั้งสองคนประจันหน้าอยู่ขณะนี้ก็คือคนที่คิด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 และไหลทั้งสองด้านของจอมพารานอย่างขมักขมิดเหมือนจะค้นหาร่องรอยอะไรสักอย่างหนึง่งอาการชนิดนั้นเองทําให้เชิดถากระชัยยันปราดเข้าไปสมทบแงี้ยไซไปยังไงมายังไงกันนี่แกเล่าตายมาได้ยังไงนี่พวกเราทุกคนแน่ใจว่าแกแหลกอยู่ใต้ก้อนหินนั้นแล้วนะนายจ้างทั้งสองถามด้วยอาการสำลักเป็นเสียงเดียวกัน ถาแงซายอธิบายอะไรในขณะ น, นี้โอกาสที่จะช่วยชีวิตผู้กองก็จะลดน้อยลงไปทุกขณะเท่าที่สีเวลาไปเอาเป็นว่าเรามาช่วยแก้ไขผู้กองก่อนเถอะครับเรื่องราวทั้งหลายแงซายจะบอกทีหลังนะครับขอให้รู้ในขณะนี้ก่อนว่าคนเคราะห์ร้ายที่สุดในขณะ น, นี้คือผู้กองระพินหายใจแงซายอย่างที่ทุกคนเข้าใจไหม จอมพเนจรผู้ปรากฏว่ายังมีชีวิตอยู่ได้ราวกับปาฏิหาริย์พูดโดยน้ําเสียงเครียดโดยเร็วและตะโกนไปยังข ย, ยินกระสางปาผู้ยังดมดมแอบแอบอยู่หลังแท่นวายาด้ือน้ําเสียงอันเฉียบขาดเกือบจะเป็นตวดัดสังปามาให้เร็วชีวิตผู้กองระพินจะรอดหรือดับขึ้นอยู่ที่เจ้าคนเดียวข้านะั้นไม่ได้ตายหรอกไม่ได้เป็นผีสางอย่างที่เจ้าตกใจกลัวอยู่ในขณะนี้ ข่ายังเป็นคนเป็นไปนอยู่เหมือนเจ้ากับขคยินทุกอย่างแต่แต่แต่งเงี้ยตายเอ็งตายไปแล้วอะ่ะนี่เอ็งมาหลอกข่าน่ะเจ้าสางป่าร้องเสียงแหลมทำทํามจะเพน่นหนีต่อไปอีกถ้าไม่ใช่เพระฟฟาะฝาผนังถ้าไม่ใช่เพระฟฟาะฝาผนังตันไม่มีทางจะแทกตัวเข้าไปได้บุญคำกับจัน์ผู้ซึ่งมีไหวพริบเฉลียวฉลาดเหนือกว่าพวกพื้นเมืองทุกคน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 ก็ไม่สามารถจะกู้ชีวิตของผู้กองได้หรอกครับนอกจากสั่งปลาคนเดียวเท่านั้นแง่ทรายแกหมายความว่ายังไงเชษฐารองลืมตาโผล่ในายใหญ่จําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวแง่ทรายในครั้งนั้นได้ไหมครับในครั้งนั้นทุกคนแน่ใจว่าแง่ทรายตายไปแล้วแต่ผู้กองกระพินสั่งให้สั่งปลาดําเนินการแก้ไขจนแง่ทรายฟื้นขึ้นมาได้ ทั้งหมดอุทานามาพร้อมกันด้วยความแปลกใจขีดสุดแงะไซนี่แกหมายความว่ารรบพินโดนพิษของไอแมงมุมหกขานั่นเข้าไห้เหรอชยันพูดกระหืดกระหอบครับที่ต้นคอยเยื้องไปทางท้ายทอยนั่นผู้กองเองขนาดที่โดนมันกัดในครั้งแรกก็ยังไม่รู้สึกตัวพิษของมันค่อยๆแทรกซึมและสัมแดงขึ้นทีละน้อยจนกระทั่งในที่สุดก็เข้าขีดอันตราย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 ภายหลังจากที่อาถรนิตรานครได้เสื่อมสิ้นไปแล้วบรมันนำเงซายไปนั่งบังอยู่ปากรูของแมงมุมหกขาพอดีมันจึงกัดเข้าที่ข้อเท้าขณะที่ทุกคนตามไปพบนั้นเงซายก็มีสภาพเหมือนคนตายไปแล้วแต่ระพินไพรวันผู้รู้เคล็ดในความชำนาญเป็นพิเศษของสางปาด้านการเยียวยารักษาพิษกัดต่อยทุกชนิด อันเป็นวิชาที่มันได้รับการไถ่ยทษมาจากบรรพบุรุษได้สั่งให้นําร่างของเงซส่กลับมาทมกลางความสิ้นหวังของทุกคนและในครั้งนั้นสา่งปาได้กู้ชีวิตของเงซส่กลับคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์บัดนี้เหตุการณ์ชนิดที่เคยเกิดขึ้นกับเงไซ่แล้วนั่นน่ะหรอที่ได้เกิดขึ้นกับตัวจอมพลเองเช่นขณะ น, นี้บาดแผลนั้นน่าจะยืนยันได้ชัดตามที่เงใส่บอก ทุกคนมองข้ามไปหมดและคาดฝันไปไม่ถึงแงาซายเธอรู้ได้ยังไงล่ะว่าไอโกขาั้นเล่นงานไพรวันดูที่บาดแผลน่ะสินายแม็บาดแผลนั่นก็เห็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วแต่พวกเราสงสัยว่าแกรู้ได้ยังไงพอมาถึงแกก็ตรงเข้าไปตรวจดูระพินค้นพบตรงตำแหน่งได้เราก็รู้มาก่อนนั่นแหละเชถาถามผมจะเรียนให้ทราบภายหลังครับ ว่ารู้มาได้ยังไงพร้อมๆกับเล่าให้ฟังด้วยว่าแงทายรอดตายจากก้อนหินก้อนนั้นได้ยังไงแต่ที่ควรจะรู้ในขณะนี้ก็คือไอ้หกขานั่นแน่ๆแล้วครับที่กัดและปล่อยพิษเข้าไปในตัวผู้กองโดยเขาไม่ทันรู้ตัวเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะที่ไซสระท็อปชนต้นไม้ใหญ่ล้มและกิ่งใบส่วนยอดของต้นไม้ต้นนั้นฟาดทับลงมาบนผู้กองทาให้เขาล้ม และถูกบังมิดอยู่ภายใต้ใบไม้อำนาจการล้มของต้นไม้ต้นนั้นทำให้อ้หกขาซึ่งอยู่ใกล้ๆซอกขินที่ช่วยชีวิตผู้กองไว้ได้รับความสะเทือนตกใจจึงวิ่งออกมาจากรูและตรงเข้ากัดตรงก้านคอด้านหลังของผู้กองในระหว่างที่เขายังนอนลม้มมืนงงอยู่ใต้กิ่งไม้ปกคลุมความชาของประสาทและความตกใจต่อสถานการณ์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 แต่ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นกับผู้กองต่างหากล่ะครับแมงมุมหกขากัดเราพินจริงเหมือนอย่างที่กัดแกมาก่อนแล้วแกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าก่อนที่สางปลาจะจัดการยังไงลงไปได้นะเราจะต้องได้แมงมุมชนิดนั้นมาก่อนเพื่อรีดเอาพิษของมันผสมกับตัวยาแง่าสายทราบดีครับนายใหญ่ก็แล้วเราจะไปหาตัวมันได้จากไหนในเวลานี้ล่ะแง่าสายก้มลงหยิบสิ่งหนึ่งที่ถือติดมือเข้ามาด้วยแต่แรกชูขึ้น มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครทันสังเกตรหรือสนใจแต่แรกเลยในยามที่เจ้ากระเรียนฉมงามพลูร่างกลับเข้ามาอย่างลึกลับสิ่งนั้นคือห่อผ้าดำๆที่ผูกมุมทุกด้านไว้ในลักษณะเหมือนถุงเมื่อต่างจ้องไปก็บอกได้ทันทีว่ามันเป็นเศษเสื้อขาดของแงซายในขณะนี้นั่นเองสิ่งที่บรรจุทวงอยู่ในถุงผ้านั้นขณะนี้มีการกระดุกกระดิ่เคลื่อนไหวอยู่เบ า, เบา มันอยู่ในนี้แล้วครับในายใหญ่แง่ายกลับมาถึงที่นี่ช้าไปกว่าที่ควรเกือบชั่วโมงก็พระมวแต่ค้นหาตัวมันตรงบริเวณที่ต้นไม้ลมทับผู้กองแต่แง่ายก็แน่ใจว่ามาได้ทันเวลาพร้อมกับพูดแงสายโยนถุงผ้าอันทาด้วยเศษเสื้อของตนเองถุงนั้นไปยังสั่งป่าสมภาษาพมา่าบอกความให้รู้ขณะนายจ้างผู้ยังจ้องค้างอยู่ ไม่อาจเข้าใจได้ว่าแงซายผู้กระสังปาเช่นไรแต่เห็นจะตองสูลืมตาโตอย่างพิศวงละคนยินดีรีบรับถุงนั้นไปอย่างกระวีกระวาดลุกลนขยินและพวกพรานทั้งหมดก็รุมล้อมกันเข้าไปช่วยโดยเร็วพร้อมกับผู้กันแซ่พรานใหญ่มีหวังรอดตายแล้วนายแงซายไม่ได้กลับมามือเปล่าแต่เอาตัวไอหกขามาด้วยจันร้องออกมาอย่างลิงโลด แล้วโดยไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปแม้แต่วินาทีเดียวสร้างปาดาเนินการตามถนัดของมันทันทีโดยมีมาเรียผู้เป็นนายโดยตรงคอยคุมบงการอยู่ท่ามกลางความรู้สึกอันผันผวนจัดต้นชนปลายแทบไม่ติดของคณะนายจ่าดารินนั้นบัดนี้คืนสติรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วและได้รับการบอกเล่าอาธิบายจากเชิดาเรนนั่งนิ่ง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 ระพินไพรวันนอนนิ่งกายเย็นชื่อฝากความหวังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้ความสามารถของส่างปาเพียงคนเดียวห่างออกมาประมาณ3าเก้าร่างตระงานกำยำของแง่ทรายยืนคำอยู่เบื้องหลังของทุกคนกำลังจ้องมองสภาพความช่วยเหลือกันอย่างฉุดระหุกนั้นด้วยดวงตาอันเคร่งขรึมเยือกเย็น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 ผู้ซึ่งสำนึกในขณะนั้นว่าสหาหสศึกของเขาได้จากไปเสีแล้วโดยที่เขาไม่มีโอกาสจะได้ช่วยเหลือทันการแต่บัดนี้เล่าแง่สายผู้ซึ่งใครๆคิดว่าได้เสียชีวิตไปแล้วกลับมายืนคอตกเศร้าสลดสังเวชใจอยู่กับอาการเป็นกัดตายเท่ากันของสุภาพบุรุษใพรแงสายไม่ตาย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 และดูโอทึกหลอนและทุกคนปีติตื่นตันยังล้นเหลือในการรอดตายกลับคืนมาได้ของแง่สายแต่กลับต้องระทมทุกข์วันวิตกต่อภาวะเส้นเป็นเส้นตายของระพินแทนที่โดยไม่คาดฝันว่ามันจะพลิกตลบกลับมาเป็นตรงข้ามได้ถึงเพียงนี้ดาริมีความรู้สึกที่อยากจะร้องไห้หัวเราะ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 เงาสายค้นพบตรงบริเวณกองไม้ใกล้รูของไอ้หกขาตัวนั้นมันคงจะขาดหลุดจากคอผู้กองขณะที่กิ่งไม้ฟาดลงมาทับดารินยิ้มออกมาได้อย่างซีดเซียวเป็นครั้งแรกรับไปพิจารณาในมือแล้วกำไว้แน่นอีกมือหนึ่งเอื้อมมาลูบคลมที่ใบหน้าของเจ้าองราครักพิเศษอย่างสนิทเสนหาไม่กล่าวคาใดทั้งสิ้น แต่ลุกขึ้นเดินตรงไปยังร่างของพรานใหญ่ที่ยังนอนสงบอยู่ภายใต้การดูแลของส่างปาและพักพวกทุกคนหล่อนบรรจงเอาสร้อยสแตนเลสเส้นนั้นใส่ให้ที่คอระพินตามเดิมยิ้มทั้งน้ำตาพูดเบาๆกับใบหน้าอันมีแต่ตาทั้งคู่หลับสนิทนั้นระพินคุณปลอดภัยแล้งไสไม่ตาย และเขากลับมาช่วยคุณจนได้ไหนายหญิงนั่นหนายหญิงไปได้ส้อยเครื่องรางของนายมาจากไหนบุญคําร้องถามอย่างแปลกใจจ้องขมิงแงใสเก็บได้ใต้กิ่งไม้ของต้นไม้ลมนั่นแหละบุญคําก่อนไหนบุญคําบอกว่าพรานใหญ่ถูกของของไอ้สามเขาที่เขายิงตกหน้าผาไปยังไงละ่ะถึงก็ทำพิธีขับผีเป็นการใหญ่ ที่แท้เพิ่งมารู้กันเดี๋ยวนี้เองว่าพรานใหญ่นะ่ะถูกแมงมุมหกขากัดนี่ถ้าหากว่าเงาทายไม่รอดตายกลับมาบอกกับเราเรื่องนี้แล้วทุกคนก็คงไม่รู้อะไรเลยนอกจากเฝ้าดูพรานใหญ่ตายอย่างช้าๆไปต่อหน้าต่อตาชัยยันว่าตาบุญคําทําหน้ากระเรียกกระลาศกระพริบตาปริบ ป, ปริบโถนายทหารบุญคําก็นึกไม่ถึง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 แม้แต่ชันเองหรือพรานใหญ่รพินก็ได้เสียน้ำตาให้กับแกแล้วเมื่อพวกเราคิดว่าแกตายจากเราไปแกอาจไม่รู้ตัวก็ได้ว่าพวกเราทั้งหมดนะ่ารักอะไรแกเพียงไหนอดีตท่านทูตทหารบกเสียงครืออย่างตื้นตันแต่แล้วในที่สุดคนดีมีฝีมืออย่างแกก็กลับรอดตายจนได้มีน้ำซ้ำ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 แล้วสุดตัวนั่งอยู่แทบเท้านั้นแสดงอาการคาราวะอย่างสูงเมื่อแรกเงาสายเองก็คิดว่าตัวเองต้องตายในครั้งนี้แน่ไม่มีทางจะรอดได้เลยที่รอดมาได้ก็คงเป็นพระดวงชะตายอย่างไม่ถึงคราวดับขันนั่นเองเงาสายไม่มีเจตนาที่จะให้ผู้กองในายใหญ่หรือทุกคนเข้าใจว่าเงาสายได้ตายไปแล้วแต่ไม่สามารถจะบอกความหรือส่งข่าวใดๆ ไ, ไ, ได้ในขณะนั้น เอาะงี้ายเดี๋ยวนี้เราก็ได้ช่วยเหลือพรานใหญ่ทันการแล้วรอแต่เพียงว่าเมื่อไร่เขาจะฟื้นขึ้นมาเท่านั้นตอนนี้เธอควรจะอธิบายให้เรารู้ชัดกันชสีทีว่าเธอรอดตายมาได้ยังไงและไปหลบอยู่ที่ไหนขณะที่พวกเราทั้งหมดตามไปยืนล้อมดูอยู่ที่ก้อนหินนั้นเป็นเวลานานกว่าจะกลับมาที่นี่มาริฮอกมันกล่าวเตือนมาโดยเร็ว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 แล้วก็เริ่มเล่าความขึ้นด้วยน้ำเสียงอันชัดเจนแช่มช้าแล้วเสียงทุ้มของแง่สายก็กล่าวออกมาอย่างแช่มช้าขณะนั้นหมอกกำลังลงจัดจนมองไม่เห็นอะไรเกินกว่าสีห้าวาแม้จะใช้ไฟฉายแง่สายพูดพร้อมกับทอดสายตามองออกไปยังความมืดมิดของรัติการคลุมม่านหมอกทางปากถ้ำ ดวงตาเป็นประกายคมวาวทั้งคู่รี่ซึมลงนีลาเดินนำไปเบื้องหน้าห่างประมาณ3าก้าตามหลังเงสายมีธรโมนูลใหญ่อีกสองตัวกระชันชิดมาด้วยเงสายทิ้งผู้กองระพินกับนายหญิงไว้เบื้องหลังเพราะอยู่ในอาการรีบด่วนเงสายไม่ต้องการให้มันไต่ทางขึ้นมาได้ก่อนแต่จะพยายามสกัดมันไว้ทางปากทางสูงชัน ที่มันจะไต่ขึ้นมานั้นซึ่งย่อมจะให้ความปลอดภัยได้มากกว่าปล่อยให้มันทรงตัวได้ถนัดอยู่ในพื้นอันมีระดับเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืนที่มองอะไรไม่เห็นถนัดนะักตอนนั้นผู้กองและนายหญิงตามมาส่วนจะเว้นระยะห่างสักเท่าใดแง่าสายไม่อาจทราบได้ในการที่มุ่งรุดหน้าไปแต่ประการเดียวนั้น แงสายพยายามใช้ความระมัดระวังเตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิตระหว่างที่เดินไปนั้นและเริ่มรู้สึกหนักใจเมื่อรู้แน่ว่าเรากําลังเดินตามลมมันมันหมายถึงว่าศัตรูอยู่ใต้ลมของเราหากเส้นทางเดินยังไม่เปลี่ยนนีลาเองก็เริ่มแสดงอาการกระสับกระส่ายเพราะรู้ถึงความเสียเปรียบในข้อนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่น เป้าหมายที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปนั้นมันอยู่ใต้ลมโดยตลอดนีลายิ่งแสดงท่าบอกให้รู้ว่าใกล้าปากทางเข้าไปเท่าใดแง่สายก็เร่งระวังตัวมากขึ้นเท่านั้นหนทางเริ่มทอดลงต่ําสังหนเตือนให้แง่สายทราบว่าปลายทางอันตัดชันลงไปสู่เบื้องล่างซึ่งไอสามเขาพยายามจะใช้เป็นทางไต่ขึ้นมานั้นคงจะอยู่ไม่ห่างไกลออกไปนักเบื้องหน้า ขนาดนั้นมันเงียบสงัดไปหมดไม่มีสับสําเนียงใดๆจะแววมาให้จับสังเกตได้เลยนอกจากการเคลื่อนไหวอันแผ่วเบาของเราที่กําลังเคลื่อนที่กันไปเท่านั้นแงซายเริ่มผ่อนฝีเท้าให้ช้าลกพยายามสดับตรับฟังรอบตัวแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยกระแสลมอ่อนพัดไล่หลังเราอยู่ตลอดเวลา พากลิ่นไอของเราไปเบื้องหน้าบางขณะแง่สายพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันยังคงไต่ทางขึ้นมาไม่สําเร็จและนั่นคือความหวังอันแจม่มใสเพราะโอกาสที่จะยิงมันได้จากที่สูงอย่างถ น, นัดทนีแต่บางขณะแง่สายก็คิดว่ามันไต่ทางขึ้นมาถึงข้างบนแล้วกําลังได้กลิ่นเราทั้งหมดที่เดินใกล้เข้าไป และซุ่มรอคอยจังหวะอยู่ซึ่งนั่นหมายถึงความหายยนะแห่งชีวิตอันยากที่จะคลี่คลายแก้ไขได้ทันท่วงทีในสภาวะการเช่นนั้นในความคิดเช่นนั้นทำให้แงา่ายต้องคิดตำหนิตัวเองที่ไม่ควรจะดวนเดินพละจากผู้กองระพินล่วงหน้ามาก่อนเลยเพราะสี่หูย่อมดีกว่าสองหู และเปิดสองกระบอกก็ย่อมดีกว่ากระบอกเดียวและเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดแง่าสายมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟนว่าจะไม่มีใครได้รับอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายทุกชนิดเมื่ออยู่ใกล้ผู้กองระพินแง่าสายอาจจะพลาดได้แต่ผู้กองต้องไม่พลาดมันเป็นธรรมชาติพิเศษส่วนหนึ่งของเขาที่สวรรค์ประทานมาให้ ในงานที่เกี่ยวกับการล่าซึ่งแง่ายตระหนักดีมานานแล้วแต่ตอนนั้นแง่ายก็ถอยหลังกลับไม่ได้ใชแล้วในเมื่อนีลาและทหารธรมนที่ร่วมทางไปด้วยกันไม่มีตัวไหนถอยหลังเลยแม้จะแสดงความตื่นเต้นหวาดวันและไม่แน่ใจต่อสถานการณ์ทุกฝีก้าวที่ย่างไปการทวงฝีเท้าจนกลายเป็นย่องของแง่าย ทำให้ทำโมนอีกตัวหนึ่งล้ำหน้าตัดผ่านแง่สายไปและไปเดินอยู่ด้านหลังของนีลาแง่สายทิ้งระยะจากเจ้าสองตัวนั่นห่างพอที่จะฉายไฟเห็นหลังทันใดนั่นเอ ง, ท, งทั้งทั้งที่คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าวินาทีวิกฤตมันจะอุบัติขึ้นเมื่อใดก็ได้แง่สายก็ได้ยินเสียงลมหายใจอย่างแรง แรงทิจนแทบว่าจะปลิวมาประทะตัวแงซรายให้พังะลอยไปเสียงนี้ดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงยงร้องอย่างตกใจของนีลาและทรโมน์อีกตัวหนึ่งแล้วเงาทะมึนมาคือมาเงาหนึ่งก็โผล่พรวดพลาดออกมาจากหลังก้อนหินใหญ่และเห็นในความมืดไม่ผิดอะไรกับอสูรแผ่นดินที่ยืนอยู่ไหวสะเทือนเหมือนจะแยกถลม่มลงนีลาขณะนั้นอันตรธานไปทางใด แง่ทายไม่อาจทันหินได้แต่ที่เห็นถนัดตาก็คือทมลตัวที่ตัดขึ้นหน้าแง่ทายไปถูกปะทะเข้ากับภูเขาเคลื่อนที่ลูกนั้นอย่างถ น, นัดทันีมันปลิวลอยสูงขึ้นไปบนอากาศด้วยอาการถูกงัดเสยขึ้นแง่ทายจําได้ว่ายิงออกไปอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้สองนัดในวินาทีแรกที่มันขยี้ทมนตัวนั้นระยะห่างกันไม่เกินสี่วายัางจวนตัวกระทนันหันที่สุด มันตลุยพุ่งเข้ามาหาเงใสในทันทีที่เงใยลั่นกระสุนนัดที่สองเงใสเว้นระยะการเล่าลงชั่วขณะยกมือทั้งสองขึ้นรูปใบหน้าอันมอมแมมเป็นมันระยับไปด้วยละอองไอ้น้ำทุกคนเงียบกริบเบิกตามองเจ้าคนใช้พิเศษของคณะเป็นตาเดียวกัดอย่างตื่นเต้นเหมือนจะมองเห็นภาพนั้นปรากฏขึ้นกับตามีหินใหญ่อยู่อีกก้อนหนึ่ง บังอยู่ในทิศทางเบื้องหน้าระหว่งงางเงใสยกับมันเงใสยคํานวณแล้วว่าจะอย่างไรซะหินก้อนนั้นก็เล็กเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดความใหญ่โตของไอ้สามเขาแต่เงใสยไม่มีโอกาสจะเลือกก็เลยโดดเข้าไปหลบบังบังอยู่หลังก้อนหินนั่นใช่ไหมเชษาถามแทรกขึ้นเป็นประโยคแรกเจ้ากะเรียงชูงงามก้มศีรษะลงพร้อมกับฝืนยิ้มออกมาปราบปลาและเห็นไรฟันงามแถวหน้าขาววับเป็นระเบียบครับนายใหญ่ แง่าสายโจนเข้าหาหินก้อนนั้นครับเพื่อจะดึงลูกเลื่อนบรรจุกระสุนนัดที่3แต่มันไม่ให้โอกาสแง่าสายอีกเลยไม่ยอมแม้แต่จะวกอ้อมลีขินก้อนนั้นเข้าไล่แง่สายหากแต่มันใช้วิธีตะลุยเข้าปะทะชนหินใหญ่ทั้งก้อนที่แง่สายหลบมุมอยู่แล้วก็ดันหินก้อนนั้นพลิกเคลื่อนที่บทเข้าหาแง่สายเหมือนใครสักคนหนึ่งกริ่งคลกขินเข้าบททับมดฉะนั้น ความรู้สึกของแง่สายยามนั้นเหมือนนรกทัางขุมวูบเข้าครอบงำจำได้อย่างเดียวแต่ว่าพอหินเริ่มถูกชนและกลิ้งเข้าหาแง่สายก็พยายามเพนถอยหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้และตัวเองก็ล้มกลิ้งลงด้วยความรู้สึกครั้งสุดท้ายในขณะนั้นว่าร่างกายคงไม่เหลือเป็นตัวตนอีกแล้ว จากนั้นแง่ายก็จะอะไรไม่ได้ไปชั่วขณะอาจจะหมดสติหรือมิฉะนั้นก็คงจะสลบไปเธอก็เดินตกจากหน้าผาบริเวณนั้นไปเหรอแง่ทายดารินถามโดยเร็วหามไม่ได้ครับนายิงแง่ทายตอบด้วยเสียงที่แหบพร่าลง เงษายไม่ได้หลุดพ้นไปจากรัศมีของหินก้อนใหญ่ที่เคลื่อนเข้าไล่บททับนั่นเลยครับทั้งๆที่พยายามจะทําเช่นนั้นเหตุการณ์มันกระทันหันและหินก็ก้อนใหญ่เกินไปกว่าที่เงษายจะเพนให้พ้นออกไปได้เงษายตกอยู่ในลักษณะลนลานหนีหินที่กําลังกลิ้งเข้าใส่ในเส้นทางเดียวกันและสะดุดล้มลงโดยแรงในจังหวะนั้น ร่างกายก็กระเด็นกลิง้งจนโลกหมุนไปหมดเอาล่ะมันถึงตอนสำคัญแล้วแงาสายนี่บอกมาสิว่าแกรอดตายได้ยังไงพวกเราทั้งหมดได้ไปยืนพิจารณาดูที่หินก้อนนั้นแล้วไรเฟิลและผ้าพวกหัวของแกยังโผล่บางส่วนออกมาให้เราเห็นภายใต้การบด ท, ทับของหินนั้นซึ่งทำให้เราเชื่อมัน100่นร้อยเปอร์เซ็นเต็มว่าแกต้องเละอยู่ข้างใต้ ชายันกระชั้นคำถามมาบ้างทุกคนรอคอยคำตอบของแง่สายอย่างกระหายถูกแล้วครับนายทหารแง่สายถูกทับอยู่ภายใต้ก้อนหินนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าร่างกายไม่ได้แหลกเหลวหรือมีส่วนใดพิการไปอย่างที่ควรเท่านั้นซึ่งความจริงข้อนี้แง่สายก็เพิ่งมารู้และค้นพบสาเหตุได้ภายหลังครับ ขณะที่แง่ทรายรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งนั้นสัมผัสบอกกับตนเองว่าได้นอนอยู่ในแอ่งของดินปนทรายยุยยุยเนื้อที่จํากัดซึ่งมืดมิดไปหมดไม่เห็นและไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นครับนอกจากเสียงเต้นของหัวใจตนเองซึ่งบอกให้แง่ทรายทราบว่ายังไม่ตายเมื่อแรกรู้สึกแง่ทรายยังไม่แน่ใจนัก พยายามสงบจิตใจใคร้ครวนสอบหาความจริงอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็พบว่าแง่ทรายยังมีลมหายใจอยู่จริงๆร่างกายก็ไม่มีส่วนใดชำรุดนอกจากความขัดเคล็ดยอกระบมไปหมดแต่ก็ไม่อาจขยับขยื่นได้ถนัดนักเพราะรอบตัวของแง่ทรายมันจำกัดไปหมดเหมือนถูกบรรจุอยู่ในท้องดินแคบๆพอตัว ได้ใช้มือกวาดคุยเขียดินที่นอนอยู่ไปรอบๆแล้วก็พบว่าส่วนเหนือเบื้องบนขึ้นไปของแง่ทรายมีก้อนหินใหญ่ปิดบังทับอยู่ประดุดภูเขาหลวงทั้งลูกตอนนั้นแง่ทรายตะโกนเรียกชื่อผู้กองระพินจนสุดเสียงเรียกซ้ำๆอยู่หลายครั้งครับแต่เสียงของแง่ทรายก็สะท้อนก้องกลับมาหลอกหลอนตัวเอง ไม่มีสัญญาณใดๆบอกได้เลยว่าเสียงของแงซายจะรอดพ้นขึ้นไปได้เท่าเท่ากับที่ไม่ได้ยินเสียงใดๆแวววลงมาเลยเหมือนกันแงซายถูกตัดขาดออกจากโลกเบื้องบนโดยสิ้นเชิงถูกฝังทั้งเป็นใช่แล้วภายในรูดินที่คับแคบคลือๆตัวโดยมีหินใหญ่ทั้งลูกปิดทับสนิทอยู่เบื้องบน แม้จะไม่ตายในทันใดจากการถูกบดแหลกเหลวแต่แง่ท้ายก็คงจะต้องตายอย่างทรมานที่สุดโดยการถูกฝังทั้งเป็นนี่คือความรู้สึกที่บอกกับตนเองเช่นนั้นเพราะไม่ว่าจะใช้ความพยายามสักเพียงใดแง่ท้ายก็ไม่สามารถจะขยับขยื่นก้อนหินที่ปิดทางเบื้องบนออกไปได้เลยเวลาอาจจะล่วงผ่านไปไม่น้อยกว่า20นาที ที่แง่ายนอนทอดอะไรคิดถึงวาระสุดท้ายของตนเองภายหลังจากที่ได้ดิ้นรนจนสุดฤทธิ์ที่จะหาทางออกอันปราศจากผลสมองดูจะตันตื้อไปหมดแต่ทันใดนั้นเองใ น, นเจตสิ์ของแง่ายก็คลับคล้ายคลับคลาว่าจะแววเสียงหนึง่งกระซิบอยู่ในหูว่าแง่ทาย เจ้าจะงอมืองอตีนรอความตายอย่างโง่งเงาอยู่เช่นนั้นเหแงาสายก็เลยร้องถามออกไปว่าใครแล้วก็ขนลุกชันขึ้นทั้งกายเมื่อแววเสียงตอบว่าเราคือฤสีโกนทันยะพระคุณเจ้าโปรดด้วยเถิดแงาสายถูกฝังทั้งเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว แง้ายไม่มีใครช่วยเหลือเจ้าได้หรอกนอกจากตัวของเจ้าเองแต่แงสายไม่มีกำลังพอที่จะเคลื่อนหินที่บททับอยู่ข้างบนนี้ออกไปได้เลยนะครับพระคุณเจ้าใช้สมองของเจ้าสิถามตัวเอง ว่าที่เจ้ามีล้มหายใจอยู่ได้ในขณะนี้อากาศมาจากทางไหนแล้วเสียงของฤาษีโกลทัญญาก็ขาดหายไปจากโสดตประสาท์หรืออาจจะเป็นทางดวงจิตของแง่สายอย่างไรก็ตามนั่นคือช่องทางแห่งปัญญาซึ่งท่านได้ชี้ให้แก่ผมแล้วถูกแนละ้วความตกใจต่อเหตุการณ์ ทำให้แง้า ย, ายเขาและขาดสติจะลืมคิดถึงความจริงไปสอย่า ง, งหินใหญ่ปิดทับแงซ า, ายไว้เบื้องบนอย่างสนิทที่สุดแต่แง้า ย, ายมีอากาศหายใจได้ยังไงเมื่ออากาศถ่ยเทได้แง้า ย, ายก็น่าจะมีช่องทางออกได้แน่นอนแง้า ย, ายเริ่มใช้มือสำรวจคลำควานไปรอบๆตัวอีกครั้ง อย่างระมัดระวังชั่วครู่เดียวความหวังก็เริ่มปรากฏเป็นรอยรางพื้นดินปนทรายทางด้านหนึ่งเบื้องต่ำลงไปยุยพอที่จะเอามือคุ้ยขุดได้แงใ า, ายขุดให้เกิดเป็นช่องว่างพอขยับตัวได้ถนัดขึ้นจากท่าที่นอนอยู่ในหลุมแคบอันบีบบังคับทำสำรวจไปที่ตัวพบว่ามีดเหน็บหลังยังอยู่ แง่ายก็ใช้ประโยชน์จากมีดเล่มนั้นทันทีแล้วไม่นานต่อมาก็ค้นพบโพรงใต้ดินเจาะชอนเป็นแนวคดเคี้ยวเลี้ยวลึกลงไปช่องพโพรงนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสฟุตแง่ายรู้ได้ทันทีว่ามันจะต้องเป็นเส้นทางเดินของสัตว์จำพวกเมน่นหรืออ้นขนาดใหญ่เป็นทางเก่าแก่ซึ่งสัต์ ชนิดนั้นเลิกใช้มานานแล้วบางทีช่องทางนั้นก็ผ่านไประหว่างรากไม้และแคบทำท่าเหมือนจะตีบตันลงแต่เมื่อใช้มือขุดซาะมันก็ขยายออกได้เพราะสภาพอันร่วนซุยของดินปนทรายแง่ทรายกลับตัววางลำตัวในแนวยาวขนานไปกับช่องโพรงนั้นแล้วค่อยๆ ค, คลานเลื้อยออกไป มันจะนำไปสู่ที่ใดก็สุดแล้วแต่ทว่าแน่นอนที่สุดแง่ทรายเชื่อมั่นว่ามันจะต้องนำออกไปสู่แผ่นดินเบื้องนอกเพราะอากาศผ่านเข้ามาทางนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาอากาศสดก็ผ่านเข้ามากระทบหน้าของแง่ทรา ย, ายจากความมืดของเหวใต้ดินที่แง่ทรายคลา ม, มุดเลื้อยมาโดยตลอดนั้นบัดนี้แลเห็นสีขาวมัวของหมอก จากปรากฏการณ์ของท้องฟ้าภายนอกปรากฏรำไรให้เห็นครับแงาสายรอดตายแล้วขุนทางที่โผล่มาและสามารถยืนยืดกายขึ้นรับกับอากาศเบื้องนอกได้อีกครั้งเป็นซอกหินในเส้นทางด่านอันเทราชันตอนหนึ่งซึ่งแงาสายทราบว่าแท้ที่จริงมันคือทางด่านสูงชันด้านที่ สายเซราท็อปใช้เป็นทางบุกรุกขึ้นมานั่นเองหางจากที่เกิดเหตุตอนที่ไอ้สามเขาชนก้อนหินเข้าบททับแง่ทรายไม่ไกลนักและเมื่อ น, นั้นเองเสียงของฤาษีโกนทันยะก็แว่วมาอีกครั้งแง่ทรายเจ้าปลอดภัยแล้วแต่พรานใหญ่ระพินกำลังตก อยู่ในอันตรายรีบไปช่วยเขาพระคุณเจ้าพรานใหญ่ได้รับอันตรายจากไอ้สามเขาตัวนั้นด้วยหรือครับหามิได้เขาฆ่ามันได้แล้วแต่ตัวเขาเองสิถูกแมงมุมพิษกัดเอาโดยไม่ทันรู้ตัวขณะที่ไม้ใหญ่โค่นลมฟาดลงมา แมงมุมตัวนั้นมีรังอยู่ใต้ซอกหินตรงปลายกิง่งของต้นไม้ที่ลมฟาดเขาลงมานั่นเองแง่ใาจาจงรีบกลับไปแก้ไขเถิดท่าเจ้าระหนักว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าที่สุดสำหรับเจ้าไม่มีใครสำนึกได้หรอกว่าเขา กำลังจะตายนอกจากเจาก้าคนเดียวเท่านั้นแง่สายหยุดการเล่าลงแค่นั้นท่ามกลางการตะลึงฟังของคณะทุกคนนี่พวกเรานึกกันไม่ถึงเลยนะแงไสายว่าในที่สุดพระคุณเจ้าโกนทัญญะก็ช่วยชีวิตแกและรับพินไว้ในครั้งนี้แม้จะโดยวิธีเข้าดนใจเตือนบอกให้ทราบก็ตาม ในที่สุดเชตาก็เอ่ยขึ้นอย่างแผ่วเบาขนลุกเกลียวขึ้นด้วยความศรัทธาและปิติถึงกับพนมมือขึ้นบูชาเหนือศีรษะชา ย, ยันและดารินก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยความเต็มตื้นซาบซ่านใจในความเมตตาปราณีของนักพรตผู้ทรงศีลเหลือที่จะกลาวขอพระคุณเจ้าจงจำเริญและสาเร็จในธรรมชั้นสูงสุดเช่นที่ตั้งปรารถนานั้นไว้เถิด ถึงยังไงท่านก็ยังมีน้ำใจที่เผื่อแผ่เมตตาให้แกพวกเราทุกคนเราจะไม่ลืมเมตตาธรรมของท่านเลยจนตลอดชีวิตของพวกเราทุกคนดารินพึมพำพร้อมกับก้มลงกราบราบลงกับพื้นส่วนมาเรียก็ครางออกมาว่ามหัสัจันจริงๆมหัสัจรันที่สุดแง่ทรา ย, ายก่อนหน้าที่แกจะโผล่กลับเข้ามาอย่างปาฏิหาร พวกเราทุกคนที่อยู่ในนี้เนะี่ยอยู่ในภาวะสิ้นหวังทอดอะไรแล้วเราเห็นกันว่าแกสิ้นไปคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผู้กองระพินกําลังจะสิ้นตามแกไปอีกคนนายหญิงพยายามจะแก้ไขผู้กองเท่าใดก็มองไม่เห็นทางว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาได้แต่แล้วก็เหมือนพระเจ้ามาโปรดแกยังไม่ตายซ้ํายังกลับมาช่วยชีวิตผู้กองได้อีกด้วยชยันพูดเสียงเครือ น้ำตาเออออกมาด้วยความตื้นตันเหลือขนาดคขามาอบแขนกอดรอบไหลเจ้าคนใช้พิเศษไปแน่นกระชับไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขายิ้มหรือร้องไห้ในขณนะนั้นกล่าวอย่างพยายามฟื้นระงับความรู้สึกต่อมาว่าแง่ า, ายกระสมแ ล, ะละ้วล่ะที่เป็นเจ้าแห่งไพรกว้างเคียงบาเคียงไหลคู่กับผู้กองรพิน ก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าฉันไม่ชอบหน้าแกนะักเพื่อจะมาเข้าใจความรู้สึกแท้จริงของตัวเองเอาวินาทีสุดท้ายเมื่อคิดว่าเราได้สูญเสียแกไปแล้วนั่นแหละนั่นคือฉันรักแกว่ะและพวกเราคนอื่นๆทุกคนก็รักแกทั้งนั้นแม้แต่ผู้กองระพินซึ่งมีท่ามันจะเกลียดแกอย่างเข้ากระดูกดําแกคงไม่รู้หรอกว่าผู้กองนาะยยืนน้ําตาไหลอ ย, อยู่ข้างๆก้อนหินลูกที่บททับแกนนะ่ะ พวกเราทุกคนเพิ่งจะเห็นน้ำตาของเขาเป็นครั้งแรกขอให้เข้าใจไว้ด้วยการที่แกรีบกลับมาช่วยชีวิตผู้กองในครั้งนี้จะทําได้ถูกต้องและควรจะภูมิใจที่สุดแล้วเพราะผู้กองน่ะไม่ได้ชิงชังหรือมีอคติอะไรกับแกเลยจนนิดเดียวคนเราน่จะอ่านจิตใจอย่างรู้กันได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในวินาทีแห่งความเป็นความตายเช่นนี้แล้ ว, วไงทาย เงยสายสูดลมหายใจลึกจนแผงอกไหวมองระไปตามใบหน้าของแต่ละคนที่กำลังจับจ้องมาอย่างชื่นชมสมณัตนั้นด้วยประกายตาอันสุขพราวแจมใสเงยสายเข้าใจความรู้สึกของเจ้านายทุกท่านดีครับรวมทั้งสหายร่วมตายพรานป่าเหล่านั้นทุกคนด้วยไม่เคยคิดเอาใจออกห่างหรือมีเล่กลพิษายใดๆแฝงอยู่เลย และขอสาบานต่อดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของฤาษีโกนทัญญาไว้ณที่นี้ด้วยว่าเงาสายจะซื่อสัตย์ต่อคณะเจ้านายตลอดไปครับเจ้ากะเรียงฉุ่มงามเปลี่ยนสายตาไปจับนิ่งอยู่ที่ร่างอันนอนนิ่งไม่ไหวกายของระพินไพรวัลสำหรับผู้กองระพินผมยังทราบถึงแก่นแท้แห่งน้ำใจของเขามานานแล้วและโดยใจจริง ผมก็เคารพนับถือเขาเสมอด้วยพี่ชายไม่เคยคิดที่จะวัดรอยเท้าตีเสมอเขาเลยในทุกด้านผมรักเคารพก็มานานก่อนที่เขาเองก็เพิ่งจะมาเห็นน้ําใจผมในคราวที่เราร่วมงานกันในครั้งนี้นั่นเป็นคํากล่าวอย่างบริสุทธิ์และเปิดใจเป็นครั้งแรกของอดีตร้อยโทกองโจเรเกลียงซึ่งคณะนายจ้างทุกคนอยากจะให้รับพินได้ฟื้นขึ้นมา ได้ยินกับตนเองยิ่งนะักไงทา ย, ายพวกเราทั้งหมดได้ไปยืนล้อมดูอยู่ที่ก้อนหินนานๆทีเดียวมาเรียพูดขึ้นบ้างตาสีดอกผักตบของหลอนเริ่มมีประกายวาวามขึ้นยิ้มสดใสออกมาได้พวกเราช่วยกันตะโกนเรียกหาเธอเอะอะลั่นไปหมดโดยมีความหวังร้างว่าเธออาจหลบหนีไปอยู่ในละแวกที่ไม่ห่างออกไปนัก เป็นต้นว่าถูกินกระแทกกระเด็นไปหมดสตียอยู่ที่ใดที่หนึ่งและทั้งทั้งที่ความจริงเธอก็ถูกขินบังทับอยู่ข้างบนถ้าหากจะวัดระยะจากที่พวกเราไปยืนล้อมอยู่ก็คงห่างไปไม่กี่ว่าเธอไม่ได้ยินเสียงอะไรจากพวกเราบ้างเลยเหรอแงไย ส, ยสันสีสันนายแม่มครับผมไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยครับ รู้สึกไม่ผิดอะไรกับถูกตัดออกจากโลกข้างบนเหนือตัวของผมขึ้นไปโดยสิ้นเชิงหรือมิฉะนั้นระยะเวลาระหว่างนั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผมนอนหมดสติอยู่ก็ได้ครับผมเมงก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเมื่อรู้สึกตัวขึ้นผมตะโกนเรียกผู้กองหลายครั้งจนแทบจะหมดเสียงแต่ก็ไม่มีสัญญาณใดๆดังตอบมาให้จับได้เลยถ้าเช่นนั้น นีลาก็แม่นยำต่อการตามกลิ่นและร่องรอยที่สุดแล้วในการที่มันแสดงกิริยาให้เรารู้ว่าแง่ทรายถูกทับอยู่ใต้หินก้อนนั้นแน่นอนดารินหันไปบอกกับพักพวกทุกคนยิ่งกว่านั้นมันเองก็ใกล้ชิดเหตุการณ์ที่สุดด้วยคงเห็นชัดกับตาด้วยว่าหินได้กลิ้งทับแง่ทรายลงไปแล้วหล่อนก็เล่าให้แง่ทรายฟังถึงเหตุการณ์ด้านที่เกิดขึ้นกับหล่อนและระพิน พูดตามหลังไปให้เจ้าคนใช้พิเศษได้รับทราบในช่วงระยะเวลาเต็มพันสืบเนื่องกันนั้นจนกระทั่งคณะทั้งหมดพากันออกจากที่พักไปตามตลอดจนกระทั่งได้ชุมนุมกันไว้อาลัยตรงก้อนหินก้อนนั้นก่อนที่จะพระกกลับมาอย่างสิ้นหวังสลดใจแล้วพินก็เกิดล้มพับลงเฉยเมื่อกลับมาถึงถ้ำ ถ้าย้อนกลับขึ้นมาแลเห็นต้นไม้ใหญ่ที่ล้มทับเราอันเกิดจากการชนของไอสามเขาแล้วไม่ใช่เหรอครับนายหญิงผมยังได้เห็นไรเฟิลของผมเองถูกบดแหลกโผล่ผ่านท้ายส่วนหนึ่งออกมาและค้นพบไฟฉายของผมเองที่ตกอยู่ในพุ่มรกริมทางข้างหนึ่งโชคดีมากนะครับที่ผมบังเอิญได้พบไฟฉายจึงทำให้สามารถจับตัวแมงมุมหกขาได้สะดวกขึ้นในเวลากลางคืนเช่นนี้ แล้วก็พบสร้อยเครื่องรางของผู้กองด้วยผมรู้ว่าทุกคนคงเข้าใจว่าผมตายไปแล้วซึ่งความจริงผมก็เหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่นะครับผมไม่คิดเช่นกันครับว่าในที่สุดผู้กองระพินเองกลับเคราะห์ร้ายยิ่งไปกว่าผมในครั้งนี้โชคดีอยู่บ้างที่ฤษีโกนธัญญากระซิบบอกให้ผมทราบมิฉะนั้นกว่าจะค้นพบสาเหตุแก้ไขทันผู้กองอาเสียชีวิต ลงไปก่อนก็ได้บรรยากาศอันตึงเครียดขนาดหนักของคณะบัดนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วพวกพรานพื้นเมืองของระพินและขยินเพิ่งจะมีโอกาสได้เข้ามาจับเนื้อต้องตัวแงซ า, ายสแสดงความยินดีด้วยทุกคนปรากฏรอยยิ้มออกมาได้แงซ า, ายนอกจากพรานใหญ่แล้วข้า ย, ยังไม่เคยเห็นใครกระดูกเหล็กอย่างเองเลยวะ่ะ ขยินกล่าวปนหัวเราะออกมาด้วยใจจริงอันว่าขยินแห่งลมช้างนั้นในอาณาจักรไพรแล้วตัวมันหาเคยคิดที่จะเป็นรองใครไม่เว้นแต่ระพินไพรวันผู้มันเคารพเหมือนพ่อแต่บัดนี้มันยอมรับแล้วว่าสำหรับเจ้าพรานหนุ่มพเนจรนามว่าแง่สายซึ่งมันแอบนิยมน้ำใจและฝีมืออยู่ในใจเงียบๆมานาน นอกจากพวกข้าจะร้องไห้เพราะนึกว่าเองตายแล้วพวกข้ายังเป็นทุกข์อยู่อีกว่าขาดคนช่วยแบกของไปอีกคนหนึ่งเกิดว่าข้านี่ยไม่ค่อยจะเชื่อลูกไม้เองนักรอกเอ้แง่ทายเสยพูดดักคออย่างยั่วยาวเล่นมากกว่าที่จะหมายความแท้จริงเองน่ะมันไอ้มหาการล่อนเรื่องราวทั้งหลายเองอาจโก้ขึ้นเพื่อหลอกเจ้านายให้ดูสมเหตุสมผลจริงจังก็ได้ ว่าเองมาติอยู่ใต้ก้อนหินนั่นแล้วมุดออกมาทางรูมเมน่นเฮ้ยแต่ความจริงอะเองอาจหลบมุมไปนั่งพักสบายอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งหลังจากแต่ไ อ, อ้ไอมเขาขีดเองผิดเพื่อจะคอยแอบ ด, ดูว่าพวกเรามีความรู้สึกยังไงมั่งเมื่อคิดว่าเองไตหงุดไปละเสร็จแล้วก็ค่อยโผล่กลับเข้ามาใช่ไหมล่ะที่ข้าว่าเนี้เองอย่าอกุศลกับมันนักเลยว่ะไอเ้เซยแง้ซรายนะ่ะมันคงไม่โกหกหรือลูกไม้อะไรหรอกคราวนี้ จะเท่าบุญคำหันไปแก้แทนให้แง่ทรายเป็นครั้งแรกเจ้าคนถูกกล่าวหาไม่ตอบว่าอะไรนอกจากยิ้มขึ้มขื้เฉยเฉยตลอดเวลาคนเหล่านั้นพูดจากันเป็นภาษากะเหรี่ยงโดยที่เจ้านายทั้งหลายฟังไม่เข้าใจและก็ไม่ได้หันมาสนใจนักด้วยปล่อยให้แง่ทรายพูดจาสนทนากับเพื่อนเพื่อนราญพืน้นเมืองซึ่งคงจะอยากซักถามอะไรบ้างตามภาษาคนรักสนิท ร่วมเป็นร่วมตายกันมานานคิดไปแล้วมันน่าจะกระเทือ่ไปสางปลานะักจันบอกหันไปมองดูเจ้าตองสู่ที่คอยเฝ้าดูตัวยาดูติดแผลของระพินพร้อมกับอ้าปากขาวอยู่วอดวอด้าทางมันไม่เคยจะยินดียินร้ายอะไรกันนะักพอรู้แน่ว่าแง่ไซยมีชีวิตอยู่มันแสดงอาการตื่นเต้นยินดีขึ้นมาขณะหนึง่งแล้วก็ไม่สนใจจะซักถามอะไรอีก มีหน้าที่จะต้องเป็นหมอแก้ไขเรื่องพิษแมงมุมที่มันถนัดมันก็ทําของมันไปตามเรื่องสลับกลับไปนั่นสลับไปกันนานๆก็หันไปดูดกันชาจากบ้องสักครั้งหนึ่งควันตลบอบอวนขมวงไปหมดตัวมันเป็นหมอแก้สารพัดพิษอยู่แล้วเห็นอาการของพรานใหญ่มันก็น่าจะเฉลียวใจคิดรู้บ้างนี่ปล่อยให้นายหญิงปล่ําไปคนเดียวกว่าจะรู้เรื่องได้ก็จนเมื่อแง่สายโผล่กลับมา โง่รือยำเอ้ยเอ็งก็อย่าว่าป้าไปว่ามันนักเลยว่าจันท์ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สางปาน่นมันไอ้บองตันมันคงนึกไปไม่ถึงเหมือนกันเพราะความตกใจดีเท่าไรแล้วที่มีมันร่วมอยู่กับเราด้วยนะไม่มีมันสักคนเดียวเราจะแย่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนายทหารแงะทรายเคยรอดชีวิตมาแล้วนะเพราะมันมาคราวนี้พรานใหญ่อีกคน บุญคำซึ่งขนาดนี้อารมณ์ดีขึ้นเป็นพิเศษจากนิสัยเดิมที่มักบุกหงุดหงิดชอบด่าพ่อล่อแม่คนอื่นอยู่เป็นประจำช่วยแก้มาให้อีกพร้อมกับเอื้อมมือไปลูกกระบาลสางปาอย่างเอ็นดูเจ้าตองสู่หันมายิ้มให้หวานจ้อยวันนี้ตาเท่าของกูน่ารักจริงวะ่ะว่าแล้วก็ส่งบ้องกัญชาประเคนให้เห็นจะหมดเคราะห์กันไปสทัทีทางด้านกลุ่มนายจ้าง ท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างแจ่มใสที่สุดว่าแต่เมย์ลองถามสั่งปาดูสิว่ารพินจะ ร, รู้สึกตัวอีกสักเมื่อไหร่แ ม, ม่สาวหันไปส่งภาษากับคนรับใช้ประจำตัวของหล่อนแล้วบอกว่าตอนนี้นะ่ะผลัดยาดูดบาดแผลออกไปได้สองชุดแล้วละคะพี่ใหญ่สั่งปาบอกว่าขออย่าให้ทุกคนห่วงแล้วก็นอนพักเถอะมันจะรับหน้าที่เฝ้าเองพรุ่งนี้สา ย, สายรพินก็จะรู้สึกตัวได้ เรื่องพิษแมงมุมตัวนั้นไม่มีอะไรจะต้องวิตกอีกแล้วล่ะหลังจากสางตารักษาตามพิธีการของมันเสร็จก็ขอให้เป็นหน้าที่ของน้อยก็แล้วกันแต่รู้สึกว่าจะยังไงซะพรุ่งนี้เราก็คงยังไม่สามารถออกเดินทางจากที่นี่ได้แน่นอนล้วเชิดถาพยักหน้าพอวางใจต่อสถานการณ์ได้ทุกคนก็เริ่มรู้สึกถึงความอ่อนลา้าระหยะเหียและอยากจะพักที่สุด ขณะนั้นเข็มเวลาจากนาฬิกาเดินป่าของหัวหน้าคณะชี้บอก4นาฬิกา45นาทีและอากาศก็แซนจะหนาวเหน็บเข้าคั่วหัวใจซึ่งตลอดเวลาแห่งความฉุกกระหุกทำให้ทุกคนลืมซะอย่างสนิทเพิ่งจะมารู้สึกขึ้นอีกครั้งเอาเดี๋ยวนี้ช่างมันเถอะเสียเวลาสักวันสองวันก็คงไม่ไกห ร, รอกขออย่างเดียวอะให้ระพินปลอดภัยก็แล้วกัน เขาเป็นอะไรลงไปแล้วก็เดินทางไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นอันว่าน้อยปล่อยภาระรับผิดชอบในอาการของระพินไว้ให้สั่งปลาตามลําพังก่อนแล้วกันแล้วเขาก็หันไปจับไหล่แง่ทายสายตาเต็มด้วยความรักสนิทยิ้มให้แง่ทายถ้าทางแกสะบักสะบอมไม่น้อยเหมือนกันนะพวกเราทั้งหมดนี่แหละอ้าวหีบเอาแรงกันเถอะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เห็นจะนอนกันตาหลับได้สักทีสําหรับ ก่อนอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้ทั้งหมดเข้าประจําที่นอนล้อมกองไฟใหญ่ที่ก่อไว้เมื่อตอนที่รพินเริ่มแสดงออกว่าไม่สบายมากหนังตาหนักอึง้งประสาทมืนชาไปหมดเพราะการพักผ่อนที่กระท่อนกระแท่นไม่ติดต่อกันประกอบกับการเพรียรหนักมาอย่างไม่ว่างเว้นตลอดเวลาติดต่อกันหลายชั่วโมงการพูดจาสนทนาจึงสิ้นสุดยุติลงโดยปริยายไปอย่างรวดเร็ว เชษฐานั้นเมื่อสั่งให้ทุกคนนอนแล้วเขาก็ล้มตัวลงแทบไม่ถึงกลั้นใจก็พลอยหลับไปทันทีมาเรียกับชัยันก็มีสภาพเช่นเดียวกันคงเหลือแต่งแง่ทายซึ่งยังนั่งกอดเข่ามองดูพรานใหญ่อยู่เงียบเงียบดารินวราฤทธนั้นพิสูจน์ออกมาได้ยามนี้ว่าทอรหดอดทนที่สุดเพราะอย่างน้อยวิญญาณแห่งการรับผิด ช, ชอบในด้านแพทย์ของหลอน ก็เป็นเครื่องเสริมพลังอยู่หล่อนกำลังจะล้มตัวลงนอนอยู่แล้วแต่พอเหลือพินแงทรายยังนั่งอยู่ก็เลยชะ ง, งักอยู่ในอาการครึ่งนั่งครึ่งนอนนั้นแงทรายครับผมนายหญิงเธอแน่ใจเหรอว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าที่บอกแงซรายแน่ใจครับไหนลุกขึ้นยืนสิแล้เวเดินสักสี่ห้าก้าวให้ฉันดู เงาไซค่อยๆไปยุงกายขึ้นยืนก่อนจะทรงกายตรงส่วนเซเล็กน้อยแต่พยายามฝืนไว้แล้วก็ยืดกายตรงเดินกลับไปมาให้นายหญิงดูตามคำสั่งดารินเจ้าสังเกตแล้วก็กัดริมฝีปากนิดนึงอย่างไม่ค่อยจะสบายใจนักขาไซของเธอไม่ปกตินะเงาไซมันลักลาดยังไงพี่กุลแม้ว่าเธอจะพยายามทาให้ดูเหมือนปกติ แง่ไยไม่เป็นไรมากหรอกครับนายหญิงเพียงแป่ เ, ปเครดยอกเท่านั้นพรุ่งนี้ก็อาจหายเป็นปกติแง่ายสาบานว่าสามารถเดินหรือทำงานหนักได้ทุกชนิดในวันพรุ่งนี้นายหญิงไม่ต้องเป็นห่วงครับฉันนะมีภาระที่จะต้องห่วงทุกคนนะั่นแหละแง่ซสาย12ชีวิตของพวกเราไม่ว่าใครทั้งนั้นถ้าเป็นอะไรไปมันหมายถึงอุปสรรคในการเดินทางของเราทันที เธอกระพินน่ะเป็นคนประเภทเดียวกันคือเป็นอะไรไม่เคยบอกกว่าจะรู้ก็เกือบสายทุกครั้งถ้าเธอคิดว่าจะให้ฉันสบายใจและให้การเดินทางของเราเรียบร้อยเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บยังไงก็ควรจะรีบบอกฉันทันทีเพื่อจะแก้ไขได้ทันท่วงทีอย่านึกว่าการเงียบไว้ยน่ะมันจะแสดงถึงความเข้มแข็งผู้กองน่ะเป็นคนโง่คนนึ่งละในเรื่องเช่นนี้ฉันไม่ต้องการให้เธอต้องโง่แกมหญยิงอย่างเขาอีกคน เข้าใจไหมแนาทรายนาทรายเข้าใจครับนายหญิงและสัญญาว่าจะไม่ให้นายหญิงต้องลำบากใจในเรื่องนี้เป็นอันขาดครับดารินลุกขึ้นเดินอ้อมกองไฟมาสุดกายลงนั่งข้างๆสางปาผู้กำลังทาหน้าที่เป็นบุรุษพยาบาลครานใหญ่อยู่ในระหว่างที่ทุกคนหลับหมดและพยักหน้าให้องครรภ์ประจำตัวของหล่อนนั่งลงตรงหน้าใกล้ๆส่งยาเม็ดชุดหนึ่ง สามเม็ดสีสันต่างๆให้ออกคำสั่งว่ากินซะมันจะทำให้เธอหลับได้อย่างสบายและทุเลาอาการอักเสบทุกชนิดในเวลาตื่นขึ้นมาแงซายรับยาไปเทใส่ปากและกลืนโดยไม่จำเป็นน้องอาศัยน้ำด้วยอาการอันบริสุทธิ์ซื่อเหมือนเด็กน้อยที่ทำตามคำสั่งของมารดาหมอดารินทอดสายตาจับ อยู่ที่ใบหน้านั้นด้วยความเอนดูปราณีลึกซึ้งเอื้อมมือไปลูบเบาๆที่เส้นผมหยักเป็นคลื่นสีน้ำตาลด้วยไอแดดแต่อ่อนนุ่มยาวโปรกต้นคอนั้นเราจะคุยกันเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะสักสองสามนาทีก่อนที่ยานอนหลับของฉันจะออ ก, กรทิ์นะครับนายหญิงแราจะสะกุลสาวชำเลืองไปทางส่างปาและบุยปาก หวังว่าเจ้าส่างตาคงฟังภาษาไทยที่เราพูดกันอยู่นี่ไม่รู้เรื่องแน่นะวางใจเถอะครับนายหญิงส่างตานะพูดแล้วฟังภาษาไทยไม่เข้าใจแม้แต่คำเดียวครับแล้วก็จริงดังว่านายหญิงกำลังพูดอะไรอยู่กับแง่ทรายเจ้าพรานตองสู่ของมาเรียไม่ได้สนใจอะไรด้วยเลยแม้ว่ามันจะนั่งอยู่ด้วยใกล้ๆกุกงเฝ้าจับมองดูแท่งยาของมัน ที่ดูติดอยู่กับปากแผลของรพิงอย่างเดียวตามหน้าที่ของมันหลอนมองสำรวจไปยังพักพวกทุกคนที่กำลังหลับอยู่อีกครั้งแล้วกวาดแล้วก็กวาดไปจับนิ่งยังดวงหน้าอันซีดเซียวตาหลับสนิทของสุภาพบุรุษไพรแ า, างถอนใจออกมาเบาๆอดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปอังแตะที่แก้มซีกหนึ่งของคนป่วยหนักด้วยใจพวงสุดห่วง แง่าสายบอกฉันมาตามตรงสิเราหลอกผู้กองใช่ไหมที่ไปบอกเขาว่านายใหญ่ตื่นขึ้นมาเห็นฉันกับเขาหายออกไปข้างนอกแล้วก็ใช้เธอไปตามเจ้าคนเล่ลึกแต่ก็น่ารักหลบตาก้มต่ำลงแต่ฝ่ายที่ถามก็พอจะสังเกตเห็นรอยยิ้มที่หลบซ่อนนั้นได้ตอบออมแอมว่าครับนายหญิง แงา่สายปดผู้กองครับมิจตณาอะไรที่ต้องโกหกเขาด้วยแงาสายอึ้งไปครู่ก็เงยหน้าขึ้นเผชิญสายตาตรงกับนายหญิงอย่างเปิดเผยนายหญิงอาจไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าผู้กองมีคำสั่งให้แงาสายตามล่าไซเซอรทอบตัวนั้นตามลำฟังคนเดียวเขาสั่งแงาสายอย่างเฉียบขาด แล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครร่วมมือกับแงซายด้วยทั้งสิ้นนั่นสิแล้วยังไงล่ะแงซายรู้ตัวเองดีครับว่าผู้กองจะแก้ผิดอะไรแงซายบางอย่างจึงให้งานชิ้นนี้ให้ทําตามลําพังมันเป็นงานที่หนักและเสี่ยงที่สุดแงซายไม่แน่ใจนะักว่าจะทําได้สําเร็จถ้าไม่มีผู้กองร่วมด้วยผู้กองก็รู้ดีอยู่เหมือนกัน ว่าแง่ายต้องการอยู่ใกล้เา้าในงานเสียงหนักๆทุกครั้งแต่เขาก็แกล่งที่จะใช้ใแง่ทรายไปคนเดียวบางทีอาจจะเป็นการลงโทษทางอ้อมก็ได้ดารินยิ้มสันหน้าช้าๆเอาละขัดจังหวะหน่อยอย่าหาว่าฉันแก้แทนให้เขาเลยนะฉั น, นคิดว่าผู้กองคงไม่ได้คิดร้ายหรือว่าคิดจะลงโทษอะไรหรอกในการที่เขาใช้ถือไปทางานคนเดียวครั้งนี้นะ แต่คิดว่าเขาเชื่อและไว้วางใจฝีมือของเธอมากกว่าคนของเขาถึงสี่คนนั่นไงขยินนั่นก็อีกคนนึงทำไมเขาถึงไม่ใช้เพราะเขารู้ดิว่าคนเหล่านั้นมือไม่ถึงเธอนั่นแหละเธออย่าคิดขุนใจว่าเขาจะแกล้งเธอเลยนางหญิงครับแง่ท า, ายไม่ได้โกรธเครืองหรือคิดขุนใจอะไรผู้กองหรอกครับแง่ า, ายมีแต่ความวิตกกังวลเท่านั้น แล้วก็พระสาเหตุนี่แหละทำให้ต้องออกอุบายหาทางเหนี่ยวรั้งเอาผู้กองให้ไปร่วมด้วยเพราะถ้าเผื่อแง่ทรายพลาดเขาก็ยังช่วยแง่ทรายได้จังหวะมันพอดีกับที่นายหญิงกับผู้กองออกไปพูดกันอยู่นอกที่พักระหว่างนั่นเองนีลาและพวกธรมนูนที่ลาดระเวนตรวจพื้นที่อยู่ได้วิ่งมาบอกความกับแง่ทรายมันเป็นหน้าที่ที่แง่ทรายจะต้องทาตามคาสั่งอยู่แล้ว ที่จะต้องออกไปรับมือไอ้สามเขาเนะี่ยแง่สายก็เลยบอกผู้กองว่านายใหญ่ตื่นและใช้แง่สายออกมาตามคำบอกของแงาสายเช่นนั้นเลยทำให้ผู้กองเปลี่ยนใจไม่อยากจะกลับเข้าไปในที่พักขนาดนั้นก็เลยต้องตามแง่สายไปโดยปริยายหิงสาวถอนใจเฮือกออกมาอีกครั้งสายหน้าไปมาอยู่เช่นนั้นนแง่สาย บอกจริงๆเลยนะเธอกระพินนี่เลี่ยมจัดด้วยกันทั้งคู่กินกันไม่ลงเลยและจะโทษฝ่ายใดก็ไม่ถนัดนักเพราะร้ายพอๆก็ได้แหละไม่มีใครดีกว่าใครแต่ถึงยังไงเหตุการณ์ในคืนนี้ก็ให้ความประทับใจปราบปลื้มแก่ฉันอย่างที่สุดแงซ า, ายเกือบตายผู้กองรระพินก็แทบไม่รอดแล้วนายหญิงปราบปลื้มใจอะไรล่ะครับ เจ้าองครักษ์พิเศษตีหน้าเซอถามมาก็ความเกือบตายของแง่ทรายและความเกือบไม่รอดของผู้กองระพินนี่แหละทำให้ฉันเพิ่งจะมาแน่ใจได้จากเหตุการณ์ว่าทั้งสองคนไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตหรือว่าชิงชังกันอย่างที่ฉันเกรงไปเลยตรงกันข้ามทั้งสองฝ่ายรักกันอย่างที่สุดซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ฉันและพวกเราทุกคนต้องการ มันไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าปลื้มหรอกเหรอฉันไม่เคยเชื่อมาก่อนเลยนะว่ารพินจะรักและห่วงใยเธอจนกระทั่งฉันได้เห็นกระตาเองในคืนนี้คืนที่เขาคิดว่าเขาคงจะไม่มีโอกาสได้เธอมาเคียงบาดเคียงไหลอีกแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้หวังว่าทั้งสองฝ่ายคงจะเข้าใจในน้ำใจของกันและกันจะทีนะอย่าให้มีเรื่องขัดแยง้งลองดีอะไรกันอีกเลยเธอสัญญากับฉันได้ไหม แง่าสายจอมพเนจรอมยิม้มนายหญิงครับแต่ไหนแต่ไรมานะ่ะแง่าสายเขาไม่เคยจะลองดีขัดแย้งอะไรกับผู้กองเลยนะครับนี่ไม่ต้องมาเถียงแก้ตัวหรอกเรานะตัวดีนะคอยยวนแย่เขาเงียบๆอยู่ตลอดเวลาเธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกครั้งแง่าสายทำให้เขาต้องเสียบุคลิกของคนใจเย็นหนักแน่นลงไปมากแล้วก็ฉุนเฉียวพื้นสีอยู่ตลอดเวลา ฉันน่ะไม่ชอบไปเขาแยกเขี่ยวเขาใส่เธอหรือแม้แต่ฉันเองในเวลามีเรื่องไง น, นะผู้กองเขาก็เป็นอย่างนี้มานานนั่นแห ะ, ะครับนายหญิงตั้งแต่เขายังเป็นนายตํารวจระเวนชายแดนเขาชอบแยกเขี่ยวใส่คนทุกคนแหละหรือบางทีก็แยกเขี่ยวใส่ตัวเองในกระจกเงาด้วยแง่ทายพูดพร้อมกับยักไหล่แต่เขาก็ไม่เคยฆ่าใครมีแต่จะช่วยเหลือเจีจานแง่ทายเองก็ไม่อยากแยกเขาเสียบุคลิกเดิมหรอก ในการชอบแยกเคี้ยวเกลี้ยวกราดของเขานะ่ะแต่ไออาการแยกเคี้ยวเกลียวกราดของเขามันน่าดูดีนะคนอย่างพวกกองระพินนะ่ะถ้าลงหน้ายิ้มรื่นอยู่ทั้งวันละ่ะไม่สวยหรอกนายหญิงต้องให้ตีหน้ายุ่งคิ้วขมวดอย่างนี้แหละถึงจะสวยคำพูดของแง่ทรายทําให้ดารินหัวรอกคีออกมาได้เป็นครั้งแรกอารมณ์เริ่มพองใสแช่มชื่นขึ้นอย่างประหลาดอืมก็จริงเหมือนกันนะ จริงอย่างเธอว่าเขาเป็นคนชอบเก๊กหน้าบางทีดูแลเมื่อยแทนเหลือเกินอย่างไรก็ตามสําหรับทางด้านเธอฉันก็อยากจะขอร้องให้พลาวๆลงเสียบ้างอย่าทําให้ผู้กอ ง, องของเธอต้องหัวเสียบ่อยนะักเธอนะ่าอาจจะสนุกไปคนเดียวแต่พวกเราทั้งหมดไม่ได้พลอยสนุกไปด้วยเขาเป็นผู้นําของคณะถ้าเขาหงุดหงิดพื้นเสียสักคนเดียวพวกเราก็ไม่ปลอดโปร่งใจแล้วก็จะพลอยหงุดหงิดไปด้วยวเรื่องมันก็ไปกันใหญ่ นอาล่ะนอนได้แล้วนายหญิงกับทุกคนหลับกันหมดสิ้นแล้วอากาศอันแสงจะเยือกเย็นยามใกล้รุ่งซึ่งคืบคลานเข้ามานี้แต่แงซ า, ายยังไม่หลับแม้หนังตาจะถูกทวงหนักด้วยฤทธิ์ยาระงับประสาทที่นายหญิงบังคับให้กินพอคณีว่าคณะนายจ้างทุกคนไม่มีใครตื่นขึ้นมาเห็นอาการของตนก็ดึงกายขึ้นมานั่งอีกครั้ง มองดูสัง่งตาซึ่งตื่นอยู่คนเดียวยามนี้ทําหน้าที่เยียวยาพลานใหญ่เจ้าพรานตองสูของมาเรียเปลี่ยนตัวยาดูดแผลเป็นขั้ทที่สี่ง่วนอยู่คนเดียวพอเงยหน้าเห็นไอ้คนที่แต่แรกมันนึกว่าเป็นผีมาหลอกกําลังนั่งจ้องนิ่งอยู่ในระยะใกล้ๆเพียงแค่เอื้อมถึงก็สะดุ้งหยงอย่างขวัญหายและมองตอบอย่างใจไม่ดีนะักยิ้มออกมาแห้งแห้ นี่ไอ้งาทายเอ็งยังไม่ตายแน่นะฮไม่ตายแน่นะไม่ต้องห่วงหรอกแต่ข้าตายข้าจะมาให้เอ็งเป็นคนแรกหุสช่างตาร้องเจ้ากระเรียงโฉมงามผู้ลึกลับเอื้อมมือมาจับที่ข้อมือของครานใหญ่ซึ่งวางประสานกันอยู่บนอกดวงตาเริ่มเป็นประกายไปด้วยความหวัง มือของรพินไพรยวันอันเคยเย็นชืดประดุดท่อดไม้นั้นบัตรนี้เริ่มอบอุ่นขึ้นแล้วนี่สางปาไม่มีหมอแก้พิษที่ไหนในโลกนี้อีกแล้วที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าเองแงซายกล่าวออกมาจากใจจริงมองดูสางปาด้วยความหมายลึกซึ้งเกินกว่าที่ไอคนถูกมองจะเข้าใจอะไรได้นอกจากจะสยายอวดขี้ฟันยิ้มออกมาอย่างชอบใจ เองน่ะควรจะรู้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ครั้งที่ข้าช่วยชีวิตเองยังเดียวกับที่ข้ากําลังช่วยพรานใหญ่อยู่นี่แต่ถ้าเองไม่มาบอกข้าว่าไอ้หกขามันกัดพรานใหญ่แลวไม่จับตัวไอ้หกขาไม่ข้าด้วยข้าก็จนปัญญาไม่รู้จะทํายังไงได้เหมือนกันเพราะกลางค่ากลางคืนอย่างนี้ข้าไม่รู้จะไปค้นหาไอ้หกขาได้ที่ไหนถ้ารอพรุ่งนี้พรานใหญ่ก็คงตายซะก่อนพาวะ เงซ้ยไซเองมันแน่จริงข้าไม่คิดว่าเองจะไม่ตายซ้ำยังมาช่วยพรานใหญ่ได้ทันเวลาซะอีกเงี้ยไซถอนใจเบาๆหยิบชวนปลายของดุนฟืนที่ถูกไฟกินลามออกมาข้างนอกซือกสุมเข้าไปในกองข้ายังไม่ตายง่ายนักรกสางตาจนกว่าข้าจะทำอะไรตามที่ข้าปฏิญาณไว้ได้สำเร็จ ขณะที่กล่าวแผ่วลึกนั้นดวงตาทั้งคู่แปลทอดมือมองเข้าไปในเปลวไฟที่กำลังลุกแลบเรียเป็นรักษมีแสส้มอยู่ในกองอาการเหมือนจะตกอยู่ในผวังสาปาเหลือบตามองนิดนึงแต่ก็ไม่สนใจอะไรมากนักหันไปคว้าบ้องกัญชาคู่ชีพโรยผงใบกัญชาลงไปและเอากิ่งไม้เล็กๆต่อไฟจากในกองมาจุดลนดูดควัน ผ่านน้ำในกระบอกดังครูครูปล่อยให้ผ่านออกมาทางช่องจมูกและขอบปากราวกระโรงสีความสุขสุดยอดในชีวิตของมันอยู่ที่ไอบ้องยอดสเสน่หาบ้องนี้ไม่เคยปราโรมเรื่องใดอีกทั้งสิน้นกระนั้นก็ยังไม่ายจะถามแงาสายว่าแง่าสายและเองปฏิญานอะไรนะปฏิญาณไว้ว่าจะทำอะไรสิ่งจำเป็นที่สุด ในการเกิดมาเป็นตัวข้าไง ấy. สิ่งที่สาบานไว้กับวิญญาณพ่อแม่ของข้าเองไงเสียงนั้นกร้าวเฉียบดุดันขึ้นแต่แล้วก็ลดลงมาเป็นความแผ่วเบาตามเดิมเอื้อมือมาตบไหลอันผอมบางของสางปาสางปาทุกคนที่รวมชีวิตอยู่ด้วยกันนี่ล้วนมีจุดหมายปลายทางแห่งชีวิตและความหวังทั้งสิ้น คณะเจ้านายไปตามน้องชายที่หายสาบสูญพวกเขาจะค้นพบหรือไม่ก็ตามสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องกลับคืนถิ่นของเขาพรานใหญ่ก็คงต้องกลับไปทำงานอยู่ที่หนองน้ำแห้งพร้อมคนของเขาขยินจะกลับไปปกครองลมช้างส่วนนายแหมมก็ต้องกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนแล้วเองละ่ะอะไรคือความหวังอะไรคือจุดหมายปลายทาง สมมุติว่าการเดินทางครั้งนี้เสร็จสิ้นลงแล้วเจ้าสังปลาคู่บุญของมาเรียนั่งกอดเขา่ากระพริบตาปริบ ป, ปรปิมองหน้าแงสายแล้วมือกุมหัวในที่สุดก็สั่นหน้าไม่รู้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรเพื่อใครข้ามาคนหัวเดียวก็เเรียมลีบไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือลูกเมียแต่ สางปลาหันไปมองทางมาเรียฮอฟมันซึ่งนอนตะแคงสงบนิ่งอยู่ด้วยสายตาจงรักพักดีแต่นายแมมน่ะเหมือนแม่ข้าวะนายแมมคงจะไม่ทอดทิ้งค่าคงเอาข้าไปรับใช้ด้วยไม่ว่านายแมมจะไปไหนแงสายยิ้มมองดูเจ้าเกลือชาวป่าอย่างสงสารในความซื่อของมันเป็นไปไม่ได้หรอกสางปาเองน่ะเป็นคนป่า นายแมมของเองน่ะเป็นคนเมืองและเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีก็ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นที่คนป่าอย่างเองกับคนเมืองอย่างนายแมมจะคบหาสมาคมเป็นเพื่อนตายกันได้แต่เมื่อถึงเวลาต่างคนก็ต่างไปเองย่อมไปตามทางของเองและนายแมมก็ไปตามทางของนายแมมน้ำกับน้ำมันนะ่ะมันผสมคลุกคล้กันไม่ได้รอกมันแบ่งแยกเขตกันอยู่ แม้จะเทใส่กระบอกเดียวกันก็ตามนายแม่มน่ะต่อให้รักเองเหมือนลูกสักขนาดไหนก็คงไม่ยอมเป็นภาระหอบหิวเองกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนด้วยและถึงจะได้เองก็คงทนอยู่ไม่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดไปจากธรรมชาติเดิมของเองอย่างนั้นที่เองพูดมันก็จริงแง่ทรายแต่ข้าไม่คานึงถึงหรอกวาระสุดท้ายข้าก็อยู่กับไอบ้บองกัญชาของข้านี่แล้ววะ ทุกปลาทุกเขาข้าก็อยู่ของข้าได้คนเดียวไม่เคยต้องพึ่งพาใสายใครนี่วะข้ารักน้ำใจเองสางปลาในเห็นว่าเองคนเดียวเท่านั้นแะที่ไม่มีจุดหมายปลายทางชีวิตเพราะฉะนั้นแง่สายเว้นระยะไปนิดหนึ่งจ้องหน้าแล้วกล่าวต่อมาอย่างแผ่วเบาแต่ชัดเจนว่าเองไปอยู่กับข้าไหม สังปลาเหลือบสุดตาอีกครั้งปากยังจอติดบ้องกัญชาเองจะไปอยู่ไหนล่ะแง่าสายแง่าสายยิ้มละไมยอยู่ในหน้านั่นนะมันไม่เป็นปัญหาหรอกแง่าสายข้าไปทิศเหนือเองก็ไปทิศเหนือกับข้าหรือข้าวกลงใต้เองก็ลงใต้กับข้าด้วยข้าอยู่ไหนเองก็อยู่นั่นสุขเราก็สุขด้วยกัน เราก็ทุกข์ร่วมกันข้าไม่รู้เรื่องที่เองพูดวะและข้าก็ยังไม่รู้ว่าเองจะไปอยู่ที่ไหนยังไงถึงชวนเข้าไปร่วมกับเองด้วยเองคิดจะแยกกับคณะเจ้านายเหรอแน่นอนสางป่าแต่คงไม่ใช่เดี๋ยวนี้หรอกข้าบอกเองแล้วนี่วะเมื่อการเดินทางครั้งนี้ถึงที่สิส้นสุดของมันทุกคนก็ย่อมจะแยกจากกันไปเราทั้งหมดสิบสองชีวิต คงไม่ได้มาร่วมกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกแง่ท า, ายข้าได้ยินกิติศัพท์ของเองมานานพอสมควรนะเองนะมันคนแเนจรได้ร่อนไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอือแง่ท า, ายก้มศีรษะลงถูกต้องตามที่เองได้ยินมาข้าเป็นคนแพ น, นจรแต่มันไม่ตลอดไปหรอกข้ามีจุดมุ่งหมายในชีวิตของข้าเหมือนเขาอื่นเหมือนกัน นั่นในบรรดาพวกเราทั้งหมดที่ร่วมกันอยู่นี้ทุกคนก็คงมีหนทางของตัวเองอยู่แล้วเหลือแต่เองเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ข้าห่วงจึงอยากจะชวนเองให้ไปอยู่กับข้าซะไม่ว่าข้าจะอยู่ที่ไหนภายหลังจากตรึกตรองอยู่นานสางตาก็ยิงฟันแล้ ว, ว่าไงทร า, ายข้าข็รักเองมากอยู่แต่อย่าเพิ่งข้ารับปากกับเองซะเดี๋ยวนี้ก่อนเลย เอาไว้เวลานั้นมาถึงซะก่อนแล้วข้าจะขออนุญาตนายแหม่มไปหรือว่าอยู่กับเองจอมพเนจรตบที่ไหลสางปาหนักหน่วงพร้อมกับพยักหน้ายิ้มตกลงสางปาเอาไว้ถึงเวลานั้นซะก่อนแต่ขอให้รู้ไว้เถอะนะว่าข้าจะไม่ชวนเองไปอยู่กับข้าในขณะที่คณะพวกเราทุกคนยังต้องการเองอยู่หรอกข้าหมายถึงว่า ทุกคนหมดเรื่องที่จะใช้เองแล้วเท่านั้นข้าไม่ได้มาชักชวนให้เองหลบหนีหรือว่าแตกแยกออกไปข้าน่ะเป็นคนโง่น่ทายแต่ถึงข้าจะโง่ยังไงข้าก็ยังอดคิดไม่ได้นะว่าเองน่ะเป็นคนลึกลับที่สุดเองไม่ได้เป็นกะเรี่ยงไม่ได้เป็นชาวเขาอย่างพวกข้าทั้งหลายแล้วข้าก็ไม่รู้ว่าเองเป็นคนเผ่าใด ถูกต้องสางปลาข้าเป็นคนลึกลับไม่มีใครรู้หรอกว่าข้าเป็นใครหรือเป็นชนเผ่าไหนแต่เมื่อถึงเวลาเองและทุกคนจะรู้เองมันคงอีกไม่นานนักหรอกข้าขอถามเองมั่งได้ไหมแงาทรายถ้าการเดินทางสิ้นสุดลงทุกคนกลับหมดเองจะร่วมทางกลับด้วยไหม เงยาสายสันสีสักคงยิ้มเยือกครึมอยู่เช่นนั้นตอบเชื่มช้าว่าข้าจะไม่กลับไปอีกแล้วสั่งป่าทำไมล่ะแล้วเองจะรู้เหตุผลเองทีหลังแต่ขอให้เชื่อนะว่าข้าไม่ได้หักหลังหรือทอรอยต์ต่อทุกคนและทุกคนจะต้องเห็นใจข้ายินยอมให้ข้าแยกทางไป นี่เองจะทิ้งพวกเราทุกคนทีเดียวเหรอไม่เรียกว่าทิ้งหรอกสางปาเพราะเมื่อเวลานั้นมาถึงย่อมเป็นเวลาแห่งความสันติสุขราบรื่นแล้วไม่มีพยันตรายใดๆเกิดขึ้นแก่ใครทั้งสิ้นคนอื่นต่างหากที่จะเป็นฝ่ายจากข้าไปไม่ใช่ข้าเป็นฝ่ายจากวันเวลานั่นแหละที่ข้าต้องการตัวเองไว้อย่างน้อยที่สุด ก็เอาไว้ดูต่างหน้าพวกเราคนอื่นทุกคนที่ข้าไม่มีโอกาสได้พบเห็นอีกแล้วสาวปานิ่งฟังสมองของมันทางานไม่ได้ไกลนักแล้วก็ว่าถ้าข้าเป็นเองนะข้าจะกลับไปอยู่กับพรานใหญ่ระพินถึงข้าจะรักพรานใหญ่หรือพรานใหญ่จะรักข้าสักเพียงไหนนะแต่เสือสองตัวก็อยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้รอกสางปา เว้นแต่ช่วขณะที่มีความจำเป็นต้องมาร่วมกันเท่านั้นข้อนี้พรานใหญ่ระพินเองก็ย่อมตระหนักดีกล่าวดังนั้นแล้วเงซสายก็ลุกขึ้นยืนเต็มตัวบิดกายอย่างเมื่อยขบขณะนั้นมีเสียงห้าวต่ำดังมาจากแท่นที่นอนของวายาจอมวานอนเจ้ากระยิงฉุมงามตัวปริศนาลึกลับที่สุดของคณะเดินทางเลียวกลับไปดู เห็นประมุกแห่งนครลิงผงกชันศีรษะขึ้นกำลังจ้องมองด้วยตาเบิกวาวมาก่อนแล้วพอสุตาก็ยกมือขึ้นโบกกวักเรียกแง่าสายเคลื่อนเข้าไปหาจนชิดแท่นทอดสายตายแห่งความเป็นมิตรอันการุนจับอยู่ที่ใบหน้าของวายาอย่างสงบลางยิ้มให้ข้าเพิ่งจะรู้ว่าเจ้ายังไม่ตายแง่สาย ข้าดีใจมากพระเจ้ากรุงขีดขินพูดนี่ตลอดเวลาเจ้าไม่ได้นอนหลับเลยเหรอวายาข้านอนหลับแต่ข้าเพิ่งตื่นมาเดี๋ยวนี้เองแล้วเจ้ารู้ได้ยังไงว่าข้ายังไม่ตายมาหาฤาษีโกนธัญญะบอกข้าทางดนจิต ข้ามองเห็นเหตุการณ์โดยตลอดแล้วว่าเจ้ารอดมาได้อย่างไรและกลับมาช่วยคนที่มีบุญคุณคนที่เจ้าหวังจะต้องพึ่งพาเขาต่อไปในอนาคตเช่นไรวายาเจ้ารู้เหรอว่าข้าจะต้องพึ่งพาเขาในอนาคตอีกต่อไปทำไมข้าจะไม่รู้ หรือสีโกนธัญญะบอกข้าแล้วว่าแท้จริงนะเจ้าคือใครติดตามมากับคณะนี้ด้วยวัตถุประสงค์เช่นไรและอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกลน้นี้ถ้าเช่นนั้นก็หุบตากของเจ้าไว้ก่อนเถอะนะในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวข้าแงสายกระซิบว่ายาพยายามจะยันกายขึ้นนั่งอย่างยากเย็น แง่ทายเข้ามาประคองร่างกายอันใหญ่โตนั้นให้เลื่อนขึ้นนั่งพิงผนังหินถนัดขึ้นต่างมองหน้ากันเงียบไปขณะใหญ่จะมานอนจึงเอ่ยขึ้นจากสีหน้าอันตายด้านว่าฤาษีโกนธัญญะสั่งสอนข้าไว้นานแล้วว่าจงอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่จงทำในสิ่ง ที่ควรกระทาเจ้าเป็นสิทธิ์ที่ประเสริฐสุดของฤาษีโกนธัญญะแงาสายเจ้าและพวกเจ้าทุกคนมีบุญคุณอยู่เหนือตัวข้าและลิงทุกตัวแห่งภูเขา น, า, านิลกานีจนสุดที่ข้าจะตอบแทนได้จึงขอเตือนว่า สิ่งที่เจ้ามุ่งหวังไว้นั้นมันยากยากเหลือประมาณข้ารู้ตัวดีว่ายากแต่ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงข้าได้เว้นไว้แต่ข้าจะตายซะก่อนเท่านั้นแงซายอย่าลืมนะว่าเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นริงอยู่อีกสิบเอ็ดคน ภายใต้การตัดสินใจของพราญใหญ่และนายใหญ่จะยืนหยัดเคียงข้างเป็นเพื่อนร่วมตายกับเจ้าในเวลาสำคัญมาถึงแต่กําลังคนเพียงสิบสองคนกับอาวุธอันเป็นกระบอกสายฟ้าเพียงไม่กี่อันจะรับมือทหารทั้งอาณาจักรได้ทีเดียวหรือแงสายยิ้มเหี้ยมเกรียมตาเป็นประกายวาวกล้า กับใจมากวายาในคำเตือนของเจ้าเจ้าย่อมเป็นเสมือนสื่อกลางที่ถ่ายทอดเจตนาและคำตักเตือนอันการณุณของฤาษีโกลธัญญามาสู่ข้าอย่างน้อยที่สุดคำพูดของเจ้าก็ทำให้ข้าได้แน่ใจแล้วว่าพรานใหญ่ระพินกับคณะเจ้านายทุกคนจะไม่ทอดทิ้งข้าเมื่อเวลาสำคัญมาถึงซึ่งข้าก็หวังไวเช่นนั้น ข้ามีความมั่นใจอยู่สองประการวายาประการแรกคือสมองและปัญญาแง่ทายชี้ไปที่ศีรษะตนเองกล่าวอย่างหนักแน่นเฉียบขาดประการที่สองคือธรรมะประพฤติอันเป็นอำนาจจากสวรรค์เบื้องบนข้าเป็นฝ่ายธรรมะเป็นฝ่ายสุจริตสวรรค์ย่อมไม่เข้าข้างคนผิดคนทรยศทรราช ใครชนะจะต้องเป็นของข้าในที่สุดข้าไม่ได้มักใจไฟสูงต่อราชบัลลังก์ซึ่งอันที่จริงก็เป็นสมบัติอันชอบธรรมของข้าแต่ข้ากลับไปเพื่อจะแก้แค้นแทนวิญญาณของพระชนกชุนันทีของข้าตามที่ข้าได้สาบานไว้เพื่อปลดแอดอาณาประชาราชที่ถูกกดขี่ข่มเหงจากทรราชซึ่งครอบครองอยู่ในขณะ น, นี้นักตะแผ่นดินได้ผลัดราชวงศ์ เพราะไอ้คนขบดคิดคดแง่ทรายเจ้าเป็นลูกผู้ชายที่เกิดมาไม่สีชาติเกิดวายากล่าวขณะที่เอื้อมือมาจับแขนแง่ทรายไว้เมื่อเจ้ามีความมุ่งมั่นแน่นอนแล้วเช่นนี้ข้าวายาก็ขอสนับสนุนและเอาใจช่วยแต่ข้าก็จนใจนะัก ที่ต้องมานอนเจ็บอยู่เช่นนี้อีกประการหนึ่งเพศพันธุ์ของข้าธรรมชาติแห่งข้าก็ไม่อาจจะเข้ากับพันธุ์มนุษย์ของฝ่ายเจ้าได้สนิทนักที่ข้าสามารถพูดจาทำความเข้าใจกับเจ้าได้อยู่ในขณะนี้ก็เพราะสะพานสายใยติดต่อซึ่งมหาฤาษีโกนทั ญ, ญะ ต่อเชื่อมให้เท่านั้นถ้าฤาษีกนธัญญาตัดสายเชื่อมโยงนี้ออกเมื่อใดข้าก็มองเห็นพวกเจ้าทั้งหลายเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเท่าเท่ากับที่พวกเจ้าก็เห็นว่าข้าเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งเช่นกันแต่ถึงอย่างไรสัญชาตญาณแห่งความเป็นมิตรที่จะต้องช่วยเหลือก็คงไม่เสื่อมคลายไปจากจิตใจของวาจาได้ วายาเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายใจไปหรอกจงอยู่ตามธรรมชาติเดิมของเจ้าและพยายามรักษาตัวให้หายดีเป็นสุขอยู่กับสภาพเถอนะวายาข้าไม่ปรารถนาจะต้องให้เจ้ามาเดือดร้อนใดๆกับข้าด้วยทั้งสิ้นแง่ใาายในที่สุดวายาพูดอย่างฉับฉานชัดเจนและหนักแน่นในความหมายสิ่งที่ข้าจะแนะนาเจ้าได้ ก็คือในวาระสุดท้ายที่เจ้าเข้าตาจนจงอย่าลืมฤาษีโกนทัญะซสะภาวนาระลึกถึงท่านวิงบอลท่านให้เข้าสิงสู่ดลใจวายาสั่งให้วายานำกองทัพลิงแห่งภูเขานิลการแห่งนี้ไปช่วยเจ้าถ้าปราศจากคำสั่งของท่านแล้ววายาและลิงธรโมนทุกตัวที่นี่ จะทำอะไรไม่ได้เลยข้าหวังไว้ว่าข้าจะต้องไปช่วยเจ้าได้อย่างแน่นอนโดยคำสั่งของโกนทัญญะมุนีแงซายบีฝ่ามืออันหยาบกระด้างใหญ่โตของวายาแน่นกระชับวายาขอบใจเจ้าอีกครั้งนะขอบใจมากๆข้าจะไม่ลืมในสิ่งที่เจ้าพูดไว้ในคืนนี้เลย สิ่งอื่นข้าไม่ขอร้องเจ้าหรอกมีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะขอบอกมาเถอะแงซายบอกมาสิ่งใดที่เจ้าต้องการจากข้าเจ้ารู้เห็นอันใดเกี่ยวกับตั ว, ตวข้าก็ขอให้ปิดงาไว้อย่าแพร่งพรายให้พวกข้าทุกคนรู้จะได้ไหมนี่เจ้าปิดบังเข้ามาตลอดหรือ ว่าเจ้าคือจักรราษแห่งมรกฏนครก็เป็นการสมควระที่พวกเขาจะต้องรู้ก่อนเวลาอันควรมันไม่ยังประโยชน์อันใดขึ้นมาเลยนะวายาวายาเสยยิ้มแล้วก้มหัวลงบีบมือตอบอย่า ก, กังวลในข้อนั้นไปเลยแง่ทายถึงเจ้าจะไม่ขอร้องค่ะ หรือสีโกนธัญญะก็สั่งข้าไว้แล้วไม่ให้พูดอะไรเกี่ยวกับพวกเจ้าให้พวกของเจ้ารู้ว่าแต่เจ้าคิดเหรอว่าเจ้าจะค้นหาทางเข้ามรกตนครแผ่นดินของเจ้าได้ข้าต้องพยายามวายาหรือสีโกนธัญญาบอกเส้นทางให้แกเจ้าบ้างหรือไม่ละ่ะ ท่านไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าข้าจะอ้อนวอนท่านซักเพียงใดแต่ข้ามั่นใจว่าข้าจะต้องค้นหาได้เองว่าแต่เจ้าเถะวายาเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในที่นี้เจ้าเคยผ่านล้ำแดนเข้าไปยังแผ่นดินเดิมของข้ามาก่อนบ้างหรือไม่โดยสัตว์จริงแง่สายข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีนครแห่งมนุษยชาต แอบแฝงซ่อนอยู่แถบยอดเขาพระศิวะทั้งที่ข้าก็ครองความเป็นใหญ่อยู่ในแถบตินเขาพระศิวะมานานหนกข้าเพิ่งจะมารู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเจ้าและอาณาจักรแห่งเจ้าในช่วงที่ข้าหลับและตื่นขึ้นมานี่เองรอสีโกนทัญญะบอกข้าว่าดินแดนนั้น เป็นดินแดนในเขตปกปิดของเทพเจ้าเบื้องบนยากนักที่ชีวิตใดจะผ่านเข้าหรือออกได้นอกจากจะเป็นบรรชาจากสวรรค์แต่พระชนนีของข้าก็ได้เคยนำข้าเล็ดลอดสมซานหนีออกมาได้ในขณะที่แผ่นดินกำลังนองเลือดราชบัลังถูกพลิกโค้นและพระชนกของข้า ถูกปรงพระชนขณะนั้นข้ายังเป็นทารกเยาว์วัยนักแต่บัดนี้ข้าเติบใหญ่แล้วหวนกลับมาอีกครั้งเทพเจ้าเบื้องบนก็ควรจะต้องเปิดทางให้แก่ข้าเช่นนั้นมิใช่หรือเงาทายเจ้าเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมของบรรลังมรกฎนครฉะนั้นเจ้าก็ควรจะหวนกลับ ไปสุราชบรรลังของเจ้าแต่นั่นแหละเจ้าจะต้องตะลุยไปบนซากศพและทะเลเลือดแผ่นดินมรกตนาครจะลุกเป็นไฟอีกครั้งเสียงนั้นผ่านออกมาจากริมฝีปากของวายาจอมวานอนแต่เงาทายสดับฟังคล้ายจะเป็นเสียงของโกนทัญญมุนีผู้ทรงศสีลอยู่เหนือหน้าผาขึ้นไป ทำให้ต้องยืนตะลึงจังงังนิ่งระพินไพรวันพยายามจะเปิดเปลือกตาขึ้นแต่รู้สึกหนังตาหนักอึ้งไปหมดเขาพยายามอยู่นานมันยากเย็นเหลือประมาณเอ๊ะนี่ตัวเราเป็นอะไรไปคำถามผ่านขึ้นสมองแขนขาก็อ่อนเปรี้ยกหมดเรี่ยวแรงดูจะกระดิกกระเดี้ยวไม่ได้ลําคอแห้งผากเป็นผง ขณะนั้นโสดก็แวววเสียงเบาๆดังขึ้นใกล้ๆตัวว่ารู้สึกตัวแล้วต่อจากนั้นก็มีเสียงเรียกนามเขาอยู่เบาๆริมหูกายถูกจับต้องและเขยา่าใบหน้าสัมผัสกับผ้าอ่อนๆที่เปียกชื้นด้วยไออุ่นประครบไปทั่วในที่สุดของความพยายามเขาก็เผยม่านตาขึ้นมาได้ครั้งแรกมันพร่ามัวไปหมด ครูใหญ่ต่อมาจึงแลเห็นใบหน้าเป็นดวงๆแวดล้อมอยู่รอบกายยังไม่สามารถจะจำได้ว่าใครเป็นใครหูก็ยังแววเสียงเรียกชื่ออยู่เช่นนั้นเป็นสำเนียงกระซิบอ่อนหวานจำได้อย่างกระจ่างใจจากเสียงนั้นไม่ดอกฟ้าดารินของใครก็ไม่รู้แต่เป็นที่เฝ้าละเมอฝันเพียงเดียวใดของหัวใจตนเองอย่างมิได้ปองหวัง ระพินคุณหญิงได้ยินเสียงหัวใจของตนเองร้องไปเช่นนี้แล้วก็รู้สึกถึงฝ่ามือนุ่มอบอุ่นที่ประคองมาที่ใบหน้าพลิกเขย่าไปมาเบาๆเขาก็เริ่มจะแลเห็นดวงหน้าที่ก้มลงมาใกล้ที่สุดนั้นเป็นภาพค่อยๆแจ่มชัดขึ้นเป็นลำดับดารินวราริศ คนที่กำลังฝันบกบนถึงจริงๆนั่นแหละนี่เขาตายไปแล้วแต่แลเห็นหลอนโดยทางจิตวิญญาณหรืออย่างไรจ้องนิ่งไปที่ดวงหน้านั้นต่อมาก็แลละไปตามลำดับของแต่ละใบหน้าที่ชะโงกล้อมงดูอยู่คุณชายเชิฐถาคุณชายยันมารียฮอฟมันแม่ตาสีดอกผักตบแล้วก็ห่างออกไปนั่น คือเหล่าพรานพื้นเมืองคู่ชีพของเขาทั้งหลายซึ่งเป็นผ้า พ, พร่ามัวออกไปเป็นลำดับแสงแห่งที่วาการอันกระจ่างแจ้มศาชัดให้เห็นทางปากท่ำและกระจายรัศมีเข้ามาถึงปากเพิงที่ร่างกายนอนอยู่ในขณะนี้ไม่มีซอกมุมใดสลัวอยากจะอ้าปากทักทายหรือพูดอะไรออกไปแต่อนิจจา หลอดเสียงมันดูจะตีปันไปหมดเขาไม่มีเสียงที่ผ่านจากลำคอออกมาได้เลยใครคนหนึ่งไม่ทราบอาจเป็นช้ยยันหรือมิฉะนั้นก็เชษดฐาประคองช้อนศีรษะให้สูงขึ้นมาเรียส่งอะไรชนิดหนึ่งข้ามไหลามาให้หมอดารินผู้ซึ่งรับมาแล้วบรรจงจ่อให้ที่ริมฝีปากเขาหูก็แวววเสียงเบาหวานบอกว่า ดื่มซะระพินอย่าเพิ่งพยายามพูดอะไรทั้งสิ้นนะถ้าคุณยังพูดไม่ได้เขาอาปากรับกับขอบถ้วยนั้นสัมผัสกับลิ้นและมานและผ่านลำคอโดยของเหลวที่ไหลเข้าไปก็บอกได้ทันทีว่ามันคือนมวัวนมสดๆดที่ยังอุ่นอยู่ระลาดแท้คนเหล่านี้ไปเอานมวัวได้มาจากไหน ถามกลางพงไพรอันแสนจะ ก, กันดาลซึ่งยากแค้นขาดแคลนในด้านอาหารกันมานานแล้วเพียงสองสามอึกก็สำลักดารินก็ถอนถ้วยพลาสติกออกไปในทันทีนั้นโดยไม่ฝืนมีเสียงพูดจาปรึกษาอะไรกันอยู่ใกล้ๆพึพรรมพำอยู่ตลอดเวลาฟังไม่ได้สักตาของเขาก็โรยรีปิดหลับลงไปอีก ในขณะที่ประสาทสัมผัสและความรู้สึกเริ่มจะกระจ่างชัดขึ้นพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเองเรอนี่เขาเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่าเพิ่งรบกวนอะไรเขาเลยค่ะพี่ใหญ่รู้สึกว่าจะอิดโรยมากค่ะเสียงหมอมราชวงศ์สาวสวยเทพธิดาในดวงใจคนนั้นพูดดีเหมือนกัน รู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาได้ก็บุญที่สุดแล้วเอาละปล่อยให้เขานอนพักต่อไปก่อนมียาอะไรที่จะกระตุ้นทางประสาทหรือบำรุงหัวใจบ้างไหมน้อยรู้สึกว่าเขาสลึมสลือไม่ค่อยจะได้สตินักนั่นเป็นเสียงชัยยันและมาเรียก็สอดมาว่าแต่ฉันคิดว่าอย่าเพิ่งโดบอะไรเข้าไปตอนนี้จะดีกว่าลมะมั้งปล่อยเขานอนพักตามสบายเป็นดีที่สุด ฉันผสมยาลงไปในนมวัวป่าที่นีลาไปรีดมาให้นี่แล้วละ่ะเชื่อว่าอีกสักครู่ก็คงจะดีขึ้นกระพินไพรวันได้ยินชัดเจนและจำเสียงพูดได้ดีหมดทุกคนเพียงแต่เขายังไม่สามารถจะทำอะไรได้อย่างที่ใจคิดเท่านั้นระยะนี้เป็นระยะที่เขาพยายามลำดับภาพถามตัวเองเหตุการณ์ถูกเรียกร้องเข้ามาสู่ความทรงจา เป็นลำดับเมื่อเซนในสมองเริ่มทำงานขึ้นทีละน้อยเหมือนละอองหมอกที่ค่อยๆระเหยเมื่อแสงตะวันสาดส่องลงมาเวลาผ่านไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้แต่แขนขาเริ่มมีกำลังขึ้นความหนาวเหน็บจนชาเริ่มจะแปลเป็นความอบอุ่นลมหายใจที่ติดขัดเริ่มจะสะดวกเมื่อนั้น ระพินจึงลืมตาขึ้นอีกครั้งและพยายามจะพงงกศีษะขึ้นมองแต่อีกหลายคนก็เข้ามาประคองยึดตัวไวคราวนี้แลเห็นชัดเจนที่สุดทุกคนที่แวดล้อมอยู่นั้นหลายเสียงช่วยกันเรียกนามเขาอีกในขณะที่จ้องมาเป็นตาเดียวทุกสายตาแสดงความปีติปรามโมชใจเหลือที่จะกล่าวใครสักคนก็ได้ช่วยบอกผมหน่อย เขาได้ยินเสียงตนเองพูดออกมาเป็นท่อยคำประโยคแรกชนิดที่แทบจะจำเสียงตนเองไม่ได้ผมเป็นอะไรไปนี่ชยันหัวเราะเบาๆเอื้อมมือมาจับไหล่เขาไว้บีบแน่นกระชับแล้วว่าคุณก็ล้มยังไงล่ะผู้กองล้มตึงใหญ่ทีเดียวเหมือนๆกับที่ผมเองเชิดถา และใครต่อใครในบรรดาพวกเราได้เคยล้มขาบเส้นตายมาแล้วไงต่อไปนี้เราเห็นจะไม่เสียเปรียบกันละขนาดพรานใหญ่เจ้าป่ายังคุณก็เกือบตายจากพิษภัยของป่าได้เหมือนกันเป็นแต่พวกผมข้างเดียวเมื่อไหร่ผมล้มรับพินทวนคำงงงเอ๊ะแล้วผมล้มตอนไหนเมื่อไหร่กันล่ะครับ ล้มไปฟาดกับอะไรแล้วหมดสติเหรอครับนี่ชายันเ้าไม่ได้หมายความว่าคุณล้มไปฟาดกับอะไรรอกระพินแต่คำว่าล้มของเขานนะาหมายถึงเกือบตายยังไงละ่ะนี่คุณจำเหตุการณ์ครั้งสุดท้ายของตนเองไม่ได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเชษฐาตอบใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสก็เราทั้งหมด เดินกลับมาถึงถ้มที่พักของวายาน่กระพินพูดช้าๆขมวดคิ้วพยายามจะเหลียวไปรอบๆแต่ก็มองไม่เห็นอะไรถนัดนักเพราะพักพวกที่มุงล้อมอยู่ตอนนั้นผมรู้สึกหนาวสัน่นเหมือนจะจับไข้จึงนั่งลงและต่อจากนั้นถูกแล้วครับต่อจากนั้นผมก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเลย คุณถูกแมงมุมหกขากัดกระพินเกือบตายรู้ไหมพอลงนอนคุณก็หมดสติไปเลยเพิ่งจะมาฟื้นรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้แหละหมอดารินบอกผมเหรอครับถูกแมงมุมหกขากัดเขาร้องเบิกตากว้างเป็นไปได้ยังไงกันเท่าที่ผมจําได้ผมยังไม่ได้ถูกอะไรกัดทั้งนั้นแหละมันกัดโดยคุณไม่รู้สึกตัว ตรงบริเวณที่ต้นไม้ใหญ่ล้มฟาดลงมาขณาดที่เจ้าไซเทราท็อปล่นชนนั่นแหละพอกลับมาถึงถ้ำก็หมดสติไปเลยรอดขึ้นมาได้ครั้งนี้ก็เพราะยาของสางปาเหมือนเหมือนกะราวที่แงาซายเคยรอดมานั่นแหละมารีช่วยอธิบายมาอีกคนพรานใหญ่มืนงงไปหมดขยับตัวขึ้นนั่งตรงแล้วพยายามมองสำรวจไปทั่วกาย เชษฐาก็ชี้บอกให้ตรงตำแหน่งที่ถูกกัดเขาจึงเอื้อมมือไปลูบครัมพร้อมกับครางออกมาโอ้นี่ไปยังไงมาไงผมไม่รู้สึกตัวเอาเลยนะครั้งแรกที่เริ่มรู้สึกตัวขึ้นมานี่ผมพยายามจะถามตัวเองว่านี่ผมเป็นอะไรจะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหนักผมก็ไม่เคยเป็นถึงขนาดนี้มาก่อนหรือจะได้รับอันตรายจากอะไรผมก็มองไม่เห็นวิแววสักนิด ว่าผมโดนอะไรเข้านี่อย่าเพิ่งสนใจถึงเรื่องอื่นเลยระพินว่าแต่ตอนนี้นะรู้สึกเป็นยังไงมั่งเชษฐาถามสีหน้าและแววตาของทุกคนที่แวดล้อมอยู่ยามนี้แสดงถึงความรักห่วงใยและยินดีตื่นเต้นกันทั่วทุกคนที่เห็นก็ฟื้นขึ้นมาตอนนี้ก็ไม่รู้สึกอะไรมากไปกว่าเพลียเท่านั้นแหะครับคุณชายและนี่เวลาเท่าไหร่แล้วล่ะครับ มันล่วงเลยมานานสักเท่าไหร่แล้วจากเวลาที่เกิดเหตุนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันราวๆสองนาฬิกาของเมื่อคืนแต่เดี๋ยวนี้นะ่ะเกือบบ่ายโมงของวันรุ่งขึ้นแล้วละ่ะคุณนอนหมดสติไปราวๆเก้าชั่วโมงอะ่ะพรานใหญ่ร้องอะไรในลำคอออกมาอีกครั้งตั้งท่าจะลุกขึ้นแต่ดารินกดไหลไว้นี่ อย่าเพิ่งออกแรงอะไรก่อนตอนนี้เลยระพินคุณเพิ่งจะงโงหัวขึ้นได้เท่านั้นนะวันนี้ะคุณควรจะนอนนิ่งอยู่กับที่ทั้งวันขอยรู้ไว้ด้วยว่าครั้งนี้นะ่ะเป็นครั้งที่หนักที่สุดในชีวิตของคุณนับตั้งแต่ออกเดินทางมานะชายันผู้ถูกแล้วคุณล้มดังโครมทีเดียวล้มอย่างเช่นิีที่ฉันเองก็ไม่คิดว่าคุณจะลุกขึ้นมาได้อีกแล้วตลอดไปนี่ทาไมมีสังปลามอนตายแล้วเกิดใหม่รู้ไหม อ่ะนี่ดื่มใช้หมดดื่มไม่หมดนี่แหละพร้อมกับพูดหมอดารินส่งถ้วยนมมาให้อีกครั้งหนึง่งพยายามจะป้อนให้แต่รพินเอื้อมือไปรับขึ้นมาดูด้วยความประหลาดใจคลามนันมนีไม่ไปได้มาจากไหนนะครับวัวป่าไงนีลากับบริวารของวายาเขาไปหามาให้อย่าเพิ่งมีปัญหาอะไรนักเลยตอนเนี้ย หน้าที่ของคุณก็คือปฏิบัติตามคําสั่งของหมอเมื่อคุณสบายกว่านี้คุณจะรู้เองว่าเมืองขีดขินที่เราเข้ามาเป็นแขกเมืองชั่วคราวนี่อุดมสมบูรณ์ดีที่สุดอาหารการกินทุกชนิดมีพร้อมเพรียงเกือบจะเท่าเๆกับเมืองมนุษย์และชาวเมืองลิงที่นี่สามารถทําความเข้าใจกับเราได้ดีซะกว่ามนุษย์เผากินคนในนิวกรินียหรือพวกสางเขียวสิวัฒนธรรมการเป็นอยู่ก็ดีกว่ามาก รพินดื่มนมถ้วยนั้นจนหมดตามคำสั่งรู้สึกแช่มชื่นกระปรีก้กระปร่าวขึ้นแต่ก็ยังราหวยโอยแรงอยู่เหมือนคนเพิ่งสั่งไข่ทันใดนั้นความโทมนัสขมคืนก็วิ่งเข้าครอบงำดวงจิตแงซทรายเขาพึงฟ้าออกมาด้วยเสียงแหบเหือดนีม่มีใครไปพลิกขินเอาศพแงซทรายออกมาหรือยังล่ะครับ ในระหว่างที่ผมนอนหมดสติอยู่นี้ทั้งหมดมองตากันยิ้มยิ้มอยู่ในทีรับินจ้องอาการของคนเหล่านั้นด้วยความชงนชะงายใจขีดสุดก่อนที่ความสงสัยของเขาจะคืบหน้าไปอย่างไรท่านหัวหน้าคณะก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงกลงวานว่าระพินคุณฟื้นขึ้นมาครั้งนี้พวกเรามีของขวัญชนิดหนึ่งจะมอบให้กับคุณด้วย เชื่อว่ามันคงทำให้คุณดีใจอย่างที่สุดและจะช่วยคุณหายเป็นปกติโดยเร็วเพื่อการเดินทางต่อไปของเราของขวัญ น, นะครับของขวัญอะไรนะครับเงาทายเข้ามานีสิเชี่ถาหันไปร้องเรียกด้วยเสียงปกติขาดคำทุกคนที่มุงล้อมพรานใหญ่อยู่ก็เปิดทางออก แล้วร่างรา ง, งานของเจ้าคนที่ระพินไพยวันคิดว่าแหลกลานย่อยยับไปแล้วภายใต้ก้อนหินบด ท, ทับก็เคลื่อนเข้ามาอย่างแช่มช้าสุดกายลงคุกเข่าตรงหน้าเอื้อมมือมาจับเข่าระพินไว้พรานใหญ่ตะลึงพึงเพลดิดร้องออกมาเกือบเป็นเสียงตะโกนแงซ้ยเจ้าคู่ปรับสหายศึกของเขายิ้มละไม กลมศีสะต่ำลงนิดนึงเหมือนจะคำนับคาระวะแล้วตอบคำด้วยเสียงอันแจมใสกลางวานว่าครับผมเองครับผู้กองผมแง่ทรายผู้ึ่งผู้กองและทุกคนคิดแต่แรกว่าได้ตายไปแล้วไงครับรพินยหยุดลมหายใจนิ่งไปชั่วขณะจ้องคางเหมือนจะไม่เชื่อสายตาระหว่างนี้เขาไม่อาจเอ่ยคําใดออกมาได้ทั้งสิน้นได้แต่จ้องหน้าแง่ทราย และมองไปยังพักพวกทุกคนที่แวดล้อมอยู่ในขณะ น, นี้สลับกันอยู่ไปมาเชี่ตาอ่านความรู้สึกนั้นออกจึงช่วยทำความกระจ่างให้คุณไม่ได้ฝันไปรอกระพินแง่ทายยังไม่ตายจริงๆเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ปลอดภัยดีที่สุดด้วยคุณเองต่างหากที่ได้รับอันตรายจากเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานี้จนเกือบถึงชีวิต เหตุการณ์มันโอลพ่อกลับตะละปัดไปหมดผมยังไม่เข้าใจครับจอมพรานผู้เพิ่งฟื้นคลางออกมาสีหน้าของเขาในยามนี้ไม่มีใครบรรยายถูกมันเต็มไปได้วยความตื่นงงสับสนโอลมานไปหมดแต่เหนือกว่าอื่นใดทั้งปวงมีแววความตื่นเต้นยินดีประกาศชัดออกมาจากสีหน้าและแววตาจนปิดบังไม่ได้เอื้อมมือไปขยุมไลแง่ซ้ายไว บีบเหมือนจะเคลนให้แหลกไปคามือไม่เข้าใจจริงๆนะแง่ทรายกระรอดตายได้ยังไงถ้าหากว่าสิ่งที่ฉันเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นความจริงแล้วเหตุการณ์เมื่อคืนละมันเป็นฝันร้ายของฉันน่ะเหรอรับความตื่นเต้นอัศจรรย์ใจลงซะก่อนเรอะพินชายันปลอบโยนประเดี๋ยวเราจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณฟังเองว่าแงซายรอดตายมาได้ยังไงขณะนี้แน่ๆก็คือ คุณควรจะยินดีและสบายใจได้แล้วเพราะแงาสายยังมีชีวิตอยู่ร่วมกับเราคำนึงถึงด้านสุขภาพของตัวเองก่อนดีกว่ารพินเม้มริมฝีปากแนมมึนงงไปหมดไม่อาจจะทายเหตุการณ์ใดใดได้ถูกขณะนั้นแงาสายก็ถามว่ายังไม่ต้องห่วงถึงผมหรอกครับผู้กองว่าแต่ผู้กองอตอนนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้าง พรานใหญ่สะบัดหน้าแรงๆแล้วลืมตาขึ้นจ้องแง่ทรายเขม็งนิ่งไปอีกครู่ใหญ่ก็ร้องออกมาว่าไอ้กัลลอนนี่แกออกลูกไม้อะไรหลอกลวงฉันเข้าให้แลวนี่ตุนยันสิอย่างสนิททีเดียวนะพร้อมกับพูดมือหนึ่งรวบหมัดไปที่คองแง่ทรายอีกมือหนึ่ง ง, งางหมัดขึ้นบัดนั้นเองดารินวราฤทธิ์ที่คอยทีอยู่ก่อนแล้ว เพราะนึกขาดการอะไรได้ล่วงหน้าก็ปัดมือคนเจ็บที่เพิ่งจะโงหัวขึ้นมาได้กระเด็นหลุดจากคองแง่ทายไปพร้อมกับร้องเสียงเขียวแน่ๆๆนรับพินแม้พอ ง, งหัวลืมตาขึ้นมาได้ก็อวดเบ่งตามธรรมเนียมเ ก, ะกะ่าๆทีเดียวนะนี่นๆนี่ ì, ขอให้รู้ไว้ด้วยนะถ้าไม่มีแง่ทรายแล้วก็บานนี้พวกเราทำพิธีฝังคุณไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเขาตายคุณก็ต้องตายตามไปด้วยแล้ว โชคดีนะที่แงซายรอดชีวิตได้และจากการรอดชีวิตของแงแงซายนี่แหละเขาถึงได้หวนกลับมาช่วยแฟนใหญ่ขี้เก๊ดผู้ชอบวางอำนาจไว้ได้เมื่อคืนนี้จำเหตุการณ์ได้หรือเปล่าคุณเต็มบริโตศัจจริตและอากาักติไม่ได้ช่วยเหลืออะไรแงซายเลยบ่อยเขาเผชิญหน้าการตารายไปตามลาําพังจนเขาเกือบถึงชีวิตแต่แล้วเขาซะอีกสิที่เป็นฝ่ายช่วยชีวิตคุณ เห็นคนที่ช่วยชีวิตตัวเองไว้ได้แทนที่จะดีใจและขอบใจเาัาอะไรกลับค่มคู่ซอีกเป็นงันไปดารินพูดพลางหัวเราะพลางไม่มีความหมายอะไรในคำพูดนักนอกจากจะแกล้งว่าเล่นๆแงสาสเองก็ไม่มีปฏิกิริยาอื่นใดนอกจากยิ้มพลายธรรมการเหมือนจะยื่นทางไปเ้าต่อยซะด้วยซ้ำทุกคนก็ไม่มีใครตื่นตกใจกับอากับกิริยาของเขาปราะบัดนอ่านกันออกหมดแล้ว ว่าอะไรเป็นอะไรระพินไพรวันนั่งงงไปอีกพักใหญ่ยกมือทั้งสองขึ้นกุมขมับแง่ทรายนี่เป็นอันแน่นอนแล้วใช่ไหมว่าแกไม่ตายไม่ได้เป็นอะไรเลยสักอย่างเจ้าคูปราบหัวเราะยังคงจับเขา่าเขาบีบเบาๆอยู่เช่นนั้นครับผู้กองผมไม่ตายครับเป็นแต่เพียงสะบักสะบอมพอสม ค, ควรเท่านั้นแต่ถึงยังไงก็อยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าผู้กองมากนักละ ไม่ถึงก็ต้องหยอดน้ำข้าต้มอย่างผู้กองในขณะนี้และหางเสียงในตอนท้ายกลางวันยั่วอยู่ในทีระหว่างที่ระพินยังอึ้งแง่สายก็กล่าวต่อมาว่าแต่ผมก็ไม่ได้กระล่อนหรือออกลูกไมห้หลอกดวงอะไรผู้กองอย่างที่พวกผู้กองเข้าใจหรอกนะครับทุกคนเป็นพยายนให้ผมได้เป็นอย่างดีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเหตุการณ์เหลือวิสัยที่ผมจะส่งข่าวให้ผู้กองทราบได้ในขณะนั้นว่าผมยังไม่ตาย เพราะฉะนั้นผู้กองก็เห็นจะต้องปวดหัวงุดหงิดอีกต่อไปในการที่แง่ทรายยังมีชีวิตอยู่แหะครับประโยคสุดท้ายแง่ทรายกระซิบมาเป็นภาษากระเรียงให้เขาได้ยินเพียงสองต่อสองพร้อมกับรีตาให้นิดหนึ่งบัดนั้นหัวใจของรพินไพรวันฉีดแรงแม้เข้าหน้าจะอยู่ในอาการสงบแต่อาการของความปิติปรามโมทก็ยากที่จะซ่อนเร้นได้ จากดวงตาที่สตร์ประกายออกมาในขณะนขนที่มองสำรวจไปตลอดทั้งเรือนกายของเจ้าคู่ปรับเหมือนพยายามจะให้แน่ใจที่สุดแล้วเขาก็ตอบคำมันด้วยท่าที่เฉยเมยเป็นภาษากระเรียงเช่นกันว่าอืมฉันก็เสียใจจริงๆที่แกเสือก็อตายมาได้แงาซายแ น, นี่เป็นครั้งแรกว่ะที่ฉันอ่านรูปการเกี่ยวกับแกบผิดไปนหนักใจ เนซายคงยิ้มอยู่เช่นนั้นคำพูดโต้ตอบของทั้งสองฝ่ายกลายเป็นภาษาที่คณะนายจ้างฟังไม่ออกจึงพากันจ้องมองสภาพคำโต้ตอบนั้นอย่างสงสัยเพราะฉะนั้นก็ควรจะเสียใจสำหรับการมีชีวิตรอดขึ้นมาได้ของตัวผู้กองเองด้วยละครับเพราะถ้าผมตายผู้กองเองก็คงไม่ฟื้นใช่สิฉันเสียใจสาหรับตัวฉันเองเหมือนกัน ที่เสือกรอชีวิตขึ้นมาได้เพื่อต้องทุกข์ยากทำงานหนักต่อไปทั้งๆที่ความจริงยังควรจะหลับสบายไปได้แล้วยอมพรางกระแทกเสียงแงาสายใสยหน้าช้าช่ายังหรอกครับผู้กองผู้กองยังตายไม่ได้หรอกผู้กองจะต้องลำบากตรากตรำในสภาพของการที่เกิดมาเป็นระพินไครวันต่อไปอีกทั้ง11ชีวิตของพวกเรายังต้องการผู้กองนะครับ รวมทั้งแกด้วยงั้นเหละแน่นอนสิครับไม่มีผู้กองระพินสักคนเดียวความหวังของคณะเจ้านายก็คงพินาศรวมทั้งความหวังของแง่ทรายด้วยแกหวังอะไรก็หวังที่จะได้ทรยศหักหลังในบ้านปลายยังไงล่ะทั้งสองฝ่ายประสานสายตากันสนิทนี่ครั้นแล้วก่อนที่จะกล่าวคําใดแกกันต่อไปนั่นเอง ดารินก็ขัดแทรกขึ้นมาทันทีว่านี่นี่นี่สองคนมีความจําเป็นอะไรที่ต้องพูดกันในภาษาที่พวกเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยไซถือผู้ไรกับผู้กองก็ไม่มีอะไรหรอกครับนายหญิงผู้กองกล่าวแสดงความยินดีกับผมที่เห็นผมรอดตายส่วนผมก็บอกถึงความยินดีของผมให้ผู้กองทราบที่เห็นผู้กองฟื้นนะครับตอ่อแหลต้องมีความลักอะไรที่ไม่ต้องการให้เราฟังออกแน่นอน ใช่ไหมระพินแงซ า, ายพูดความจริงครับเราไม่ได้พูดความลับอะไรกันเลยและไม่ได้มีเจตนาจะปิดบังอะไรคณะเจ้านายทั้งสิ้นด้วยละครับเมื่อพูดกับผมตามลําพังน่ะแงซ า, ายมักจะพูดเกรี่ยงผูเมียงก็ติดนิดสัยความเคยชินเช่นนั้นละครับดารินมองหน้าทั้งสองอย่างเท่าทัานนึกรู้ในทันทีว่าทั้งสองฝ่ายต้องมีการประทะคารมกันอีกตามนิสยัยตลอนก็ไม่ติดใจอะไรต่อไป เพราะเห็นว่าไม่สำคัญตระับใดก็ตามเมื่อรู้เช่นเห็นชาติและอย่างซึ่งถึงแกนแท้กลางดวงใจของบุคคลทั้งสองซะล้เชนนี้ต่างคนต่างรอดตายมาได้หยกๆยกย ก, ก็ทำท่าจะปะีนเกลียวกันอีกเลยให้ตายเถอะนี่จะเป็นเด็กเป็นเล็กแล้วก็จะจับหัวก้นเซะทั้งคู่เชียวระพินพวกเราทุกคนมีความรู้สึกเหมือนพระเจ้ามาโปรโดเมื่อเห็นคุณฟื้นขึ้นมา แต่คุณไม่แสดงความยินเดือเลยแม้แต่ น, นิดเดียวที่ฟื้นขึ้นมาแล้วพบว่าแง่ท า, ายที่คุณนึกว่าเขาตายไปแล้วนั้นความจริงเขาไม่ตายหล่อนพูดยิ้มยิ้มเมื่อนั้นทุกคนจึงเห็นดพินไทรวันยิ้มออกมาได้เป็นครั้งแรกแต่ก็เป็นยิ้มบางๆเท่านั้นเขาไม่มองที่แง่ท า, ายอีกแต่แลไปยังพักพวกทุกคนข้าหน้าใสาขึ้นครับคุณหญิง ผมยังไม่ได้แสดงอาการยินดีอะไรขึ้นมาเลยในการที่ตัวเองฟื้นขึ้นมาได้ทั้งที่ควรจะตายไปแล้วเดี๋ยวเมื่อฟื้นแล้วก็ยังได้เห็นแง่ทรายมีชีวิตอยู่ซะอีกบางทีมันอาจเป็นพระจิตใจของผมมันตายด้านและกระด้างเกินไปก็ได้แต่ทุกท่านที่แวดล้อมผมอยู่ในขณะ น, นี้รู้เห็นอะไรได้ดีกว่าผมซึ่งตายไปชั่วขณะจะไม่กรุณน้าให้ผมทราบบ้างทีเดียวหรือครับว่าเรื่องราวทั้งหลายนะั้นมันดําเนินไปยังไง ในระหว่างที่ผมหมดสติไปขณะนี้ผมรู้สึกว่าสบายดีพอสมควรแล้วล่ะครับคณะนายจ้างทั้งหมดช่วยกันเล่าความจริงให้เขาทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยแงซายไม่ได้ปริปากพูดคำใดทั้งสิ้นนอกจากนั่งมองหน้าเขาอยู่เฉยๆภายหลังจากทราบเรื่องราวโดยตลอดจอมพรานก็ระบายลมหายใจยาวเหยียดเหลือบตาไปจับที่แงซายอีกครั้ง ไม่กล่าวอะไรทั้งสิ้นนอกจากเอื้อมมือไปตบที่ไหลแรงๆเพียงครั้งเดียวมันมีความหมายยิ่งกว่าคำพูดแสดงความยินดีใดๆทั้งสิ้นสำหรับคนอย่างเขาและเงาสายแต่หันกลับไปพูดกับคณะนายจ้างในเวลาต่อมาว่าเป็นโชคดีของคณะเรามากครับที่ผ่านพ้นวิกฤตการณ์อันน่ากลัวที่สุดครั้งนี้มาได้ผมรู้สึกคล้ายๆฝันร้ายไปยังนั้นแหละสาหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาคิดๆดูน่ ดวงของพวกเราทั้งสิบสอชีวิตที่ร่วมกันอยู่นี่เป็นดวงที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟนทีเดียวนระรพินและแต่ละดวงก็แข็งเปรี้ยทั้งสิน้นผมแน่ใจที่สุดแล้วว่าต่อไปนี้เราจะประจันหน้ากับอุปสรรคขวางน้ำทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างปลอดภัยที่สุดไม่หวั่นอะไรอีกแล้วชายันกล่าวขึ้นอย่างชื่นชมและเต็มไปด้วยพลังใจอันเต็มเปี่ยมนี่คุณรู้ไหม ว่าสภาพเป็นความรู้สึกของพวกเราทั้งสิบชีวิตเป็นยังไงภายหลังจากเชื่อมั่นว่าแงซ้ายแหลกไปใต้ก้อนหินนั่นแล้วซ้ำกลับมาถึงที่พักนี่คุณก็มีอันเป็นไปอีกคนท่านหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นอย่างเช่มช้าขณะที่มองนิ่งมายังเขาพร้อมกับยิ้มเคร่งขึงความว้าวุ่นในตอนแรกที่เห็นคุณลงไปนอนน่าไม่ต้องพูดถึงละแตในหน้าที่วิกฤตที่สุด ซึ่งเรามีสภาพเหมือนคนถูกลอยคออยู่ในทะเลและสิ้นหวังใดๆทั้งปวงก็คือตอนที่เราค้นพบว่าขากันไกลของคุณแข็งอันหมายถึงสัญญาณมรณะเราถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยหัวใจแทบช็อกดับไปว่าเมื่อเราสิ้นแงซสายกับคุณไปพร้อมกันทั้งสองคนเช่นนี้พวกเราจะทำยังไงกันต่อไปแล้วก็นาทีสาคัญที่สุดนะั่นแหละที่แง้สายก็พลกลับเข้ามา พร้อมทั้งความหวังทั้งมวลของเราที่สูญสห์ที่สูญสลายไปหมดแล้วก็กลับคืนมาด้วยอดีตท่านทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์หันไปทางแง่ายอุกแขนข้างหนึง่งไปกอดไหล่ไว้อย่างรักใคร่ชื่นชมแง่ายเป็นคนดีมีฝีมือครับอย่างน้อยที่สุดเขาก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าปุ้มเลย ทุกคนได้ยินรพิน์ไพรวันพูดด้วยเสียงอันหนักแน่น ม, มั่นคงซึ่งหลุดออกมาจากใจจริงปราศจากการเส่แซ่และนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินจากปากคําคของเขาเหนือไปจากอาการรับรู้อยู่ในทีมานานและเป็นความจริงเช่นที่ทุกคนกล่าวครับถ้าแงซายตายผมก็ต้องตายตามไปด้วยแล้วเพราะไม่มีใครทราบความจริงและแก้ไขได้ทัน อย่างไรก็ตามทุกท่านอาจไม่เคยทราบผมเองนั้นได้กล่าวอย่างเปิดใจกับแง่ทรายมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยเริ่มเดินทางในระยะต้นๆสิ่งที่ผมกล่าวขอร้องแง่ทรายไว้ก็คือถ้าพลาดพลั้งผมมีอันเป็นไปลงไปซะก่อนขอฝากคณะเดินทางทั้งหมดนี้ไว้ภายใต้การนำของแง่ทรายด้วยผมมีความไว้วางใจต่อฝีมือของเขาอย่างเต็มที่ ถ้าหากว่าเขามีความสุจริตใจจริงต่อการร่วมเดินทางมาด้วยในครั้งนี้โดยไม่มีเลขคนอื่นใดแฝงอยู่ด้วยนี่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณก็ยังคิดว่าแง่ายมีเลขคนอะไรแฝงอยู่อีกเหรอในการร่วมเดินทางมากับเราดารินถามซึ่งซึ่งหน้าต่อหน้าทุกคนระพินไทรวันแลด้วยสายตาตรงไปยังแงสายสายตาทั้งคู่ เชิญกันอีกครั้งแล้วเขาก็กล่าวอย่างชัดเจนเช่นเดิมว่ามีครับคุณหญิงผมขอยืนยันว่ามีแน่แ่เพราะแง่ า, ายไม่เคยบอกความจริงกับเราเลยว่าเขาเดินร่วมทางมาในครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์อันใดหรือแกจะปฏิเสธแง่ท า, ายประโยคหลังเขาถามเจ้าตัวคนลึกลับเอาซึ่งซึ่งหน้าต่อหน้าทุกคนเช่นกัน แง่า ย, ายไม่ตอบแต่หัวเราะเบาๆอยู่ในลําคอไพวนันเสียงใสกังวันของมาเรียฮอฟมันแทรกความสนใจในเรื่องอื่นๆของทุกคนเข้ามาอย่างกระทันหันนี่ตั้งแต่คุณฟื้นขึ้นมานะ่จนกระทั่งทราบความจริงทั้งหลายทั้งปวงหมดสิ้นแล้วสาบานได้ว่พวกเรายังไม่ได้ยินคุณบอกขอบใจแ ง, ง่า ย, ายเลยแม้แต่คําเดียวจอมพราน ย, ยักษไหล่ ถ้างั้นคุณก็ควรจะขอบใจแงซายไทยในผมซะด้วยสิมาเรียทำตาโตเพื่ออะไรกันล่ะแล้วทำไมฉันถึงจะต้องทำอย่างนั้นด้วยก็ผมมีชีวิตรอดขึ้นมาได้ผมก็ได้มีโอกาสรับใช้คุณและคณะเจ้านายต่อไปนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะต้องขอบใจคนที่ช่วยชีวิตผมหรอกเหรอเห็นไหมพอฟื้นขึ้นมาก็เปิดสกราชยวนเชียะ ด้ารินร้องขึ้นทำหน้าเงาเงแต่สายตาไม่ได้บอกว่าโกรธพูดจังกว่าไม่ได้อะไรใยดีกับชีวิตของตัวเองเลยแล้วก็ลบหลู่เมินเฉยตะบุญคุณคนที่เขาช่วยชีวิตไว้รู้งี้ปล่อยให้ตายซะกะด็ดีผู้กองจะไม่มีวันขอบใจผมหรอกครับนายหญิงแงสายกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบปกติเพราะเขารู้ดีว่า เขาได้หลับสบายพ้นภาระทั้งมวลไปแล้วแต่ผมสิครับกลับเป็นคนปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาเผชิญหน้ากับความทุกข์ยากทรมานต่อไปอ๋อทางนั้นก็รู้แล้วที่เจราจาซุบซิบกันเป็นภาษากะเหรี่ยงเมตะกี้นี้ก็เห็นจะพูดกันเรื่องนี้ละมั้งนายหญิงฉลาดจะไหวพริบดีเสมอเงาสายอึง้งยิ้มยิ้ ม, มเช่นเดิมเชิากระชายันพากันหัวเราะอย่างอารมณ์ดี ขณะนี้เองพวกพรานพื้นเมืองทั้งหลายที่มุงล้อมอยู่วงนอกถัดไปก็ค่อยๆเรียบเคียงเข้ามาแสดงความปิติยินดีกับเจ้านายของตนคงมีก็แต่สางปลาคนเดียวเท่านั้นที่ตั้งแต่รพินฟื้นรู้สึกตัวขึ้นมามันชะเง้คอคอขึ้นมาดูหน่อยนึงแล้วก็ก้มหน้าก้มตาถุนกัญชาต่อไปอย่างสำราญบานใจมาริยนหันไปมองหน้าเจ้าพรานต่องสู่ของหลอนและสะกิดให้ดารินดู ไอ้ขี่ลิงสางปลาของฉันกับพรานใหญ่ของเธอน่ยอยู่ด้วยกันได้เพราะนิสัยใกล้เคียงกันน่แหละเลือดเย็นเมินเฉยไม่เคยยินดียินร้ายกับอะไรทั้งสิ้นดารินมองตามแล้วหัวเราะปัตนี้หล่อนคลุกคลีร่วมชีวิตกับคนเหล่านี้เสยจนรู้นิสัยใจคอกันดีแล้วว่าใครเป็นอย่างไรฉันเองและพวกเราทุกคนก็ยังไม่มีใครขอบใจส่างปาสักคน ที่เขาช่วยให้พรานใหญ่รอดชีวิตขึ้นมาได้เรียกเขาเข้ามานี่สิเมมารียดีดนิ้วเปาะพอสั่งปลาหันมาก็บุยปากเรียดจะต้องสูลุกขึ้นเดินมาซุดตัวลงนั่งตรงหน้าทาไมเจ้าไม่พูดอะไรกับพรานใหญ่มั่งล่ะเขาฟื้นขึ้นมาได้แล้วเพราะความสามารถของเจ้านั่นเนี่ยแม่สาวถาม สังปลาชะเง้อคอมองข้ามไหลของพวกพรานพื้นเมืองคนอื่นๆที่กำลังรุมผู้จุกระพินในขณะนี้แล้วหันกลับมามองหน้านายสาวของมันด้วยสีหน้าบ้องตันตามเดิมทาไมสา่งปลาจะต้องไปรบกวนพรานใหญ่ตอนที่เขาเพิ่งจะฟื้นด้วยละ่ะมาเรียหันมาแปลความให้ดารินซ่าอย่างน้อยเจ้าจะไม่ไปแสดงความยินดี หรอรับคำขอบใจจากเขาบ้างเชียวเหรอดารินพูดยิ้มยิม้มผ่านมาเรียไปยังส่างป่ายินดีทำไมส่างปารู้แล้วว่าถึงยังไงพรานใหญ่ก็ไม่ตายแน่ในขอบใจทำไมอะในเมื่อส่างปาก็เคยเป็นหนี้ชีวิตพรานใหญ่อยู่หลายครั้งเจ้าหนี่เป็นคนดีนี่เลี้ยงมันไว้ดีๆเถอะเม่ดารินกระซิบบอกเพื่อนสาวมาเรียอมยิม้ม ฉันน่ะเคยคิดจะเอามันไปรูปบุญธรรมซะด้วยซ้นาน้อยแต่มันดันอายุมากกว่าฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงคิดเหมือนกันแหละว่าจะหอบหิวมันติดตัวไปด้วยทุกคนทุกแห่งที่ฉันอยู่ก็กลัวอยู่ว่ามันจะอยู่กับฉันไม่ได้ในเมืองคอนกรีตขณะนั้นเองระพินก็เหลือบมาเห็นสางตาจึงกวากมือพยักหน้าเรียกบุญคำขยินเกิดเสยและจัน ที่มุงออจับเนื้อต้องตัวเจ้านาอยู่ก็เปิดออกเป็นช่องให้จ้หมอแก้พิษผู้วิเศษขยับเข้าไปจนถึงตัวระพินไพรวันสางปลาถ้าไม่มีเจ้าพวกเราตายกันไปหมดแล้วพรานใหญ่พูดพม่า ก, กักมันแต่ถ้าไม่มีนายแมมก็ไม่มีสางปลานะพรานใหญ่ ให้บ้องตันพูดที่ฟังแล้วคุยที่สุดในหูของตมำมนคําที่ฟังภาษาพม่ากออกแต่ละพินสะดุ้งใจเพราะความหมายของมันกินลึกเขาชำเลืองมองหน้าคณะนายจ้างทุกคนเห็นมองมาอยู่ก่อนแล้วแต่เชื่อว่าพวกนั้นฟังไม่รู้เรื่องแม้พรานพื้นเมืองของเขาเองก็มีฟังพม่ากออกเพียงคนเดียวคือบุญคําเว้นจากนั้นก็คือแง่ทายและที่สําคัญที่สุด มารีฮอฟมันซึ่งบัดนี้พอได้ยินลูกน้องพูดพิลึกพิลึกอย่างนั้นก็เบิกตาสีดอกผักตบจ้อง ข, อง ข, องของมิ้งมาอย่างเอกใจหมายความว่ายังไงก็ทนายจะขอบใจสางปาก็ขอบใจในายแม่มของสางปลาเถอะแล้วนายแม่มของสางปาก็เป็นห่วงนายไม่น้อยไปกว่านายหญิงหรอกนะชิดาไอหนี่สมคัญ มึงจะยกแม่มึงให้พรานใหญ่อย่างนั้นสิตาเท้าบุญคำร้องนายหญิงเป็นแม่ของตาเท้านายแม่มก็เป็นแม่ของส่างปลาเหมือนกันส่างปลาพูดหน้าตาเฉยหยุดทีคนปากเสียสองคนน่่ะพูดจาเหลวไหลไม่เป็นภาษามาเรียตวาดมาเบาๆยกมือชี้หน้าส่างปลาออกคำสั่งมาว่า ไปสั่ง้าไปอยู่กระ บ, บอกกัญชาของเจ้าตามเดิมเดมิชเชษฐานชายันและดารินมองหน้ากันเองเพราะไม่รู้เรื่องและยากที่จะเดาอะไรออกรู้เอาเฉพาะตอนท้ายที่มาเรียสมุดและสังเกตกิริยาของแม่มสาวหงุดหงิดหัวเสียเจ้าองสาัางปากระตาเท่าบุญคำตาเขียวอะไรกัารเมเชิฐาน ม, มาเรียฝืนยิ้มตักบทว่า เปล่าครับพี่ใหญ่ไม่มีอะไรหรอกไอ้ขี่ลิงของฉันกับตาเท่าผูจูจาอะไรส่งเดชเลอะเทอะไปตามภาษาอย่าไปสนใจอะไรเลยค่ะคนหนึ่งบ้ากัญชาอีกคนก็บ้ากระท่อมดารินเปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่แงซ า, ายผู้นั่งอมยิ้มอยู่ถ้าหล่อนอยากจะรู้ความจริงว่าพวกนั้นพูดพม่า ก, กันว่ายังไงจนเป็นเหตุได้มาเรียกรฟัดก ร, รฟิเอตออกมาก็น่าจะรู้ได้ แต่นั่นมันไม่ใช่สาระสำคัญอะไรที่หล่อนจะต้องสนใจนักในภาวะเช่นนี้พอดีกับที่ระพินหันไปพูดกับแง่ทรายว่าปืนของเรานนะบรรลัยไปอีกระบอกหนึ่งแล้วล่ะงแง่ทรายเป็นปืนของนายหญิงที่มอบให้ประจำมือแกซะด้วยสิผมเสียใจครับผู้กองมันเหลือวิสัยที่ผมจะป้องกันไว้ได้จริงๆแล้วก็ยอมรับครับว่าเป็นความผิดของผม ดารินกระแทกเสียงออกมาต่ตําๆอย่างต่าหนิว่าบ้าบ้าทั้งสองคนนั่นแหละชีวิตรอดมาได้นาดีเท่าไหร่แล้วนึกว่าจะพูดกันเรื่องอะไรดันมารําพันเสียดายปืนพ่านทุกค น, นรักปืนเท่ากับชีวิตของเขานั่นแหละน้อยพี่ชายบอกมาแล้วหันไปทางคนทั้งสองนี่อย่าไปคํานึงถึงเรื่องปืนพังอยู่เลยถึงจะขาดมือไปอีกกระบอกนึง เราก็ยังเหลืออยู่อีก10กระบอกเหลือเฟือพอเพียงสําหรับการหาอาหารและป้องกันตัวจากสัตว์ป่าเราไม่ได้คิดไปทําสงครามสู้รบกับใครนี่ดีซะอีกที่ชายยันว่าฉันทนแบกไอ้กระบอกโตกว่าเพื่อนนี่มานานแล้วหนักเต็มประดาแงสายปืนพังไปสักกดีจะได้รับทอดมรดกจากฉันกระบอกนี้ไปได้เด็เธอจะปืนกระบอกไหนใช้ล่ะ ดารินถามอย่างสงสัยเฮ้ย hey, ฉันน่ะเลิกบ้าเหอะที่จะต้องสะพายปืนให้หนักมาตั้งแต่ออกจากลมช้างแล้วเพียงแต่ยังไม่กล้าบอกใครเท่านั้นสู้เดินตัวปเปล่าๆไม่ได้อย่างดีก็มีปืนสั้นติดเอวอยู่สักกระบอกนะเอาไว้ยิงเรียกให้พักพวกช่วยเกิดเรื่องอะไรขึ้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องรับมือให้หนักคอยวิ่งบางหลังระพินไว้ก็ปลอดภัยแล้วเป็นนั้นว่าเงาทายนายก็เอา ไอ้จุดหกศของฉันก็บอกนีไปแล้วกันไม่ได้ฉันไม่ยอมให้คนของฉันถูกเธอเปรียบอย่างฉลาดแกมโกงหรอกมีอย่างเหรอแงาซาย ม, มีภาราะต้องแบกของหนักอยู่แล้วไอ้นี่ยังจะคิดยักย้ายถ่ายปืนถ่ายเทปืนกระบอกเท่าเสาไปให้เขาแบกอีกในปืนกระบอกนี้เธอก็เป็นคนเลือกเองแท้ๆนะดารินรีบออกรับแทนเจ้าองค์ครรภพิเศษของหล่อนทันที ชยันหัวรอกแล้วไม่ได้เอาเปรียบรอกเป็นห่วงแง่ซ้ายว่าจะไม่มีปืนประจำตัวเดี๋ยวเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมันจะลาบากนี่นี่นี่ไม่ต้องมาออกลูกไม้ตื้นตื้นเนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ห่วงคนอื่นสอย่างเดียวลำพังตัวแงซายเองนะเขาเอาตัวรอดได้เสมอแหละเธอไม่ได้คิดจะให้แงไซายมีปืนเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเขาแต่เพื่อเธอจะได้ไม่ต้องแบกให้หนัก เพราะรู้ตัวเองดีมานานแล้วนี่ว่าอุตสาแบกหนักอยู่ทุกวันนี่ความจริงมันก็ไม่ให้ช่วยตัวเองอะไรได้เลยนะไม่มีระพินแงซ า, ายหรือพรานพวกนี้ค่อยช่วยป่านนี้มองเถีงไปนานแล้วไม่ทันถึงเนินพระจันทร์คงได้มีการฆ่ากันซะก่อนเป็นแน่คนรู้ทันแบบนี้เกลียดนะักไม่รู้จะร่วมทางกับมาทําไมเพราะผาดิ อดีตนายทหารปืนใหญ่บนพื้มมันดูเหมือนจะเป็นวันแรกของรพินไพรวันนับตั้งแต่ออกเดินทางมาซึ่งเขาตกอยู่ในฐานะคนป่วยของคณะอย่างแท้จริงโดยการที่ได้รับคำสั่งให้นอนพักนิ่งๆอยู่กับที่หรืออย่างมากที่สุดก็เพียงอนุญาตให้ลุกขึ้นนั่งวายาจอมวานอนเจ้าของถ้มก็มีอาการดีขึ้นมากสาหรับวันนี้ แม้จะยังไม่อาจขยับลุกขึ้นจากที่เคลื่อนไหวไปไหนได้เกินกว่าบริเวณแท่นหินที่นอนเศร้อยู่เขาก็สามารถที่จะลุกขึ้นนั่งเองได้ส่งเสียงทักทายพรานใหญ่มาพร้อมกับแสดงอาการตื่นเต้นยินดีที่เห็นรพินปลอดภัยและนีลาพร้อมทั้งเหล่าสวาวานอนอันเป็นบริวารใกล้ชิดทั้งหลายก็แย่งกันเข้ามามุงแน่นขนาดเหมือนจะเป็นการเยี่ยมเยียนทักทาย เป็นกำลังใจให้แก่ฝ่ายอาคัรตุกกะมนุษย์ที่รอดตายทั้งสองคนผลหมากรากไม้และสเสบียงอาหารเท่าที่จะหาได้ในนครขีดขินถูกขนกันมาให้จนเต็มไปหมดทุกคนเป็นสุขและสบายใจจากการต้อนรับขับสู้อันเต็มไปได้วยไมตรีจิตอย่างสูงจากชาวนครลิงทั้งหลายเป็นความพิมพ์ใจที่ประทับอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคน ไปอีกนานเท่านานแล้วระพินก็หลับไปอีกครั้งด้วยความอ่อนเพลียเมื่อตอนบ่ายสองโมงเป็นการหลับอย่างสนิทและเต็มใจที่สุดเพราะตนหนักแน่ว่าไม่มีพยันตรายหรือข้อห่วงกังวลใดๆในระยะนี้ก่อนจะหลับดูเหมือนจะได้ยินแว่ววว่าคณะนายจ้างจะออกไปอาบน้ำชำระกายที่หมักหมมกันมานาน จะเที่ยวเยี่ยมเยียนชาวนครลิงที่อยู่กันเป็นชมรมทั้งหลายและบางทีอาจจะขึ้นไปเยี่ยมฤาษีโกนธัญะบนหน้าผาด้วยคนเหล่านั้นอยู่ในภาวะที่ปลอดโปรงโล่งใจเมื่อผ่านพ้นมรสมร้ายไปอีกขั้นหนึ่งเขาถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเป็นเวลาเข้าใต้เข้าไฟของนครขิดขินขณะนั้นซุปเนื้อกวางต้มกับลูกเดือยกาลังส่งกลิ่นหอมอบอวลอยู่บนกองไฟ ทุกคนอยู่กันพร้อมแต่ละคนดูสีหน้าแช่มชื่นผ่องใสไม่อิดโรยเครียดคล้ำสะบักสะบอมเหมือนเช่นที่เห็นคุณหน้ากันตามปกติในเส้นทางสายวิบากวายาเองก็นั่งเอเตพิงพนักหินอยู่บนแทน่นหมอดารินกามารีเปลี่ยนชุดเสื้อผ้าใหม่หน้าตาสะอาดเกลี้ยงเกลาแลสวยซึ้งขึ้นเราอยากให้คุณนอนตลอดไปโดยไม่รบกวน แต่คิดขึ้นได้ว่าคุณควรจะกินอาหารจะได้มีแรงเร็วจะได้มีแรงเร็วขึ้นมาเรียบอกกับเขาเป็นประโยคแรกหล่อนปลุกเขาขึ้นมาโดยการอนุมัติของแพทย์สาวประจำชนะประจำคณะซึ่งขณะนี้ดูเหมือนจะกำลังทำหน้าที่ของแม่ครัวคนซุปอยู่บนกองไฟหันหลังให้ห่างออกไปทางหนึ่งเชษฐากับชา ย, ยันกำลังสูบซิก้าอย่างสบายอารมณ์และสนทนาอยู่กับกลุ่มพรานพื้นเมืองของเขา ขอบคุณมากเมอะนี่ยากินซะลนส่งยาเม็ดชุดหนึ่งให้เขาพร้อมกับถ้วยน้ำพลาสติกเมื่อรพินมองหน้าเฉยอยู่ก็ยิ้มกระซิบบอกต่อมาว่านี่อย่า ก, กลัวไปเลยฉันไม่ได้ทำหน้าที่หมอเสเองหรอกและถึงจะพยายามเป็นหมอสำหรับคุณสักแค่ไหนก็คงรักษาคนไข้ารายนี้ไม่หายรอกนอกจากหมอดารินคนเดียวเท่านั้น แม่วานใจของคุณนะเขาสั่งให้ฉันมาปลูกคุณแล้วก็ยาชุดนี้ให้บอกให้คุณกินด้วยฉันไม่ได้บังอาจมาอ้อนวอนให้คุณกินยาเองโดยพละการหรอกระพินไพรวันรับยาไปกินกับน้ำโดยดีขอบคุณอีกครั้งเมดูคุณสุดใสน่ารักมากค่ำนี้นี่อย่ามาทําพูดดีไปนะปะเดี๋ยวฟ้องหมอพร้อมกับพูดมาริยกรรมหมัด ยันปลายคางเขาเบาๆพร้อมกระถามว่าเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างก็ยังมึนๆหัวหนักๆหัวอยู่นะแต่ก็ดีขึ้นมากแล้วล่ละเหตุการณ์เรียบร้อยดีหรือเปล่าระหว่างที่ผมหลับมาเรียเบิกตานิดหนึ่งพร้อมกับพยักหน้าน้อยๆมีอาการเหมือนจะกลั้นยิ้มก็เรียบร้อยขณะนั้นบุญคำก็คลานเข้ามา เมื่อเห็นพรานใหญ่ผ ง, งกหัวขึ้นพอตาเท่าเข้ามาสอดแทกแม่มสาวก็หันมาค้อนขวับพร้อมกับถอยพระออกไปทันทีลูกศิษย์หัวเห็ดของระพินแลบลิ้นหลอกตามหลังไปแล้วหันมายิ้มให้กันนายซึ่งบัดนี้กำลังขมวดคิ้วจ้องดูอาการอันชอบกนนะักอ๋อนายตื่นแล้วล่ะระพินมองหน้าอย่างกะจะค้นหาอะไรบางอย่างทาไม มีอะไรทะเลาะ ก, กัแหม่มอีกเหรอบุญคำบุญคำมีอาการอมเลสในปิดปากคิกคักยังไงชอบคนอ๋อไม่มีอะไรหรอกนายแล้วแกก็เหลียวชำเลืองไปรอบๆตัวพอเห็นว่ายังไม่มีใครหันมาสนใจก็ทำเป็นเข้ามาประคองเอาสัมภาระที่กองอยู่เข้ามาหนุนหลังเพื่อเขานั่งถนัดขึ้นพร้อมกับกระซิบว่าก็ มีเรื่องตื่นเต้นหวาดเสียวนิดหน่อยอะไรที่ว่าตื่นเต้นหวาดเสียวนะอะไรก็นายใหญ่หนายหญิงกับพวกเรานี่เขาขึ้นไปเยี่ยมดูสีบนหน้าผากันเออแล้วไงก็นายแม่มไง น, น, นายแม่มก็รับอาสาจะเฝ้าดูแลนายขณะที่นายนอนหลับอยู่อิที่นี่นายทหาราก็รู้ทันเขาก็หลอกนายใหญ่ว่าเขาปวด ท, ท้องโตก็ลูกไม้เก่านั่นเลยนาย แล้วก็ไปคอยดักนายแม่มอยู่ที่โขดหินริมลําธารอีกสักปรเดี๋ยวนายแม่มก็ไปที่นั่นไงนายตาเท่าสับปะโดกแย้มออกมาเท่านั้นเจ้านายผู้ชินสัญดานกันมานานก็แทบจะเดาเรื่องออกได้หมดสัญดานสี่ตามเคยย่มไปแอบดูไปอีกที่โธนายตามระเบียบอันดีงามนั้นไม่ว่าและบุญคําไม่ได้ขึ้นมากันนายใหญ่หรอกเหรอ นายใหญ่เนี่ยก็ใช้บุญคําไปหาฟืนไงอ๋ก็เหมาะนี่เป็นไงต่อนายนายสองคนก็อาบน้ําด้วยกันแล้วก็ก็แต่งงานกันในน้ำด้วยละนายอุย้ยก็สามะคีกันดีเหลือเกินไม่อยากกระตบกไปทุบทองกันเหมือนคราวนั้นด้วยละนายมันน่าถีบถีมนายทหารน่ะละนายทีบแกนนแหละ ฟังให้จบก่อนสิน่าอโทรเรื่องตื่นเต้นก็คือว่าไอชิบหายนีลาไงมันย่อมาแอบดูอยู่ด้วยอีกทางหนึ่งเออแล้วไงมันจะอิกฉาร์จยังไงก็ไม่รู้สองคนน่ะถอดเสื้อผ้ากองไว้ตรงซุ้มไม้ริมก้อนหินไอเปรตนีลาก็ขมโมยเสื้อกางเกงของทั้งสองคนไม่เหลือให้แม้แต่กางเกงในของนายแหม่มพาขึ้นไปแขวนไว้บนยอดไม้สูงน่น อที่นี่สองคนก็เลยขึ้นจากน้ำไม่ได้โอ้ทูลักทูเลกันอยู่ในท่าน้ำนั่นแหละก็เลยเดื อ, รอดร้อนมาถึงบุญคำต้องปีนยอดไม้ขึ้นไปเอาเสื้อผ้าลงมาให้ในายทหารนักโกรธเข ฟ, ฟัดหูเวียงจะยิงไอ้นีลาให้ได้แต่บุญคำห้ามไว้ถูกคืนข้ามันก็ชิบหายกันใหญ่ที่นายรพินไพรวันถอนใจขึ้นผลักหน้าสมุนมือขวาจอมแก่นของเขาพั ง, งะจำเบ้าออกไป พร้อมกระดึงกายให้นั่งตรงขณะนั้นเองเชษฐาก็เบิกมู่ให้เขาพร้อมกับทักทายมาทั้งหมดเข้ามาล้อมวงสนทนาพร้อมหน้ากันอีกครั้งเมื่อตะวันสิ้นแสงและป่าเบื้องนอกบกคลุมอยู่ในม่านสีดำของต้นวิการยามต่างอยู่ในอิรยาบทพักผ่อนเบื้องหน้าของกองไฟมีความสบายใจไร้กังวลกว่าเมื่อหัวค่าของคืนวันนี้ ภายหลังจากรับประทานอาหารเสร็จท่านหัวหน้าคณะก็ล้วงกล้องยาเส้นออกมาจุดสูบเอ่ยขึ้นเป็นงานเป็นการว่านี่ระพินอย่าพยายามปลดหรือฝืนตัวเองเลยนะถ้าผมจะถามคุณว่าพรุ่งนี้คุณพอจะเดินทางไหวไหมจอมพรานยิ้มกว้างลักษณะอาการยิ้มของเขาเช่นนี้นานๆทุกคนจะได้เห็นสักทีหนึ่งระพินประสานมือเข้าหากัน และเหยียดแขนดัดออกไปจนกระดุดนิ้วลั่นเปรีย้ยระผมได้เรียนถามคุณหมอดารินดูแลละครับในข้อนี้ขณะที่พูดแช่มช้าชัดเจนสายตาของพรานใหญ่แลไปยังแพทย์สาวประจำคณะผู้กำลังเช็ดไรเฟิลประจำมืออยู่คุณหมอบอกผมว่าผมพร้อมที่จะรับงานหนักต่อไปได้พรุ่งนี้และครับนี่นี่นี่นายพรานฉัน ไ, ได้พูดอย่างนั้นนะ เดนไม่ได้เงยหน้าจากไรเฟิลในมือหมอดารินแย้งมาโดยเร็วฉันแค่บอกแต่ว่าอาการของคุณน่ะดีขึ้นมากถ้าคืนนี้ไม่มีอาการแทรกอย่างอื่นพรุ่งนี้อาจเดินทางได้แต่ก็ต้องไปกันอย่างระมัดระวังหน่อยอาจจะสมบุกสมบัมบนนักยังไม่ได้ครับก็สรุปก็คือเราออกเดินทางพรุ่งนี้ได้แน่นอนครับคุณชายเขาหันไปยืนยันกับท่านหัวหน้าคณะเชษฐาพยักษาเนิบเนิบอย่างพอใจ พ, พึมพำออกมามดีดีดีมากโชคดีเหลือเกินขอให้มีการคืบหน้ากันบ้างเท่านั้นแม้จะไม่สามารถไปไกลได้เท่าที่ควรมันก็ยังดีกว่าที่เราจะหยุดนิ่งอยู่กับที่ผมเป็นห่วงเรื่องระยะเวลาจำกัดของเราเหลือเกินแต่ทิ้งยังไงก็ห่วงเรื่องสุขภาพของคุณมากกว่าละ่ะโปรอสบายใจได้ครับพรุ่งนี้เราจะต้องออกเดินทางได้แน่ผมขอรับรองรับ ในด้านผมและจะไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้นความรู้สึกส่วนตัวในขณะนี้ก็แข็งแรงดีมากภายหลังจากที่ได้นอนหลับไปในตอนบ่ายยิ่งถ้าพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าจะปกติเหมือนเดิมทีเดียวครับพร้อมกับกล่าวอย่างมั่นใจจอมพรานขยับตัวลุกขึ้นยืนอย่างคล่องแคล่วปราดเปรียวเอวบิดกายขจัดความเมื่อยขบที่ต้องนอนนิ่งๆอยู่กับที่นานเกินกว่าสภาพปกติของเขา แล้วออกเดินกลับไปกลับมาในระหว่างบริเวณที่ชุมนุมพักนอนและปากเพิงถ้ำด้วยอาการอันกระปรีก้กระเป่าทุกคนสังเกตจับมองก็เห็นว่ารพินฉับไวตามคุณลักษณะเดิมไม่มีอะไรน่าจะต้องวิตกหรือกลิงเกรงไปเลยแม่สายเสียอีกตลอดทั้งวันนี้ต่างเห็นจอมพะเนจรเดินลากขาอย่างคลิดยอ่อแม้ว่าอาการอย่างอื่นจะเรียบร้อยดี ชายันสกิจให้เชิดาดูแล้วก็กระซิบว่าสบายมากเชทดาไอ้สือนี่ทรหดจริงๆไม่มีอะไรที่เราจะต้องวิตกเลยว่าพรุ่งนี้เขาจะนำทางไม่ได้ไม่น่าเชื่อเลยนะยกยกเมื่อคืนนี้เองเข้าขั้นรีทูดพังแงบพังแงะจะตายมิตายแหลอยู่แล้วพอมาถึงข่้นวันนี้เดินตัวปลิวระยะห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ฉันได้ลองถามสางปาดูแล้หล่ะมาเรียบอกมาเบาๆตาจับสํารวจอยู่ที่อาการเคลื่อนไหวเหมือนจะทดสอบกำลังตนเองของพรานใหญ่ฉันถามสางปาดูแล้วว่าคนที่ถูกแมงมุมหกขากัดจนเกือบจะตายและแก้ไขให้ฟื้นขึ้นมาได้นะจะต้องเจ็บไขยรักษาพยาบาลกันไปอีกนานสักแค่ไหนเจ้าสางปาก็บอกว่าขอแค่ถอนพิษออกให้หมดเท่านั้นจะหายเป็นปริดทิ้งทีเดียว อาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่นน่ะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างอื่นซะอีกแม้คนไข้จะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยังต้องเสียเวลารักษาให้กระเตือขึ้นอีกนานกว่าจะแข็งแรงเหมือนเดิมก็ดูแต่งแง่ทรายที่โดนคข่าก่อนดีแง่ทรายนอนพักแค่คืนเดียวเท่านั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยพรวันก็คงจะเหมือนเหมือนกันถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนอย่างอื่นที่น้อยว่า ดารินหันไปมองดูส่างป่าซึ่งนั่งหาวอดวอดอยู่ฝั่งตรงข้ามของกองไฟเบื้องหน้าด้วยความชื่นชมแล้วอุบแขนกอดรอบไหล่แม่เพื่อนสาวต่างผิวไว้บอกจังปราโมดว่านี่เมไอขี่ลิงของเธอนะ่ะมีค่ามากที่สุดคนหนึ่งในคณะของเรานะและในทัศนะของหมอด้วยกันแล้วฉันขอยอมรับว่าส่างป่าเป็นหมอแก้พิษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เสรุ่งของวิทยาศาสตร์การแพทย์ยุคปัจจุบันน่ะไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับยาวิเศษของสางป่าแต่มันเป็นนักเดินป่าที่ใช้ไม่ได้เลยละน้อยเพราะมันพาฉันกับสเตเก้หลงทางอะ่ะมาเรีย ว, ว่าพร้อมกับยักษไหลนั่นนะนะับว่าเป็นบุญที่สุดแล้ละเมที่ส่างป่าพาเธอกับสามีหลงทางมาจนพบกับคณะของเราเข้ากระทั่งได้มาร่วมกันอย่างนี้ ไม่งั้นพ ร, พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าป่านนี้เธอจะไปอยู่ที่ไหนจำได้ไม่ใช่เลยว่าขนาดที่คณะของเธอหลงทางและพบกับฝ่ายเรานั้นอยู่ในเขตแดนล่ามนุษย์ของพวกสาง์ขียวทีเดียวซึ่งเป็นแดนอันตรายที่สุดสามีของเธอเองต้องเสียชีวิตไปก็พระเจ้าพวกคนป่าเผ่าผีดิบกินคนเหล่านั้นแววสลดผ่านแวบไปในดวงตาของแมมสาว เมื่อหวนระลึกไปถึงภาพวาระสุดท้ายของด็อเตอร์ฮอฟมันสามีผู้เอาชีวิตมาทิ้งสะกลางป่าแต่ก็ชั่วแวบเดียวเท่านั้นสำหรับการระลึกเศร้านั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็กลืนหายไปในหัวใจอันแข็งกร้าวผิดหญิงสามันไม่กล่าวอะไรอีกในเรื่องนี้เพียงแต่ยิ้มแค่ น, แ, นและกอดตอบดารินไว้ในอ้อมแขนระพินไพรวันเดินผ่านเลยออกไป จนเกือบสึกปากทางซึ่งที่นั่นเจ้าคู่ปรับแง่ทรายของเขานั่งเอาใบมีดเดินปา่าถูกับหินอยู่ตามลําพังโดยแยกโดดเดี่ยวออกมาจากคณะทั้งหมดที่รวมกลุ่มกันอยู่มินีลานั่งมองอยู่อย่างสนใจใกล้ๆพรานใหญ่ใกล้ๆพรานใหญ่เอามือข้างนึงลูบลงไปบนหัวของนีลาอีกมือนึงวางไว้ที่ไหล่ของแง่ทรายนีลาเงยหน้าขึ้นดูพรานใหญ่ แล้วแยกเขี้ยวขาวแงเหมือนจะยิ้มทักทายด้วยส่งเสียงอึกอกในลำคอเบาๆเอื้อมืออันใหญ่โตยาวเหยียดของมันมาอบรอบสะโพกของเขาวายคล้ายจะกอดส่วนแงซายยังไม่หยุดการรับมีดกับหินแต่ปลายหางตามองผมคิดว่าผู้กองคงจะาการดีขึ้นมากแล้วและคงจะเดินทางได้พรุ่งนี้ใช่ไหมครับระพินยิ้มมองสายตาตามชำเลืองนั้น แกไม่ต้องห่วงรกงักแงาทา ย, ายถึงยังไงเสียฉันก็ต้องเอาแกกับทุกคนไปให้ถึงเนินพระจันทร์ก่อนคืนขึ้นห้าค่ำที่กำลังจะมาถึงนี่ให้ได้ถึงแม้ว่าฉันจะต้องคลานไปก็ตามผู้กองรู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าถ้าปราศจากผู้กองสึ่งคนเดียวความหวังของพวกเราทุกคนจะมืดมิดไปหมดแม้แต่ผมเองฉันรู้และนี่ใช่ไหมล่ะ ที่เป็นเหตุผลในกับปลูกชีวิตฉันขึ้นมาโลดเต้นอีกตราไปก็ตามที่แกยังต้องการไปให้ถึงที่นั่นด้วยผลประโยชน์ส่วนตัวของแกเองแง่สายไม่ตอบแต่หันไปพูดกับ น, นีลาเบาๆราวกับว่ามันจะฟังภาษาคนรู้เรื่องว่านีลาฟังฟังผู้กองรพิน์ีิมันจะพูดอย่างคนที่มองอะไรในแง่ร้ายเสมอแหละทั้งๆ ท, ที่โดยจิตใจจริงแท้แล้วนะ่ะเขาเป็นคนน่ารักมาก ฉันก็อยากจะถามเขาเหมือนกันแหละนะว่าที่เขาเคยช่วยชีวิตฉันไว้นับครั้งไม่ถ้วนมันเพราะอะไรแต่ฉันก็คิดว่าเขาคงจะได้คําตอบจากปากคําเขาว่าที่ช่วยฉันให้รอดก็เพื่อที่จะได้ใช้งานฉันในฐานะคนใช้ประจําคณะนี่ในการเดินทางต่อไปไม่มีอะไรมากกว่านั้นนีลาร้องอือ้ออในลําคอทําหัวก้มๆเงยๆ เ, เหมือนจะรับคําแล้วเลิกหน้าทําปากยืน่น มองหน้าทั้งสองคนสลับกันไปมามีหนาซ้ำยังงัดเอาตีนขึ้นมาเกากระบานอยู่กรากๆรากแล้วพินหัวเราะเบาๆวาจาเจ้าเล่ยเลี้ยวรถนักนะแกนี่ไอ้แกคงไม่เสียใจไม่ใช่เหรอที่ฉันไม่ได้ขอบใจแกเลยแม้แต่คำเดียวปู้กองครับไม่จำเป็นหรอกสำหรับเราอะไอ้ น, นี่ทำไมแยกมานั่งคนเดียว กลับก็รวมกลุ่มกับพวกทั้งหมดไม่ดีกว่าหรือบางทีชั้นรื่นนายใหญ่อาจมีอะไรจะต้องหารือโดยมีแกร่วมอยู่ด้วยไงทสายยิ้มตอบคงรับมีอยู่ตามเดิมเช่นนั้นอย่าดีกว่าครับ ก, กองทุกสิ่งทุกอย่างที่ทางคณะเจ้านายจะเกิดมีปัญหาขึ้นขอให้ผู้กองรับหน้าเองดีกว่าครับยายผมต้องร่วมอยู่ด้วยเลยเพราะผมอาจเป็นฝ่ายแย้งได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายหญิงจะเป็นต้นเหตุบังคับผม ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมให้ต้องมีอะไรขัดแย้งกับผู้กองอยู่เสมอฉันรู้มานานแล้วว่านายหญิงน่ะให้ท้ายแกหาไม่ได้นักผู้กองเป็นเพราะความฉลาดไวทันและช่างซักไซายไล่เลียงของานายหญิงซะมากกว่านะครับแต่ฉันต้องการจะหารือกับแกด้วยนะจะมีเวลาถมเถะไหมครับผู้กองในการที่จะปรึกษาอะไรกันนะ เฉพาะส่วนตัวโดยไม่จําเป็นจะต้องให้เจ้านายรู้ด้วยผมนั้ไม่อยากจะให้เจ้านายทั้งหลายเห็นว่าบางขณะผู้กองเขา่าหรือบางเวลาผมโง่เพราะถึงยังไงระหว่างผมกับผู้กองก็มีโอกาสที่จะเข่าหรือโง่ได้เท่าๆกันยิ่งถ้าต่างฝ่ายต่างอวดฉลาดกันขึ้นมากเท่าไหร่จุดอ่อนของเราก็จะเพิ่มขึ้นในสายตาของเจ้านายมากเท่านั้นระพินนิ่งคิดพลางบอกกับตนเองในใจว่า ไอ้ น, นี่นะมันไม่ใช่แง่ายผู้มีพื้นฐานมาจากร้อยโทแห่งกองทหารโจรกระเรี่ยงแน่นอนแต่เขาก็ไม่ได้ปริปากเช่นไรเพียงแต่เขกบาลเบาๆด้วยอาการสั ป, ปยอกแล้วเดินกลับมานั่งลงตรงหน้าของคณะนายจ้างทุกคนซึ่งดูเหมือนจะจับตามองการเข้าไปซุบซิบพูดกันระหว่างเขากับแงซายก่อนแล้วยังไม่ทันจะหย่อนก้นถึงพื้นสนิทน้องสาวคนสวยของนายจ้าง ที่ช่างจับไว้จับพริบก็ยิงคำถามมาทีเดียวไปพูดอะไรกับแง้ายเหรอก็เกรงว่าคุณหญิงจะไม่สบายใจไงครับที่ตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาผมยังไม่ได้ขอบใจแง้ายเลยสักคำผมก็เลยเข้าไปขอบใจมันซะอืมดีมากแต่โกหกคงจะมีอะไรพูดกันมากกว่านั้นสิเว้นแต่ไม่ต้องการให้เรารู้ดารินพูดหน้าตาเฉย พรานใหญ่ไม่สนใจถ้อยคำแย่ของดารินเขาหันไปรับบุหรี่ใบตองแห้งที่บุญคำมวลส่งมาให้จุดสูบและบอกขึ้นรวมๆกันว่าระยะทางจากนี่ไปถึงเนินพระจันทร์นะครับผมเชื่อว่าคงไม่มีอุปสรรคในการเดินทางอะไรมากนักครับเพราะไต่ที่ราบสูงขึ้นไปเป็นลำดับไม่มีเขาสูงจะต้องปีนหรือป่าใหญ่ทึบที่จะต้องบุกคงไปได้ทันเวลาแะครับ ในการเดินที่ไม่จำเป็นต้องเร่งร้อนนักเพียงแต่อย่าหยุดพักที่ไหนเป็นวันๆอีกก็แล้วกันนอกจากแค่พักนอนนับพระโชคดีมากนะที่เราเสียเวลาอยู่ที่นี่เพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเมื่อบ่ายนี้ขณะที่คุณนอนหลับพวกเราขึ้นไปเยี่ยมฤาษีกลทัญญากันบนหน้าผานอนท่านหัวหน้าคณะบอกและได้สนทนาอะไรกับท่านบ้างนะครับท่านก็นั่งสนิทนิ่งอยู่กับที่เดิมอาการเดิม เหมือนก่อนหินที่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างเคยเห็นครั้งแรกนะั่นแหละเราเพนเชตดทาเล่ามีน้อยผมแงซ า, ายแล้วก็พวกพรานของคุณสองสามคนเท่านั้นน่ะที่ขึ้นไปด้วยกันชายันกเมนะไม่ได้ขึ้นไปด้วยหรอกพวกเราไปกราบนะ้มัสการและขอขอบคุณท่านที่ท่านให้ความเมตตาอุปการะแ ก, กเราแต่ท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรนอกจากนิ่งเฉยซะเป็นส่วนใหญ่ คุณชายพยายามสอบถามอะไรท่านอีกหรือเปล่าล่ะครับผมรู้ดีอยู่แล้วลว่าท่านจะไม่ตอบก็เลยไม่ได้ถามอะไรแต่น้อยสิอ้อนวอนตื้อถามท่านอยู่หลายอย่างท่านให้คำตอบอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือบอกว่าคุณจะไม่เป็นไรและพรุ่งนี้จะเดินทางต่อไปได้แต่เราก็ดีใจมากที่สุดแล้วถึงจะรู้เพียงเท่านี้เท่านี้และท่านก็ปฏิเสธว่าที่เราเข้าใจว่าท่านให้การช่วยเหลือใดๆนั้น ความจริงท่านไม่ได้ช่วยหรอกหากแต่มันเป็นไปเองตามวิถีทางที่พรมลิขิตกาหนดไว้แล้วไม่ว่าคุณไม่ว่าคุณกระแงสายจะรอดตายหรือว่าในกรณีที่เรามาช่วยวายาปราบไม่ตัวสามเขาได้สาเร็จครับก็ดีแล้นะครับเราอย่าพยายามทำอะไรให้ท่านผิดศีลประพฤติเลยเท่าที่ท่านเมตตาช่วยเหลือที่แล้วมาก็นับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้ว ผมนึกแล้วว่าการที่เรามีโอกาสได้พบเห็นท่านเช่นนี้มันยอมหมายถึงสิ่งอันเป็นสวัสดีมงคลสำหรับพวกเราทุกคนและมีสังข์ขที่ดีอยู่ตลอดเวลาจะยังไงเสียเราก็ต้องผ่านพ้นวิบัติทั้งหลายนี้ไปได้แน่นอนแล้วเขาก็หันไปมองดูมาเรียกับชยันซึ่งนั่งเฉยอยู่วางสีหน้าเป็นปกติถามว่าเมกัคุณชยันไม่ได้ไต่หน้าผาขึ้นไปด้วยหรอกเหรอครับมาเรยิ้มมุมปาก พร้อมกับยักษไหล่นิ่งซะไม่ตอบคำใดเราดูเหมือนจะรู้ทันในความหมายแซงถามของเขาดีอยู่แล้วเพราะเห็นตาเท่าบุญคำเข้าไปป้วนเปลี่ยนใกล้ชิดกับเจ้านายในขณะที่เขาเพิ่งตื่นถึงยังไงเสียตาเท่าสับ ป, ปะโดกน่ก็คงปากบอลบอกอะไรนายของตนไปหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างหลอนและชัยยันกลางทานน้าซึ่งมีเจ้าธโมลใหญ่นีลาแสดงเป็นตัวผู้ร้ายร่วมอยู่ด้วย นอกเหนือไปจากนักแอบดูหน้าตกคนนั้นแต่ชายันไม่ไหวทันมาก่อนก็เลยโกหกอย่างหน้าตายนี่น้อยนะเขาฝากคุณไว้เมย์คอยดูแลส่วนผมทีแรกก็ว่าจะขึ้นไปด้วยเหมือนกันแต่บังเอิญท้องเสียขึ้นมาอย่างกะทันหันก็เลยต้องวิ่งเข้าป่าไม่ได้วิ่งขึ้นไปด้วยจอมพลานพยักหน้าเนิบเนิบซ่อนยิ้มไวสังเกตไปทางที่พี่น้องราชสกุลทั้งสอง เนการพาซื่อไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรด้วยทั้งสิน้นว่าในขณะที่ตนสองคนพี่น้องขึ้นไปเยี่ยมนักพรตผู้ทรงศีลบนหน้าผานั้นเบื้องล่างมีเรื่องตื่นเต้นอะไรขึ้นจนถึงขั้นที่ชายันจากฟ้าปืนไล่ยิงเจ้านีลาตัวดีรอนถึงบุญคำต้องเข้ายึดยุดห้ามปรามไว้ได้รับอาสาปีนยอดไม้ขึ้นไปเอาเสื้อกางเกงให้ส่วนพลานของเขาอื่นๆนอกนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เลย เพราะถึงยังไงบุญคําก็คงไม่เล่าให้ฟังนอกจากจะแอบมากระซิบบอกเขาคนเดียวเท่านั้นเพราะปกติไม่เคยปกปิดเจ้านายอยู่แล้วพระเบนสายตาไปจับอยู่ที่มารียอีกครั้งก็เห็นหล่อนลอบทําจมูกย่นให้นิดนึงโดยไม่มีใครเห็นพรุ่งนี้เราจะเริ่มออกเดินทางจากที่นี่ตราวสามโมงเช้าและก่อนหน้านั้นจะขึ้นไปกราบลาท่านกุลทัญญามุนีพร้อมกับขอพรเพื่อความเป็นสวัส์ดีมงคลคุณเห็นเป็นไง หัวหน้าคณะเอ่ยมาอีกเหมือนจะควางความเห็นจากเขาก็ดีครับแต่ว่าอาการของวายาล่ะครับเป็นยังไงบ้างประโยคหลังเขาหันไปถามหมอดาริมทางมองไปทางวายาซึ่งยังนั่งเอเ ต, ตอยู่บนแท่านหินไม่ห่างออกไปนักทางกลางบริวารลิงที่แห่แหนเฝ้าล้อมดูดูเหมือนวายาจะพูดจาสนทนาอะไรอยู่กับเหล่าทหารวานอนผู้ใกล้ชิดของเขาเช่นกันก็คงไม่ต้องห่วงอล้ว บาดแผลที่เย็บไว้ติดกันได้อย่างรวดเร็วดีมากไม่มีอาการอักเสบหรือเกิดอาการอื่นๆแทรกซ้อนเลยสงสัยว่าพระอาจารย์ของเขาจะนั่งทางในช่วยเหลือลูกศิษย์อยู่ด้วยไม่งั้นก็คงไม่ค่อยยังชั่วเร็วขึ้นถึงเพียงนี้หรอกฉันน่ะไม่ได้รักษาอะไรเข้ามากไปกว่าช่วยเย็บแผลให้เข้าชิดกันเพื่อป้องกันไม่ใไส้ไหลออกมาเท่านั้นอื่นๆนะ่ะธรรมชาติในตัวช่วยเขาเองรวมทั้ง น่าจะเป็นอำนาจทางปฏิหารของฤาษีโกนธัญญะด้วยล่ะและนี่เราบอกวายาแ ล, แล้วหรือยังล่ะครับวัพรุ่งนี้เราจะลาจากเขาไปทุกคนดูเหมือนจะเพิ่งนึกขึ้นมาได้เฉถาจึงชวนผู้ที่ร่วมวงสนทนาปรึกษาหารือทั้งหมดเว้นจากพวกพรานพื้นเมืองเข้าไปยังแท่นของวายาเมื่อเห็นคณะของอาคันตุ ก, กะมนุษย์พากันเคลื่อนตรงเข้ามาใกล้พวกบริวารลิงดำทั้งหลายก็หลีกทางออกไป เชฐาชายันดารินมาเรียและระพินพากันสุดกายลงนั่งบนแท่นหินกันกว้างใหญ่ของจอมวานอรซึ่งขยับกายขึ้นต้อนรับอย่างยินดีกับรี่กระเป๋าวายาดีใจที่แงซายและท่านปลอดภัยเจ้ากรุงขิดขินหรือมนุษย์ในยุคต้นประวัติศาสตร์เพียงคนเดียวในท่ามกลางไพร่ฟ้าประชากรที่เป็นชาติวานอรเอ่ยปฏิสันฐานขึ้นกับระพิน เป็นประโยคแรกด้วยเสียงอันดังก้องกังวานขอบใจมากวายาและทางพวกเราทุกคนก็ยินดีที่ได้มาพบเจ้าตลอดจนมีโอกาสได้เกื้อกูลช่วยเหลือกันไว้ในครั้งนี้เราได้ทําตามที่ให้สัญญากับเจ้าไว้เรียบร้อยดีแล้วนะคือช่วยปราบตัวสามเขาศัตรูร้ายของพวกเจ้าสิ้นสุดลงและพรุ่งนี้พวกเราทั้งหมดก็จะขอลาจากเจ้าไป จอมวานอนแหลจ้องมาที่เขาแล้วละสายตาเปลี่ยนไปยังทุกคนที่นั่งแวดล้อมอยู่ด้วยอย่างอะไรครั้งสุดท้ายสายตานั้นมาจับนิ่งอยู่ที่ดารินวายาเข้าใจดีและไม่อาจเหนี่ยวรั้งพวกท่านไว้ได้บุญคุณที่ท่านทําไว้แก่วายาและชาวภูเขานในหลักการจะจารึกอยู่ในความทรงจําตลอดไป โดยเฉพาะนายหญิงผู้เป็นหมอรักษาชีวิตวายาให้รอดในครั้งนี้ดาริงยิ้มรื่นอยู่ในสีหน้าเอื้อมมือมาจับแขนประมุขแขวงเมืองลิงไว้บีบเบาๆวายาพวกเราทั้งหมดทำการช่วยเหลือใดๆเจ้าและพวกเจ้าไปแล้วนะไม่ได้คิดหวังให้เป็นบุญคุณอย่างไรทั้งสิ้นนะนอกจากทำตามหน้าที่ซึ่งเราได้เกิดมาร่วมโลก และปรารถนาซึ่งไม่ตรีจิตกันเท่านั้นทางฝ่ายเจ้าก็ได้การต้อนรับแก่เราเป็นที่ประทับใจยากที่จะลืมเลือนได้เช่นกันขอให้เจ้ามันระวังรักษาตัวให้หายเป็นปกติโดยเร็วเถอนะอาการของเจ้าน่ะปลอดภัยแน่นอนแล้วเหล่าท่านจะจากภูเขานิ่หลักการไปรยามตะวันรุ่งเนอเชิฐาก้มศรีรษะลงถูกละววายา เราทั้งหมดจะออกเดินทางจากที่นี่เวลาพระอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้เราจะกล่าวคําลาแก่กันอีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นว่ายานิ่งไปครู่หนึ่งมีอะไรที่วายาจะรับใช้ท่านได้บ้างจงบอกเถดทั้งห้าคนมองดูหน้ากันเหมือนจะหารือแล้วรพินก็บอกว่าวายาเราไม่ต้องการรบกวนอะไรเจ้ามากนักหรอกนะ ขอแต่เพียงสเสบียงที่จะนำติดตัวไปประทังชีพระหว่างทางพอที่เราจะขนไปได้แค่นั้นก็พอละจอมว่านอนยิน้มทำให้ใบหน้านั้นดูใกล้เคียงกับคนธรรมดามากขึ้นวายาสั่งให้นีลาจัดเตรียมพร้อมไว้ให้แก่ท่านอย่างดีที่สุดไม่ว่าท่านจะมีกำลังขนไปได้สักเท่าใดขออย่าห่วงเลยเรื่องนั้นเท่าที่รู้ เราท่านจะบายหน้าไปยังเนินพระจันทร์ว่ายาเป็นห่วงว่าท่านจะไปได้ถูกทางหรือไม่เท่านั้นหากท่านไม่แน่ใจยังไงว่ายาจะให้นีลานำทางไปจนถึงที่ไม่ต้องรอกระพินถ้าคือในแอนีลาร่วมทางไปด้วยแม้จะในฐานะมักุเทศก็ตามผมว่าผมกับมันน่ะมีหวังไปฆ่ากันตายก่อนถึงเนินพระจันทร์ ชั ย, ยันขัดโคลงมาโดยเร็วจอมพรานกลั้นหัวเราะจนหน้าแดงส่วนดารินงงหันไปขมวดคิ้วถามเพื่อนชายเสียงสูงอะไรกันชั ย, ยันบ้าจริงฉันมองไม่เห็นเหตุผลเลยนะในข้อที่เธอว่าทำไมถึงถึงจงเกลียดจงชังเจ้านีลานะักชั ย, ยันก็บอกเสียงหนักๆในลำคอพร้อมกับขยี้ปลายจมูกอย่างหงุดหงิดว่าเหตุผล <ate> <p on> นะ่ะมันมีแต่ไม่อยากบอก มารีอฮอปมันลอบหยิกที่ต้นขาชา ย, ยันโดยแรงแต่วางหน้าเฉยซะทำเป็นไม่สนใจกระถ้อยคำใดๆของชา ย, ยันทั้งสิน้นเชื่อทาก็ไม่ใส่ใจกระถ้อยคำของสหายซึ่งเขารู้นิสัยดีว่าชอบพูดอะไรเป็นเล่นอยู่ตลอดเวลาหันไปพูดกับเจ้าเมืองลิงดำว่าเราขอขอบใจเจ้าอย่างยิ่งนะวายาในความปรารถนาดีครั้งนี้แต่ไม่จาเป็นจะต้องให้นีลาเดือดร้อนเป็นภาระถึงเพียงนั้นหรอก เส้นทางจากภูเขานิลาการจนถึงเนินพระจันทร์เรามั่นใจว่าเดินไปได้ถูกโดยไม่หลงอีกอย่างหนึง่งนิลาก็เป็นทหารเอกคู่ใจที่ใกล้ชิดกับเจ้าที่สุดในขณะ น, นี้แล้วเจ้าเองก็กําลังเจ็บป่วยอยู่สมควรที่นิลาจะดูแลอยู่ใกล้ชิดเราขอแค่สเสบียงจากเจ้าตามที่พรานใหญ่บอกไว้เท่านั้นก็พอแล้วและถ้าเจ้าคิดจะช่วยเหลือเราก็ช่วยแนะแนวทางบอกความกระจ่างให้เท่านั้น เราต้องการแค่ข่าวนายใหญ่ต้องการข่าวอะไรจากวายาละ่ะสิ่งที่เจ้ารู้แต่ยังไม่ไม่ได้บอกเราไงวายาก็บอกกับท่านไปหมดสิ้นแล้วเท่าที่รู้เกี่ยวกับชายสองคนที่เดินเคยเดินทางผ่านมาเชื่อถามองไปทางระพินผู้ ก, กองคุณคิดว่าจะถามอะไรวายาบ้างละ่ะมันอาจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เรามีเวลาสนทนากับเขาก่อนที่จะบอกอำลาพรุ่งนี้ และคนที่ควรจะได้ความจริงจากข้ามากที่สุดก็คือคุณครับวยาจอมพรานเริ่มขึ้นอย่างระมัดระวังขณะที่แล่นิ่งไปยังดวงหน้าอันกระด้างครึ่งลิงครึ่งคนนั้นเราจะขอทราบอะไรจากเจ้าเพียงสองสาข้อเท่านั้นแหละถ้าหากเจ้ารู้และสามารถให้ความจริงกับเราได้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเรามากยิ่งกว่าการช่วยเหลือใดๆที่เจ้าตั้งใจจะให้แกเราทั้งสิ้นนะถามมาเถึกพรานใหญ่ ท่านต้องการรู้อะไรวายาจะบอกท่านเท่าที่รู้และเท่าที่ฤษีโกนทัญญะจะเปิดลิ้นให้วายาพูดได้คือเราอยากจะรู้ว่าระหว่างทางจากภู้ของนิลการจนถึงเนินพระจันทร์พอจะหาอาหารได้บ้างหรือไม่สภาพของเส้นทางจะอุดมสมบูรณ์หรือแห้งแล้งกันดานประการใดบ้างพรนใหญ่เรื่องนี้นะท่านไม่ต้องกังวลเลยหรอกตลอดเส้นทาง ท่านจะพบสัตว์และพืชที่เป็นอาหารได้อย่างอุดมสมบูรณ์แต่เหนือเนินพระจันทร์ขึ้นไปสู่เทือกขุนเขาพระศิวะอันหาที่สิ้นสุดมิได้นั้นวายาไม่อาจรับรองได้เพราะเป็นเขตแดนที่วายาเองก็ไม่เคยล่วงถึงระพิมเม้มริมฝีปากนิดหนึ่งพยักหน้าอย่างพอใจขอให้รู้เพียงเท่านี้เขาก็อุ่นใจได้แล้ว นี่วายาเจ้าเคยบอกกับเราไว้ว่าเจ้าเคยท่องเที่ยวไปจนถึงเนินพระจันทร์อย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วพรานใหญ่วายาเคยไปถึงที่นั่นแล้วเจ้าเคยแรมคืนนอนอยู่บริเวณ น, นั้นบ้างไหมละ่ะในคืนที่พระจันทร์เป็นรูปเซี่ยวอย่างนี้พร้อมกับพูดจอมพรานเอามือเขียนลงกระแท่นหินเป็นพระจันทร์ข้างขึ้นรูปคิวนางให้วายาดู จอมวายาทำท่าคิดแล้วสั่นหัวพรานใหญ่วายาเคยไปนอนอยู่แถบนั้นแต่เป็นคืนเดือนมืดสนิทไม่มีเงาพระจันทร์ผลูให้เห็นเลยละ่ะขาไม่มีประโยชน์หรอกกระพินที่จะตะล่อมเข้าสู่จุดนั้นดารินกระซิบบอกมาเบาๆพร้อมกับถอนใจพระจันทรูปเคียวหรือรูปปิ่นพระศิวะ มันปรากฏอยู่ที่นั่นในทุกๆวันขึ้นห้าค่านั่นแหละแต่อย่าลืมนะว่ามันจะต้องเป็นคืนห้าค่าของเดือน12ตามที่ลายแทงระบุไว้สมมุติว่าวายาจะเคยไปนอนพักที่นั่นในคืนขึ้นห้าค่าจริงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะเป็นคืนห้าค่าของเดือน12ที่เราต้องการทราบสันฐานลักษณะเพราะปีเดียวมีอยู่คืนเดียวเท่านั้นมันเป็นความจริงตามที่หมอดารินพูด เลื่อนลอยเกินไปในการที่จะสอบถามอะไรได้จากวายาในเรื่องนี้เจะอยู่ในถินนี้มานานเหนือวายาเขาพยายามถามต่อไปในอีกประเด็นหนึ่งและเป็นคำถามสุดท้ายเจ้าเคยรู้มาบ้างไหมว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งซ่อนอยู่ในหุบเขาพระศิวะเป็นเมืองของมนุษยชาติวายาไม่เคยรู้เรื่องเมืองมนุษย์ในหุบเขาพระศิวะที่ท่านว่านี้เลย วายาก็ได้บอกกับท่านแล้วว่าผลจากเนินพระจันทร์ขึ้นไปวายาไม่เคยได้ไปถึงถ้างั้นผมก็หมดคำถามได้แลครับทุกสิ่งทุกอย่างในความสงสัยอยากรู้ของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องเดินทางไปค้นคว้าเอาเองซึ่งมันก็อยู่ไม่ไกลข้างหน้านี้นะักระพินไพรวันบอกแกนายจ้างของเขาอถ้าอย่างนั้นก็นอนได้แล้วแล้วขอให้หลับให้สนิท แต่หัวค่ําสักคืนเถอะนะเชิดถามว่าต่างพระจากแท่นของวายาถอยกลับมายังที่นอนภายหลังจากพูดอะไรกันอีกคำสองคาก็เข้าประจําที่นอนเชิดถาชายันและดารินอ่อนใจมาหลายเพลาแล้วอยากจะพักนอนโดยเร็วที่สุดสําหรับคืนนี้ส่วนมาเรียเรียกเจ้าสมุนคู่ใจมาช่วยบีบนวดตามขาและนอกพักใหญ่ท่ามกลางความเงียบสงับ เมื่อสังเกตเห็นว่าพรานใหญ่และคนอื่นนอนหลับกันหมดแล้วนอกจากแง่ซายคนเดียวที่นั่งกอ่อไฟอีกกองหนึ่งอยู่ปากเพิงถ้าตามลำพังหล่อนก็อนุญาตให้เจ้าสางปา น, นอนได้ตนเองลุกขึ้นเดินจรดฝีเท้าเข้ามาหยุดยืนหยุดรงหน้าแง่ซายกำลังเข้าพะวงมองดูเปลวไฟแลบเลียอยู่ในกองเหลือตาขึ้นมองก็เห็นเงาตรงานงดงามไปด้วยสเสน่ห์ของอิทธิเพศ ราวกับจะมีวิญญาณของเจ้าแม่ประลุมโลกเข้ามาสิงสถิตยอยู่ร่างนั้นยืนกอดอกเอียงคอมองอยู่โดยสายตาเป็นประกายคมลึกยากที่จะอ่านความหมายต่างฝ่ายต่างประสานสายตากันเงียบๆไงคุณอักษรศาสตร์บันดิตจากบอมเบยูนิเวอร์ซิตี้นี่คุณจะไม่ยอมมีมารยาทกับสุภาพสตรีที่มายืนหยุดรงหน้าถึงอย่างนี้ทีเดียวเหรอ ร่อนเอ่ยเบาๆเป็นภาษาอังกฤษใสเหมือนผ่านออกมาจากลำโพงไฮไฟไงสายเหลือไปทางเบื้องหลังอย่างอึดอัดใจแล้วบอกออมเสียงเป็นภาษาพม่าว่าเชนั่งครับคุณนายฮอกมันมาเรยิ้มเลี่ยนเลี่ยนสุดกายลงนั่งบนก้อนหินตรงข้ามใกล้ๆฟักกล้นสิ่ก้าออกมาคาบเน้นในฟันแถวหน้าเจ้าหนุ่มพระเนจรผู้ลึกลับ หยิบกิ่งฟืนติดไฟใส่ส่งไปลนต่อให้หลอนเป่าควันกระจายไปกับสายลมเยือกที่พิ้วผ่านปากถ้ำเข้ามาก่อนจะพูดนี่ฉันพูด ก, กับคุณในภาษาอังกฤษแต่ทำไมคุณถึงตอบฉันเป็นภาษาพม่าล่ะก็ไม่เป็นปัญหาหรอกลรับข้อนั้นสำคัญให้เราพูด ก, กันรู้เรื่องเท่านั้นแหละคำตอบยังเป็นภาษาพมา่าอยู่ตามเดิม จำได้ไหมครั้งหนึ่งคุณเคยขอร้องฉันไว้ว่าอย่าให้ฉันแพร่งพรายบอกภูมิหลังของคุณให้พวกเราคนหนึ่งคนใดทราบแน่นอนครับผมจำได้ผมขอร้องคุณไว้อย่างนั้นและจนกระทั่งบัตรนี้ฉันก็ไม่เคยปากบอนบอกใครเลยนะทั้งๆที่คันปากคันใจเต็มทีครับนี่เป็นสิ่งที่ผมนิยมและนับถือคุณมากเค่ละครับ เงายายเบนสายตาขึ้นศบอีกครั้งและจ้องประสานสนิทพร้อมกันยิ้มให้รอ ย, ยิ้มชนิดนั้นทำให้หัวใจอันหนักเหมือนผู้ชายของแม่ตาสีผักตกสั่นไหวอย่างประหลาดแสงไฟในกองที่ส่องวับแวบแลบเลียอยู่กระทบผิวหน้าสีทองแดงนั้นดูราวกับเท พ, พระบุตรกริหล่อนบอกกับตนเองอยู่ในใจคุณเป็นคนมีสัจจาจาน่ารัก ผมไม่เชื่อมาก่อนเหมือนกันนะครับว่าคุณจะเก็บความลับนี้ไว้ได้ตลอดมามันเพียงแต่ผมขอร้องและคุณก็รับคำเท่านั้นแต่สักวันหนึง่งฉันก็จะต้องบอกแกคนเหล่านั้นตามจริงครับก็ขอเป็นวันเดียวกับที่ผมเต็มใจจะคุณเปิดเผยออกไปด้วยก็แล้วกันผมไม่คิดนะครับว่าผมจะมีความสามารถปิดบังเขาทั้งหลายได้ตลอดไปหรอกตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ ดูเหมือนเราไม่มีโอกาสจะได้พูดกันตัวต่อตัวตามลำพังอย่างนี้เลยนะก็ไม่มีความจําเป็นนักไม่ใช่เหรอครับนี่แง่ทรายคุณเรียนแบบวิธีการพูดหรือลักษณะกิริยาได้ใกล้เคียงกับไพรวันมากนะโดยเฉพาะในเวลาอยู่ต่อหน้าผู้หญิงสองต่อสองแง่ทรายคงยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นยิ้มชนิดนี้ผิดไปเป็นตรงข้าม กับอาการยิ้มแบบแยกเคี้ยวเห็นฟันขาวอย่างที่ทุกคนเคยเห็นและดูเหมือนจะมีมาเรียฮ อ, อกมั่นเท่านั้นที่ได้มีโอกาสเห็นอยู่คนเดียวหาไม่ได้ครับผมคิดว่าผมสุภาพและเอาใจสุภาพสตรียิ่งกว่าผู้กองระพินมากนักนะครับเพราะผมไม่เคยคิดว่าผู้หญิงจะเป็นศัตรูที่ทําให้ผมต้องเจ็บปวดอย่างที่ผู้กองก็เคยประสบมาแล้วนี่ถามจริงเถอะแงซทาย คุณพิจารณาฉันเป็นยังไงร่านมากไหมแล้วคุณก็เป็นผู้ชายประเภทถ น, นอมดอกพิกุลเกรงจะร่วงเหมือนอย่างไพลวันหรือเปล่าผมคิดว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่หานุภาพแรงมากจนขนาดคนที่ถ น, นอมดอกพิกุลอย่างผู้กองระพินบางขณะก็ยังต้องยอมให้ดอกพิกุลน่วร่วงเหมือนกันไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่คุณต้องการแล้วคุณจะไม่ได้ มาเรียเอามืออ่างไฟแล้วนำมันแนบไว้ที่ใบหน้าก็คุณยังไงล่ะก็ไม <or> ่แน่นักนะครับถ้าผมไม่ติดขัดอะไรขอความกรุณาเถอะครับเมย์ประโยคหลังแง่ทรายเอ่ยนามนั้นอย่างสนิทสนมปลดละเว้นผมด้วยนะครับผมต้องการเป็นแง่ทรายในสายตาของนายจ้างจนถึงวาระสุดท right ้าย ผมไม่กลัวดอกพิกณจะร่วงอย่างผู้กองระพินหรอกถ้ามันร่วงหล่นลงไปเกลือกกลัวกับความน่าสเสนหาของคุณแต่ผมเสียดายความเชื่อมั่นศรัทธาของเจ้านายทุกคนที่มีไว้ให้แกผมเสียดายเท่าๆกับชีวิตถึงคนอื่นจะไม่รู้แต่ผู้กองก็จะต้องรู้อยู่วันยังค่ำในขอบเขต12ชีวิตของพวกเรานี่ไม่มีสิ่งใดที่จะพ้นไปจากการรู้เห็นจับสังเกตของเขาไปได้หรอก คนคนนั้นน่ะมีหูเหมือนผีมีจมูกเหมือนมดในป่าแต่ถ้าอยู่ในเมืองคอนกรีตสมตรรถภาพในด้านนี้ของเขาอาจลดน้อยลงป่านนี้นอนหลับครอบไปแล้วมาเรียแผ่วเสียงปลายสหางตาไปทางกลุ่มพักพวกที่นอนเรียงรายกันอยู่ในส่วนที่ลึกเข้าไปของเวงถ้ำใหญ่ไงไซ ส, สันสีสระชาพนันกันก็ได้ครับ ว่าขนาดนี้นะเขากำลังจับสายตาอยู่ที่คุณกับผมคุณกลัวเขานักเหรอมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าผมกลัวเขาหรือไม่หรอกนะครับแต่มันไม่เป็นความดีงามสำหรับผมเองเลยสมมติว่าขณะนี้ผมเกิดหน้ามืดทำอะไรคุณขึ้นมาก็รับรองได้ว่าผู้กองระพินจะไม่ลุกขึ้นมาขัดขวางเลยนอกจากนอนดูอยู่เฉยๆถ้าคุณไม่ร้องขึ้นก็แน่ละสิ เขเกลียดฉันอย่างกะอะไรดีอ่ะมาเรียกกระแทกเสียงทมเซซิก้าที่ติดอยู่ริมฝีปากออกเหมือนจะทมอารมณ์ของตนเองผมไม่เคยเห็นผู้กองเกลียดอะไรสักอย่างนะครับนอกจากบางขณะเขาอาจจะเกลียดตัวเองที่เขาทําเป็นเกลียดคนโน้นชังคนนี้แต่ความจริงน่ะเปล่าเลยเเกลียดตัวเองแต่หากเกลียดที่ตนเองเกิดมาเป็นคนอาภัพอับโชคไง คุณพูดยังกับเป็นตัวเขาเองผมรู้จักเขามานานนะครับซึ่งตัวเขาเองก็คงไม่ทราบหรอกว่าผมรู้จักเขาเพียงไหนว่าแต่นี่นะขอให้ผมถามอะไรคุณตรงๆบ้างได้ไหมอ่ะก็ลองถามมาสิคุณรักผู้กองหรอครับฉันไม่เคยรักใครแค่ชอบเท่านั้นแล้วความชอบของฉันก็แบ่งออกไปได้หลายประเภทหลายชนิด เป็นต้นว่าชอบนายทหารช ย, ยันก็เพราะไปหลงป่าใกล้ชิดกันตามลํพาพังอยู่สองต่อสองยามอารมณ์เปรี้ยวชอบผู้กองระพิน์ก็เพราะเห็นว่าเขาไม่เคยสนใจกับผู้หญิงและรู้ว่านายหญิงชอบผู้กองอยู่ก่อนแล้วก็เลยคิดจะลองดีใช่ไหมคุณนี่เป็นนักกิตวิทยาชลเลอทีเดียวนะแง่ทรายเป็นนักเสียดสีเน็บแนมปากจัดก็เท่านั้นอะทีนี้ลองบอกมาบ้างสิ ที่ฉันชอบใครสักคนหนึ่งที่ซ่อนคราบอยู่ในตัวของเจ้ากระเหี่ยงพนเจนจรนามว่าแง่ทาย เ, เพราะอะไรก็คงเพราะอยากจะลองน่ะแหละครับไม่ใช่หรอกเพราะคุณเป็นคนรูปลอรู้ตัวบ้างไหมคุณเป็นคนรูปลอมากนะฉันไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนรูปร่างหน้าตาดีอย่างคุณมาก่อนเลยแม้ว่าคุณจะอยู่ในคราบของคนป่าโหโห เงยสายอุทานเบาๆเบิกตาขึ้นนิดนึงนี่ถ้าสมมุติว่าผมยอมตามคุณไปทุกขนทุกแห่งคุณจะเลี้ยงผมไปนานนักเท่าไหร่นะเพเมกก็มาเรียหัวเราะในตาพราวก็คงจะนานทีเดียวละจนกว่าจะพบใครที่ถูกใจมากกว่าผมใช่ไหมละ่ะถ้าฉันไม่โกหกหรือหลอกลวงคุณมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรอ ว่าแต่คุณจะยอมไม่ฉันเลี้ยงไม่ล่ะก็แล้วนายทหารชายันคุณจะเอาเขาไปไว้ที่ไหนนั่นนะไม่สำคัญรอกแง้ทรายพอถึงเมืองคอนกรีตเมื่อไร่เขาอาจจะลืมซะด้วยซ้ำว่าเคยมีอะไรกับฉันก็ไม่แน่นะเมย์เขาอาจรักคุณจริงๆก็ได้และวิธีที่ถูกต้องที่สุดก็คือผู้หญิงควรจะอยู่กับคนที่เขารัก แล้วก็คอยตามหึงหวงทุกตีทารุณกรรมฉันเหมือนอย่างที่ฉันเคยถูกเขาทำมายังมาแล้วอย่างนั้นเน่ยไงชายสุนฟืนเข้ากองไฟคุณรู้ไหมเมย์ในมรกรกนครผู้หญิงมีหน้าที่จะต้องเป็นสมบัติของชายเพียงคนเดียวเท่านั้นในระหว่างครองชีวิตอยู่ด้วยกันห้ามเพื่อแพร่แบ่งร่างกายของตนเจือจานไปให้ชายอื่น ถ้าหญิงใดประพฤติผิดไปจากนี้มีกฎให้ชายผู้เป็นสามีผ่าอกควักหัวใจออกมาสับได้ฮึแล้วผู้ชายเมืองมรกรนครโงงงั่งเหมือนคุณทุกคนไหมและโดยไม่ปราถนาที่จะฟังคำตอบแม่สาวเลือดผสมระหว่างเยอรมันและฝรั่งเศสก็ลุกขึ้นช้าๆเดินทอดนองผ่านกองไฟออกไปกลางลานโล่งของปากค้า ข้ามกลางลมหนาวเสียงท่อนขาอูดและปลีเนื้อที่ตะโพกเสียดสีลั่นเอียดขณะที่หลอนยุระญาตออกไปราวกับนางเสือดาวเงยสายมองตามร่างนั้นไปอย่างสงบจนกระทั่งกลืนหายไปในเงาหมอกนอกปากถ้ำโดยไม่ได้ขยับเขยื่อนไปจากที่เดิมมารยาหายไป อ, อึดใจเต็มเต็ม เจ้าองครักษ์พิเศษของดารินก็ยังคงสนิทนิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อนอยู่เช่นนั้นบัตรนั้นเองเงาของใครคนหนึ่งในกลุ่มที่นอนเรียงรายกันอยู่ก็ค่อยๆดึงกายขึ้นนั่งอย่างอดทนทนอยู่ไม่ได้ร่างนั้นลุกเงียบๆเดินตรงเข้ามาที่เจ้าคนยอดไขสือผู้ซึ่งแม้จะเห็นใครมายืนคำหัวมองอยู่ก็ยังแกล้งทาเป็นเกลียไฟเฉยจนกระทั่งถูกปลายเท้าของอีกฝ่ายหนึง่ง เขียที่หัวเขา่าจึงเงยหน้าขึ้นเลิกคิ้วเหมือนจะถามนายแม่ออกไปไหนไม่ได้บอกผมครับก็แล้วทำไมไม่ตามออกไปดูเล่าเสื้อทาเฉยอยู่ทำไมก็ถ้าผมตามออกไปผู้กองก็นอนสบายไปเท่านั้นนี่เห็นจะไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่หรือครับผมคิดว่าถ้าผู้กองไม่อยากรับภาระ ก็ปลูกนายทหารดีกว่าสำหรับสถานการณ์เช่นนี้ระพินเตะพละกเขาให้โดยไม่พูดคำใดอีกทั้งสิน้นแง่ทรายก็ไม่พูดคำใดเหมือนกันเพียงแต่หลีตายนิดนึงยกแขนปิดไตนันไว้ได้อย่างทันกันพรานใหญ่หันไปคว้าไรเฟินแล้วสาวเท้าตามออกไปที่นั่นมาริอาฮอฟมันยืนกอดอกอัดควัซิ ก, ก้าอยู่ริมก้อนหินใหญ่พอสังเกเสียงฝีเท้าแผ่วเบามาหยุดอยู่เบื้องหลัง ก็ชะไม้หางตากลับมาหลอนตกใจเล็กน้อยเมื่อเห็นระพินไพรวันหันกลับมาเผชิญหน้าทันทีไพรวันผิดค่าจะไม่มีสาหรับการอ่อยเหยื่อรายนี้หมายความว่าไงแม่สาวเลือดร้อนร้องออกมาเบาๆคงนึกสินะว่าแงซสายจะตามออกมาแปล่ามันไม่ตามออกมาให้ง่หรอกขนาดผมใช้มันยังไม่ยอมลุกเลยมาเรียถอนใจเบาๆ ประสานแขนทั้งสองกอดอกหย่อนตะโภกพิงพักบนโขดหินเตี้ยอัเยนเย็นเฉียบด้วยละอองหมอกมองดูเขาอย่างพินิษนิ่งไปชั่วขณะถ้างั้นก็แปลว่าจริงตามที่แงซรายบอกฉันแต่ฉันก็อยากจะลองดูเหมือนกันก็เห็นจะต้องเป็นฝ่ายถามมั้งละว่าหมายความว่าไงเมแม่สาวคอไหลนิดหนึ่งยกก้นซิก้าที่ถือคีบอยู่ในนิ้วขึ้นดูด ลึกแล้วเป่าออกใส่อกเขาก็แง่ใจน่ะเขาบอกฉันว่าไม่มีอะไรในเขตแคมป์ของเราหน่จะรอดพ้นไปจากสายตาการรู้เห็นของคุณได้เลยถ้าคุณอยู่ในลักษณะบกติสภาพงั้นเลยก็คุณอยากจะทําอะไรที่พ้นจากการรู้เห็นของผมบ้างไหมล่ะไพรวนมาเรียนเน้นเสียงเรียกเขาหนักแน่นชัดเจน ขอโทษเธอนะถ้าจะพูดว่าคุณเสือกตามฉันออกมาทำไมไม่ต้องขอโทษก็ได้เมยแล้วผมก็ไปโกรธคุณหรอกที่ใช้คำพูดแรงๆอย่างนี้แต่คุณก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าผมมีหน้าที่รับผิดชอบต่อทุกชีวิตของพวกเราทุกคนคุณอยากจะให้เแอง่ทรายมันตามคุณออกมาแต่นั่นมันก็ไม่สนใจในการให้ท่าของคุณจะด้วยดิมิหนาซ้ำยังปล่อยคุณออกมาตามลาพัง มันก็เลยต้องเดือดร้อนถึงผมอยู่วันยังค่ำแล้วฉันอยากจะรู้นะว่ามีใครต้องลำบากเดือดร้อนไม่ทราบในการที่ฉันเดินออกมาตากลมที่นี่นี่เมถ้าคุณบอกผมจะตามตรงว่าถ้าผิดหวังจากแง่ทรายคุณอยากจะสมาคมกระลิงตัวผู้ของที่นี่ให้มันสะใจโดยไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นผมก็จะกลับเข้าไปเดี๋ยวนี้ล่ะ มาเรียถอดถุงมือหนังออกอย่างบรรจงแช่มช้าแล้วง้างมืออันเปล่าเปลือยข้างนั้นขึ้นตบใบหน้าของเขาดังฉาดไม่แรงและไม่เบาเกินไปนะักระพินไพรวันสะบัดหน้าไปตามแรงตบนั้นนิดนึงส่วนคนตบภายหลังเมื่อตบแล้วก็สวมถุงหนังด้วยอาการเงียบๆตามเดิมพรานใหญ่นิ่งและหล่อนก็นิ่งเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลย นานเท่านานหล่อนเบือนหน้าจากเขามองเมินไปทางอื่นระพินก็พูดขึ้นด้วยเสียงราบเรียบเป็นปกติเมกลับเข้าไปถอะถึงแม้ว่าคุณจะไม่นอนก็ตามนี่คุณไม่สงสารผมบ้างเหรอผมยังไม่หายป่วยดีนักนะพรุ่งนี้เราก็ยังต้องออกเดินทางต่อไป คุณคงไม่ใจร้ายมีเจตนาทรมานให้ผมต้องมาเฝ้าระวังดูแลคุณอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอหลอนหันมาสบตาน้ำตาคลอพร้อมกันยิ้มห้ก็น่าอยู่หรอกนะที่น้อยจะยอมมอบดวงใจของเขาทั้งหมดให้แก่คุณคุณเป็นคนดีจริงๆไพวันฉันอิจฉาน้อยหรือเกินนี่เมอย่าพูดอะไรให้ผมเศร้าไปกว่านี้ดีกว่า ไม่มีผู้หญิงคนไหนในโลกนี้หรอกที่จะมามอบดวงใจให้แก่ผมหมดอย่างที่คุณพูดแม้แต่ตัวคุณเองผมรู้ตัวดีว่าผมคือใครแล้วก็อยู่ในฐานะไหนทำไมคุณไม่ปลุกชัยยันบอกให้เขาตามฉันออกมาในเมื่อคุณก็เห็นแล้วว่าแง่ า, ายเมินเฉยต่อฉันไม่ควรลำบากเป็นภาราเซเองเลยนะครับผมก็เชื่อ ว่าคุณช ย, ยันคงยินดีและเต็มใจที่สุดถ้าหากคุณอยากจะหาเพื่อนแก้เหงายามที่คุณนอนไม่หลับนี่สักคนหนึ่งแต่ผมไม่อยากจะปลุกเขาเขาควรจะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ก่อนการเดินทางหนักพรุ่งนี้นะครับและที่อุตส่าห์ลงทุนออกมาตามฉันนี่นะคุณไม่ได้กลัวน้อยจะตื่นขึ้นมาเห็นและเข้าใจผิดหรอเหรอผมถือความบริสุทธิ์ใจและหน้าที่เป็นที่ตั้งนะ ถึงคุณหญิงก็เหมือนกันถ้าเธอรู้ว่าคุณเกิดร้อนรุ่มกลุ่มจิตปรีตัวออกมาจากที่นอนมาตากละอองหมอกคนเดียวอยู่เช่นนี้แล้วผมตื่นแต่ไม่ออกมาทักท้วงห้ามปรามหรือออกมาคอยพิทักษ์ยให้กับคุณผมว่าเธอก็คงไม่ชอบแน่ผมหวังจะพึ่งแง่ทายก็พึ่งไม่ได้มันคอยเล่นเหลี่ยมอยู่กับผมเรื่อยมันชอบแกล้งผมอะ่ะ ประโยคหลังเป็นคำสารภาพเปิดใจกันอย่างชนิดที่มาเรียได้ยินแล้วให้เวทนาจับหัวใจชายคนนี้ช่างน่าสงสารจริงๆในหน้าที่ภาระที่เขารับผิดชอบอยู่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและเข้มแข็งที่สุดเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ความเสียสละและสำนึกในหน้าที่นี่เองแต่ผู้หญิงอื่นใดที่ไหนเล่าจะมองเห็นได้ถ้าไม่มาร่วมชีวิตคลุกคลีใกล้ชิดกัน ในสภาพเช่นนี้คิดได้เช่นนั้นทำให้หัวใจอันเล่าร้อนกระวนกระวายใจยังหายเหตุผลไม่ได้ของหล่อนเศราสงบลงมีความรู้สึกอยากจะโผะเข้าไปซบอยู่กับอกและจูบเขาทําไมห่วงว่าตนเองจะเป็นผู้ทําให้ชายผู้นี้มีมนต์ทิมมาเรียสัญญาไว้กับตนเองแล้วว่าหล่อนจะไม่สร้างความเดือดร้อนทุกข์ใจใดๆให้แก่เขาในด้านนี้อีกต่อไป เอาละฉันจะไม่เปิดโอกาสให้แงซายแกล้งคุณได้ไม่ว่าทางใดทั้งนั้นพร้อมกับกล่าวด้วยสุ้มเสียงที่บังคับให้ราบเรียบเป็นปกติเช่นนั้นมาเรียออกเดินบ่ายหน้ากลับเข้าปากถ้ำระพินตามอย่างสงบมาทางเบื้องหลังก่อนจะพ้นมุมหินเห็นแสงไฟที่แงซายก่อไว้สว่างเรืองลอดออกมาแม่มสาวก็หยุดลงอีกครั้งเดี๋ยวกลับมามีอาการเหมือนอยากจะพูดคาใดด้วย แต่ยังอึดอักรีรออยู่มีอะไรเหรอครับน้ําเสียงของอีกฝ่ายกังวานอ่อนโยนตอนที่คุณตื่นขึ้นมาเย็นบุญคําเข้าไปรายงานอะไรให้คุณรู้หมดแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับฉันน่ะหล่อนถามเบาๆผมไม่อยากโกหกคุณหรอกนะเมบุญคําไม่เคยมีอะไรปิดบังผมแต่รับรองได้ครับว่าแก่ไม่เคยปากบอลกับใครอื่นอีก คุณคงนึกว่าฉันแอบนัดชัยันไปอาบน้านําสิใช่ไหมคุณจะนัดเขาหรือไม่ได้นัดผมก็ไม่เก็บมาสนใจคิดหรอกเมแล้วก็ไม่อยากจะสอดรู้ด้วยในเรื่องส่วนตัวของคุณทั้งสองน่ะแต่บุญคําก็มารายงานผมเองระพินบอกตรงๆเลยนะฉันไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยนะฉันรับมอบหน้าที่จากน้อยให้ช่วยดูแลคุณ ในระหว่างที่พวกเขาทั้งหมดพากันขึ้นไปเยี่ยมฤาษีโกนทัญญะตอนนั้นชัยันก็ทำท่าเหมือนจะไปด้วยแต่ไม่รู้เขาไปแอบหลบมุมจากพวกนั้นเสะที่ตรงไหนสิฉันร้อนก็ไปอาบน้ำจูจ่ๆเขาก็โผล่เข้ามาแล้วก็ก็ดีแล้วละครับที่คุณชัยันไปเป็นเพื่อนคุณในขนาดนั้นถ้ามิฉะนั้นมันจะกลายเป็นไอ้ลิงใหญ่นีลาซึ่งผมเดาไม่ถูกว่าอะไรจะเกิดขึ้น น่าว่าเสียวจริงๆนะคุณผมเตือนคุณหลายครั้งแนละ้วว่าอย่าพยายามแย่ตัวเองให้ห่างพ้นสายตาจากพวกเราลิงพวกนี้นะมันเป็นมิตรกับเราก็จริงแต่มันคนละเรื่องกันนะคุณถ้าสมมติว่ามันเกิดจากคลั่งคุณขึ้นมาตามสัญชาตญาณเพศผมรู้ว่าคุณไม่กลัวมันในเรื่องนี้แต่อานาจความถือดีทำให้คุณปากแข็งไปงั้นแหละแล้วทั้งสองก็กลับเข้ามาในบริเวณที่พักด้วยกัน มารียปฏิบัติตนเป็นคนว่าง่ายขึ้นบอกกูดไนกับเขาแล้วก็เข้าไปประจำที่นอนอย่างสงบโดยไม่ลุกขึ้นมาจุนจ้านอะไรอีกเลยมันเป็นเช้าของวันที่บรรยากาศแช่มชื่นแจ่มใสเป็นพิเศษในความรู้สึกของทุกคนเมื่อตื่นขึ้นมาพร้อมหน้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่วายาได้รับปากไว้เมื่อคืนผลลิงทั้งหลายจัดเตรียมสเสบียงกลางของคณะเดินทางไว้ให้เรียบร้อยแล้ว วางกองพเนินอยู่หน้าปากถ้ำแทบว่าจะเลี้ยงทหารได้ทั้งกองรอยและโดยไม่ยอมให้เสียเวลาแม้แต่นิดเดียวระพินสั่งคนของเขาให้เตรียมเก็บของสำหรับการเดินทางทันทีที่ตื่นขึ้นเช้าวันนี้ทุกคนสังเกตเห็นเขาเป็นปกติเรียบร้อยดีทุกอย่างแทบจะไม่เหลือร่องรอยอยู่เลยว่าเมื่อคืนวานซืนที่ผ่านมาเขาตกอยู่ในสภาพของคนที่ตายไปแล้วกว่าครึ่งตัวยังไม่ต้องเร่งร้อนก็ได้ระพิน เรื่อของเราคือสามโมงเช้านี่น่ยมันเพิ่งฟ้าสางยังไม่เห็นแดดด้วยซ้ำไปท่านหัวหน้าคณะเข้ามาตบไล่บอกในขณะที่พรานใหญ่กําลังสั่งงานอยู่กับคนเหล่านั้นโดยแทบไม่มีเวลาพูดคําใดกับคณะนายจ้างสําหรับเช้านี้และเดี๋ยวเราจะไปกราบปลาฤาษีโกนธัญญะไม่ใช่หรือครับแล้วก็เพื่อไม่เสียเวลาเราจัดเตรียมข้าวของให้พร้อมไว้ดีกว่าครับพอกลับลงมาจากหน้าผาก็ออกเดินทางได้ทันที ไม่งั้นก็ต้องมาเก็บของก็อยู่อีกพวกนี้ก็อยากจะขึ้นไปลาและขอพอรฤาษีด้วยกันทุกคนมาอ้อนวอนขออนุญาตผมไว้ก็เลยเร่งให้ทำงานซะก่อนจะได้เสร็จไปไม่ต้องเป็นห่วงครับอืมโอเคดีเหมือนกันเราควรจะขึ้นไปกราบลาท่านทั้งคณะสิบสองคนนี่แหละเชิฐาพยักหน้าบอกอย่างอารมณ์ดีแล้วก็เดินทักทายพูดจากับพวกพรานพื้นเมืองเหล่านั้นจนทั่วหน้าโดยอัธยาศัยอันดีงาม ตามคุณสมบัติประจําตัวของครับทั้งหมดแช่มชื่นกระปรี้กระเปพ่าพร้อมที่จะประจันหน้ากับการเสี่ยงภัยอีกครั้งโดยไม่ย่อท้อผู้จาเล่นหัวยาวหยอกกันเป็นที่รื่นเริงสนุกสนานพลอยพาให้คณะนายจ้างทั้งหลายอบอุ่นมีกําลังใจเพิ่มขึ้นอีกถ้าจะมีคนเคร่งครึมไม่ค่อยจะสูงสิงผู้จากระใครโดยไม่จําเป็นก็คือระพินไพรวันหัวหน้าผู้นําทางเท่านั้น แต่นั่นก็เป็นบุคลิกโดยปกติของเขาอยู่แล้วยามเมื่อเวลางานมาถึงดารินกะชะยยันเดินตามเข้ามาหยุดอยู่ใกล้ๆระหว่างที่พรานใหญ่กำลังผูกโน่นมัดนี่อย่อยางคล่องแคล่วรวดเร็วช่วยกันหยุดสองคนกับบุญคำเอาแน่นะระพรินสำหรับวันนี้ อ, ด, อดีตนายทหารปืนใหญ่เอยยักเป็นประโยคแรกยิม้มยิ้มพรานใหญ่เงยขึ้นยิ้มตอบ แม้จะเป็นเวลาเช้าตรู่ที่อากาศเย็นชํำและละอองหมอกยังไม่จางมากนักใบหน้าของเขาก็ยังระยับไปด้วยเหงื่อจากการออกแรงทำงานโดยไม่หยุดมือเอาแน่สิครับเพลงมาต้องบรรเลงในเช้าวันนี้ตามกำหนดการโดยไม่เปลี่ยนนะครับเขาตอบอย่างล้อๆผ่อนคลายสีหน้าอันเคร่งเครียดลงนี่ราพินฉันอยากจะถามคุณสักค แต่ก็เชื่อว่าคุณคงรู้ว่าอะไรที่ฉันจะถามดารินเอ่ยขึ้นบ้างใบตาของหล่อนอ่อนโยนซ่อนเร้นไว้ด้วยประกายสเสน่หาห่วงใหญ่ก็คงจะถามว่าผมสบายดีแล้วหรือเดินทางได้หรือไม่อะไรทำนองนี้ใช่ไหมล่ะครับจอมพรานป้ายแขนเช็ดเหงื่อบนใบหน้าและยืดกายขึ้นยืนตรงจากท่าที่ก้มลงไม่ต้องห่วงหรอกครับคุณหมอ ถึงผมจะไม่ปกติเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนต์ผมก็เชื่อว่าผมแข็งแรงในด้านการเดินทางมากกว่าคณะเจ้านายของผมทุกคนล่ะครับและถ้าเกิดมีอาการไม่ชอบกลยังไงก็จะรีบเรียนให้ทราบทันทีไม่อวดดีปิดบังอำพรางไว้ล่ะครับด้รินยิ้มออกมาได้อย่างปลอดโปร่งเบาใจดีมากถ้าสามารถเข้าใจกันได้เชอย่างนี้สาหรับฉันเองอ่ะบางทีก็นึกําคาญตัวเองอยู่มากเหมือนกันนะ ที่ต้องคอยเอาเป็นภาระสอบถามคนโน้นทีคนโน้นทีอยู่ตลอดเวลาเจ็บไข้ไม่สบายอะไรบ้างหรือเปล่าถ้าว่าจะตัดใจไม่ถามอยู่หลายครั้งแนละ้วก็อดไม่ได้สักทีความจริงเราก็มีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วนี่น้อยชายันอดขัดคอไม่ได้ลืมเช่แล้วเลยว่าเรานะ่อาสาสมัครมาด้วยนี่นะในตำแหน่งอะไรก็ตำแหน่งหมอประจำคณะใช่ไหม ก็ทาไมเห็นผลประโยชน์ในด้านนี้แล้วก็ฮึไล่กลับไปซะตั้งแต่อยู่น้องน้ําแห้งแล้วกล่าวพลางชัยันก็เหยียดแขนบิดขี้เกียจพร้อมก็อ้าปากหาวยาวพูดต่อมาทั้งหาววอดว่าแต่แมมเมื่อคืนหลับสบายเป็นตายเลยระพินซ่อนยิม้มนึกตอบชยยันอยู่ในใจว่าก็จะไม่หลับเป็นตายได้ยังไง ตัวเบาไปตั้งแต่ตอนบ่ายเมื่อวานนี่แล้วแต่บุญคำซึ่งทำงานอยู่ใกล้ๆสิหัวรอคิกๆๆชัยยันเพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าหลวมตัวพูดอะไรออกไปให้บุญคำพลอยได้ยินเพราะตาเท่าจอมสั ป, ปรดรีร่วมรู้เห็นอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยก็เลยกระดักหันไปชำเลืองคอนแล้วรีบเดินพลาไปซะก่อนที่ดารินจะจับพิรุธอะไรได้แต่ถึงเช่นนั้นหลอนก็หันไปจ้องตาเท่าจอมแก่นถามว่า คำอะไรบุญคำเปล่ารอกนายหญิงอ่เปล่าอะไรกันเห็นหัวเรากคิกๆอยู่เมื่อกี้อระพินหันไปถลึงตากับบุญคําและแก้แทนมาให้เมื่อกี้นี่นะี่ยบุญคําแอบสูบกัญชาของส่างปลาเข้าไปไหลายบ้องครับคนเมากกัญชาก็อย่างเงี้ยคุณหญิงเห็นใบไม้ถูกลมพัดไหวยังนั่งหัวเราะได้เลย อไอ้เชือกที่บุญคําจับมัดของอยู่นี่มันคอยดิ้นหนีหลุดมือบุญคําอยู่เรื่อยอะปรเดี๋ยวมันก็เลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนงูแล้จะไม่ให้บุญคํำขำได้ยังไงล่ะนายหญิงสมุนเท่าจอมแก่นของเขาพลอยผสมโรงกรลบเกลื่อนซะและ้วก็ถอนใจออกมาได้โล่งอกเมื่อนายหญิงไม่ติดใจสงสัยอะไรอีกพูดอะไรกระพินอีกสองสามประโยคแล้วเดินตรงเข้าไปเยี่ยมวายาตรงแท่น ซึ่งขณะนี้เชษฐาและชยันกำลังอยู่ที่นั่นประเดียวสั์เปลี่ยงเลยระพินพูดลอดไรฟันออกมาเมื่อดารินคล้อยหลังบุญคำกลัวหัวระจนท้องคลอดโธมันขำจริงๆเลยนายก็พูดออกได้าหลับเป็นตายก็ทำไมจะไม่หลับเป็นตายหรอก็เล่นน้ำกันอยู่ในท่า น, นั้นตั้งเกือบสองชั่วโมงเต็มๆอ๊ยแทบจะไม่ได้หยุดพักกันเลย ก็น่าเห็นใจนานๆถึงจะมีโอกาสสักครั้งบุญคำว่าถึงวันนี้นายทหารก็คงขาอ่อนไปเยอะคงไม่มีแรงเดินหรอกนี่หยุดสอดรู้สอดเห็นในเรื่องพันนี้แล้วก็หยุดมารายงานต่อฟังทีได้ไหมบุญคำฮหยุดรายงานนายน่ะได้ถ้านายไม่อยากฟังแต่ถ้าจะให้หยุดดูต้องฟักลูกตาบุญคาออกสะ ก, ก่อน จำไว้นะบุญคำจะ ถ, ถูกนายทหารกระทืบหรือถูกแมมยิงตาแตกเมื่อไรล่ะฉันจะไม่พูดโทเลยแกแล้วนาะยอยู่ให้สมแก่หน่อยที่โอ้นายตัวน่ะมันแก่แต่ใจมันหนุ่มนะโอ้นายก็บุญคำกระซิบอ่อยๆแล้วอยู่ๆก็ทําตัวสั่นสยิวขึ้นมาเฉยๆพร้อมกับครางอุ้ยแล้วพินหมันไส้เต็มประดา เลยวัดพละเข้าให้ด้วยข้อศอกไง้แผลลงไปก้นจำเบาอยู่กับกองสัมภาระคราวนี้ครางงิ่งๆเจ้านายมัดของห่อนั้นเสร็จพระไปแล้วแต่ตาเท่ายังนั่งกุมสีข้างหน้าอยู่ยี่บนกระปอดกระแปดอยู่ท่านใดก็มีลำแขนอันแข็งแรงของใครคนหนึ่งเอื้อมมาจากเบื้องหลังหิ้วปีกช่วยพยุงแกให้ลุกขึ้น อันมาเห็นแง่าสายแกก็เลยสะบัดมือทุยไอแง่าสายอ้าวลุงก็เห็นหนังครางหงิงงิงอยู่ก็เลยมาช่วยยกให้ข่านะอิจฉาเองวะแง่าสายยืมคุณของเองไม่ข่าหน่อยไม่ได้ไงทำไมได้คุณของแง่าสายแล้วลุงจะทำไหมจะไล่ถ่องพรานใหญ่มั่งไงเปล่า ข้าจะไล่ถ้องแมมมารีให้สาใจใชัวแงซายหัวร้อฮือฮือก็คงไม่ง่ายนักรอกลุงคำถ้าแมมไม่ยอมให้ถ้องสะอย่งางอะเออลองข้ารูปหล่อมันเองสิดูสิว่าแมมจะยอมให้ถองไหพูดแล้วเจ็ดใจวะ่ะว่าคืนนี้เสืกนั่งมันสักกระเบือดินหยุดได้แมมให้ถ่าถึงขนาดนั้นนะ่ะ เรื่องอื่นนะข้าเห็นเองฉลาดด้วยสารพัดเรื่องนี้นะเองนะ่ะโง่หมาไม่แดกเลยวะไอ้เงาทายเป็นข้าก็รีบร้อยไปแล้วงแงาทายโคลงศีรษะช้าๆพร้อมกับชุบ ป, ปากอ้าวนี่ลุงไม่ได้หลับลรกแล้วตอนนั้นน่ะข้านะ่ะมันหลับหลับตื่นตื่นวะแต่ข้าก็เห็นเองนะ่ะไม่มีน้ำยาเลยไม่รู้สักนิดว่าแม่มให้ท่า อุตส่าห์เดินปรีตัวรับตาออกไปให้แล้วไม่อยากจะตามดันนั่งเบื่ออยู่ได้คิดลมันเขี้ยวแทนวะอีกฝ่ายหนึ่งเบิกตาโตซ่อนยิน้มนี่ลุงฉันเป็นบาวเป็นคนใช้นายแม่มนะเขาเป็นนายแล้วนายที่ไหนเขาจะไม่ท่าคนใช้ลุงแล้วก็คิดอะไรอากุศลไม่เป็นเรื่องบุญคามแยกเขี้ยว เอานิ้วจิ้มเข้าไปที่หน้าอกแงซ า, ายโดยแรงก็นั่นสินะข้าถึงได้บอกไงว่าเองน่ะมันโง่ไม่รู้จักนิสัยใจคอและอารมณ์ของผู้หญิงข้าดูท่าทีเหมือนเองงั่งตั้งแต่เลยเห็นเองครั้งแรกแล้วฮ์นายแม่ไม่จ้องตาเองเป็นมันอะ่าจะเล่นด้วยแต่เองน่ะสิมวัวแต่งั่งอยไม่เท่าทันมัญญาญิงเหมือนนายข้าไม่มีผิดเลย เออแต่ถึงยังไงข้าก็ว่าเองเป็นคนดีว่ะน่านับถือถ้าเองเสือกสั ป, ปดินเหมือนข้าเมื่อไรแล้วก็กลับฝังเองเลยฮเรียกว่าต้องปล่อยให้ลุงสับ ป, ปดินเปคนเดียวอย่างงั้นดิเออข้าน่มันแก่แล้วถึงข้าจะสปปรปดินเพียงไหนข้าก็ทำอะไรใครก็ไม่ได้หรอกวะแต่ถ้าเองสับ ป, ปดินเหมือนข้าเมื่อไรเขาว่ายุ่งว่ะแกผละไปอย่างผลุนผัน แล้วก็ชะงักหันมาชี้หน้าแผ่วเสียงลงว่านี่ผู้เลยหยบทิ้งซะนะอยงแงสายแงสายหัวเราะขยิบตาให้พลางเดินแยกไปทำงานเชะอีกทางหนึ่งบุญคำผีผลมที่จะหันหลังไปโดยเร็วพอหมุนตัวจากแงสายอีกครั้งตาเท่าก็ชนใครเข้าอีกคนหนึ่งอย่างจังเบอ้อเร่จนถึงขั้นพังหะกระดดนถอยหลังออกไปสองสามเก ีกฝ่ายดูเหมือนจะรู้ตัวล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วแทนที่จะชนอย่างอุปัตตวเหตุจึงใช้วิธีผลักในขณะที่บุญคำเดินเข้ามาอย่างไม่ดูตามาตาเรือโอ๊ยตายแห ม, มจา๋าขอโทษทีไอคำไม่ทันดู <c oughs> แกร้องละล่ำละลักและหัวร้อแห่มาเรียยืนเท้าเอวยืดอกกระหานยอดสวงอันงอนชอยได้รูปงามเหมือนจะชี้หน้าบุญคา ดันอยู่ใต้เสือ้อเริมฝีปากนั้นมีรอยยิ้มดุดูฮึนินทาอะไรฉันอยู่กันแง่ซาอีก่ะแต่เท่าโสโครโท่แม่มก็บุญคำร้องจุปากลั่นทำหน้ามุย่ยเอาอะไรที่ไหนมาพูดค อ, อยหาเรื่องไอ้คำรื้อยเชียวเห็นพูดอะไรกระใครเป็นไม่ได้หาว่านินทาทุกทีสินะ่ะ นี่ฉันยืน อ, อยู่ห่างข้างหลังบุญคําไม่เกินสามวานี่เองแต่บุญคําน่ะไม่ทันหันมาเห็นหรอกได้ยินว่วแวเ อ, อ่ยชื่อฉันนะฮิแม่มหูหาเรื่องไปเองไอค้คากระเงี้ยทาย ไ, ไม่ได้เ อ, อ่ยอะไรถึงแม่มได้สักคําเดียวไม่เชื่อไปถามมันดูก็ได้แต่แมเช้าวันนี้ในแม่มของบุญคํำสดชื่นลึกเกินสวยกว่าทุกวันนั่นนไปเอาช่อเอืองจากไหนมาติดผม มารียหัวเราะเบาๆออกมาได้เพราะลูกไม้กะล่อนครอบไปทั้งตัวของตาเท่าซึ่งหาทางเปลี่ยนเรื่องซะลอนยกมือขึ้นแตะช่อเออ ง, งามที่ติดผมอยู่ตาสีดอกผักตบเป็นประกายสุขใสนีลาสิเขาไปเก็บมาให้ชัดนั้นเสียงนั้นชื่นชมยินดีก็น่าแปลกดีเหมือนกันตั้งแต่ร่วมทางกันมานี่ฉันไม่เคยได้รับช่อดอกไม้จากใครเลย เพิ่งจะได้รับไมตรีจิตก็จากลุงนี่แหละไอ้จากลิงนี่แหละโทบุญคําไม่รู้เนี่ว่าแหม่มชอบดอกไม้ไม่งั้นก็เก็บมาให้นานแล้วนี่ไอ้นีลานะ่ะอย่าไปไว้ใจมันนักลืมใชแล้วเหรอเมื่อวานนี้มันเอาเสื้อผ้าของแหม่มกับนายทหารไปแขวนไวบ้บนยอดไม้บุญคําต้องปอีนขึ้นไปเอาลงมาให้ไม่งั้นก็เกิดเรื่องใหญ่ความแตกรูกันหมดทุกคน ตอนที่นายแหม่มกับนายทหารต้องเดินโทงโทงกลับที่พักแล้วยิงแล้วหนักครับอีกถ้านายทหารไปยิงไอหนีลาเขาบุญคําได้โอกาสก็เลยทวงบุญคุณเราดื้อนี่ก็แปลว่าฉันต้องขอบใจบุญคําที่ไปแอบดูฉันอาบน้าที่ลาําธารตลอดจนกระทั่งช่วยปีงขึ้นไปเอาเสื้อลงมาให้อย่างนั้นดิมาเรียประชดคนใจดําเท่านั้นแหละที่ไม่รู้จักขอบใจกัน บุญคำไม่ได้ไปแอบดูนาะดูทําไมให้เห็นที่ฉันไม่อยากดูแลแต่บุญคำไปเฝ้ายามคอยระวังภัยให้ทหากกี่ครั้งมาบ้างแล้วถ้าไอคำไม่ได้อยู่ในรัศมีที่ช่วยเหลือทันฮึป่านนี้นายแม่มเป็นตัวตนเหรอคนแก้ผ้าอาบนา้าวางปืนมาบนบุกไม่เคยช่วยตัวเองได้หรอกถ้าเกิดอะไรขึ้นอย่างกระทันหันนะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ก็ไม่เพราะเล่แก้ผ่าเล่นน้ําสนุกอยู่ในป่าอย่างงั้นเหรอนายแมมถึงได้เสียนายห้างเคราเหลืองไปเพราะไอ้พวกสังเขียวนายแมมเองก็ถูกมันลา ก, กตัวไปจนพรานใหญ่กับพวกเจ้านายทั้งหลายรวมทั้งไอ้คาด้วยต้องเสี่ยงตายจนย่าแย่กว่าเจ้าตัวคืนมาได้แมมสาวพยักหน้าเนิบเนิบเบก่งมากนะัตตะเท่าเข้าใจพูดเอ า, อางี้แล้วกัน ต่อไปนี้ทุกครั้งที่ฉันลงอาบน้ําไม่ว่าที่ไหนฉันจะขออนุญาตพรานใหญ่เขาแต่งตั้งบุญคําเป็นคนคอยเฝ้าดูแลคุ้มครองฉันโดยเฉพาะแล้วก็ไปนั่งดูฉันอาบน้ําไม่เต็มตาใกล้ๆเลยไม่ต้องคอยแอบบด้อมๆซุ่มๆอยู่หรอกมันดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายไงคือฝ่ายฉันจะได้ไม่ต้องยิงบุญคําเพราะเข้าใจผิดนึกว่าสัตว์ราบบาา้ายแอบเข้ามาใกล้ส่วนฝ่ายบุญคำก็จะได้เลิกนิสัยแอ บ, บดูสักที เพราะฝ่ายที่ถูกแอบดูนะเขาเชื้อเชิญในะเข้ามาใกล้ๆอยู่แล้วดีไหมบุญคำนิ่งคิดแล้วยิ้มแย่ๆพูดอ้อมแอบลิ้นคับปากไม่ดีหรอกอา้าวทำไมละ่ะก็ประเดี๋ยวนายทหารชัยยันทีบบุญคำมา ม, ามแตกไงแล้วแกก็เดินหนีไปซึ่งซึ่งหนะ้าครูใหญ่ต่อมาสัมภาระทั้งหมดรวมทั้งสเสบียง ก็บันจุรวบรวมเข้าหมวดหมู่เรียบร้อยระพินจึงเข้าไปรายงานนายจ้างของเขาระหว่างที่คนเหล่านั้นกำลังนั่งสนทนาอยู่กับวายาเหล่าท่านกำลังจะจากวายาไปเดี๋ยวนี้แล้วหรือประมุขแห่งเมืองลิงดำถามขึ้นมองหน้าทุกคนที่แวดล้อมอยู่เชิดหายิ้มให้จับไหล่จอมวานอนบีเบา พวกเราทั้งหมดจะขึ้นไปกราบปลาฤาษีโกนทัญญาก่อนและจะย้อนมาลาเจ้าที่นี่อีกครั้งหนึ่งสัมภ า, าระเข้าของของเราวางอยู่ตรงหน้าปากถ้ำเจ้านี้เองนะเช่นนั้นก็จงไปทึดแต่อย่าลืมกลับมาให้วายาได้เห็นท่านทั้งหลายอีกครั้งก่อนเดินทางนะ <S <S ท่านหัวหน้าคณะหันมาพยักหน้าเป็นสัญญาณกับพรานใหญ่ แล้วทั้งหมดก็พากันเดินออกมาจากถ้ำพักของเจ้าเมืองขีดขินซึ่งกลุ่มพานพื้นเมืองทั้งหลายประชุมรอคอยพร้อมอยู่แล้วมีเจ้านีลายืนสายอาดัดอาดเหมือนจะคอยร่วมทางนำขบวนเช่นเคยพอเห็นนีลาชายันก็หน้างอเป็นจวักช้ำเลืองคอนแล้วทำปากงุบมิบด่าแม่เจ้าขุนทหารเมืองขิดขินจอมทะลึงซึ่งก็อาจจะพอๆขบุนคาเว้นแต่มันพูด ภาษาคนไม่ได้เลือกคิ้วหลิวตาหลอกชยันแล้วแย่เขี้ยวเขาแงยั่วโทสะถ้าทางมันก็ไม่เคยชอบหน้าเขาอยู่เหมือนกันแต่อาจติดขัดที่เจ้าเนื้อหัวของมันคงกำชับอะไรไว้แล้วจึงไม่อาจแสดงตนเป็นศัตรูเด่นชัดนักได้ได้แต่าทาหลอกหลอนยั่วยแย่อยู่ในทีวายาสั่งให้เปรตนี่ไปส่งเราจนพ้นเขตที่นี่ก่อนจากไป ยิงมันทิ้งซะเลยจยันหันไปกระซิบกระ บ, บุญคำแต่ถ้าหัวรอกักกระซิบตอบนายทหารยิงไอ้นนีลาเมื่อไร่เราก็ไม่ต้องไปถึงเนินประจันนั่นแหละมีหวังแหลกกันทั้งหมดอยู่ที่ภูเขานิลาการ์นี่แหละบุญคำว่านายทหารเตะมันเองดีกว่าเอาให้พลากใหญ่ทีเดียวก่อนก่อนจากแล้วบุญคำจะช่วยเตะซ้ำอีกแต่นายทหารต้องเตะก่อนนะ ชัยันผลักหน้าบุญคำออกไปขณะนั้นน้ำค้างยังเปียกชุ่มไปหมดทั่วทั้งราวป่าและโขดเขืนเป็นการเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะใช้วิธีปีนตัดหน้าผาอันเป็นทางลัดขึ้นไปเพราะหินลื่นระพินจึงนาคณะทั้งหมดเดินอ้อมวกขึ้นไปตามทางด่านเพราะถึงยังไงก็ยังมีเวลาพอเพียงก่อนแดดจะสายนิลาเหมือนจะอ่านใจออกอยู่แล้ว มันล่วงหน้าไปก่อนอย่างเจ้าของถิ่นต่างเดินผ่านไปตามสองฝั่งทางที่กลุ่นไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ป่าและอากาศสดยามแรกอรุณโกนทัญญะมุนีคงสถิตยอยู่เหนือแท่นหินที่เดิมกับที่ทุกคนได้มาเห็นในครั้งแรกประดุจภาพแกะสลักเช่นนั้นเรากับเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งนิรันดร์การที่แฝงไว้ด้วยความน่าพิศวงไม่สัง่ง ทามกลางสถานถิ่นอันสงัดวิเวกปราศจากซึ่งสิ่งใดจะเข้ามารบกวนที่น่าแปลกประหลาดไปอีกประการหนึ่งก็คือหยดน้ำค้างซึ่งในขณะนี้เกาะพราวไปหมดไม่ว่าจะเป็นกิ่งใบของต้นไม้หรือก้อนหินแต่ปรากฏว่าที่ร่างของท่านแห้งสนิททั้งที่อาศัยสมาธิจำศีลอยู่เพียงแค่ร่มเงาไม้เท่านั้นไม่ได้มีสิ่งกาบังอื่นใดทั้งสิ้น ทั้งสิบสองชีวิตของคณะเดินทางมหาวิบาศเคลื่อนเข้าไปจนเกือบจะประชิดแท่นหินและสุดตัวลงนั่งเรียงรายอยู่เบื้องหน้าตามลำดับพางก้มลงกราบน้ำมัตสการผู้ทรงศีลอันวิสุดพร้อมกันทั้งหมดแม้กระทั่งมาเรียซึ่งบัดนี้ก็พนมมือด้วยอาการอันเก้ะก๊กังๆจงจงจำเรินสถาพรปราศจากพยันตราย และสัริทธิผลในเจตนาอันชอบครั้งนี้เถินเราโอนทัญญามุนีขอประทานพรให้แก่เจ้าทั้งหลายทันทีที่ทุกคนเงยขึ้นจากอาการกราบกรานและก่อนที่ใครจะทันเอ่ยขึ้นเช่นไรน้ำเสียงอันกังวานเยือกเย็นกอบไปด้วยกระแสแห่งความเมตตาปราณีก็ดังขึ้นสดับ แล้วราบร้านไปทุกขุมขนทั้งหมดเต็มตื่นไปได้วยความปิติโสมนัสประดุดแลเห็นประทีพชัยทรงสว่างนำทางให้อยู่เบื้องหน้ายกมือขึ้นจบรับพรเหนือสีสักพวกผมทุกคนไม่พรั่นพรึงหวั่นไหวต่ออันตรายหรือความลำบากยากแค้นใดๆอีกแล้วและขอรับจากพร อ, อันประเสริฐของพระคุณเจ้าพวกเราจะออกเดินทางกันต่อไป ภายในไม่เกินชั่วโมงข้างหน้านี้แหละละเรับแล้วก็ได้ขึ้นมากราบลากันทั้งหมดเขรับเช่อฐากล่าวขึ้นในฐานะหัวหน้าคณะฤกิกยามที่เจ้ากำหนดขึ้นนั้นถูกต้องแล้วแล้วเราก็ได้ประสาทพรให้แก่เจ้าทุกคนแล้วจงไปดีเถิด ฤาษีโกนธัญญะตอบมาจากร่างอันเป็นดุดสนีนั้นพวกเรากําลังจะกราบลาพระคุณเจ้าไปอยู่เดี๋ยวนี้แล้วล่ะค่ะพระคุณเจ้าแต่อย่างน้อยที่สุดพระคุณเจ้าจะไม่ชี้แนวทางแห่งปัญญาให้กับพวกเราบ้างเลยเถิดหรือคะนอกเหนือไปจากคําพรดารินพูดวิงบอลขึ้นอย่างอ่อนหวานพยายามต่อรองให้ท่านบอกความอันเป็นประโยชน์ต่ อ, อการเดินทาง ค้นหาคนสาบศูนย์ให้ได้มากที่สุดริมฝีปากคู่นั้นดูเหมือนจะเผยเยอให้เห็นรอยยิ้มดูก่อนนางผู้กรอบด้วยเบญจลักและไหวพริบอัชญชานฉลาดแนวทางแห่งปัญญาที่เจ้าขอจากเราก็คือการเป็นผู้ละกิเลสทั้งปวงโดยสิ้นเชิง น, นั่นเอง ปัดเสี้ซึ่งความโลภโกรธหลงเสียได้ก็จัดได้ว่าผู้นั้นสว่างสวัยไปด้วยประทีปแห่งปัญญาแล้วและสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ของพวกเจ้านั้นแม้ว่าถ้าตัดความโลภออกไปได้เพียงประการเดียวก็จะเปรียบเสมือนเกราะป้องภัย ไม่ให้วิบัติใดๆเกิดขึ้นได้จงจำคำของเราไว้จำไว้ต่างพากันนิ่งขึงหันมามองหน้ากันเองชั่วขณะในคำพูดของโกนทัญญะมุนีผู้สักศิธิ์ตัดความโลภเลยชายันพึมพำออกมาขณะที่เม้มริมฝีปากรีตาลง ฉันคิดว่าฉันพอจะเห็นอะไรเป็นเงาเงาแล้วนะจากสิ่งที่ท่านบอกเชษฐากระสิบแต่ฉันงงจริงๆนะว่าท่านหมายถึงอะไรความโลภมันจะมาเกี่ยวอะไรกับการเดินทางตามหาคนหายอยู่ภายในดินแดนหลงสำรวจของเราในครั้งนี้เอาเถอะเฉยๆไว้ก่อนเราค่อยพูดจาปรึกษากันทีหลังแล้วกันเชิฐาเตือนให้สหายของเขาสงบปากคา แล้วกล่าวขึ้นกับนักพรตผู้ทรงศีลว่าพระคุณเจ้าขอรับพระคุณเจ้าคงได้อย่างทราบแล้วนะขอรับว่าจุดหมายอันดับต่อไปของเราก็คือเนินพระจันทร์และจะต้องไปให้ทันในคืนขึ้นห้าค่าที่กำลังจะมาถึงนี้ตามคำสั่งของลายแทงที่เราใช้นำทางมีปริศนากำกับอยู่ในลายแทงนั่นว่าปิ่นพระศิวะ ฉายแสงเรืองรองขึ้นเมื่อใดถันพระอุมาจะปรากฏให้เห็นพวกเรามืดมนไปหมดไม่สามารถจะขบปริศนานี้ได้เลยครับหากพระคุณเจ้าจะเมตตาช่วยเฉลยความในแห่งปริศนานี้ให้ก็จะเหมือนช่วยชี้แสงสว่างในการทำทางให้แก่พวกเราซึ่งไม่ได้เป็นราคีต่อพรหมจันทร์ของพระคุณเจ้าที่เพียรปฏิบัตินี้เลยขอได้โปรดเฉลยพวกเราด้วยเถิรับ กาจท่านหัวหน้าคณะก็ก้มลงกราบอีกครั้งโกนธัญญมุนีสงบนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งทุกสายตาเพ่งจับมาที่ร่างนั้นเป็นเป้าหมายเดียวด้วยความกระวนกระวายใจไม่อาจจะคาดคะเนสิ่งใดไ ด, ได้ทั้งสิ้นแต่เท่าที่รู้ก็คือท่านหัวหน้าคณะเชษฐาวราฤทธ์ป้อนคำถามได้อย่างตรงเป้าและใช้วิธีสอบถามท่าน อย่างชาญฉลาดที่สุดไม่นานนักเสียงตอบของฤษีโกนธัญญะก็กังวานแช่มช้าเยือกเย็นมาว่าประสบผู้เจริญแล้วด้วยปัญญาอันว่าปริศนาลายแทงที่เจ้าขอให้เราเฉลยนี่ไม่ได้ผลไปจากระดับสติปัญญา ของพวกเจ้าเลยจงเดินทางไปให้ถึงที่หมายตามกําหนดเวลาเอิอแล้วพวกเจ้าจะแสวงหาคำตอบได้เองจากพลังของสติปัญญาและมันสมองอันชลาดรอบคอบที่ท่วนร่วมกันฉะนั้นเราไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่จะต้องบอกให้แก่เจ้าเสียตั้งแต่บัดนี้สิ่งที่เราจะให้ก็คือจงไปไปให้ทันตามกำหนดเวลาและจงใช้สติปัญญาเหมือนอย่างเช่นที่พวกเจ้าได้เคยใช้จนลุล่วงมาแล้วทุกอุ ป, ปสรรคกวากหนามนั้นเถิด นั่นเป็นประโยคแห่งการปฏิเสธในข้อความของเชษฐาแต่ความหมายของประโยคเหมือนจะเป็นคำตอบในทีอยู่แล้วคำตอบที่เปรียบประดุจทอแสงสว่างลงมาให้แก่หนทางอันแต่เดิมเคยมืดมิดซึ่งเป็นกำลังใจและความหวังของทุกคนอย่างยิ่งแม้ท่านจะไม่บอกออกมาตรงๆก็ตามนี่เป็นคำตอบชี้ทางอย่างดีที่สุด ที่ท่านจะให้แก่เราได้แล้วเชฐดากระซิบกับยอมพรานครับผมก็เห็นว่าเราไม่ควรจะต้องกังวลอะไรอีกสำหรับปริศนาลายแทงดังกล่าวนี้ท่านไม่ได้บอกปัดแต่เพียงว่าให้เราแสวงหาคำตอบเอาเองแต่ท่านบอกเป็นนๆว่าถ้าเราพยายามเราก็จะค้นพบคำตอบได้เอง เราก็ต้องไม่ลืมในสิ่งที่ท่านเน้นเตือนไว้อีกอย่างด้วยนะนั่นคือต้องไปให้ทันตามกำหนดเวลาด้วยชายันเอ่ยมาแผ่วเบาอีกคนหนึ่งในลักษณะปรึกษาหารือกันถ้างั้นก็หมายความแน่ชัดแล้วสิว่าข้อความปริศนาที่ลายไทยในระบุไว้ไม่ใช่ข้อความหลิวหลายรายสาระเลยมันมีความหมายอยู่ในตัวของมันเองจริงความหมายที่เราจะต้องใช้ความพยายาม ค้นหาคำเฉลยเอาให้ได้ดารินกล่าวขึ้นในหมู่พักพวกที่หันหน้าเข้าหากันในขณะที่ต่างยังนั่งพับเพียบพันนมืออยู่แน่นอนสิน้อยข้อความในลายแทงนะ่ะไม่ใช่สิ่งเหลวไหลนะหาไม่เช่นนั้นทำไมท่านถึงจะพูด ก, กับเราอย่างนี้ล่ะคำพูดของท่านเป็นการบอกให้ทราบอยู่แล้วว่าลายแทงมังมหารธานะ่ะเป็นเรื่องจริง พี่ชายบอกแล้วแลไปทางระพินซึ่งตลอดเวลาเขาไม่ได้เอ่ยถามคำใดแก่ฤษีโกนทัญญะเลยแม้แต่คำเดียวนอกจากคอยสดับฟังเสียงอยู่เงียบๆพรนยานใหญ่ ย, ย่อมจะระหนักดีอยู่แล้วว่าไม่มีประโยชน์อันใดทั้งสิ้นที่เขาจะต้องถามอะไรจากท่านอีกนอกจากการกราบลาขอพรและปล่อยหน้าที่การผู้จาปราัสทุกชนิดให้แกคณะในจ้างของเขา ถางั้นก็ได้เวลาแล้วนี่เราก็กราบลาท่านเสเด็จนี้เถ อ, อะไปครับพรนใหญ่รับคําเป็นประโยคแรกทั้งหมดไม่เอ่ยคําใดอีกทั้งสิน้นต่างชนกันก้มลงกราบโกนธัญญมุนีผู้มีร่างเป็นนิรันดร์การอันสนิทนิ่งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพรานถอยห่างออกมาทั้งขบวนพอพ้นระยะพอสมควรก็ลุกขึ้นรวมพลกันอีกครั้ง จากนั้นก็เดินตามนีลาย้อนกลับลงมายังถ้ำสถิตของวายาจอมวานนซึ่งบัดนี้กองสัมภาระได้วางรอคอยจับเป็นหมวดหมู่พร้อมอยู่แล้วเพื่อจะขนย้ายแบกหามได้ทันทีขณะนั้นแสงตะวันยามแรกเริ่มจะสาดส่องผ่านละองหมอกลงมาฉาบอยู่บนยอดป่าและชะ ง, ง่อนหินรอบด้านอากาศกำลังสดชื่น เป็นสุภนิมิตอันดีของการเดินทางคืบหน้าระพินสั่งให้พรานพื้นเมืองทุกคนอันทาหน้าที่เป็นลูกหาบเข้าประจำที่รอคอยอยู่นอกปากถ้ำส่วนตัวเขาเองคณะเจ้านายทั้งหมดรวมทั้งแง่สายผู้ซึ่งตั้งแต่แรกยืนคอยอยู่เบื้องนอกด้วยแต่เชษฐาเรียกให้ตามเข้าไปด้วยรวมเป็นหกคนเดินเข้าไปพบวายาบนแท่นหินอีกครั้ง กล่าวคำอำลาก่อนจากเวลาของเรามาถึงแล้วละวายาขอให้เจ้าจงอยู่ดีเอนะท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นพร้อมกับยิ้มให้จับมือของวายาบีบแน่นประมุขแห่งเมืองวานอนสยายเขี้ยวเหมือนจะยิ้มตอบมองหน้าทุกคนระไปเป็นลำดับจนครบทั้งหคนที่เข้ามายืนแวดล้อมอยู่ใกล้ชิดวายาเสียดาย ที่ไม่อาจรับใช้อะไรท่านได้มากไปกว่านี้ถ้าว่ายาไม่เจ็บป่วยก็จะไปส่งท่านจนถึงเนินพระจันทร์ด้วยตนเองพระเจ้ากรุงขีดขินเอ่ยแช่มชาด้วยลิลพาษาซึ่งฤาษีโกนทัญะญมอบให้ในระหว่างที่อาคันตุ ก, กะมนุษย์เข้ามาพักพิงอยู่ด้วยขอให้เหล่าท่านทั้งหลายจงไปดีเถิด อย่าได้มีพยันตรายใดๆทั้งสิ้นสิ่งใดก็ตามที่เราท่านคิดประสงค์ตั้งเจตนาไว้ก็ขอให้สำเร็จทุกประการว่ายาจะให้นีลาและทหารลิงจำนวนหนึ่งไปส่งท่านจนพ้นเขตแดนของภูเขานิลการและต่อจากนั้นก็คอยพวกท่านบายหน้ากันไปเองตามต้องการทื่อ ขอบใจเจ้ามากอีกครั้งนะวายาพวกเราทั้งหมดจะไม่ลืมเหตุการณ์ที่เราทั้งสองฝ่ายได้มาพบปะและผูกมิตรกันในครั้งนี้เลยดารินพูดอ่อนโยนพร้อมกับส่งกระจกเล็กๆอันหนึ่งเป็นรูปไข่มีด้ามถือขนาดจุม๋มจิ๋มอันเป็นสมบัติส่วนตัวของหล่อนมีไว้สำหรับสองหน้าส่งไปให้จอมวานอนกล่าวต่อมาว่านี่วายา จงเก็บสิ่งสะท้อนเงาอันนี้ไว้สำหรับส่องดูเงาของเจ้าเองต่อไปนี้เจ้าไม่จำเป็นต้องไปชะโงกส่องดูเงาตนเองในน้ำอีกเลยนะแล้วยามใดที่เจ้าหยิบสิ่งนี้ขึ้นมาส่องดูเจ้าจะได้ระลึกถึงฉันและพวกเราทุกคนว่ายารับกระจกอันเล็กนั้นไปส่องดูอย่างตื่นเต้นยินดีที่เห็นชัดแล้วจับมือของดารินไปวางทูลไว้บนศีรษะ นายหญิงวายาจะไม่มีวันลืมนายหญิงและพวกท่านทุกคนเลยตลอดชีวิตไม่ว่าฤาษีโกนธัญญจะงอบลิ้นและความเข้าใจในภาษาของเหล่าท่านมาให้อีกหรือไม่ลิงทุกตัวในภูเขานิลการนี้ก็เช่นกันขอให้วายาตั้งความหวังไว้ว่าเราจะได้พบกันอีกและวันนั้นวายาก็จะไม่อยู่ในสภาพที่เจ็บป่วยเช่นขณะนี้ และพร้อมที่จะรับใช้เหล่าท่านได้เต็มแรงเต็มกำลังดาริงยิ้มให้พร้อมกับพยักหน้าส่วนมาเรียนนั้นเมื่อจอมวานนอนเอื้อมมือมาจับแขนหล่อนก็ส่งมือให้จับสั่งเบาๆบอกว่าแฟเวลวายาวายากุมมือของแม่มสาวไวในอุ้ง ม, มือทั้งสองพงกศีสะก้มต่ำลงเหมือนจะคาระวะรับคำอำลานั้น แล้วก็ปล่อยมือออกหันไปทางระพินกับแง่ทรายเป็นคู่สุดท้ายพรานใหญ่และคนผู้ที่มีที่มาอันลึกลับวายาไม่อาจลืมตัวสามเขาศัตรูเก่าได้เช่นไรวายาก็ไม่อาจลืมท่านทั้งสองได้เช่นกันขอให้ท่านจงได้รับชัยชนะในทุกอุปสรรคเหมือนเช่นที่ท่านได้ชนะ ตัวสามเขามาแล้วรพินยิ้มให้อย่างเคร่งขรึมไม่กล่าวคําใดทั้งสิ้นนอกจากตบที่ไหลอันใหญ่โตของวายาแทนเครื่องหมายลาแล้วพระเก้าตามหลังคณะนายจ้างของเขาออกมาคงเหลือแต่งแง่ายตามลำพังซึ่งยืนประสานตากับจอมวานอนนิ่งลาก่อนวายาแง่ า, ายกระซิบ อย่าลืมในสิ่งที่ข้าได้บอกกับท่านไว้แล้วนะจักรราชยามใดที่ท่านต้องการวายาและกองทัพนินหลักการจงตั้งจิตอธิษฐานระลึกถึงฤาษีโกนทัญญะจอมพระเนจรก้มศีรษะเราจะไม่ลืมคำของเจ้าเลยวายาแล้วแงาสายก็โบกมือ ทั้งหมดออกมาถึงปากถ้ำตรงหน้าลานซึ่งมีกลุ่มพรานพื้นเมืองรอคอยพร้อมอยู่แล้ว่ามกลางการอแน่นขนาดของประชากรวานอนทั้งหลายที่มาชุมนุมกันเต็มพืชครั้งแรกต่างตกใจเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของพวกพรานซึ่งดูเหมือนจะเป็นเสียงของตาเท้าบุญคําซึ่งเอตโรยช้ำงโฉงเฉงดังยิ่งกว่าใครส่งเสียงดังลั่นไปทั้งลาน ระคนไปกระเสียงขู่โครกคราดของไอ้ธรรมน์ดำพวกนั้นซึ่งและพลุกพล่านนัวเนียไปหมดระพินและคณะไหนจ้างต่างพากันวิ่งพรวดพราดออกมาเร็ ว, รวแต่พอมองเห็นภาพหน้าปากถ้าได้ถนัดตาก็พอจะเข้าใจสถานการณ์ได้ด้วยความขบขันพ่านพื้นเมืองทุกคนกำลังเข้าประจำที่เพื่อเตรียมหาบหามสัมภาระที่จัดไว้เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าไอ้นีลาจอมธมน นำเอาบริวารจำนวนหนึ่งเข้ามาแย่งชิงยืดยุตสัมภระเหล่านั้นชักเย่อแย่งชิงกันอยู่อุตรุดระหว่างพวกครานกับพวกลิงแต่ก็ไม่มีอะไรมารุนแรงนักท่ามกลางการมุงดูและส่งเสียงกันเกลียวกลาวของพลลิงที่แวดล้อมแน่นขนาดทั้งหลายคนอื่นๆยอมแพ้ไอพวกธรมน์เหล่านั้นหมดแล้วโดวยการปล่อยให้มันชิงหีบห่อสัมภร ะ, ระไปแบกหาม ตัวละห่อสองหอ่อจะมีก็แต่บุญคําคนเดียวเท่านั้นที่ยังชักเย่ออยู่ก็ไอหนีลาโดยแกถือยึดไม้คานหักไว้ด้านหนึ่งเจ้าทหารเอกเมืองขีดขินก็ยึดไว้อีกด้านหนึ่งดึงกันไปดึงกันมาอยู่เช่นนั้นปากของตาเท่าก็ดาเอ็ดอึงก่นโคตรไอหนีลาส่วนไอจอมทมลก็แย่เขี้ยวยิงฟันหลอกวิ่งหมุนเป็นวงกลม ดึงไม่คานเทา้าตาเท้าต้องวิ่งบนหมุนจีตามแรงเวียงด้วยพลังมหาศาลของมันไปด้วยเหมือนจะแกล้งยั่วตาเท้าเล่นเพราะถ้ามันจะฉุดกระชากจริงๆมนุษย์ร่างกระจ่อยร้อยอย่างบุญคำก็คงจะปลิวกระเด็นไปหลายวาแล้วดูเป็นที่ชุลมุนโกลาหลจริงบุญคำพยายามจะยกเท้าขึ้นไล่เตะมันแต่ก็เตะไม่ถึงเพราะถูกเวียงหมุนไตู๋อยู่เช่นนั้น เกิดจันเซยสังปาและขยินกำลังยืนหัวเราะกันสนันวันไหวอะไรกันนะบุญคำเชื่อถาตะกูลถามออกไปบุญคำปล่อยไม้คานหลงแพลลงนั่งหอบซี่โครงบานยอมปล่อยให้นีลา่วยหาบนั้นไปยึดครองไว้พร้อมทั้งกระโดดโลดเต้นส่งเสียงขู่ตะคอกหลอกหลอนอยู่เกิดกับจันวิ่งเข้าไปประคองปีกตาเท้าคนละด้าน พยุงให้ลุกขึ้นพลางหัวร่องอหายคณะเจ้านายทุกคนและพรานใหญ่ก็ก้าวเข้ามาถึงตัวแก่พอดีก็ไอ้ดำชิบหายพวกนี้นะสินายแกชี้มือบอกหอบๆแทบไม่เป็นคำพูดกิริยาอึอาดอัดเต็มไปด้วยอาการแค้นเคืองมันเข้ามาปล้นเข้าของของเร า, อา่อนายชิงก็ไปหมดเลยสงสัยว่ามันจะไล่พวกเราไปตัวเปล่า น้อยชะชๆๆ ช, ะ ช, ะชะจัดแจงจขะขโมยของอีกแหละคณะนายจ้างอดหัวรอออกมาไม่ได้ภายหลังจากพิจารณาดูเหตุการณ์รอบตัวในขณะนี้ส่วนรพินจุปากเบาๆพร้อมกับโครงหัวมองดูสมุนเท้าของเขาอย่างทุเรศตะคนขบขันนี่แต่เท่ามันไม่ได้มาขโมยหรือปล้นสัมภาระของเราไปทำไมหรอก ในายใหญ่ของมันสั่งให้พวกมันมาช่วยแบกของทั้งหมดไปส่งเราจนพ้นเขตเมืองนี้มันมาช่วยขนของให้ไม่ต้องลาบากแบกไปเองจะไม่ดีเหรอไปโง่แย่งกับมันอยู่ทาไมก็ทำามจะขโมยหรือปล้นเราอะ่ะโอ้ยป่านนี้มันขบบุญคำขโมงเหลวไปแล้วไม่มาชักเย่ออยู่ยงี้หรอกเว ย, ยจริงๆแต่นี่บุญคากับพริตาปริก ป, ปรปิมองหน้าพรานใหญ่ แล้วหันไปจ้องไอ้นีลาซึ่งบัดนี้กำลังยกคอสัมภาระมีน้ำหนักซึ่งตามปกติจะต้องใช้คนหาบถึงสองคนขึ้นแบกบนบ่าอย่างสบายใจเฉบราวกะแบกถุงนุ่นอะไรกันนายไอจอพวกนี้เนยจะช่วยแบกของไปให้บุญคำดารินพูดพลางหัวรอบพลางเป็นการช่วยแก้ความโง่ของบุญ เป็นการช่วยแก้ความโง่ของบุญคำมาให้วะชายบุญคำว่ายาสั่งให้ลูกน้องของเขามาช่วยแบกของไปส่งเราจนพ้นเขตไงพวกนี้มีเจตนาที่ดีต่อเรานะไม่น่าจะไปเข้าใจผิดเลยที่แรกได้ยินเสียงแออวยวายตกใจททบแย่นึกว่าเกิดอะไรขึ้นที่แท้ก็แย่งของกับลิงนี่ประพรานเท่าทำหน้างง ยกมือเกาหัวอันมีผมหยิกติดหนังศีรษะของแกอยู่แกรกแกกและยิ้มไม่สนิทนักบุญรมในคอก็แล้วกันก็บุญคําไม่รู้นี่ว่ามันจะมาช่วยแบกของให้เห็นมันบอกอะไรอยู่ไม่อยู่ก็ตรงเขามายื้ยุดฉุดกระชากไปดืด้อก็ดูว่ามันจะมาไต่ชิงวิ่งราวอย่างและแกก็หันไปชี้หน้าไอ้นีลาซึ่งประสบตากะแก มันก็เริดหน้าทำปากยื่นให้ซอยริมฝีปากทิ๊บๆๆเหมือนจะด่าต่อปภาษาลิงเออดีละมึงไอ้หอยมึงแบกของแทนกูไปดีใช่นะอย่าตกหล่นเสียหายไปกระขาดไม่งั้นพ่อจะกระเืิบไปร้องเจีย๊ยบทีเดียวพูดภาษาคนก็ไม่เป็นดีแต่ร้องครอกครอกรอกูจะไปฟังมึงรู้เรื่องรงไงวะนี่ลามหมุนตัวหันหลังให้ แล้วเอาตีนวัดดินลูกรางใต้เท้าข้างที่มันเหยียบยืนอยู่กระเด็นเข้าใส่หน้าบุญคำที่กำลังสาบเช่งมันอย่างแม่นยังแต่ถ้าร้องวกักหลับตาปีพร้อมกับร้องตะโกนด่าพ่อล่อแม่เจ้านีลาอึงไปหมดทำให้ทั้งคณะหัวเราะกันจนตัวงอแม้แต่ระพินผู้ยิ้มยากที่สุดก็ยังเอาหลังมือปิดปากก็ยังเอาหลังมือปิดปากกึกกึ อยู่ในลำคอรบรรยากาศเต็มไปได้วยความคื้นเครง่งบุญคำนั้นดายังไม่หายแค้นจกแกงวิ่งตือเข้ไปหมายจะถีบมันให้เต็มรักแต่นีลาก็ยอดนักเลียงเมืองลิงเหมือนกันไม่ยอมให้ใครมาลบเหลี่ยมลูปคมได้ไง่ายงเพราะตาเท่าแล่นปราดเข้ามาใกล้มันก็หันขวับมาไปเชิญหน้ายัางเตรียมพร้อมที่จะรับมือทั้งๆ ท, ที่ยังแบกของอยู่ทำเอาตาเท่าผู้อดเก่งต้องชงงะงักกึก ขบเกี้ยวเขียวควันกล่าวอาฆาตไว้ฝากไว้ก่อนเถอะมึงไม่ถึงที่กูบ้างก็แล้วไปงองแงไม่เข้าเรื่องตาเท่านี่ลาช่วยแบกของอน่ะดีเท่าไหรแล้วมาเรียร้องบอกมาอย่างรำคาญใจบุญคําหันมาค้อนอุบอิบออกมาเป็นภาษาไทยนี่นี่นี่อย่าพูดมากเลยูกวะแหม่มกด็ดีประเดี๋ยวพัทิงอยู่มีเป็นเมียลิงอยู่ที่นี่เลยพับพาดี ก็โชคดีไปอย่างที่แกพูดออกมาโดยไม่มีใครสนใจหรือได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าตัวคนที่ถูกนินทาเองและขณะนั้นคณะทั้งสิบสองคนยังไม่ทันจะตั้งตัวหรือจัดรูปขบวนใดๆได้ถนัดผลลิงภายใต้การนำของนีลาซึ่งบัดนี้ยึดสัมภาระได้แล้วตัวละห่อสองหอ่อก็พากันยกขบวนเคลื่อนที่ไปในทันที อย่างไม่สู้เป็นระเบียบเรียบร้อยนักเดินไปตามหนทางซึ่งเป็นเส้นทางที่นำขึ้นมาสู่ใจกลางนะครลิงอันเป็นทางเดียวกับที่คณะทั้งหมดผ่านขึ้นมาในครั้งแรกทาให้รถรพินต้องให้สัญญาณกับพักพวกทุกคนออกเดินตามหลังพวกมันไปโดยเร็วด้วยความรู้สึกขันขันในอารมณ์พวกพรานทั้งหมดซึ่งตามปกติแล้วจะต้องแบกหาม บัดนี้ก็ここเลยได้โอกาสเดินกันไปตัวเปล่าปราศจากสัมภาระใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะเก็บไมคานหาบที่ไอ้พวกลิงเหล่านั้นทิ้งไว้อย่างไม่สนใจยินดีติดมือไปด้วยเพื่อว่าจะได้ใช้หาบตามเดิมภายหลังจากที่มันแบกไปส่งพ้นบริเวณไปแล้วเชษากดารินมองตามหลังเจ้าโมโณที่ช่วยแบกของลิวนำหน้าไปเหล่านั้น ด้วยสายตารักใคร่เอ็นดูผิดกับเมื่อครั้งที่ประจันหน้ากับพวกมันในครั้งแรกชนิดหน้ามือเป็นหลังมือท่านหัวหน้าคณะบุยปากให้พักพวกและตามหลังไอ้เหล่านิลเพชรพวกนั้นไปนี่นึกถึงวันที่มันมาเคลื่อนย้ายขโมยสัมภาระของเราไปในครั้งแรกพวกมันก็คงจะช่วยแบทไปอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละของหนักๆพวกมันต้องหามกันสองคน มันตัวเดียวหิ้วไปได้อย่างสบายมหน้าล่ะถึงไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยพี่ใหญ่ค่ะนึกไม่ถึงนะคะว่าในที่สุดพวกมันจะกลายเป็นมิตรที่น่ารักของเราไปได้น้องสาวบอกมาด้วยน้ำเสียงชื่นชมนี่ถ้ามันช่วยแบกไปจนถึงเนินพระจันทร์เราจะสะดวกสบายกันอีกมากทีเดียวแล้วก็น่าจะเป็นไปได้ง่ายๆด้วย ถ้าเพียงแต่ว่ายาสั่งเท่านั้นชยันว่านี่อย่าเห็นแก่ตัวเอาแต่ได้นักเลยชัยันเพื่อนสาวติงว่ายาช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่เราแค่นี้ก็นับว่าดีที่สุดแล้วเดินกันมาตั้งแต่หลุมช้างจนถึงที่นี่ทำไมเราจะเดินต่อไปตามลาพังของพวกเราไม่ได้และจะว่าอันที่จริง เธอเองก็ไม่ได้มีภาระแบกหามอะไรเลยพวกพรานของระพินดิที่เขาแบกหามอยู่ยังไม่เห็นบนสักคำจริงด้วยสินายทหารอย่าไปไว้ใจไอ้ลิงพวกนี้นักนะโดยเฉพาะไอ้นีลานั่นแหละตัวดีบุญคำเดินอยู่ใกล้ๆได้ยินข้าวก็สอดแทรกเข้าหมถ้าว่ายาคุมมาด้วยก็ไม่เป็นไรหรอกขืนปล่อยให้ ไอ้นีลาเป็นหัวโจกคุมมาตามลำพังแบบนี้และจะว่าบุญคำไม่เตือนว่าแล้วแกก็หัวเราะหือๆชยยันสะดุ้งใจในน้ำในคำพูดของตาเท่าเจ้าความคิดจะ ป, ประดลนและพลอยเห็นจริงด้วยเลยไม่กล่าวอะไรในเรื่องนี้เชื่อถาสาวเท้าเข้าไปใกล้พรานใหญ่ถามว่า สุดปลายทางที่มันจะแบกของไปส่งเราอยู่ที่ไหนกันนึกออกไหมผู้กองก็คงจะเป็นที่ราบต่ําเบื้องล่างของเขาลูกนี้แหะครับหรือมันจะไปส่งเราได้ไกลอีกแค่ไหนก็สุดแล้วแต่มันเถอะหลังจากนั้นเราค่อยตั้งทิศใหม่แต่ผมว่าคงไม่ผิดจากเส้นทางที่เราจะบ่ายหน้ากันไปนักหรอกครับเพราะถึงยังไงวายาก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไปทางด้านไหน และคงต้องสั่งกำชับบริวารมาแล้วเป็นอย่างดีแล้วครับโดยหนทางที่ไต่ขึ้นมาสู่ชะ ง, ง่อนผาใหญ่อันเป็นนครว่านนอนนั้นทิศทางเดินเวียนวกลงไปสู่เบื้องต่ำเท่าที่เคยผ่านกันขึ้นมาในครั้งแรกเป็นลำดับทั้งหมดเดินกันไปตามสบายในลักษณะรวมกลุ่มโดยมีเจ้าพวกธรรมนแบกของเป็นทิวนาอยู่เบื้องหน้า ห่างออกไปประมาณ30เมตรมีพวกประชากรลิงทั้งลูกเล็กเด็กแดงแห่ขบวนตามหลังกันมาเป็นพรวนในระยะช่วงแรกของถนนบนไหล่เนื่องนั้นครั้นเริ่มห่างลงไปก็ค่อยๆเร้นหายเบาบางตาลงไปทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็เหลือแต่เจ้าตัวใหญ่ๆอันเป็นกองกำลังหรือที่ชัยยันเรียกชสหรุราว่า ขบวนกองทหารเกียรติยศประมาณ20กว่าตัวเท่านั้นที่รายล้อมตามมาด้วยยกเว้นจากเจ้าพวกที่แบกของระยะนี้พวกลูกหาดทั้งหลายพากันเดินไปเดินมาอย่างสบายตัวเป็นครั้งแรกเพราะไม่ต้องแบกหามให้หนะักพากันเดินจับกลุ่มสนทนากันอยู่เบื้องหลังชมนกชมไม้และธรรมชาติป่าเขาลำน้ำไพรอันสวยสดระกาตา ยามแรกอรุณไปอย่างเพลิดเพลินปล่อยคณะนายจ้างเดินล้ำไปเบื้องหน้าขณะที่ผ่านหน้าผาน้ําตกใหญ่บุญคําก็ปลดปลีกตัวเข้าข้างทางเด็ดช่อกล้วยไม้ป่าอัน ง, งามสะพรั่งไปด้วยสีสันมาสองช่อช่อหนึ่งเอามาฝากคุณนายหญิงซึ่งก็ได้รับคําขอบใจและรอยยิ้มอันอ่อนหวานส่วนอีกช่อหนึ่งเอาซ่อนหลังไว้ไมใ่ใครเห็น พอทุกคนเผลอก็แอบเรียบเคียงเดินกระแซะใกล้เข้าไปหาในแมมมาเลยลืมตาโตห่อริมฝีปากอย่างดีใจอู้ขอบคุณมากบุญคำนี่เป็นครั้งแรกนะที่ฉันเห็นบุญคำน่ารักเหลือเกินแต่เท่าอาปากหัวเราะจนเห็นเหงือกดำคลำํำคนเรามันก็ต้องมีความน่ารักมั่งสิในแมมก็ หายเกลียดไอ้คำไม่ยังอ่ะทีนี้ฉันไม่ได้เกลียดบุญคำหรอกนะแม่มสาวว่าถ้าไม่มีบุญคำฉันคงเหงามากเพราะไม่รู้จะด่าใครยิ้มของแกที่เปิดออกไปหวานจ้อยในคำพูดประโยคแรกของมาเรียก็พลันหุบสนิทลงในทันทีที่ได้ยินประโยคหลังหล่อนชํำเลืองคอนอีโธให้มันได้อย่างงี้สินะ ไม่มีบุญคํามันนึกว่าจะเหงาเพราะอะไรหน่อยเหงาเพราะไม่รู้จะด่าใครแทนเอาดอกกล้วยไมมาให้นึกว่าจะให้รางวัลอะไรมั่งก็เปล่ามาเรียหัวเราะเสียงใสแลวจูบที่ปลายนิ้วของตนเองแล้วเอานิ้วข้างนั้นไปละเลงลงบนศีรษะของตาพรานเท่าอย่างสบายเพราะช่วงตัวที่สูงกว่ามากฉันไม่มีอะไรจะรางวัลให้บุญคําได้สักอย่างเดียว ถ้ามกลางความยากไร้กลางป่าอย่างนี้ก็ไม่ต้องอะไรมากหรอกหนแมมแค่พูดได้หวานหวานขุยแก่หน่อยเดียวเท่านั้ น, นอะไรเอาแตดา่ดาดาดาเท่าลามกบ้างละเท่าโสโครกบ้างละโอ้แต่เท่าน่ารักคืนนี้จะนวดให้ฉันอีกไหมบุญคำยิ้มออกได้ ฉมายหางตาดูเรือนร่างอันหน้ารูปคำขยาขยี้นั้นอย่างคลึ้มใจโถใช้บุญคำมาเถินนานายแม่มบุญคำนะยินดีทำให้นายแม่มเสมอละ่ะโอเคพักนอนที่ไหนก็ตามคืนนี้ฉันใช้บุญคำช่วยนวดให้ฉันมาเรียทำหน้าขึงขังบอกแล้วเดินห่างแกออกไปจนทันกับกลุ่มของเชษฐาที่ล้ำหน้าไปก่อนก็พอดีกันกับที่บุญคำ ผู้มองตามบั้นท้ายไปอย่างครื้มอกครื้มใจถูกตามทันโดยเกิดจันเสยและส่างปากับขยินไงกะหลีกะหลออะไรกันในแหม่มแต่เท่าละมกขยินผู้ฟังภาษาพม่ากออกเอ่ยถามโผลงขึ้นมาหน้าตาเฉยเพราะดูเหมือนจะได้ยินคำพูดของทั้งสองแววๆตอนเร่งฝีเท้าเข้ามาักลต้บุญคำหันไปทำตาเขียวโธ่ไอสังคโรคขยิน ก็เดี๋ยวก็ทีไปอยงข้ายินเสียยิ้มอย่างรู้ทันแต่ยินนัดแว่แววว่าจะนัดนวดกันไว้เอยฮะจันเกิดเสย อ, อุทานขึ้นมาพร้อมกันลืมตาโพลงแล้วพากันหัวรอกกากระวังนะลุงคําแล้วจะว่าไม่เตือนแล้วเดี๋ยวแม่ก็เอาเส้นตีนน้อ ย, อ, ยอันน้าเอ็ดูยอปังก็ให้ โควคมเมนเคๆเออกมาอีกล้นี่ไอเรื่องบีบนวดนวดนี่ยังไม่เข็ดอีกเหรอโธไอชิปหายพวกนี้นี่เดี๋ยววัดไต่กราดเลยไปเชื่อไอเปรดข ย, ยิน่นแม่ไม่ได้บอกให้ข้านวดสักหน่อยโว้ยบุญคำสมบดอุบแล้วเดินหนีจากเจ้าพวกปากเปราะเหล่านั้นไปซะไอพวกรู้ทันปากขันทั้งนั้นระพินไพรวัน คาดคเนและบอกท่านหัวหน้าคณะไว้ถูกต้องนีลานำพักพวกธรมนของมันช่วยแบกของตัดลงจากลูกเขามาสู่พื้นที่ราบต่ำอันปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้าและบ่ายหน้าอ้อมตีนเนินตัดไปทางด้านเหนืออีกพักใหญ่พอถึงเขตแนวลำธารเล็กๆที่ไหลเอื่อยออยขวางกั้นอยู่พวกมันก็วางสัมภาระเหล่านั้นกองรวมกันไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเรียบร้อย ยืนจับกลุ่มรวมกันอยู่รอให้ฝ่ายมนุษย์ทั้งหมดเดินตามมาจนถึงประหนึ่งจะเป็นสัญญาณบอกให้ทราบว่าหน้าที่ของพวกมันที่มาส่งหมดสิ้นลงเพียงแค่นั้นตามคำสั่งของวายาผู้เป็นประมุขกระพินยิ้มออกมาเล็กน้อยเมือนีลาเดินสายอาดอาดสองขาเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาทำอาการก้มก้มเงยเงและส่งเสียงร้องอื้อ ในลำคอตามธรรมเนียมของมันเหมือนจะพูดอะไรด้วยเอาละครับเขาหันมาบอกกับคณะนายจ้างทุกคนเบาๆมันส่งเราแค่นี้ละครับต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราเองแล้วละ่ะเช่อฐาพยักหน้ายิ้มพรายขณะที่มองดูนีลาและบริวาณชะกันของมันเหล่านั้นด้วยสายตาอันรักสนิทประหนึ่งมันเป็นมนุษยชาตเช่นเดียวกันกับเขา สียงชัยยันซึ่งอดไม่ได้ที่จะพึมพำออกมาว่าหึน่าเสียดายจริงๆไอ้เวนจะไปส่งให้ไกลกว่านี้อีกหน่อยก็ไม่ได้จัดแจงวางของจะกลับกันซะละแต่เอาละส่งแค่นี้ก็ดีเหลือหลายแล้วท่านหัวหน้าคณะก้าวล้ำออกไปเบื้องหน้าเผชิญกับนีลาในระยะใกล้แล้วก็เอื้อมมือไปตบที่ไหลอันรุงรงังไปด้วยขนนั้นคันแล้วก็กล่าวด้วยยิ้มยิ้ กับใจเจ้ากับพวกของเจ้ามากนะนีลาที่ช่วยมาส่งเราถึงที่นี่เราทุกคนจะลาจากเจ้าที่นี่เลยนะขอให้โชคดีแล้วก็กลับไปได้แล้วคุนทหารเมืองวานนอนทําเสียงทีทีในลําคอดังลั่นขึ้นแย่คิ้วขาวแงะประงกหัวก้มๆเงยๆอยู่งึกหงักเหมือนจะคํานับรับคําปราศัยอําลาอันเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพนั้นแล้วมือกวาดละ แต่ต้องไปถูกเนื้อตัวของทุกคนใครจะกล่าวคำอำลาอย่างอะไรเช่นกันมันจับจับคลำคลที่มือของเชตฐาและดาริงอย่างแผ่วเบามีอาการยำเกรงคารวะอยู่ในทีแล้วก็ขยับเข้ามาเอามือจับตามสีสะอันประดับไปด้วยเส้นผมสีทองของมาเรียกับแก้มคางจมูกเหมือนจะให้ความพิศวงสนใจเป็นพิเศษพอหันไปทางชายันมันก็ชะงัก มีอาการรีร ร, รอๆออยู่ไม่กล้าจะเข้าไปใกล้ชัยยันหัวเราะออกมากว้างๆส่งมือมาให้พร้อมกับพยักหน้าไอ้เพื่อนยากนี้ลาจะไม่ได้เป็นศัตรูกับแกหรอกแล้วก็แท้จริงแล้วก็ไม่ได้เกลียดชังแกหรอกฉันเชื่อว่าฉันคงคิดถึงแกไปอีกนานทีเดียวในการจากกันครั้งนี้มาเรี๋มาจาับมือกันนีลาเปิดริมฝีปากบน ไปแปะไว้ชิดจมูกอันหักรันหน้าเกลียดของมันเอียงหน้าซ้ายทีขวาทีธรรมการส่งมือชนิดยื ด, ยดมาให้เขาชายันจึงกลากเข้าไปกอดคอมันไว้อย่างถือสนิทแต่แล้วก็ต้องหดคอหลับตาลงเมื่อแลเห็นเขี้ยวยาวร่วมสองนิ้วครึ่งแหลมเปียบห่างจากใบหน้าเขาองคุลีเดียวพอมันอ้าแขนจะกอดตอบเขาบ้างก็รีบปลีตัวหลบออกมาสก่อน สำหรับกระผินมันกำมือเข้าไว้และสั่นเบาๆเหมือนนาการของคนกับงะทรายมันก็เดินเข้าไปทําเสียงต่าๆในลําคอเหมือนจะพูดอะไรด้วยส่วนกับพรานพื้นเมืองทั้งหลายมันไม่แสดงอาการสนใจใดๆด้วยทั้งสิ้นแสดงว่ามันรู้ฐานะของบุคคลเหล่านั้นและไม่ประสงค์จะตอแยใดๆด้วยทั้งสิ้นอย่างว่ายท่าทีของมันเหมือนกันเพียงแต่จับหางตาชำเลืองอยู่ที่บุญคําตลอดเวลา แต่หนึ่งจะคอยสังเกตว่าต่เท่าเจ้าอุบายจะออกลูกไม้อะไรแก้ผิดมันบ้างหรือไม่ก่อนการอำลาจากและมันกับพวกก็ถอยออกไปรวมกลุ่มหลีกทางอยู่ด้านหนึ่งเราดูการจากไปของอาคันตุ ก, กะมนุษย์ผู้ผ่านเข้ามาเยือนถิ่นของมันเยี่ยงมิดผู้มีบุญคุณ <S <S เมื่อนั้นระพินก็สั่งให้คนของเขาเข้าประจำหีบหอสัมภาระทันที ของเหล่านั้นถูกขบวนลิงช่วยกันขนมาให้อย่างเรียบร้อยไม่มีอะไรตกหลน่นหรือผิดรูปรอยไปจากคอที่มัดไว้อย่างแน่นหนากูหักหามเป็นไปตามแปลนเดิมอีกครั้งคือขยินคู่กะแง่ทรายซึ่งมีร่างกายสูงใหญ่พอๆกันเกิดกับเสยและจันกับบุญคำส่วน้างปาก็สะพายสัมภาระอีกห่อหนึ่งต่างหากเป็นเอกเทศไปก่อนการยกของขึ้นไหล แง่าสายก็ก้าวเข้ามาหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าของชายันพร้อมกับรอยยิ้มอันเปิดเผยที่ชายันแลเห็นเป็นครั้งแรกรู้สึกว่าแกมีอะไรอยากจะพูด ก, กับฉันเหรอแง่าสายครับนายทหารคือผมได้ข่าวว่าปืนที่นายทหารใช้อยู่ในขณะนี้มีน้ำหนักมากและนายทหารก็ระอาที่จะแบกเต็มทีแล้วผมเองก็ไม่มีปืนที่จะต้องเป็นภาระอีกแล้วถ้านายทหารไม่อยากจะขนน้ำหนักอีกต่อไป ก็ปรุกให้ผมรับใช้เถอครับชัยยันหัวเราะตบไหลแงซายหนักหน่วงน้ำใจของแกน่ารักมากแงซายมันได้พิสูจน์มาแล้วโดยตลอดไม่ว่าเรื่องใหญ่หรือเรื่องปริย่อยเพียงเล็กน้อยที่แกได้ข่าวมานะัน่ะมันเป็นการพูดเล่นยังไม่มีอะไรจะพูดของฉันเท่านั้นแหละแกเองก็เคยเป็นทหารเหมือนกันน่าจะรู้น้ำใจของทหารดีอยู่แล้วในทหารที่ดีน่ะ จะไม่เอาเปรียบผู้ใต้บังคับบัญชายศชั้นที่ต่ำกว่าแกเป็นร้อยโทฉันเป็นพันตรีเพราะฉะนั้นขอขอบใจแกในข้อเสนออย่างหวังดีนี้แต่ฉันไม่เอาเปรียบแกแน่นอนหลายป่าหลายเขามาแล้วที่ฉันสะพายมันมาได้ก็ทำไมฉันถึงจะต้องโอนภาระไปให้แกด้วยอะในเมื่อแกก็มีหน้าที่จะต้องแบกหามอยู่แล้วนี่ง่ใสชิดเท้าตรง แล้วก้มศีรษะโค้งคำนับเขาด้วยวินัยของทหารโดยไม่กล่าวอะไรอีกนอกจากยิ้มละไมยอยู่ในสีหน้าอันดูแจม่มใสกลางแสงอรุณเรืองรองนั้นเมื่อเอ่ยกันถึงเรื่องปืนก็ทำให้เชษฐานึกอะไรขึ้นมาได้เรียกรพินขึ้นเบาๆพอจอมพรานหันมันหันหน้ามาก็ถามว่านี่ผู้กองคุณคิดเหมือนผมไหม ในข้อที่ว่ามือดีๆอย่างแงซายนะไม่ควรจะเดินมือเปล่าเราไม่ห่วงเ้าหรอกแต่เราห่วงบุคคลอื่นๆซึ่งควรจะอยู่ในรัศมีคุ้มครองของเขาด้วยในกรณีฉุกเฉินอย่างที่พบพบกันมาแล้วท่านหัวหน้าคณะรอบคอบและเล็งเห็นการไกลเสมอระพินไพยวันช่างใจแล้วก็จาต้องผงกหัวยอมรับครับก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเองก็ไม่ต้องการให้แงซายทิ้งหาบ และเเ็นเหนียวตัวรอดในขณะเกินเทตุฉุกเฉินจะมาอ้างทีหลังว่าตัวเองมือเปล่าถ้างั้นไงไซายก็ควรจะรับโอนปืนจากใครสักกระบอกหนึ่งในบรรดาปืนยาวสิบกระบอกที่เราเหลืออยู่นี่นะเชษฐาพูดอย่างไตรตรองพร้อมกับกวาดตามองไปยังบรรดาพักพวกทุกคนดารินขยับจะปลดจุด300ศูนยเวเอร์อันเป็นไรเฟิลประจามือออกจากไหล แต่พี่ชายเอามือแตะยับยางไว้อย่าไม่ได้น้อยในบรรดาพวกเราทุกคนรวมทั้งรพินด้วยถ้าคิดกันอย่างรอบคอบที่สุดแล้วจะปลดปืนไปแง่ทรายไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวเพราะตามปกติพวกเราก็เดินกันตัวเปล่าไม่ต้องแบกหามอะไรอยู่แล้วมีหน้าที่โดยตรงที่จะต้องคุ้มครองพวกแบกหามทั้งหลายและน้อยเองก็มือไม่เลวนักเพราะฉะนั้นปืนที่จะโอนไปให้ประจําตัวแง่ทราย จะต้องพิจารณาเอาจากพวกที่แบกหามนั่นแหละกระบอกใดกระบอกหนึ่งซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่รัพินจะต้องพิจารณาเพื่อความเหมาะสมตัดลูกซองสองก็บอกใช้ไรเฟิลจอมพรานหันไปพิจารณาดูคนของเขาทั้ง4อย่างตรีตรองเชษฐามีเหตุผลข้อคิดที่รอบคอบเสมอซึ่งเขาก็เห็นด้วยเมื่อแรกที่สุดนั้นภายหลังมรณกรรมของดร์ฮอฟมัน จุด460 w e a อร์ m a x ของสามีมาเรียถูกกำหนดให้แงซรายเป็นผู้ถือประจำส่วนจุด375 m FN ที่เคยประจำมือแงซรายถูกโอนต่อไปให้สางตาครั้นต่อมาจุด458ของเชษฐาบนปี้แหลกพินาศไปเพราะก้อนหินใหญ่บดลงมาทับอันเกิดจากฤทธิดเดชของเจ้าสมิงพรเสือโครงดำแห่งนิทรานคร เจถาก็จำเป็นต้องเรียกปืนของสามีผู้ล่วงลับของมาเรียมาใช้แทนโดยให้แง่ทายกลับไปใช้ f n กระบอกที่โอนไปให้สางตาตามเดิมส่วนเจ้าสางตานั้นทุกคนเห็นไม่มีความจำเป็นอย่างใดที่จะต้องใช้ปืนยาวประจำตัวนอกจากนายแม่มของมันจะให้ปืนสั้นจุดสีห้ารีวอลเวอร์ของหล่อนเองไว้สาหรับติดเอวมาแบบนี้ FM ของแง่้ายก็มาปนไปอีกกระบอกหนึ่งกลายเป็นว่า12คนมีไรเฟิลและลูกซองเหลืออยู่เพียง10กระบอกก็จะต้องมีคนไหลว่างเปล่าสองคนและในจำนวนคนที่ไหลว่างเปล่าไม่มีปืนยาวติดตัวเลยนี่ก็สมควรจะเป็นคนที่ใช้ประโยชน์จากปืนยาวได้น้อยที่สุดสาตานั้นถูกต้องแล้วเพราะมันยิงปืนไม่แม่นและการตัดสินใจในกา ร, รเผชิญหน้าเหตร้าย เพื่อจะปกป้องตัวเองหรือคนอื่นก็ยังไม่อยู่ในขั้นไว้วางใจได้มากนักส่วนอีกคนหนึ่งจะให้เป็นแงซ า, ายซึ่งจัดว่าเป็นไรเฟิลแมนคนหนึ่งก็ย่อมจะไม่ถูกต้องเชิดาให้ข้อคิดแก่เขาไว้ถูกต้องแล้วายินกับจันใช้ปืนลูกซองคนละกระบอกก็เป็นปืนที่ไม่อยู่ในข่ายพิจารณาให้แงซ า, ายถือเพราะรัศมีในการควบคุมสถานการณ์จากัดไป แต่ถ้าบุญคำมีไรเฟิลจุดสมเจหแม็กอยู่กระบอกหนึ่งอันเป็นปืนของเขาเองจะสั่งให้โอนให้แง้ า, ายก็ใช่ที่บุญคำแม็จะดูว่าไม่ค่อยจะได้สตินะักแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์จำเป็นขึ้นมาแกก็อยู่ในฐานะยอดพรานคนหนึ่งเหมือนกันก็เห็นจะมีผู้ถูกพิจารณาอยู่แค่สองคนเท่านั้นคือพรานเด็กหนุ่มสองคนเกิดกับเสยผู้ใช้ไรเฟิลขนาดสสิบ ทับ06หด้วยกันทั้งคู่กระบอกหนึ่งเป็นมาลิเกอร์อีกกระบอกหนึ่งคือสี่แสตจุดวิเคราะห์ของเขามาหยุดหยุดตรงจุดนั้นก็พอดีกับที่เชษฐาเอ่ยถามต่อมาเหมือนจะเป็นใจเดียวกันกับเขาว่านี่ผู้กองระหว่างเกิดกระสรอนะคุณว่าใครยิงปืนได้ดีกว่ากันแทนคำตอบจอมพรานเรียกเสห้เข้ามาหา พร้อมกับปลดมัลลิคอร์30ทับออกจากไหลนั่นย่อมเป็นความหมายบอกให้คณะนายจ้างของเขาทราบแล้วว่าเสยมืออ่อนที่สุดเจ้าลูกศิษย์พรานรุ่นหนุ่มของเขาก็ไม่ได้แสดงอาการหวงแหนปืนอย่างใดทั้งสิ้นรงข้ามกลับยิ้มแป้นไปซะอีกในข้อที่ว่าต่อไปนี้มันมีหน้าที่แบกหารอย่างเดียวได้อย่างเบาไหลเกิดเรื่องอะไรก็วิ่งแอบต้นไม้ดีกว่า สะดวกปลอดภัยดีปล่อยหน้าที่รับมือให้แก่พวกที่มีปืนทั้งหลายและไม่ว่าเรื่องภัยอันตรายใดๆก็ตามทีที่เกิดขึ้นในป่าดงพงไพรถ้ารู้จักหนีหรือหลบซะอย่างเดียวก็ดูเหมือนจะปลอดภัยกว่ายืนปักหลักสู้ซะอีกข้อนี้เสยย่อมกระหนักได้ดีในฐานะที่เป็นลูกป่ามาแต่กำเนิดไม่ต้องพูดอะไรกันมากทั้งสิ้นพอนายสั่งให้ปลดปืน เสรก็ลวงย่ามหลังส่งกระสุนที่มีอยู่ทั้งหมดไปให้ด้วยอย่างรู้กันดีอยู่แล้วระพินถือปืนกระบอกนั้นเดินเข้าไปหยุดตรงหน้าเงยสายและโดยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเขาโยนปืนกับกระสุนให้เงียบเงียบเงยสายรับไว้พร้อมกับกระซิบนี่ผูก้กอนี่จะไม่ยอมให้ผมมีความสบายในฐานะลูกหาบบ้างเจ้เหรอ อุตส่าออกลูกไม้ทำปืนที่สะพายหนักอยู่พังไปกระบอกหนึ่งแล้วยังอุตส่าหไม่ยัดเยียดให้อีกเลยพรานใหญ่ชงะงักกึกมองหน้าเกือบจะโกรธแต่แล้วก็เท่าทันว่าถูกยั่วพยายามสะกดอารมณ์ไวะเปลี่ยนมาเป็นหัวเราะนี่เดีย๋ยวฉันบอกนายจ้างเขาไหมละ่ะว่าแกมิเจตนาจะแกล้งทำให้ปืนพังไปกระบอกนึง ก็ใครเขาจะเชื่อผู้กองล่ะแต่ถ้าจะบอกให้โง่ผมก็ไม่ขัดนะอย่าจั่วนะแง่สายฉันไม่อยากมีโรมูดหงิดกระแกะรอกตรงข้ามกับผมนะครับผู้กองมีสเสน่ห์มากก็อีตอนหงุดหงิดนี่แหละผมชอบเห็นมันเป็นภาพที่น่ารักครับแง่สายพูดหน้าตาเฉยก็พอดีกระดารินวรารริปเดินตรงเข้ามาใกล้ จึงทำหน้าตายแกล้งกลบเกลือนขึ้นมาปืนสองไกผมไม่เคยยิงนะครับไม่ยากหรอกแน้ทายหันปากกระบอกส่องให้ตรงลูกตาตัวเองแล้วเอาเนิ้วเหนียวไก่ก็เท่านั้นแหละระพินพูดเรียบเรียบเช่นกันแล้วเดินจากไปดารินได้ยินขนัดขบดีร้องตามหลังไปว่าบ้าระพินสอนดีนะักนี่ เงาทรายทำไมไม่บอกให้เขาทดลองยิงให้ดูอ่ะไอ้วิธีสองปากกระบอกให้ตรงลูกตาแล้วเหนียวไกลที่เขาบอกนั่นละหล่นค้อนขวับตามหลังแล้วหันมาทางเงาทายสอนว่าเรานี่ก็ตัวดีแท้นะสอนไม่รู้จักจำไปทำอะไรให้เขาถึงได้กลายเป็นไฟขึ้นมาอีกอะมานี่จะบอกให้ปืนสองไกลทุกชนิดเนะี่ยไกลหลัง เป็นไกที่จะตั้งให้ไกหน้าเบาลงเหนี่ยวไกลหลังให้ค้างไว้ก่อนแล้วแตะไกหน้าเบาๆเท่านั้นก็จะลั่นทันทีแต่ถ้าไม่อยากจะให้ไกลเบาเกินไปก็อย่าไปยุ่งกับไกลหลังเหนียวเฉพาะไกหน้าเหมือนปืนธรรมดานั่นแหละนี่จะต้องให้ฉันออกมาพร้าวห้าวมาขายศูตรนี่ยังไงนะปะเดี๋ยวก็ตกเปรี้ยงเลยทั้งหมดลุยข้ามลำธารแคบๆที่ไหลเรื่อยประดุดงูสีเงิน ตัดผ่านทุ่งหญา้าเกลียนเป็นระเบียบเหมือนสนามกอล์ฟนั้นไปสู่อีกฝากหนึ่งในขณะที่นีลาและไพรพลนของมันยืนรวมกลุ่มเฝ้ามองอยู่เงียบๆโดยมีพรานใหญ่เป็นคนสุดท้ายคอยดูความเรียบร้อยอยู่เบื้องหลังบุญคำกับจันเป็นคู่หลังสุดที่จะก้าวลงลำธารแต่ถ้าวางแผนการไว้เรียบร้อยแล้วที่จะต้องแก้แค้นเจ้านีลาให้ได้ตาม ใ, ใจเจ้าเล่เพทุบาย แล้วไม่ยอมเสียเชิงนักเลงให้แกใครพะชำเรืองเห็นครานใหญ่ผู้เป็นนายยืนอยู่ข้างหลังเป็นหลักประกันให้กับแกเป็นอย่างดีแล้วโดยที่เขาก็ไม่ได้ตั้งใจก่อนที่แกจะก้าวตามจันลงไปในน้ำก็คเมันมองเป้าหมายระหว่างขาของเจ้านีลาผู้ยืนจังก้าสองขาอยู่ใกล้ๆเหวี่ยงลูกหลังแบบเจร เ, าาเข้ฟาดหางพับ้าไปตรงเป้าหมายอย่างแม่นยาแล้วก้าวหนีลงน้าไปดยเร็ว ไอ้นีลาผู้หลวมตัวเสียทีคู่อริร้องเจี๊ยกออกมาจริงๆกระโดดโยงจนตัวลอยแล้วเต้นโยงเ ย, ยงเป็นเจ้าข้าวส่งเสียงโวกวากอย่างเป็นเดือดเป็นแค้นแต่ก็ไม่ทันเชแล้วเพราะต บ, บุญคำผลักคานหาบดุนจันซึ่งหามอยู่เบื้องหน้าให้วิ่งหัวสุนหนีออกไปกลางน้ำพร้อมกับหัวรอคิ๊กักอย่างชอบอกชอบใจมันจึงเหลียวไซเหลขวายอย่างรวดเร็ว แล้วก้มลงคว้าก้อนหินกล้ๆลูกเขืองขนาดครกขึ้นมาชูเหนือสีสัะหมายจะทุ่มตามหลังบุญคำไปชนิดที่ถ้าถูกคอก็คงคอหักแต่แล้วมันก็ต้องชะ ง, งักแยกเขี้ยวยิงฟันเหมือนจะสะบทสาบานกล่าวอาฆาตตาเท่าอยู่เช่นนั้นพระรพินผู้แลเห็นเหตุการณ์ได้เพียงชั่วแวบเดียวและยังไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้นักว่าเรื่องที่ทาแมนีลาเดือดแค้นอยู่ในขณะนี้มาจากลูกไม้ทีเด็ด ของสมุนมือขวาจอมแก่นของเขาปาดเข้ามาขวางหน้าไว้ก่อนพร้อมกระบวกมือสายหน้าอยู่ไปมาเป็นเครื่องหมายห้ามยานีลาถ้าถูกเขาตาเท่านะคอหักตายทันทีนะอย่าทำกันเลยเขาพูดกับมันนีลาแสดงอาการฮึดฮับหัวฟัดหัวเวียงคำเม่นมองตามหลังบุญคำผู้เดินหัวรอคิกคัดห่างออกไปอย่างแค้นเคืองเต็มที แล้วโยวนก้อนหินในมือทิ้งอย่างเสียไม่ได้ทำเฉียงอึกอักในลำคอเหมือนจะฟ้องว่าตาบุญคำทำอะไรมันไว้ซึ่งรพินก็เพิ่งเข้าใจเขาจุปากเบาๆคลงศีรษะด้วยความระอาใจลวงย่ามหลังหยิบเอาน้ำตาลปอนที่หลงเหลืออยู่ถุงหนึ่งผนึกไว้ด้วยพลาสติกอย่างมิดชิดส่งไปให้มันเป็นรางวันต้มตบศีรษะเบาๆอีกครั้งหนึ่งอย่างรักใคร่ และจึงลุยน้ำข้ามไปยังฝั่งที่พักพวกทุกคนตั้งขบวนรอยอยู่แล้วนีลาดูเหมือนจะลืมอาการเกรียวกราดกรูดแค้นที่มีตบุญคำลงไปได้เพราะความสนใจในสิ่งที่ระพินมอบให้มันเอามือแกะพลาสติกที่หุ้มอยู่ออกหยิบเอาน้ำตาลปอนขึ้นมาพลิกดูแล้วก็ดกจากนั้นก็ทดลองเอาใส่ปากแพะชิมพอรู้รสก็แสดงอาการชื่นชอบ ตบมือตีตีนส่งเสียงโวกเวกเรียกพักพวกเข้ามาแจกจ่ายกันตัวละก้อนสองก้อนอย่างยินดีคณะนายจ้างและพวกที่ล่วงหน้าไปคอยอยู่ก่อนแล้วไม่ทราบว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างหลังจนนีลาแทบจะเอาหินทุ่มบุญคำคอหักตายเมื่อเหลียวมาก็เห็นธรรมนพวกนั้นรุมกันอยู่ที่ถุงน้าตาลปอนซึ่งรพินมอบไว้ให้จึงพากันยืนดูยิ้มยิ้ ม, ยมอยู่ พอดีกับที่รพินก้าวตามจากลำธารขึ้นมาถึงไงเจ้าพวกนั้นทำไรกันนะดูเหมือนจะแย่งอะไรกันอยู่ท่าทางสนุกใหญ่เช่ะเชฐาถามเขาน้ำตาลปอนครับผมเหลืออยู่เป็นถุงสุดท้ายพอดีเลยก็เลยให้มันไว้เป็นรางวัลเนอะมีหน้าล่ะถึงแย่งกันใหญ่ดูดูไปก็ยิ่งน่ารักเหลือเกินนะเจ้าลียงพวกนี้มันบริสุทธ์เหมือนเด็กๆ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 เจ้าธมูลฝูงที่มาส่งนั้นพร้อมกับตะโกนสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายข้ามลำธารไปว่าไปแล้วนะนี่ล่ะขุทหารนครขีดขินกับพวกของมันทรอาการขยมตัวส่งเสียงโว ก, โวกตอบมาเหมือนจะเป็นคำอำลาเช่นกันดารินโบกมือให้ยอยๆอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งมาเรียเดินย้อนกลับมาฉุดแขนให้ตั้งหน้าตั้งตาเดินไปทันเชิากับชยัก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 แกกระซิบตอบหน้าตาเฉยรู้สึกสบายอกสบายใจอย่างยิ่งที่แกล้ำไอเนลาได้สําเร็จอย่างงดงามสมกับที่หมายมั่นปั้นมือมานานมันเป็นการเริ่มต้นคืบหน้าต่อไปอีกครั้งหนึง่งด้วยความแช่มชื่นกับปรี้กระเปร่าและเต็มด้วยพลังกำลังของทุกคนพร้อมด้วยกาลังใจอันเต็มเปี่ยมเสียงกระพินซึ่งไล่หลังขบวนขึ้นมาตะโกนสั่งความแง่ทายกับขยิน พร้อมกับชี้มือเป็นสัญญาณในการตั้งทิศและตัวเขาเองก็กระชั้นเข้ามาทันกลุ่มนายจ้างที่เดินรวมหมู่กันอยู่เราจะพยายามตัดเป็นเส้นตรงเข้าหาทิวปีกครุฑ ด, ด้านใต้ที่เห็นอยู่ก่อนครับเขาบอกพร้อมกับชี้มือทุกคนดูไปยังทิวเขาทยานหยับเยี่ยมฟ้าเสมือนกำแพงกั้นขอบจั ก, กรวาลอยู่เบื้องหน้าเป็นกาวรันรางอยู่ในม่านหมอกซึ่งปกคลุมอยู่ชั่วนิรัน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 มารียาฮอฟมันกล่าวเตือนอย่างคนที่ชำนาญในการเดินทางแผ่นแดนธุรกันดานมาแล้วเป็นอย่างดีแล้วหล่อนก็มองไปทางจอมพรานไพรวันถ้าไม่ถือว่าเป็นการบังอาจนะฉันอยากจะเตือนคุณว่าควรหาที่หมายสังเกตซึ่งระ บ, บุว่าในแผนที่เพื่อตรวจสอบไปทุกระยะด้วยจะได้แน่นอนยิ่งขึ้นอย่าไปหวังทิวปีกครุที่เรามองเห็นอยู่นั่นเป็นเครื่องสังเกตจากอย่างเดียว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 แต่จะอย่างไรเะพราพนใหญ่ผู้ชำนาญป่าอย่างเขาก็ย่อมจะประมาทและมองข้ามในสิ่งที่มาเรียบอกไปเสียไม่ได้และออกรู้สึกเป็นห่วงไม่น้อยเช่นกันให้เป็นเขาสูงหรือป่าดงดิบขวางกั้นหน้าพรานอย่างเขาก็ยังสะดวกใจสักว่าเพราะลักษณะของต้นไม้หรือหุบอ้วยย่อมจะเป็นเครื่องชี้บอกได้แต่ในพื้นที่โล่งลเห็นท้องฟ้าครอบเป็นกระทบค่ําอยู่รอบตัว ประหนึ่งเรือที่แล่นอยู่ในห่วงมหาสมุทรเช่นนี้มันอาจทำให้สำคัญผิดหรือหลงได้ง่ายกว่าและภูมิประเทศอันคุ้มครือนน่าคิดเช่นนี้ก็ก็ไม่เคยเดินผ่านมาก่อนสิ่งที่น่าเกรงที่สุด ก, ก็คือภาพลวงตาอย่างที่มาเรียพูดไว้อันเป็นผลมาจากสภาพของดินฟ้าอากาศแต่และเวลาซึ่งไม่เหมือนกันบางขณะทิวเมฆลิบลิบบเบื้องหน้า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 จึงแสดงความเป็นห่วงออกมาให้เห็นแวบหนึ่งที่หวนคิดไปถึงชดประชากรและหนานอินบุคคลจาบศูนย์จึงเป็นต้นเหตุที่ต้องออกติดตามกันอยู่ขณะ น, นี้คนทั้งคู่พิสุด์ได้ชัดว่าเป็นนักเดินทางมหาวิบากที่เยี่ยมยอดที่สุดชนิดที่ถ้าสามารถกำหนดดีกรีหรือประสาทปริญญากันได้ก็หยิบรางวัลดุษฎีบัณฑิตไปเลย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 แล้วก็เป็นความจริงตามที่มาเรียตื่นพอเวลาผ่านไปอีกครู่หนึ่งแดดกล้าเริ่มจะสาดกระจายไปทั่วภาพของทิวปีครุฑที่ทุกคนหมายตาอยู่ตลอดเวลาก็เริ่มจะเปลี่ยนรูปร่างไปราวกับมือของเทพเจ้ามาเขียนขึ้นใหม่มันสั้นจากด้านหนึ่งแล้วไปขยายเหยียดขึ้นอีกทางด้านหนึ่งยากมุมรอยโคง้งรอยคอดก็ผันเปลี่ยนไปหมด ตำแหน่งที่รพินชี้มือบอกคณะนายจ้างของเขาไว้แต่แรกความจริงเป็นกลุ่มหมอกที่ทอดต่อท้ายทิวเขาแท้จริงเท่านั้นทำให้เขาต้องหยุดชะงักอยู่กับที่ชั่วขณะเพื่อส่องกล้องสังเกตทำว่าทุกคนพลอยหยุดไปด้วยเฉถากับชา ย, ยันก็งัดกล้องประจำตัวขึ้นมาส่องตรวจ ด, ด้วยเช่นกันเอ๊ยยังไม่ทันจะเดินมาได้สักกี่ก้าวนี่พระอมาท่านก็ล้อเราเล่นเขาให้เสียแล้วแฮะ สหายปากเปราะของวายาพูดขึ้นดังๆพร้อมกับหัวเราะเสียงแปลกนี่ผู้กองคุณตั้งทิศเบนต่ำลงไปจากข้อเท็จจริงไม่น้อยกว่า1ิบดีกรีแล้วละ่ะเราตัดเข้าหาก้อนเมฆหรือแนวหมอกซึ่งอยู่เบื้องต่ำลงไปทางใต้นี่แทนที่จะตัดเข้าหาทิวปี่นครท้ายจริงนะจอมพราน ย, ยิ้มกร่อยๆมันดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่คณะนายจ้างแลเห็นในความบกพร่องของเขา นับตั้งแต่นำทางมาไอเส้นทางพิศวงดูว่าจะง่ายได้ที่สุดนี่ช่างทำความขายหน้าห้าแต้มให้แกมักคุเทพผู้ยิ่งยงอย่างเขาแท้ๆเนื่องมาจากความชล่าใจนั่นเองแต่ก็ดีเหมือนกันที่มันเป็นสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังเสียแต่ต้นมือครับแย่จริงๆผมนี่เขาพึงพมยอมรับและตาหนิตนเอง ต่อไปนี้เราเห็นจะห่างเข็มทิศกับแผนที่ไม่ได้ใชแล้วลครับที่แรกนึกว่าจะเป็นของหมูหมูเมตเตือนไว้ถูกต้องแลวลครับเราจะเชื่อสายตาเปล่าไม่ได้เลยนอกจากทิศกับแผนที่ยันประกอบด้วยเท่านั้นนี่ดีว่าแดดแรงขึ้นทาให้หมอกยางลงเราถึงมองเห็นทิวปีกครุฑแท้จริงได้ชัดแล้วก็ยังไม่แน่นะักว่าอากาศจะผันแปรไปยังไงอีกในเวลาผ่านไป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 เดินหน้าต่อไปผู้กองต่างเคลื่อนที่ต่อไปเงียบเงียบอย่างเป็นระเบียบโดยเบี่ยงขึ้นขวามือใบหน้าตรงกับทิวเขาที่แลเห็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดโ ช, ชยผ่านทุ่งอยู่ตลอดเวลาบางขณะก็ผ่านไปในทุ่งไม้ดอกประเภทล้มลุกอันยืนต้นสูงขนาดเขา่าออกดอกสะพรั่งเป็นสีเหลืองทองอารามไปจนสุดลูกหูลูกตาและบางขณะ ก็ฝ่าไปในทุ่งหญ้าขนที่ออกดอกปุยกระทบสายลมยามสายไหวลู่เป็นระลอกและราวกับลูกคลื่นในมาหาสมุทรสูงสูงต่ำตๆเนินแล้วเนินเล่าราวกับจะไม่มีที่สิ้นสุดตลอดเส้นทางที่ผ่านมาแลเห็นเก้งวางรูปร่างลักษณะและสีสันแปลกๆวิ่งผ่านออกมาในระยะห่าง